อยู่มาวันหนึ่งก็ไปนิมนต์หลวงจีนนามว่าสุขิวโรขึ้นเขามาสวดมนต์แพรส่วนกุศลไปยังผู้จากไปหลวงจีนรูปนี้เป็นพระวัดหลวงหัวนครต้ามหมิงเมืองหลวงบนทุนอุดอจรจ้าิกผ่านเขาเหลียงซานจะเลยไปทางมือจี้หนิงในระหว่างฉันอาหารมังสวิรัตพระครูก็สนทนาไปกับท่งเจียงซึ่งพยายามซักถามเอาความว่าเมืองหลวงบนทุนอุดรมีสถานที่หรือผู้คนที่โด่งดังบ้างหรือไม่ หลวงจีนกล่าวเป็นเชิงต่อว่าว่านี่เห็นได้ว่าพระศกยังไม่รู้จักชื่อเสียงของท่านกิเลนยกแห่งเฮอเป่ยสิกะละมังส่งเจียงกับปู่หยงเลยนึกขึ้นได้โดยพันส่งเจียงอุทานแล้วพูดว่าเฮ้ยยังไม่ทันแก่สักหน่อยเหตุฉัไหนเราจึงลืมเลือนเรื่องนี้ไปได้คนยังอยู่ในวชาการแทๆ้ๆไม่ควรจะแย่ถึงเพียงนี้ ในเมืองหลวงบนทุนอุดรมีเจ้าสัวผู้หนึ่งนามว่าลู่จินยี่สมัยาว่าที่เลนหยกเป็นหนึ่งในสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งบนทนเห่อเปยท่านอาศัยอยู่ในต้าหมิงวิทยายุทธลำเลิศยิ่งนักโดยเฉพาะฝีมือกระบองสั้นกับพร้องยาวหาไหนเทียบไม่ได้อีกแล้วหากเราได้เขาขึ้นมาร่วมก็ไม่ต้องไปเกรงกลัวตำรวจกระทั่งทหารรัฐบาลจะยกทัพมาจับูหยงได้ฟังกห็หัวเราะแล้วพูดขึ้นว่า เหตุฉันไหนต้องไปทุกข์ร้อนขนาดนั้นด้วยล่ะท่านพี่ท่านอยากได้เขามาร่วมชช้นนั้นหรือก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นที่ยุ่งยากสักกันหน่อยซ่งเจียงร้องขึ้นว่าท่านอาจารย์ขอรับอันตัวท่านผู้นั้นเป็นถึงหนึ่งในหัวหน้าตระกูลใหญ่แห่งนครต้าหมิงเหตุฉันไหนจะไปลดตัวท่านลงมาเป็นคนนอกกฎหมายร่วมกับเราได้ปูหยงตอบว่าข้าเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแล้ว แต่งลังๆให้ลืมไปข้ามีแผนจะพาท่านกิเลนยกขึ้นเขาแล้วขอรับส่งเจียงจึงว่าอันสมัยาว่าเจ้าแห่งมายานั้นใช่ว่าจะได้กันมาง่ายๆท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทัพขอรับโปรดไขแผนการของท่านออกมาให้แล้วใจด้วยเถิดขอรับวูหยงโอขึ้นว่าอาศัยลินล้นเลื่อนเพียงสามนิ้วข้าจะเข้าเมืองหลวงมณฑลอุดร โดยไม่ได้คิดวันผองพยันตรายใดๆวานล้อมลู่จนยี่ให้ขึ้นเขามาให้ได้เรื่องนี้ง่ายกระดุดล้วงมือเข้าไปหยิบของในไทยก็แค่ควานมือลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาที่ข้าอยากให้ตามไปเป็นเพื่อนด้วยก็คือผู้กล้าที่แลดูทะมึงถึงสักหน่อยอีกผู้หนึ่งก่อนจะทันพูดจบสาตันดำรีขุยก็ตะโกนขึ้นว่าเอ้ยเอาข้าไปเอาข้าไปท่านพี่ที่ปรึกษาทับซ่งเจียงตวาดว่า เยพอทีเถอะเจ้าหากต้องการคนวางเพลิงเข็นข่าผู้คนล้นสะดมบ้านช่องหรือบุกตตเมืองเจ้านั่นเหมาะจะออกหน้าอยู่แต่นี่เป็นปฏิบัติการที่พิธีพิถันอาศัยความละเอียดอ่อนเจ้ามันร้อนแรงเกินไปโอ้โหท่านพี่นักดูแคนหาว่าข้าหน้าตาอัประัเพราะอย่างนั้นจึงได้กีดกันไม่ข้าไปใช่ไหล่ะบ้าท้อข้ารู้หรอกท่านพี่ ไม่ใช่เช่นนั้นดอกต้าหมิงหูตาตำรวจเต็มไปสิ้นหากมีใครเกิดจำเจ้าได้ก็จบเหกันเฮ้ย hey, ไม่มีใครเหมาะกับคุณนัสมบัดที่ท่านพี่ที่ปรึกษากำหนดมามากกว่านี้ไปอีกแล้ววูยงรีบตัดบทว่าเออก็ได้ข้าจะเอาเจ้าไปแต่ต้องสัญญามาสามสิ่งก่อนหาไม่ก็อุดอู้อยู่ที่นี่ต่อไปอย่างนี้แหละโอ้้ ห, หาสาม่ไปะนะ สาิบก็ยังไหวนะขอรับข้อแรกเพราได้เมาเจ้าก็เหมือนดังไฟป่าดังนั้นจากวันนี้ไปห้ามดื่มเหล้ากลับมาค่อยว่ากันข้อสองเวลาไปให้แต่งตัวเป็นเนนเตา่าคอยประนีบัตรรับใช้เต้าสืออย่างข่าข้อที่สามข้อนี้ยากที่สุดเริ่มตั้งแต่พรุ่ง น, นี้ไปห้ามพูดอะไรไปโดยเด็ดขาดต้องทําตัวเป็นใบสัญญาให้ครบสามจึงจะให้ตามไปด้วย โอยแย่เลยไม่ให้กินเหล้าแต่งตัวเป็นเนนนั้นพอไหวขอรับแต่ให้เป็นใบนี่สิจนใจนักข้าคงขาดใจตายเป็นแน่เฮ้ยเอ า, เอาแค่อ้าปากเจ้าก็จะลากพวกเราให้อับจนลีคุยร้องขึ้นว่าเอาละเอาละ่ะของกล้วกล้วยข้าเพียงอมเหรียญที่แปะเอาไว้ในปากแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วขอรับบรรดาในโจรพากันหัวเราะ ก็แล้วใครเล่าจะไปพูดให้ลี่ขุยเปลี่ยนใจยอมถูกทิ้งไว้ข้างหลังวันนั้นมีการจัดเลี้ยงอำลาขึ้นในหอทาพักดีตกเย็นทุกคนก็แยกย้ายกันไปพอรุ่งเช้าวูหยงรวบรวมข้าวของสั่งลี่ขุยที่แต่งตัวเป็นเนนให้คอนหาบลงเขาไปส่งเจียงกับในโจนคนอื่น พากันลงมาส่งจนถึงหาดทรายทองพวกเขาสั่งเสียวูหยงให้รอบครอบระมัดระวังควบคุมลี่ขุยไม่ให้ไปก่อเรื่องวูหยงกับลี่ขุยก็อำลาจากไปส่วนคนอื่นๆก็พากันกลับขึ้นเขาทั้งสองเดินทางกันไปพอตกค่ำเข้าพักโรงเตรมตื่นแต่เช้าหุงหาอาหารแล้วออกเดินทางต่อเป็นชิ้นนี้ไปสี่ห้าวันระหว่างนั้นลี่ขุยคอยหาเหตุสร้างความราคาญใจให้วูหยงไม่มีที่สิ้นสุด พออีกหลายวันต่อมาทั้งสองก็มาถึงโรงเตรียมนอกเมืองต้ามหมิงสองสิทธิ์อาจารย์ก็เข้าไปพักตอนรี่ขุยลงไปเตรียมอาหารเย็นก็ทุบตีบริกรผู้หนึ่งจนกระอักเป็นโลหิตเข้าให้อีกเด็กรับใช้รีบขึ้นมาฟ้องบูหยงบนห้องอ๋อท่านเตาจือไอ้เน้นใบของท่านผู้นั้นกรักขะเหลือร้ายข้าก่อไฟช้าไปนิดเดียวมันก็ทุบเอาจนข้าไอเป็นเลือด <laughs> ปูยงเรียบขอเข้ามาเอาเงินอีแปดพวงส่งให้เป็นค่าเจ็บตัวหันหน้ามาดูด่าลี่ขุยเรื่องนั้นเราจะไม่เล่าอีกนะครับพอเช้าก็รีบตื่นปรุงมื้อเช้าแล้วก็กินปูยงเรียกรี่ขุยเข้าไปหาในห้องแล้วพูดขึ้นว่า <assim. S 1> เจ้าเองที่เป็นฝ่ายอ่อนวอนขอตามมาด้วยแล้วนี่เห็นไหมไมีแต่สร้างเรื่องจันไรให้ข้าเดือดร้อนรําคาญใจมาโดยตลอด วันนี้เราจะเข้าเมืองกันแล้วในเมืองไม่ใช่สถานที่ที่จะให้ไปเตรดเตรดเที่ยวเล่นข้าไม่ต้องการให้เจ้าเอาชีวิตข้าไปเสี่ยงเข้าใจไหมลี่ขุยลี่ขุยจึงว่าโอ้โหท่านพี่จะให้ถึงขั้นนั้นข้าก็ไม่กล้าดอกขอรับถ้าเช่นนั้นนะนะจงจำสัญญานี้เอาไว้ให้ดีหากข้าสายหน้าจงอย่าได้เคลื่อนไหวใดๆโดยเด็ดขาดลี่ขุยให้สัญญา ทั้งสองออกจากโรงเตี๊ยมปลอมตัวเข้าไปในเมืองวูหยงซึ่งเดิมเป็นเต่าหยิ่นก็รัดผมด้วยผ้าไหมย้วยสีดำปรกลงมาจรดคิ้วผมจีวรเต๋าอย่างเต้าสือสีดำสนิทคลิบชายด้วยผ้าขาวใช้ผ้าหลับสีข้าวเอลเท้าทั้งสองสอดอยู่ในรองเท้าผ้าหุ้มข้อหัวตัดถือไม้เท้ายาวดัดปลายติดไว้ด้วยกระดิ่งสำริจแวววาวราวกับทองฝ่ายลี่ขุยนั้นแบ่งผมดกหยาบสีน้ำตาลแดงกล้าวรัดกลัดจุกเอาไว้เป็นสองหนอก ปกปิดเรือนร่างดังพยักไร้าเอาไว้ใต้เสื้อคลุมสั้นเนื้อหยาบสีน้ำตาลรัดประคดหลากสีกุญช่ายคาดพุงหลามดังพุงหมีป่าสวมรองเท้าปีนเข่าหัวเปิดถือไม้เท้าติดแผ่นป้ายเอาไว้ที่ปลายขออ่านได้ความว่าดูดวงหนึ่งตําลึงเงินก็ในยามนั้นโจรผู้ร้ายลุกลามไปทั่วทุกหย่อมหญ้าจนทุกตําบลทุกจังหวัดต้องจัดหากองทัพเอาไว้ป้องกันเมืองในเมื่อเมืองหลวงมณฑลดรเป็นเมืองเอกของมนทลเหือเป่ย การบัญชาการทัพจึงขึ้นตรงต่อผู้ว่าการเหลียงตาหมิงเป็นเมืองที่มีการวางผังเอาไว้เป็นอย่างดีปูหยงกับลี่ขุยเดินวางท่าผ่านประตูเมืองเข้าไปทหารรักษาประตูเมืองราวสี่สิบห้าสิบคนยืนล้อมเก้าอีนั่งของผู้บัญชาการผู้หนึ่งอยู่ปูหยงก็เร่เข้าไปหาพลางโค้งคารวะทหารยามผู้หนึ่งเอ่ยถามขึ้นว่าตาห่นสือท่านนี้มาแต่ไหนหรือขอรับปูหยงตอบว่าข้าไม่นำบาดางหยง นี่เป็นลูกสิ์ข้านามว่าลีข้าเป็นหมอดูโชคชะตาราศีจะมาดูดวงในเมืองบูหยงก็เอาไปอนุญาตพร้อมยื่นให้บรรดาทหารยามตรวจดูทหารบางคนเอ่ยขึ้นว่าอุย๊ยไอ้ศิตท่านผู้นี้ตาขวางนักดูมีเลขกระเท้ร้าวกับโจนผู้ร้ายลี่ขุยได้ยินก็เตรียมจะระเบิดวูหยงเรียบใส่หน้าลี่ขุยหลบตาลงต่ำวูหยงกล่าวเป็นเชิงของขอมาว่า เรื่องมันยาวนะขอรับมันผู้นี้เป็นใบมาแต่กำเนิดแต่ก็แข็งแรงนักมันเป็นบุตรนางทาสีคนหนึ่งของข้าข้าจำต้องเอามันมาด้วยมันไม่รู้มารยาทใดๆดอกเอาไปให้มันด้วยเถิดวูหยงล่วงผ่านด่านประตูเมืองเข้าไปโดยมีลีขวยตามไปติดๆพวกเขาเดินไปจนถึงกลางเมืองบูหยงก็ขาย่ำกระดิ่งแล้วขับลำนาขึ้นว่า กันโรได้ดีมาแต่เกิดซื้อหยามาสบายเมื่อปลายมือเพงสู้กับเหยยนหุยต่างอายุไขฟันตันจนยากซื้อจงมากร่ำรวยฟ้าดินเลือกอำหนวยลิขิดให้ไปต่างๆโชคชะตาราศีฟ้าลิขิดชีวิตมนุษย์ข้าเห็นวันตายทํำนายวันเกิดรู้สิ้นใครจะเลิศหลังใครจะทำต้อย ปูหยงตะโกนเสียงดังให้ได้ยินไปทั้งละแวกอยากรู้ดวงชะตาราคาตำนึงเดียวว่าแล้วก็เขย่ากระดิง่งเด็กๆห้าสิบหกสิบคนเดินตามหลังมาเป็นพรวนทั้งร้องเพลงหัวรอต่อกซิกหยอกยอ ก, กันมาตามทางขาบวนนั้นก็ผ่านไปทางด้านหน้าโกดังเก็บของของเจ้าสัวลูกไม่ช้าวูหยงก็เดินกลับมากลายหน้าบ้านไปอีกคำรบหนึ่งขบวนเด็กๆ ก, ก็แห่ตามกันมาเป็นหางเหมือนจังเก่า ในยามนั้นลูกเอกเนตรอยู่ในสำนักงานคอยกำกับลูกจ้างตรวจตรารับส่งสินค้าเข้าออกพอได้ยินเสียงร้องก็หันไปถามหัวหน้าเสมียนงานประจำวันเอา้ามีอะไรอึกระทึกกันด้านนอกนั่นหรือเสมียนผู้นั้นตอบว่าตลกเส้นดีขอรับใต้เท้าเต่าสื้อหมอดูจากนอกเมืองผู้หนึ่งเร่ไปตามถนนจะดูหมอแต่คิดราคาต้องหนึ่งตำลึงเงินใครจะไปมีเงินให้มากมายขนาดนั้น มีสิทธิ์ตามมาด้วยอีกคนหนึ่งดูท่าทางสกรปรกเดินเหินไม่เหมือนมนุษย์นะพวกเด็กๆแหาตามมาหวีหาทรงเจ้าสัวพูดขึ้นว่าหากไม่มีอะไรดีคงไม่กล้าโอดถึงเพียงนี้ท่านต้องเป็นสินแสผู้คงไก่เรียนแน่ๆรีบไปเชิญท่านเข้ามาเสเมียนรับใช้รีบออกไปแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่านอาจารย์ครบับท่านเจ้าสัวใช้ข้ามาเรียนเชิญท่านเข้าไปข้างหนแน่เออ แล้วท่านเป็นผู้ใดกันอ๋อท่านเจ้าสัวหลู่จุนยี่ขอรับวูหยงสั่งลี่ขุยให้ตามเข้าไปเลิกม่านประตูแล้วตัวก้าว เ, เข้าไปด้านในสั่งลี่ขุยให้นั่งคอยที่เก้าอี้คอห่านที่ปากประตูเดินตรงไปหาลูกพร้อมกับโค้งคำนับลู่รีบคำนับตอบแล้วพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ท่านมาจากไหนแล้วชื่ออันใดหรือขอรับเออข้ามีนามว่าจางหยง ข้าเรียกตนเองว่าโอดแจ้งเจดสวรรค์พื้นเพรเป็นคนสารตรงข้าดูดวงให้ทั้งองค์พระจกักรพรรดิคำนวณวันเกิดวันตายอยากดีมีจนด้วยตำลึงเงินข้าสามารถบอกดวงชะตาของท่านได้ลูกจึงเชิญวูหยงให้ไปข้างในเก๋งหลังน้อยลูกเป็นสาลาอยู่ใต้ซุ้มไม้หลังตึกใหญ่แล้วนั่งลงในฐานะแขกกับเจ้าบ้านหลังจากยกน้าชาออกมาบริการแล้วลูกก็สั่งเสมียนรับใช้ผู้นั้น ให้เข้าไปนำเงินหนึ่งตำลึงออกมาแล้วพูดกับเต้าสือว่าถ้าเช่นนั้นท่านอาจารย์ที่เคารพโปรดดูดวงชะตาข้าด้วยเถิดเต้าสือย้อนถามไปว่าแล้วท่านเกิดเมื่อใดหรือท่านเจ้าสัวจึงว่าคนดีจะมองข้ามด้านดีถามหาแต่ด้านร้ายดังนั้นวานท่านอาจารย์กรุณา่าได้เอ่ยถึงด้านเจริญรุ่งเรืองดูแต่ด้านอื่นดีกว่าขอรับ ตอนนี้ค่าอายุได้สามสิบสองแล้วแล้วลูกก็บอกวันเดือนปีเกิดพร้อมทั้งเวลาตกฟากวู ห, วหยงหยิบลูกคิดเหล็กขึ้นมาคำนวณง่วนอยู่พักหนึ่งแล้วเวี่ยงลงพื้นโครมใหญ่อุทานเสียงหลงว่าไม่น่าเชื่อลูกตกใจรีบซักไซทันทีมีอะไรรอท่าอยู่เบื้องหน้าหรือขอรับท่านอาจารย์ หกท่านไม่คิดเห็นเป็นการว่าร้ายข้าก็จะบอกให้ท่านอาจารย์โปรดชี้แนะคนตาบอดมาตามตรงเถิดขอรับเออภายในร้อยวันข้างหน้านี้น่ะนะเลือดตกยางออกจะมาเยือนถึงเรือนชานทรัพย์สินประจำตระกูลจะสูญหายตัวท่านเจ้าสัวเองน่ะนะจะต้องตายด้วยศาสตราอาวุธลี่จุนยี่ได้ฟังก็หัวเราะแล้วเอ่อยขึ้นว่า <Hey! S 2> ท่านอาจารย์ท่านดูผิดซะแล้วข้าเกิดและเติบใหญ่มาในครอบครัวที่มั่งคั่งอาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้มาโดยตลอดบรรพชนฝ่ายชายไม่เคยมีใครทําผิดกฎหมายแม่หม่ายฝ่ายสตรีก็ไม่เคยมีผู้ใดแต่งงานใหม่ส่วนตัวข้าเองก็กระทําแต่กรรมดีมีมารยาทไม่เคยรับสินจ้างสุปกปลดและจะให้ไปเพาะดวงชะตาถึงขั้นเลือดตกยังออกขึ้นมาได้อย่างไรกันสีหนา้าบูหยงเครียดลง ส่งเงินแท่งนั้นคืนให้แล้วลุกขึ้นเดินกลับไปที่ประตูแส้พูดให้ได้ยินว่าโอ้หนอผู้คนทุกวันนี้อยากจะฟังแต่เรื่องดีๆกันทั้งนั้นพราฮนทรถอนหายใจใหญ่ฮ้ถ้าเช่นนั้นทัดลืมมันไปเสียเถิดข้าเองคิดจะบอกแต่หุนทางสว่างแต่ท่านกลับเห็นว่าคำพูดข้าเป็นสิ่งเลวร้ายข้าจะไปเสเดี๋ยวนี้แหละโอ้ท่านอาจารย์ขอรับโปรดจะด่วนโมโหโทโส ข้าน้อยเพียงแต่ลอเล่นข้าต้องการฟังคำชี้นแนะจากอาจารย์อยู่นะขอรับหากพูดตรงๆก็อย่าได้ถือโทษโกรธเกลี้ยกันท่านอาจารย์จงว่ามาให้หมดตักย่าได้ขยักเอาไว้เลยเออท่านเจ้าสัวชีวิตท่านนั้นสมบูรณ์พูนฉุกอยู่แล้วแต่ดวงชะตาของท่านปีนี้เกิดไปทับหลักเทพแห่งโชคชะตาทาให้ตกที่นั่งลาบากยิ่งนัก ภายในร้อยวันศีษะท่านจะหลุดออกจากบาชะตาถึงคาดเช่นนี้หนีไม่พ้นเจ้าสัวจึงถามว่าออแล้วจะมีอะไรให้พอหลบเลีกให้บรรเทา เ, าเบาบางลงได้บ้างไหมขอรับบูหยงหันไปง่วนอยู่กับลูกคิดรางนั้นอีกคำรบหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นว่า อ, อท่านเจ้าสัวจะเดินทางลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของที่นี่สักพันลี้แม้จะต้องทนตกอกตกใจไปบ้าง แต่ก็ไม่ถึงขั้นบาดเจ็บเลือดตกยางออกท่านเจ้าสัวจึงว่าออหากท่านอาจารย์จัดการเรื่องนี้ได้ข้ายินดีจะตกรางวัลให้ท่านอย่างงามเต้าสือจึงว่าข้าจะบอกคำทำนายสี่บทท่านเจ้าสัวต้องจานจะรดเอาไว้บนกำแพงหากมันเกิดเป็นจริงท่านจะได้รู้ซึ้งถึงอิทธิฤทธิ์ของข้าลู่เรียกหาท่านฝนมึกกับผู้กันปู่หยงไร้าคาทานายทั้งสี่บทออกเป็นลานา แล้วให้ลูกเขียนลงบนผนังปูนขาวภายในห้องเหือน้อยร้อยปากกผู้กล้าท่องทกย้มทกนึกคุณธรรมในใจใฝ่สำนึกโมยบินแวกอัึกหนีเคราะห์ปูยงเก็บลูกคิดโค้งคารวะและหมุนตัวจะกลับไปเจ้าสัวลูกอ้อนวอนให้อยู่ก่อนอย่างน้อยก็ค่อยไปตอนแดดบ่ายปูยงเอ่ยขึ้นว่า ขอบคุณที่ท่านโปรดเมตตาแต่ข้าต้องไปดูหมอต่อวันหลังจะกลับมาน้อมคาราวะอีกครั้งหนึ่งขอรับลูกตามไปส่งจนถึงประตูรัว้วลี่ขุยหยิบท่อนไม้ปลายตะขอเดินผระไปวูหยงกล่าวอำลาเจ้าสัวลูกตามลี่ขุยออกไปจนพ้นกำแพงเมืองกลับไปยังโรงเตียมที่พำนักชำระเงินแล้วเก็บข้าวของลี่ขุยถือป้ายหมอดูจากไปหลังจากออกจากโรงเตียมได้วูหยงก็กระิมยิ้มย่งยองไปยิ่งนัก งานใหญ่สำเร็จลุล่วงไปแล้วตอนนี้พวกเราเรีบกลับค่ายได้คอยท่าต้อนรับท่านลู่จุนยี่ไม่ช้าก็เร็วท่านจะต้องมาหาเราอย่างแน่นอนย้อนกลับมาทางเจ้าส่วลู่ทุกเย็นก็ออกมายืนนอกบ้านเฝ้าแหงนหน้ามองฟ้าด้วยความกระวนกระวายใจไม่เป็นสุขบางครั้งก็พึมพำกับตัวฟังไม่ได้สับ ในที่สุดวันหนึ่งก็หมดความอดทนเรียกหาบรรดาสเมเอียนเข้ามาหารือในไม่ช้าทุกคนก็มาถึงหัวหน้าสมียนมีนามว่าลี่กู้พื้นเพเป็นคนเมืองหลวงตะวันออกแต่มาหาเพื่อนที่เมืองหลวงบนทุนอุดรพอมาถึงตามหายังไงยังไงก็ไม่เจอเดินโสดซดโสดเซมาล้มอยู่หน้าประตูบ้านเจ้าสัวด้วยความหนาวจนแข็งลี่จุนยี่พาเข้ามาในบ้านช่วยชีวิตเอาไว้ด้วยเหตุที่ลี่กู้เป็นคนขยันขันแข็งสามารถอ่านเขียนคำนวณตัวเลขได้ ลูกจึงตั้งให้เป็นพ่อบ้านพออยู่ต่อมาได้ห้าปีก็ขึ้นเป็นหัวหน้าเสมียนควบคุมดูแลกิจการร้านรวงทั้งภายในและภายนอกมีเสมียนลูกน้องในบรรคับบัญชาทั้งสิ้นสี่สิบห้าสิบคนคนเหล่านั้นก็ตามรีกู้เข้ามาคาราวะเจ้าสวยอย่างนอบน้อมลูกกว่าสายตาไปทั่วแล้วเอ่ยถามขึ้นว่าแล้วคนอีกคนหนึ่งของข้าหายหน้าไปอยู่ซะที่ไหนวะฮะ พูดออกไปยังไม่ทันขาดคำคนคนหนึ่งนั้นก็ทลันเข้ามาหยอบ ก, กายอยู่ต่อหน้าบุรุษผู้นั้นสูงราวหกเซียอายุอนามด้สัก 24-25 ไว้หนวดบางประดับคางด้วยคราวแพะเอวบางหัวไหล่กลางกว้างพวกผ้าม้วนเป็นทรงผลมะตูมผมที่กลางกระม่อมลอดรูผ้าออกมาปอยหนึ่งเสื้อคลุมคอกลมสีขาวกุญขอบรอบคอด้วยได้เงินผ้ารัสเเอลถักด้วยได้แดงแต้มจุดเล็กๆสีขาว สองเท้าสอดอยู่ในรองเท้าหนังขัดมันสีน้ําตาลงวงทองสองห่วงตีเป็นรูปสัตว์เดรัจฉานห้อยเอาไว้ที่ท้ายถอยผ้พาพันคอไหมส่งกลิ่นหอมเสียบพัดพับด้า น, นเล็กๆที่นักอักษรประดิษฐ์พวกมีลือนามเขียนกรอนกำกับไว้ไขว้ขัดอยู่กับรัดประคตทัดดอกไม้สดเอาไว้เหนือใบหูชายหนุ่มผู้นี้เป็นคนพื้นเพเมืองหลวงมนทนอุดรหลังจากต้องกำพร้า พ, พ่อแม่มาแต่เด็กเจ้าสัวลูกก็เก็บเอามาเลี้ยง ด้วยเพราะผิวขาวราวหิมะลู่จึงจ้างช่างศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญมาจาร์ลวดลายเอาไว้ตามตัวเป็นสีสันจัดจ้านปานขนนกกระเต็นตัดทับกับหยกเนื้อขาวสวดทรงองค์เอวงดงามไม่มีผู้ใดเทียบบุรุษหนุ่มผู้นี้ใช่จะเป็นเพียงเจ้าของรอยศักด์ที่แสนจะงดงามแต่ทั้ว่ายังเป่าขลุยดีดพินทั้งร้องทั้งรำทั้งเล่นคำปริศนาได้นานาสารพันเรียกได้ว่าไม่มีสิ่งอันใดที่ชายผู้นี้จะไม่รู้ไม่มีสิ่งอันไหนจะทำไม่สำเร็จ ชายผู้นี้พูดได้หลายสำเนียงรู้สิ้นทุกสัตว์แสงแจ้งไปทุกกิจการงานช่างส่วนศิละปะการต่อสู้นั้นเล่าก็หามีผู้ใดกล้าเปรียบใช้หน้าไม้แหล่ลูกเกาทันสั้นแค่สามดอกได้สุดฉมังยิงไปไม่เคยผิดยามที่ออกล่าสัตว์ตามชาตเมืองสามารถส่องได้ทุกสัมสัตว์หากลองได้ลั่นไก่หน้าไม้เป็นได้ทุกตัวหากเข้าป่าในตอนเช้าพอตอนเย็นกลับออกมาเป็นได้นกหนูไม่ต่ำกว่าร้อย วาดรางวัลในการยิงหน้าไม้มาทั่วพบจบแดนไวพ้พริบปฏิพานลำเลิศแค่อ้าปากจะถามก็รู้แจ้งจบสิ้นทุกประเด็นคนผู้นี้มีนามว่าเยียนฉิงพวกคนในเมืองหลวงมณฑลอุดรที่เจ้าสมบัติสำนวนตั้งสมุญญาให้ว่าอัจฉริยะเทพเขาเป็ <ś class> นที่ปรึกษาที่ไวเนื้อเชื่อใจเป็นที่สุดของเจ้าสวลูก <ś class> บรรดาผู้ที่ลู่เรียกหาพากันคารวะแล้วตั้งแถวแบ่งออกเป็นสอง ลี่กู้นำแถวฝั่งซ้ายเยียนชิงนำแถวฝั่งขวาเจ้าสัวลู่จึงเอ่ยขึ้นกับทุกคนว่าเมื่อวานก่อนหมอดูผู้หนึ่งมาดูดวงชะตาให้ข้าและทำนายว่าภายในร้อยวันข้าจะต้องประสบเคราะห์กรรมถึงเลือดตกยางออกจะต้องเสด็จเคราะห์เสียด้วยการเดินทางจากที่นี่ลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้สักพันลีข้าพิเคราะห์ดูก็เห็นว่าถ้าจะตรงกับจังหวัดไทอานที่นั่น มีวัดบนเขาไทศารอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดเทพสวรรค์เทพที่วัดนั้นกุมดวงชะตาของมวลมนุษยชาติทั้งสิน้นไม่ว่าจะเกิดจะตายจะร้ายจะดีหรือว่ามีเหตุเพศภัยต่างๆข้าคิดว่าจะไปเผาทูบสะดอกเคราะเสียที่วัดนั้นขณะเดียวกันก็จะถือโอกาสเดินทางไปค้าขายเปิดหูเปิดตาชื่นชมทัศนียภาพลี่กู้ข้าอยากจะได้เกียนขนาดใหญ่ศักดิ์สิทธิ์เล่มขนข้าวของในท้องถิ่นแถบสารตุงของเรา ใส่ให้เต็มแล้วไปเก็บข้าวของส่วนตัวเพราะจะใช้ให้เจ้าไปในเที่ยวนี้ด้วยส่วนเหยียนฉิงเจ้าอยู่ที่นี่คอยดูแลบ้านช่องและร้านค้าของเราให้ดีให้ลี่กู้ส่งมอบหน้าที่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จข้าจะออกเดินทางในสาวันข้างหน้านี้ละ่ะลี่กู้รีบขัดขึ้นว่าน้ยท่านท่านถูกหลอกเสร็จแล้วขอรับใครๆต่างก็รู้ว่า ่าไปหลงคารมไอพวกหมอดูดังที่โบราณว่าหมอดูก็คิดแต่จะขายความตื่นตาตื่นใจเท็จจริงเช่นไรไม่ใส่ใจบอกกล่าวท่านอย่าได้ไปเชื่อเรื่องเหลวไหลพนั้นเลยนะขอรับจงอยู่บ้านเถิดไม่ต้องไปแกรงเพศภัยอันใดดอกเจ้าสัวจึงพูดว่าดวงชะตาของข้าถูกกาหนดเอาไว้หมดแล้วอย่าได้พยายามห้ามเลยหากวันใดโชคร้ายกลายมาถึงวันนั้นจะรู้ซึงว่าสายไปเสแล้ว เยียนชิงก็เอ่ยขึ้นว่านายท่านโปรดรับฟังความเห็นอันต่ำต้อยของข้าน้อยด้วยเถิดขอรับทางปไปไถ่านนั้นต้องผ่านเลียงซานปาะในพึ่งน้ําแห่งนั้นเต็ไมไปด้วยโจรไพรในกํากับของส่งเจียงไม่ว่าพวกมันจะพ้นข่าเผาทํำลายหมู่บ้านเสียนักต่อ น, นักแต่ทางการไม่ว่าทหารตํารวจล้วนไม่อาจเข้าใกล้หากนายท่านต้องการจะไปเผาทูกเส้นไหว้ก็ควรรอให้เรื่องนั้นสงบลงไปกว่านี้อีกสักหน่อย โปรดจะได้ใส่ใจกับเรื่องเลวไหลของหมอดูผู้นั้นเลยบางทีมันอาจจะเป็นโจรเขาเหลียงซานทรงมั ก, กวุเรื่องล่อลวงท่านให้ไปร่วมเสียดายนักหนาที่ข้าไม่อยู่บ้านวันก่อนแค่สักสองสามประโยคก็คงจะเปิดองมันให้เป็นที่เยอะหยันกันได้แล้ว เ, เจ้าสัวจึงย้อนว่าเฮ้ยพวกเจ้าสองคนพูดจาหน้าเหม็นเบือ่อใครที่ไหนจะกล้ามาลวงข้าให้กระเจอกงอกงอยบนเขาเหลียงซานพวกนั้น มันจะไปสัมมาหาอะไรนักหนาข้ดจะกวาดพวกมันให้เหมือนฟันญ้าแต่จริงๆแล้วจับมันมาเป็นๆท่าจะดีกว่าสแสดงวิทยายุทธให้พวกมันได้เห็นว่าคนจริงนั้นเขาทํากันยังไงก่อนจะทนันพูดจบสตรีนางหนึ่งก็โผล่ออกมาจากหลังม่านบางตาเป็นพัญญาผู้มีนามว่านางเจี๋ยผู้นั้นนั่นเองนางทัดทานขึ้นว่าท่านพี่ข้ายืนฟังท่านพี่พูดอยู่ครู่ใหญ่แล้ว อันโบราณว่าอยู่บ้านแสนเบิกบานใจดีกว่าจากไปแม้จะไกลเพียงลี้่าได้สนใจไอ ห, หมอดูผู้นั้นเลยนะเจ้าคะ่ะหเหตุชนไหนจึงคิดทิ้งกิจการบ้านช่องอ้างไปทำการค้าแต่ทว่าที่จริงคิดแค่จะออกไปเผชิญลมฝนมุดถ้ำมังกอนนอนดงเสือมากกว่าอยู่บ้านเถอะนะเจ้าคะ่ะพักผ่อนอยู่เงียบๆจะได้ไม่ต้องไปหยุกหยิกราคาญใจอยู่สบายๆไม่มีอะไรมาแพร่พานเราได้ อผู้หญิงอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรเฮ้ข้าตกลงใจแล้วไม่ต้องการฟังเสียงอะไรจากใครๆทั้งนั้นชอบชักไมให้เรือเสียเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งโมโหลูกน้องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดก่อนดก่อนเตะเมียอุลลูกน้องแม่งเลยเดี๋ยวเดียเดี๋ยเย็นฉิงจึงเอ่ยว่าน้อยท่านตั้งแต่เล็กข้าน้อยก็ได้ตากอยู่ใต้รัศมีอาบารมีของท่านมาโดยตลอด ได้มีโอกาสเล่าเรียนวรยุทธ์ใช่ว่าจะคุยต่ออ้อวดแต่ถ้าท่านเอาข้าไปด้วยหากเกิดโจรสไพรมาตามทางข้าก็อาจจะความพวกมันลงได้ไม่น้อยกว่า4ี่สิบห้าสิบทิ้งหัวหน้าสมียนลี่เอาไว้ดูแลบ้านทางนี้แล้วเอาข้าไปแทนก็จะดีไม่น้อยเลยนะขอรับเฮ้ยไม่ได้ดอกอันลี่กูนั้นรู้หลักธรรมมาค้าขายในบางเรื่องที่ข้าไม่รู้ส่วนอีกหลายเรื่องก็ใช้การได้ น wow. ah ั่นเป็นเหตุที่ข้าต้องเอาเขาไปแทนเจ้าส่วนคนอื่นๆก็ให้ดูบัญชีข้าวของดังนั้นทั้งหมดที่เจ้าต้องทำตอนอยู่ที่นี่ก็คือดูแลเครืองหาดให้ดีเยียนฉิงจึงเอ่ยว่าน้อยท่าน ตั้งแต่เล็กข้าน้อยก็ได้ตากอยู่ใต้รัศมีอาประมีของท่านมาโดยตลอดได้มีโอกาสเล่าเรียนวรยุทธ์ใช่ว่าจะคุยต่ออ้ออวดแต่ถ้าท่านเอาข้าไปด้วยหากเกิดโจรไพรมาตามทางข้าก็อาจจะความผุ้มาลงได้ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าสิบทิ้งหัวหน้าสมียนรี่เอาไว้ดูแลบ้านทางนี้แล้วเอาข้าไปแทนก็จะดีไม่น้อยเลยนะขอรับลี่จุนยี่จึงแย้งขึ้นว่า ไม่ได้ดอกอันลี่กู้นั้นรู้หลักธรรมมาค้าขายในบางเรื่องที่ข้าไม่รู้ส่วนอีกหลายเรื่องก็ใช้การได้นั่นเป็นเหตุที่ข้าต้องเอาเขาไปแทนเจ้าส่วนคนอื่นๆก็ให้ดูบัญชีข้าวของดังนั้นทั้งหมดที่เจ้าต้องทำตอนอยู่ที่นี่ก็คือดูแลเครือข่ายให้ดีลี่กู้ครวรว่า เฮ้ยใต่เท้าขอรับหลังๆมานี่ขาดเจ็บขาคงจะเดินเหินไปไหนไม่ได้ไกลดอกเจ้าสืกรวจัดตะหวาดไปว่าเฮ้ยเลวหลอันธรรมดาคนเขาฟูฟังทหารกันไปแรมเดือนแรมปีก็เพื่อรบแค่ไม่กี่วันข้าต้องการให้เจ้าไปกับข้าเที่ยวนี้แต่กลับเพี้ยนหาเรื่องมาโยกเยอไอ้คนต่อไปที่กล้าตอปากตอคําจะให้มันลองชินกับปั้นหมัดนี้ดูเฮ้ย ลี่กู้กลัวลนลานหันไปมองนายหญิงนางได้แต่เดินกลับเข้าห้องไปอย่างเศร้าเส้าเย็ยนชิงก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาลี่กู้กล่ำมกลืนความอพยศอดสูเดินไปจัดเก็บข้าของแล้วออกไปเตรียมเกวียนขนาดใหญ่พร้อมสารถีสิบเล่มกับมัเทียมอีกสี่0ิบห้าสิบตัวคนเข้าของใส่จัดการผูกมัดหีบห่อสินค้าเอาไว้อย่างมั่นคงลี่จุนยี่จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง พอถึงวันที่สามก็เผากระดาษสวดมนต์ว่านเงินทองให้สมาชิกชยายหญิงในครอบครัวเรียกแต่ละคนมาสั่งเสียแล้วหันไปสั่งลี่กู้ให้รีบตื่นแต่เช้าออกเดินทางล่วงหน้าไปกระ บ, บาบอีกสองคนลี่กู้จากไปนางพันยาของเจ้าสัวพอเห็นเกวียนก็น้ำตาไหลรุ่งขึ้นยามห้าเวลาเช้า ลู่ตื่นขึ้นลังหน้าแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่รวบรวมอาวุธแล้วตรงไปยังตึกหลังเผาทูบเป็นการบอกอํลลาบรรพบุรุษแล้วหันไปสั่งเสียพันยาว่าเจ้าอยู่ดูแลบ้านช่องห้องหอให้ดีอย่างเร็ว4ี่สิบห้าสิบวันคงได้กลับมาอย่างช้าก็คงไม่เกินสามเดือนพันยาสาวจึงพูดขึ้นด้วยความห่วงใยว่า เดินทางบนท้องถนนพึงระมัดระวังให้ดีนะเจ้าคะท่านพี่หากไม่เวลาก็ให้เขียนส่งข่าวมาถึงเราบ้างพวกเราจะได้รู้ว่าท่านทำอะไรไปถึงไหนแล้วเยียนชิงก้าวออกมาข้างหน้าโค้งคำนับน้ำตาไหลนองลูกก็สั่งขึ้นว่ามีอะไรก็ให้มานะภาคเพียนเอาอย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่แต่ซ่องนางคานิกาโหเมื่อไหนท่านไม่อยู่เช่นนี้ข้าจะย่อหย่อนคงไม่ได้อีกแล้วละขอรับ เจ้าสัวลู่ถือไม่พร่องเดินออกจากเมืองไปฝ่ายลี่กู้ล่วงหน้าไปรอท่าอยู่ตามทางก่อนแล้วลูกสั่งว่าเจ้าเอาเบาสองคนล่วงหน้าไปก่อนหากเห็นโรงเตี๊มแห่งไหนสะอาดสะอา้านก็ให้เข้าไปเตรียมหุงหาอาหารเอาไว้เพราะสารถีกับลูกหากไปถึงจะได้กินเลยพวกเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาชักช้าลี่กู้ถือไม่พร่องออกล่วงหน้าไปกับอีกสองเบา ลูกกับพวกที่เหลือก็ตามไปพร้อมกองเกวียนเรวเร็วเข้าถนนหนทางรถเลี้ยวข้ามขุนเขาเป็นทึกงๆลุยน้ำเป็นสายๆบกลงไปในทุง่งปีนป่ายเขาไปตามขั้นบันไดลูกครื้มใจร่ำพึงกับตัวเองว่าเฮ้ยเ <Hey, S 1> ขินอุดร อ, อยแต่ในบ้านแล้วจะได้สุขสำราญ ทิวทัศน์ที่งดงามอย่างนี้อย่างไรได้ <1> <1> หลังจากไปได้ราวสี่สิบลี้ก็เห็นลี่กู้ดักรอพร้อมเข้าลิงมือเที่ยงพอกองเกวียนไปได้อีกสี่สิบห้าสิลี้ก็ถึงโรงเตียมแห่งหนึ่งลี่กู้ก็ตระเตรียมห้องหับที่หลับที่นอนเอาไว้คอยท่า ลูกเข้าไปในห้องวางไม้พลองแขวนหมวกสกปรัดปลดดาบเปลี่ยนรองเท้าผ้าพันแข้งไม่ต้องบอกก็ได้ว่าพ่อเสร็จแล้วก็กินข้าวแล้วเข้านอนรุ่งเช้ากองคารวานก็ลุกขึ้นหุงหาอาหารพอทุกคนกินเสร็จก็ออกมาต่างเข้าเทียบเกวียนแล้วออกเดินทางโอ้โหวันทั้งวันพร้อมกับตอนเช้านะครับพวกเขาไม่อาบน้ากันเลย ปกติแล้วนะครับคนเราเนี่ยเดินทางมาทั้งวันนะมันอาจจะง่วงตอ น, นเย็นๆนะมันอาจจะเพลียก็อาจจะเผลอหลับไปได้แต่ตอนเช้าเนี่ยนะครับพี่น้องยังไงก็ต้องอาบน้ำนะเพื่อความกระฉับกระเฉง <c oughs> เพื่อความกระฉับกระเฉงของร่างกายและจิตใจนะครับโอ้โหไปอย่างนี้เหงื่อไหลใครย้อยอุย้ยเหนียวเนินอ่ะนะพี่น้องครับพวกเขาทาเช่นนี้ไปอีกหลายวันคือพักแรมเมื่อยามมืด ออกเดินทางเมื่อยามสว่างแล้ววันหนึ่งขณะกำลังเตรียมเดินทางบ่าผู้หนึ่งก็เข้ามารายงานลู่จุนยี่ว่าแองอ่อนข้าต้องเรียนให้ใตเท้าทราบขอรับคือข้างหน้านี้ไปราวอีกสี่สิบลี้ถนนจะตัดเรียบผ่านทางบึงเหลียงซานในโจนใจบนเขาไม่นาว่าทรงเจียงแม้พวกเขาไม่เคยรบกวนคนสัญจรไปมาเป็นเพียงแต่ทาให้กลัว รร้ทำให้ตก อ, อกตกใจไปตามเรื่องแต่ทว่าพวกเราควรจะผ่านไปอย่างเงียบๆลูกอุทานขึ้นว่าอ๋อเป็นเช่นนั้นนั่นเองพรางเรียกบ่าวให้ไปยกหีบเดินทางของตนออกมาลูกไขประแจหยิบเอาห่อผ้ามาห่อหนึ่งคลี่เอาป้ายผ้าไหมสีขาวขนาดใหญ่สี่ผืนขึ้นมาสั่งให้เด็กรับใช้ในโรงเตี้ยมไปเตรียมไม้ไผ่มาสี่ลำแขวนป้ายผ้าทั้งสี่เอาไว้ลำละผืนแต่ละผืน ลูกเขียนโครงเอาไว้สี่บาทมีใจความว่าลูกผู้กล้าแห่งเหอเปยททำการเยี่ยงชายไว้เชิงปิดหน้าด้วยการขาทางไกลแท้จริงหมายใจจับโจรลี่กู้กับค น, อ, นอื่นเห็นเข้าก็ถึงกับโอดกาวววเด็กรับใช้ในโรงเตรียมพร่วงขึ้นว่าโอ้ยได้เท้าขอรับท่านเป็นญาติสายไหนกับเจ้าแห่งเขาเดืยมสารกระนั้นหรือฮะวุ้ย เฮ้ยอันตัวข้าเป็นเจ้าสวยใหญ่มาแต่เมืองหลวงบนทนอุดอนจะให้ไปเป็นญาติกับไอ้คนพันนั้นยังไงได้วะเนี่ยฮะข้ามาที่นี่ก็เพื่อจับตัวไอ้ทรงเตียงเข้าใจไวซะด้วยเฮ้ยเด็กรับใช้วิง่งวอนว่าใช่เช่นนั้นนะขอรับท่านใต้เท้ า, าเบาๆหน่อยอย่าเอาข้าไปพัวพันนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะขอรับตอให้มีคนเป็นแสนก็เข้าใกล้เขาไม่ได้เลวหล ไอ้คนอย่างเจ้าคงจะต้องสมรู้ร่วมคิดกับพวกมันเป็นแน่เด็กรับใช้ตะลึงคลึงเพลิดบรรดาสารถีกับคนขับเกวียนและลูกหา้ากันเป็น้าไปสิน้นลีด ก, กู้กับบ่าวไพร่คนอื่นๆพากันคุกเข่าลงแทบเท้าท่านเจ้าสัวจนหมดสิน้นแล้วร้องขึ้นว่าน้อยท่านได้โปรดแม่ตากรุณาพวกข้าน้อยด้วยเถิดถ่านหนอมชีวิตพวกเราเอาไว้ตอนนี้ดีกว่าจะไปสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลให้วิญญาณหลังตายในภายหน้านะขอรับ ลูกตะวาดออกไปว่าเฮ้ย hey, พวกมึงจะไม่รู้เรื่องอะไรไอ้นกกระจอกพวกนี้ไม่หรือจะหารกล้ามารับท้าพญาอินซีข้าใครจะแสดงวรยุทธ์ให้ผู้คนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์มานานแล้วแต่จนถึงวันนี้ก็ยังหาคู่ต่อสู้ที่มีฝีไม้ลายมือไม่ได้โอกาสมาถึงมือเช่นนี้แล้วที่ถุงใบใหญ่ในเกวียนข้ามีเชือกอย่างดีใส่เอาไว้ให้อัคขคไอ้จนคนไหนข่าไม่ทันข้าจะเอาสันงาหุ พวกเจ้าคอยจับมันยัดใส่เกวียนหากจำเป็นก็ให้เอาสินค้าทิ้งเสียข้าจะเอาตัวหัวหน้าไปขึ้นเงินกับทางการที่เมืองหลวงเช่นนี้แล้วจะได้อิ่มอกอิ่มใจไปทั้งชาติเ ห, หากพวกเจ้าคนหนึ่งคนใดไม่ยอมตามมาข้าก็จะฆ่าทิ้งเสียตรงนี้จะเอาอยัางไงพวกมึงอ่ะฮะป้ายผ้าทั้งสี่ผืนนาไปห้อยกับลาไม้ไผ่ปักเอาไว้กับเกวียนเล่มหน้าส่วนอีกหกเล่มที่เหลือก็ตามไป ลีกู้กับพวกร้องห่มร้องไห้ไม่มีทางเลือกนอกจากจำใจตามเจ้าสัวไปลูกเอาใบเงาผูกเข้ากับไม้พรองให้แน่นถึงสามทบต้อนกองเกวียนทั้งหมดตรงไปยังบึงเหลียงซานลีกู้สั่นไปเจ้าเข้าไปสีทุ ก, ก้าวย่างไปตามทางที่คดเคี้ยวบนเขาแต่เจ้าสัวนั้นเล่ากลับเดินหน้าไปอย่างไม่สะทกสะท้านพวกเขาเดินจากเช้าไปจนเกือบเที่ยง มองออกไปแต่ไกลก็เห็นป่าไม้ผืนใหญ่ไม้แต่ละต้นสองคนอบยังไม่รอบพอเคลื่อนเข้าไปใกล้าชายป่าเสียงเป่าหวีดเล็กแหลมก็แวกแทรกอากาศออกมาขย่าประสาทลีรีกู้กับบ่าวไพรจนไม่รู้ที่จะให้หนีไปหลบซ่อนลีจุนยี่ก็บัญชาให้เข็นกองเปลียนลงไปรวมกันไว้ข้างทางสั่งให้คนคอยคุ้มกันเอาไว้ ทั้งบรรดาสารถถีกับพวกลูกหาพากันสับแช่งโชคชะตาแล้วคลานเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ท้องเกวียนลูกตะกนกล้องว่าเพราะข้าตีพุ่งมันล้มพวกเจ้าจงช่วยกันจับมันเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับวุยวุ้จะไปหาแล้วเนี่ยก่อนคำพูดจะทันสิ้นกระแสเสียงพวกนอกกฎหมายสี่ห้าร้อยคนก็โผล่ออกมาจากชายป่าดักหน้าเอาไว้ เบื้องหลังออกไปก็ยังมีเสียงคล้องกรองพระคมกันให้ระงมไปสิ้นฝ่ายโจรอีกสี่ร้อยห้าร้อยคนก็เคลื่อนเข้ามาดักหลังปิดทางถอยเสียงปืนใหญ่ดังกับมนาดขึ้นในราวป่านักรบผู้กล้าผู้หนึ่งก็ก้าวออกมาแล้วตะโกนขึ้นว่ายท่านเจ้าสัวยังจําแน้นใบผู้นั้นได้ไหมขอรับบุรุษผู้นั้นร้องขึ้นพร่างกวัดแกว่งขวานคู่อยู่ไปมาก็เมื่อนั้นเองเจ้าสัวลูกก็พลันกระจ่างร้องขึ้นว่า โอ้เป็นช่นนี้นี่เองกูคิดมานานแล้วว่าใครจะมาจับพูกโจรอย่างพวกมึงแล้วตอนนี้กูก็มาอยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยขึ้นไปพาไอ้สถุนส่องเจี้ยงลงมามอบตัวเส้นดีๆหากคิดจะเล่นท่าอูจะฆ่าทิ้งทั้งหมดไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวเฮ้ยลี่ยุยหัวเราะแล้วพูดว่าเฮ้ย่า <laughs> ท่านเจ้าสัว ท่านต้องคนที่ปรึกษาทัพของเราแล้วโรธขึ้นไปนั่งเก้าอี้บนเขากับพวกเราได้เถิดพูดดีๆแล้วนั้นเนี่ยให้ลงไม้ลงมือตาดท้อลูกโกรธจัดพริกหน้างาแล้วทันเข้าฟัน<อ>ก่อนจะทันได้รบถึงสามเพลงลีคขุยก็กระโดดหนีออกจากรัศมีสัพยุตหันหลังกลับวิ่งหนีเข้าไปในป่าลู่ไล่ตามลูกเงาขนาดไปกับพื้น จึงอย่างนี้ใช่ไไอ้คนฮยขู่ขิงกีดวิ่งตามด้วยรี่ขุยวิ่งหลบหลีกลัดเลาะไปในป่าใหญ่ลู่ก็โลดไล่ด้วยฤทธิ์โกรธรี่ขุยหายลับเข้าไปหลังดงสนพอลู่ทลันไปถึงก็ไม่มีวี่แววผู้ใดเหลือให้เห็นอีกแล้วพ่อขยับจะกลับหลังคนหมู่หนึ่งก็ปรากฏตัวออกมาจากชายป่าอีกฟากหนึ่งแล้วก็มีเสียงเรียกขึ้นว่า เท่านเจ้าสัวอย่าเพิ่งไปสิคอรับไม่รู้จักข้าหรือไรลูกมองไปก็เห็นลวงจีนอ้วนใหญ่ผมกายด้วยผ้าสังคติสีดำในมือถือไม้ท้าพระธับที่ตีจากเหล็กโดยกรไรมายล่างตั้งขึ้นเจ้าสัวตะกอนถามไปว่าลวงจีนผู้นี้เป็นใครบุรุษผู้นั้นหัวเราะแล้วพูดว่า <laughs> อัตามามีน้าว่าหลงจีนลู่หลังลอยลงมาตามบัญชาของท่านทรงเจียงที่ให้มาต้อนรับขับสู้น้อมเรียนเชิญท่านเจ้าสัวขึ้นไปบนเขาลูระเบิดขึ้นว่าเฮ้ยไอ้ลน้นเหตุฉันไหนมารยาทจนได้สามถึงเพียงนี้ว่าพรางก็พลิกคมเงาถมเข้าใส่หลุงจีนลูผู้รู้แจ้งเข้าต่อตีด้วยไม้เท้าที่ควงติ้วประดุดจักผัน ก่อนจะทันถึงสามยกหลวนจีนลูกก็ปัดงาลออกหันหลังวิ่งหนีลูไล่ตามในยานั้นเองทันทุดวงวู๋สงก็ก้าวออกมาจากแถวโจรทหลันเข้าใส่กวัดแก่งดาบคู่ลูเลิกไล่ตามผู้รู้แจ้งหันมารับมือกับพิรีพิไรของวู๋สงวูสงตะโกนขึ้นว่าท่านรับตามเข้าไปสีดีกว่าจะได้ไม่ต้องเลือดตกยางออกที่ไหน ูสงเเออ่หหมือนอนั<อ>รบกันไม่ทันครบสามเพลงพระธุดงก็เพนหนีไปอีกลี่จุนยี่หัวเราะแล้วพูดว่ากู <c oughs> มไม่ไล่ตาไปให้เมือเอ่อยดอกไอกระจอกอย่างมึงไม่ควรฆ่าเพราะตอนนั้น ใครคนหนึ่งร้องเรียกจากไหลเขาลงมาว่าท่านไม่เข้าใจดอกท่านเจสัวท่านไม่เคยได้ยินดอกหรือไรว่าคนกลัวน้ำเมือนเหล็กกลัวไฟก็ในเมื่อทันทีปรึกษาทับลงได้วาดแผนการมาถึงขั้นนี้แล้วนี่หรือคนอย่างท่านจะหนีพ้นโลตวาดแล้วถามออกไปว่าเฮ้ยมึงเป็นใครไอ้ถอย ใชยผู้นั้นก็หัวรอแล้วพูดขึ้นว่า himself, e, ข้าน้อยคือลิวถังพี่ศาสตร์มวนแดงขอรับรีจุนยีตะกนออกไปว่าเฮ้ยไอ้คนคตมึงอย่าหนีเนะมาถึงตอนนี้เจ้าสัวก็ถึงขั้นฟุ้งไฟถึงเอาวิ่งเข้าใส่ลิวถัง พอรบไปได้สามเพลงก็ไม่เสียงร้องดังออกมาจากมุมหนึ่งผูกล้ามู่หงรั้งไม่อยู่มารออยู่ที่นี่แล้วแล้วทั้งหลิวถังกับมู่งหงก็เข้าต่อตีลูกจุนยี่ด้วยเงาก่<ป>นอนทั้งสามจะรบกันไปได้อีกสามเพลงลูกก็ได้ยินเสียงคนสืบเท้าอยู่ข้างหลังจึงตหวัดออกไปคําหนึ่งรลิวถังกับมู่งหงตกใจพลั้งถอยหลังไปหลายก้าว ลูกถือโอกาสหันไ ป, ปเผชิญหน้ากับเสียงด้านหลังเป็นลี่หญิงอินทรียานฟ้าผู้นั้นนั่นเองคู่มือของลูกก็พากันจู่เข้ามาจากสามด้านแต่เจ้าสวยแห่งเหอเป่ยผู้นี้ไม่มีสะดุ้งสะเทือนยิ่งรบพละงกำลังก็ยิ่งกล้าแข็งขณะที่ทั้งสี่ขับเคี้ยวกันอย่างหนักเสียงกลองจากยอดเขาก็ย่ำลงมาในจนทั้งสามแ้งตีลวงและเพนนีไปอีก เงื่อไหลใครย้อยด้วยออกแรงไปมากลู่ไม่ไล่ตามเป็นแต่รีบย้อนกลับไปดูกองเกวียนที่ชายป่าแต่ทั้งเกวียนทั้งม้าทั้งสารถีและลูกหับที่มาด้วยต่างอันตรธานไปจนหมดสิน้นลู่ครางอยู่ในอกรีบปีนขึ้นไปบนเนินเขากวาดตามองออกไปไกลลิบๆที่ตีนเขาด้านนูน้นก็เห็นในโจรกลุ่มหนึ่งบังคับม้าต่างลากเกวียนทั้งสิบเด้มขึ้นเขาไป ส่วนลี่กู้และคนอื่นๆถูกล่ามเชือกเดินเรียงเดี่ยวตามเกวียนเข้าจังหวะคล้องกรองอยู่ต้อยๆจนหายลับเข้าไปในดงสนอกเจ้าสัวลู่เดือดดาลด้วยน้ำหัวโถโสก็คลุ้มคลัง่งตลบอบวนดุดดังควันไฟถือเงาไล่ตามขบวนไปอย่างเร่งรีบพอเข้าใกล้ตีนภูอีกสองผู้กล้าก็ตะหวาดตามหลังมาว่าเฮ้ยท่านคิดจะไปที่ไหนหนึ่งในนั้นคือจูถงเขางาม ส่วนอีกหนึ่งคือเลอยเห็นเสือติดปีลกลูกตะโกนด่าออกไปว่าเฮ้ยไอ้โจรถอยเอาเกวียนหมาดาังกับคนขับรถของกูขึ้นมาเฮ้ยจู่ทงเอามือรวบคราวงามหัวเราะร่าแล้วพูดว่าเฮ้ย <c oughs> เหตุฉันไหนปัญญาจะได้ทึบดักหนาละขอรับท่านเจ้าสัวท่านที่ปรึกษาทัพของเรามักพูดอยู่บ่อยๆว่าอันดวงดาวพร่างพราวสกาวฟ้ามิแต่จะตกไม่มีวันขึ้นก็ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดวานท่านตามพวกเราขึ้นเขาไปเป็นหัวหน้าร่วมกับพวกเราเสิดเถิดลูได้ฟังก็เดือดดาลทยานเขาใส่จูถงกับเลยเหงด้วยเงาทั้งสองก็รับเงาด้วยเงาของพวกตน ก่อนจะทันรบกันได้ถึงสามเพลงอดีตมือปราบทั้งสองก็หมุนตัวกลับแล้วแผ่นหนีไปลูกคิดในใจว่าไอ้กูคงเอาเวนคืนไม่ได้หากไม่ฆ่าระดับหัวนหน้าของพวกมันให้ตายไปสักคนว่าแล้วก็วิ่งไล่ตามคนทั้งสองรถเลี้ยวไปตามไหล่เขาแต่แล้วทั้งสองก็หายไปอีกแล้วไพ่ไปได้ยินเสียงปรบมือ เสียงคลุยผิวก็ร้อยแผ่วลงมาจากยอดเขาพ่อเงยหน้าขึ้นไปดูก็เห็นธงสีเหลืองแปลงดังเปลือกลูกซิ่งโบกสะบัด ต, ตีลัดกระดังทบๆอยู่ในสายลมท้องผืนนั้นปักอักษร อ, อาจได้ความว่าเชิดชูคุณธรรมตามบัญชาสวรรค์ใกล้ออกไปส่งเจียงยืนอยู่ใต้ร่มคันใหญ่ตัดด้วยผ้าไหมสีแดงคลิบทองมีบูยงขนาบซ้ายกองซุนเชงประกบกายอยู่ข้างขวารายล้อมด้วยคนสักหกสิเจ็ดสิบคนเห็นจะได้ ทั้งหมดก็พากันค้งคำนับให้แตกลาเอาท่านเจ้าสัวหวังว่าท่านคงจะสบายดีนะขอรับลูกเกลี้ยกราชี้หน้าดาบูหยงพยายามปลอบประโลมใจอยสงบออกสงบใจไว้เถิดขอรับท่านทรงเจียงได้ยินกิติสัตย์ของท่านมานานหนักหนา แล้วก็ให้นับถือท่านเป็นที่สุดเขาจึงส่งข้าลงไปยังหน้าประตูบ้านท่านรอให้ขึ้นเขาจะได้มาประพฤติปฏิบัติตามอนัตสวรรค์ด้วยกันโรดจะได้คิดไปอย่างอื่นเลยลูกตวาดออกไปว่าเฮ้ยไอ้ตัวดีกล้าเช่นไรถึงได้มาล่วงกวัวท่านในนั้นหัวหลงก็ก้าวออกมาจากด้านหลังของทรงเจียงในมือถือลูกเกาทานกับคันธนูพลางร้องบอกไปว่า ท่านเจ้าสัวอย่าได้บีบคันให้พวกเราต้องประจันหน้ากันเลยนะขอรับข้าจะแสดงฝีมือยิงธนูให้ชมก่อนจะทันขาดคำเกาทัานดอกนั้นก็แหวกอากาศลงมาตัดคู่แดงที่ยอดหมวกสักการะปีกกว้างของเจ้าสัวลูกกีเลนยกแห่งเห่อปยหันหลังกลับเพ่นหนีด้วยความตกใจ บนยอดเขาก็รัวกรองชนิดจะเขย่าพระสุธาชิ้นหนิงเจ้าสนีบาทกับลินชงหัวเสือดำก็นำพาผู้คนหมู่หนึ่งร้องตะโกนครูออกมาจากไหล่เขาเบื้องทิศตะวันออกโบกธงไปมาส่วนกระบองสองมือหูเหวินโจกับครูพลหอกเหล็กสู้หนิงก็พาคนอีกหมู่หนึ่งลัดมาจากทางตะวันตกลู่ตกใจไม่รู้จะไปทางไหนก็ในระหว่างนั้นนั่นเองฟ้าค่อยค่อมืดลงมืดลงลู่ให้เจ็บระบมไปทั้งขา หิวนักข้าปลาอาหารก็ยังไม่ได้ตกถึงท้องลุกรีลุกลนวิ่งหนีไปตามทางเดินเท้าบนไหล่เขาสายหนึ่งเมื่อถึงอย่างโ p r o พ e เขาทั้งลูกก็จมหายลงไปใต้ทะเลหมอกพื้นน้ำที่เคยมองเห็นกระจ่างออกไปก็แอบซ่อนอยู่ใต้กระไอขาวดวงดาวกับดวงเดือนก็เลือนแสงพงไพรซีสลดหลับไหลอยู่ในม่านรัติการสีครามที่ห่มคลุม ลู่วิ่งไปจนมุมที่ชายน้ำที่ต่อชายออกไปยังปลายฟ้าีิเลนหยกมองไป ร, บรอบๆก็ไม่เห็นอะไรนอกจากป่ากกผืนน้ำที่เงียบงันจนน่าประวัตใจลู่เงยหน้ามองฟ้าแล้วถอนใจใหญ่แล้วพูดขึ้นว่ายนี่เป็นเพราะกูไม่ยอมฟังคำแนะนำจึงต้องถลำลงไปในตมและแล้วคนหาปลาผู้หนึ่งก็ค่อยๆท่อเรือลาน้อยลัดเลาะมาตามป่ากก แล้วร้องทักเบากว่าท่านอาคันธุกะคนเที่ยวทางผู้นี้ชัางกล้าหานักนี่เป็นปากทางเข้าบึงเหลียญานแล้วท่านมาทำอะไรอยู่ที่นี่ในกลางดึกกลางดื่นค่ำคำมืดมืดอย่างนี้เออออข้าหลงทางหาที่นอนไม่ได้กรุณาช่วยข้าด้วยเถิดคนเรือผู้นั้นจึงว่าทิพนี้ให้เปี่ยวนัก แต่ก็ยังดีพอมีตลาดอยู่แห่งหนึ่งห่างจากที่นี่ถ้าเดินทางบกก็ราวสามสิบลี้ลนทางที่ใช้สัญจรลำบากเหลือใจแต่ถ้าไปทางน้ำก็ห่างราวสี่ห้าลี้เท่านั้นขอข้าสักสิบพวงอีแปะแล้วจะให้นั่งเรือไปด้วยลีเสนอขึ้นว่าหากท่านพาไปส่งถึงโรงเตียมในตลาดเงินทั้งแท่งก็จะให้คนหาปลาผู้นั้นเอาเรือมาเกยตลิง ช่วยลูกขึ้นไปนั่งบนเรือแล้วใช้ถอไม้ไผ่ปลายเหล็กดุนเรือออกไปพอไปได้สักสี่ห้าลี้พวกเขาก็ได้ยินเสียงแจวจ้วงน้ําดังมาจากเรืออีกลำหนึ่งในป่ากกข้างหน้าเรือลําเล็กลํานั้นก็โผล่ออกมาบนเรือมีคนสองคนคนหนึ่งยืนอยู่บนหัวเรือท่อนบนเปลือยเปล่าถือถอยาวไว้ในมือส่วนอีกผู้หนึ่งนั่งอยู่ท้ายเรือในมือถือแจวชายคนยืนหน้าถือถอขวางตัวเรือ ร้องเพลงได้ใจความว่าถึงไม่เคยเรียนหนังสือนังหาว่าคำกรนต้องล้นอยู่ในบึงใหญ่มาแต่เด็กยามจะล่าเสือก็รู้ว่าต้องใช้ธนูกนยามจะล่าคนก็รู้ว่าต้องวางเหยื่อล่อลูกได้ฟังก็สะดุง้งไม่กล้าพูดอะไรสักคำ จากป่ากกฝั่งขวามือฉับพลันวุรุษอีกสองคนก็พายเรือลำเล็กอีกลำหนึ่งตรงเข้ามาชายคนท้ายกันเชียงเรือส่งเสียงอินอารส่วนคนที่อยู่หัวเรือถือท่อผ้าตักเอาไว้ร้องเพลงได้ใจความว่ายามว่างชอกนักชอกหนาเรื่องฆ่าคนแก่ไม่ได้เพราะหายมาแต่เกิดเหมือนทองนับพันไม่กระสันใครหา้าคิดแต่จะลากกีเลนเป็นๆ เ, เอามาเล่นชม เจ้าสู่ลูดถึงกับครางแต่ประเดี๋ยวนั้นเรือลำเล็กลำที่สามก็แหวกน้ำจากปากกกตรงเข้ามาบรุษที่นั่งอยู่บนหัวเรือชันถอไม้ไปลายเหล็กขึ้นฟ้าร้องออกมาเป็นเพลงว่าเรือน้อยร้อยฝ่าปากกกผู้กล้าท่องทุกยางตกดึกคุณธรรมในใจไฟสํานึกโบยบินแวกอาทุกหนครอ รุดในเรือน้อยทั้งสามลำพากันคารวะลู่อย่างนอบน้อมชายคนที่อยู่เรือลำกลางคือหยวนที่สองทางซ้ายคือหยวนที่ห้าส่วนทางขวาคือหยวนที่เจ็ดเรือทั้งสองลำก็แหวกกกเข้าประชิดลู่ให้คิดวิตกข้าที่รู้ตัวว่าว่ายน้ําไม่เป็นเขาสั่งชายหาปลาผู้นั้นว่า้ยเฮ้ hey, หัวเรือพาข้าไปส่งฝั่งที่ใกล้ที่สุดเดี๋ยวนี้ครับที่สวนแตงตอนนี้ฝนตกหนัก เดี๋ยวจะอ่านไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันรบกวนเสียงมากๆก็จะหยุดอ่านชาประมองหัวเราะแล้วพูดขึ้นว่า <c oughs> ขอให้ฟ้าครามเบื้องบนกับพื้นน้ำเขียวขจีเบื้องล่างช่วยเป็นพยานด้วยเถิดตั้งแต่เกิดบนลำน้ำสุนยางกระทั่งขึ้นเขาเลียงซันอยู่มาจนบัดนี้ไม่เคยปกปิดชื่อแส่ รถหันมาพบลี่จุนมังกรกลางน้ำเจียวเถิดขอรับท่านเจ้าสัวหากท่านไม่ยอมแต่โดยดีก็จงทิ้งชีวีเอาไว้โลกให้พิสวงแต่ตะวาดกลับออกไปว่าเฮ้ยไม่เหมือนก็คู่ล้ววะแล้วเสือกคมงาเข้าใส่หัวใจลี่แต่ใต้กลงเรือในแม่น้ำแยงสีเกียนผู้นั้นมองเห็นคมเงาวจ้วงเข้าใส่สองมือยังถือกันเชียงแต่ตัวตีลังกาในท่ากลับหลังกระโดดผุงลงน้าไป เรือลำน้อยถูกแรงถีบจากท่ากระโดดก็หมุนคว้างไปรอบๆเหงาที่ถืออยู่ก็หลุดมือพัดตกลงไปในสายน้ำท่านใดบุรุษอีกผู้หนึ่งก็ทะลึ่งขึ้นจากใต้ผิวน้ำตวาดใส่มาจากท้ายเรือเป็นฟองขาวในเกลียวขึ้นจางชุนผู้นั้นนั่นเองอดีตในท่าปลาแห่งเจียนโจแหวกไบยน้ำจับขังเสือเรือออกแรงบิดเรือก็พลิกคว่ำเป็นหลังเต่าเจ้าสัวลู่ตกน้ำกินตามไปหลายอึก <c oughs> แล้วจะรอดชีวิตหรือไม่ ก็จริงดังเขาว่าแผนมีเอาไว้จับผงประตูกรงอ้าเอาไว้ใส่มังกรบอกเขาก็ขุดเอาไว้ล่อบรุษชื่อกลองสวรรค์ลั่นปฐพีพอตกน้ำแล้วเจ้าสัวลู่จะรอดหรือไม่ฟังบทถัดไปหากใครรู้ เสนอถึงตอนที่ห2สองมีชื่อตอนว่าเหยียนชิงนั่นเกาทันช่วยชีวิตนายชื่อซิ่วกระโดดเหลาบุกลานประหารส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกๆ ท, ท่านรับฟังได้นะบัตรฟี จางซุนคว้าเซลเจ้าสัวลูกเอาตีนแตะน้ำแล้วลากขึ้นฝั่งไม่ช้าก็มาถึงตะลิงมีคนสักห้าสิบหกสิบคนถือคบไฟรอยอยู่แล้วคนเหล่านั้นก็กลุ่มรุมเข้าปลดดาบถอดชุดที่เปียกน้ำของลูกออกขณะ ก, กำลังจะจับมัดก็พอดีผู้ในกันใหญ่ใต้จงเทพท่องทางส่งผ่านคำสั่งตะโกนขึ้นว่าอย่าได้ทำอันตารายใดๆให้ท่านเจ้าสัวบาดเจ็บนะพวกเจ้าเฮ ทหารพิทักษ์ผู้หนึ่งก็เเสื้อผ้าปักด้วยได้ไหมใส่ให้สมุนโจรแปดคนแบกเกี้ยวหลังหนึ่งเข้ามาประคองลูกขึ้นนั่งปลายตาไปเบื้องหน้าโคมไหมสีแดงระยะสักยี่0บาสิบดวงสาตร์ส่องต้องหมูม้าหยอะย่างเข้ามาใกล้นำโดยส่งเจียงมูหยงและกงซุนเชงตามด้วยบดานในโจร น, น้อยใหญ่อีกวงหมูรีปี่พาดทุกคนพากันลงมา้า รีจุนรีบลงเกี้ยวส่งเจียงคุกเขา่าบรรดาในโจรทั้งหลายที่มาต่างก็ทําตามไปด้วยโดยพร้อมเพรียงลู่เองก็ทุดตัวตามลงไปกับบินแล้วเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยเมื่อถูกจับได้ก็ขอให้ข่าเสียไว้ไวเ้เถิดส่งเจียงหัวรอแล้วพูดขึ้นว่าฮ่ฮฮ่าท่านเจ้าสัวโปรดได้กลับขึ้นเกี้ยวตามเดิมเถิดขอรับ บรรดาในโจรคนอื่นๆพากันขึ้นหลังมา้าขบวนคนทั้งหลายก็แห่แหนตามเสียงวงโมโหรีกลับขึ้นเขาตรงไปยังหอธรรมาพักดีพอไปถึงบรรดาเจ้าภาพก็ลงม้าประคองลูกเข้าไปนั่งในห้องโถงใหญ่ที่สว่างสวยไปได้วยแสงจากตะเกียงและเทียนไขทรงเจียงเอ่ยขึ้นว่าท่านเจ้าสัวชื่อเสียงของท่านนั้นท่นก้องสองรูหู ที่มีโอกาสได้พบหน้าท่านวันนี้นับว่าเปี่ยมด้วยโชควาสนาที่สุดในชีวิตเมื่อครู่บรรดาพี่น้องเรากระทำการอันน่ารคายเคืองข้าน้อยต้องขออภัยด้วยนะขอรับปู่ยงรีบสืบเท้าออกมาแล้วเอ่ยอีกว่าวันก่อนตอนได้รับคำสั่งจากท่านทรงเจียงข้าพร้อมตัวเป็นหมอดูไปที่บ้านด้วยประสงค์จะลวงท่านขึ้นเขาเพื่อจะได้มากระทาการตามบัญชาสวรรค์ร่วมกัน ส่งเจียงเชิญลูกขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้หัวหน้าตัวสูงที่สุดลูกรีบตามไปด้วยมารยาทแล้วพูดขึ้นว่าข้าไม่มีความรู้ความสามารถหรือพรสวรรค์ใดๆสัมไรอ่ะนะยังบังหัดล่วงลั ง, ลงก้าเกินกีท่ทภูมิของท่านต้องให้ตายสั่งหมื่นครั้งก็ยังนับว่าน้อยแต่เหตุเั้นไหนจึงต้องมาทำเย้ยหยันกันถึงเพียงนี้ด้วยเราเฮ้ส่งเจียงยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าเออ ก็แล้วใครจะไปกล้าขอรับเป็นเพราะนับถือคุณธรรมความดีของท่านเจ้าสัวเองดอกพวกเราจึงตั้งหน้าตั้งตารอท่านด้วยความอด ท, ทนบนก็แต่ว่าขออย่าให้ท่านดูแคลนป้องค่ายที่ดําต้อยแห่งนี้เลยและมาว่าการเป็นหัวหน้าใหญ่พวกเราจะเคารพเชื่อฟังคำสั่งของท่านไปเส้นทุกประการลูกจึงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยถ้าเช่นนั้นก็จงข่าสิให้ไวๆเถิดเพราะข้าไม่อาจรับเมตตาจากท่านได้ อู๋หยงเรียบตัด บ, บทขึ้นว่าเออเรื่องนี้เอาไว้ค่อยหาหรือกันวันหลังเถิดขอรับมีคนเอาสุรามาบริการเจ้าสัวลู่ลู่เลี้ยงไม่ได้จึงดื่มไปหลายจอกบรรดาในโจรระดับรองรอ ง, รองก็พากันประคองลู่เข้าไปนอนพักในห้องในวันรุ่งขึ้นก็มีการล้มม้าฆ่าแกะส่งเจียงมาเชิญเจ้าสัวลู่ไปฉลองหลังจากปฏิเสธด้วยความสุญภาพอยู่เป็นนานในที่สุดก็ยอมนั่งเก้าอี้ตัวกลาง พอดื่มกันไปได้หลายรอบส่งเจียงก็ลุกขึ้นยืนในมือถือจอกสุราแล้วเอ่ยขึ้นว่าเมื่อคืนก่อนพวกเราล่วงเกินท่านโจ้าสัวต้องขออภัยด้วยนะขอรับแม้ป่อมค่ายของเราจะไม่ใหญ่โตโออาแค่นจะใช้เป็นที่ให้น้ำม้าของท่านก็ยังไม่ได้เราได้แต่หวังใจว่าท่านจะได้โปรดพิจารณาความซื่อสัตย์ของเราข้ายินดีจะสละตำแหน่งให้โปรดจะได้ปฏิเสธเลยนะขอรับ ลู่จึงเอ่ยขึ้นว่าท่านหัวหน้าใหญ่ท่านผิดไปสักแล้วอันทั่วข้าไม่เคยมีชื่อเสียงดังพร้อยวงตระกูลก็พอมีทรัพย์สินเงินทองเมื่อเกิดเป็นคนในแผ่นดินทรงก็จะขอตายเป็นผีในแผ่นดินสรงหากจะให้รับข้อเสนอนี้ไว้ก็ขอตายสัดีกว่าเอุยมูยงกับนายโจรคนอื่นๆเฝ้าอ้อนวอนตามอย่างทรงเจี่ยงแต่เจ้าสัวลูกตัดสินใจแล้วว่า ไม่ขอยอมตนเป็นคนนอกกฎหมายในที่สุดบูหยงก็เอ่ยขึ้นว่าเออหากท่านเจ้าสัวไม่เต็มใจเราก็คงไปเที่ยวบังคับกับเกณฑ์อะไรไม่ได้เพราะถึงตัวจะยอมแต่ถ้าว่าหัวใจค้งไปอยู่เสียที่ไหนตอนไหนแต่ในเมื่อพวกเรามีโอกาสดีที่ตอนนี้ท่านขึ้นมาอยู่บนเขาถึงจะไม่เข้าร่วมแต่ก็อยู่ต่อไปอีกสักหน่อยเถิดนะขอรับ แล้วพวกเราจะคุ้มกันท่านกลับบ้านเองเจ้าสัวลูกจึงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยแล้วเหตุชนไหนไม่ปล่อยไปเสียตอนนี้เลยเล่าครอบครัวข้าไม่ได้ข่าวเกรงว่าพวกเขาจะเป็นห่วงมูหยงจึงว่าเออเรื่องนั้นน่ะไม่เป็นปัญหาดอกขอรับ เราจะให้ลี่กู้กลับไปส่งข่าวพร้อมขบวนเปวียนอีกสองสามวันท่านค่อยกลับไปก็ได้ขอรับลูกก็หันไปถามหัวหน้าเสมียนของตนพวกเจ้าเวียนกับสินค้ายังคงอยู่เป็นปกติดีหรือฉไฉนลูกน้องของเจ้าสัวตอบว่าเออไม่มีอะไรสูญหายไปเลยขอรับยังอยู่ครับส่งเจียงก็บัญชาให้นำเงินสองแท่งออกมามอบให้ลี่กู้ มอบเงินสองก้อนเล็กให้กับบ่าวแต่ละคนและเอาเงินสิบตำลึงให้บรรดาสารถีนำไปแบ่งกันคนเหล่านั้นก็แสดงความขอบคุณเป็นยิ่งนักลูกกล่าวกับลี่กู้ว่าเออพวกเจ้าก็รู้สภาพของข้าดีพอไปถึงบ้านให้บอกเมียข้าอย่าได้เป็นห่วงบอกว่าข้าคงจะตามไปภายในสี่สห้าวันนี้แหละลี่กู้คิดแต่จะรีบรีบไปก็รับคำ โอ้ขอรับนายท่านว่าแล้วก็กล่าวอำลารีบลงจากหอธรรมยุทธพบูยงลุกขึ้นกล่าวว่าวางใจเถิดท่านเจ้าสัวกรุณานั่งอยู่ก่อนข้าจะออกไปส่งลี่กู้สักหน่อยแล้วจะรีบกลับบูยงขึ้นมา้าขี่ลงมาดักรอหัวหน้าเสมียนอยู่ที่หาดทรายทองไม่ช้าลี่กู้กับบ่าวทั้งสองก็พาเกวียนในขบวนสินค้าลงมาถึงบูยงสั่งโจรที่มาด้วยทั้งห้าร้อย ขนาบกองเกวียนเอาไว้จากสองด้านส่วนตัวที่ยืนอยู่ใต้ร่มเงาต้นหลิวก็เรียกลีกูเข้าไปหาแล้วเอ่ยขึ้นว่านายท่านเพิ่งจะหารือกับเราเสร็จเมื่อ ก, กี้นี้เองตกลงว่าจะอยู่เป็นนายใหญ่อันดับสองของพวกเราก็ตั้งแต่ก่อนจะขึ้นมานี่ท่านก็เขียนสลอกกระบทเป็นครงสี่บาทเอาไว้ที่ฝาบ้านหากอ่านอักษรตัวแรกในแต่ละบทให้ดีก็จะเห็นความในได้ชัดเจนคาในวรรคต้นก็คือ ลูกวักที่สองคือจุนวักที่สามคือยี่ส่วนวัคที่สี่ก็คือกบดรวมแล้วอ่านได้ความว่าลูกจุนยี่กระบฏตอนนี้พวกท่านคงรู้แล้วหรือว่านายท่านขึ้นเขามาด้วยเหตุอันใดฮะแรกเราคิดจะฆ่าพวกท่านเสียให้หมดแต่มาคิดคิดดูอีกทีอ่ะนะจะทําให้ป้อมค่ายของเราเสื่อมเสียศักดิ์ศรีจึงจะปล่อยพวกท่านไปดังนั้นจึงรีบรุดไปโดยไวทั้งกั้งวันกลางคืนแต่อย่าเที่ยวเพ้อฝันว่า นายท่านจะได้กลับรี่กู้รีบเข้าเต่าอยู่ปลุกปลกวูหยงสั่งเรือที่หาดทรายทองให้ข้าไปส่งทั้งคนทั้งเกวียนไม่ช้ากองเกวียนก็รีบรุดไปยังเมืองหลวงมณฑลทางทิศเหนือเราจะละเรื่องลี่กู้เอาไว้ก่อนนะครับหันมาดูที่วูหยงซึ่งหลังจากพระจักงานเลี้ยงไปแล้วใช้ปฏิพาน์ไหวพริบปิดทางหนีของลูกจุนยี่แล้วนั้น งานเลี้ยงในคืนนั้นก็ล่วงเลยไปจนถึงยามสองครับยามสองก็ประมาณถ้าจะไม่เกินสี่ทุ่มนะครับพอตื่นเช้ามาก็ฉลองกันต่อในวันนั้นลูกก็เอ่ยขึ้นว่าข้าสราบซึ้งในความปรารถนาดีของท่านหัวหน้าทั้งหลายที่รับรองข้าเอาไว้ในค่ายแต่ถ้าว่าสำหรับข้าแล้ววันวันหนึ่งช่างนานเป็นปีดังนั้นในวันนี้ข้าจะต้องขออาลาไปก่อนนะขอรับ ส่งจียง้ยตอบว่าเออท่านเจ้าสัวอันตัวข้านั้นเป็นคนไม่มีความสามารถใดๆแต่กลับโชคดีเหลือหลายที่ได้มาพบท่านเจ้าสัวข้าจึงคิดจะออกเงินส่วนตัวจัดงานเลี้ยงเล็กๆขึ้นสักค่ำคืนหนึ่งเราสองจะได้เปิดอกเปิดใจซึ่งกันแล็กันโปรดจะได้สัมบัณฑ์สัมพันธ์ไปเลยนะขอรับแล้ววันนั้นก็ผ่านไปหลังวันที่ส่งจี้งจัดงานเลี้ยงก็มาถึงตาวูยง วันต่อไปก็เป็นทีของกงซุนเชงเอากันชั้นสั้นเครับแต่ละวันก็เป็นทีของนายโจนแต่ละคนจนล่วงเลยไปกว่าสามสิบคนเข้าไปแล้วการเวลาผ่านไปดวงตะวันและดวงจันทร์ก็ข้ามฟ้าไปหลายรอบนักแล้วไม่ช้าวันเวลาก็ผ่านไปกว่าเดือนในที่สุดลูกก็ขอกลับอีกส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยพวกเราใครให้ท่านอยู่ต่อ หากต้องไปจริงๆถ้าเช่นนั้นให้เราไปดื่มอำลาอย่างง่ายๆที่หอททำมาพักดีกันก่อนเถิดรุ่งขึ้นสรงเจียงก็เอาเงินจากพกของตนออกจัดเลี้ยงบรรดาหัวหน้าคนอื่นๆก็พากันมาประท้วงรีดจุนยี่ท่านเจ้าสัวแม้พี่ใหญ่จะเคารพรักท่านเต็มร้อยแต่พวกเราก็เคารพรักท่านไม่น้อยไปกว่าร้อยละยี่สิบแต่กระนั้นท่านเจ้าสัวก็ไปแต่งงานเลี้ยงของพี่ใหญ่ คิดจะขอนไปท้งอิดก้อนใหญ่เฮตุฉันไหนจึงต้องมาดูเบากระเบื้องเผาแผ่นน้อยด้วยเราเฮ้ยยังไงกันมาเนี่ยฮะฝนตกไปทั่วฟ้าซะแล้วเขาว่าสรงเจียงสมยาว่าฝนทั่วฟ้าสงสัยใ้ท่านส่งเจียงเลี้ยงคนเดียวเรามั้งเนี่ยฮะว่างพวกเราใช่ใชชอุ้ยเราก็มีตังค์นะท่านพี่ แล้วเรี่ขุยก็ตะโกนขึ้นอีกว่าเ <Hey, S 1> เพื่อเรียนเชิญท่านมาที่นี่ข้าต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงถึงมังหลวงมุนทอดูดอนเชนนั้นเนี่ยแต่ท่านกลับไม่ยอมให้ข้าแม้แต่จะเลี้ยงอำลาเฮ้ย hey. ข้าจะเกาะท่านเป็นหางอยู่อย่างนี้นั่นแหละจนกว่าท่านจะยอมรับปากปากทุวงวูยงหัวเราะแล้วเอ่ยขึ้นว่า <laughs> ใครจะไปเคยได้ยินได้ฟัง การเรียนเชิญประเภทนี้บ้างฮะแต่หากว่ากันถึงเรื่องความจริงใจท่านควรจะต้องอยู่ต่ออีกสักหน่อยนะขอรับและแล้วเกือบจะไม่ทันได้สังเกตสังกาเวลาก็ผ่านไปอีกสี่5ห้าวันลู่ตั้งใจจะกลับให้ได้อีกแต่แล้วเสียร้อยเหลี่ยมจูบู่ก็พาบรรดาโจนอีกพวกหนึ่งสืบท้าก็ไปหาเจ้าสัวลู่ที่นั่งอยู่ในหอรรมพักดีแล้วเอ่ยขึ้นว่า ยแม้พวกเราจะเป็นในจนระดับรองรองแต่ก็ประกอบส่วนรับใช้ท่านส่งเจียงได้ไม่น้อยในจอกสุราใบานี้ไม่มียาพิษหากท่านคิดว่านี่เป็นการล่วงเกินและปฏิเสธไม่ยอมดื่มกินมื้อเย็นกับพวกเราบ้างตัวข้าเองอาจจะเดือดร้อนนักหนาแต่ถ้าว่าอดจะเกรงไปไม่ได้ว่าบรรดาพี่น้องเหล่านี้อาจจะทาอะไรเป็นที่รุนแรงเสร็จแล้วค่อยมาบอกว่าเสียใจการอาจจะสายเกินไปนะขอรับ ผู้หยงพูดลุกขึ้นแล้วพูดว่าเอาละเอาละพวกท่านสงบเอาไว้ข้าจะช่วยพูดกับท่านเจ้าสัวลู่ให้ข้ามั่นใจว่าท่านเจ้าสัวลู่จะอยู่กับพวกเราต่อไปอีกสักหน่อยแล้วทำไมจะไม่ละ่ะก็อย่างที่โบราณท่านว่าไว้ว่ามือถือจอกสุราย่อมไม่มาร้ายเออเห็นท่าจะจริงเนาะ แต่ก็ไม่แน่หรอกเห็นมันยิงกันตายแทงกันตายเพียบเลยเ <G ül> มากันไปมาสักพักหนึ่งนะพูดจาไม่เข้าหู <G ül> ชักไม่แทงกันเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าถ้าจะกินสุรานะครับก็ต้องกินกับคู่หูนะเขาเรียกว่ากินกับเพื่อนรู้ใจเท่านั้นนะครับ <G ül> ไปกินกับคนอื่นๆต้องเงียบปากเอาไว้นะครับใน <G ül> ท, ที่สุดนะครับ ลู่ก็ไม่อาจทนการรบเร้าของคนหมูมากได้จึงตกลงจะอยู่ไปอีกสักพักแต่ก็ตักเข้าไปอีกกว่าสี่สิบวันตอนลู่ออกจากเมืองหลวงมุนทอนุดรนตอนนั้นเป็นช่วงเดือนห้าและตอนนี้ก็อยู่บนเขามาแล้วกว่าสองเดือนเข้าสาลีออกร่วงเหลืองอารามเสียดสีกันไปมาท่ามกลางสายลมน้ำค้างที่พร่างพรมก็เริ่มเย็นยเยือกได้เวลาศาสตร์ฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึงลู่หวนิดถึงบ้าน จึงเอาเรื่องนี้ไปหาเรือกับส่งเจียงเห็นได้ชัดว่าความตั้งใจในครั้งนี้เด็ดเดี่ยวยิ่งนักส่งเจียงจึงเอ่ยว่าเอ้ยไม่มีปัญหาใดๆง่ายเหลือดีพรุ่งนี้ข้าจะลงไปส่งท่านที่หาดสายทองลีจุนยี่ให้ดีใจนักปันรุ่งขึ้นก็ได้รับคืนเสื้อผ้าและอาวุธประจำกายบรรดาในโจรทั้งหลาย คุ้มกันเจ้าสัวลงจากเขาส่งเจียงเอาเงินทองใส่ถาดให้ลูกเอ่ยขึ้นว่าเออใช่จะคิดอ้ออวดหรือก็หาไม่แต่ถ้าว่าตระกูลข้ามีทรัพย์สินเงินทองข้าวของให้มากมายข้าจะขอรับเอาแต่เฉพาะเงินค่าเดินทางกลับเมืองหลวงมุนทุนอุดรส่วนที่เหลือไม่ต้องการดอกขอรับส่งเจียงกับนายจนคนอื่นๆก็ตามไปส่งจนถึงหาดทรายทองแล้วกล่าวอำลาพากันกลับขึ้นเขา เรื่องนั้นเราจะไม่เล่าถึงอีกนะครับแต่จะกล่าวถึงลู่จุนยี่ที่รีบรุดไปอย่างเร่งร้อนพอได้สิบสิบวันก็มาถึงชาญเมืองต้าหมิงแต่ยามนั้นมืดค่ำแล้วจึงไม่รีบเข้าเมืองเป็นแต่อสัยค้างคืนที่โรงเตี้ยมหลังหนึ่งพอรุ่งเช้าก็ดิ่งเข้าเมืองโดยทันทีแต่ยังไม่ทันได้ลี้เดียวก็มาพบปุรุษผู้หนึ่งใส่เสื้อผ้าขาดปูปะผ้าโพกศรีรษะขาดกระรุงกระริ่งดังผ้าขี้ริ้ว พอเห็นลู่บุรุษผู้นั้นก็ซุดลงบนเขา่าและเอาหัวโขกพื้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นอัจิริยาเทพเย็นชิงผู้นั้นนั่นเองเจ้าสัวลู่อุทานขึ้นด้วยตกใจ i, เฮ้ยเย็นชิงจะมาทําอะไรในสภาพอย่างนี้นะฮะเย็นชิงตอบว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่จะพูดได้ขอรับทั้งสองรีบเลี้ยวมุมกําแพงดินเข้าไปลู่ชิงถามเย็นชิงขึ้นอีก ชายหนุ่มเริ่มเล่าเท้าความมาตั้งแต่ต้นพเพียงไม่นานหลังจากนายท่านจากไปลี่กู้กลับมาเล่าให้ในายหญิงฟังว่านายท่านแถมตัวให้ทรงเจียงแห่งบึงเหลียงซานยอมนั่งเก้าอี้ตัวที่สองเป็นรองเขาไปซะแล้วแล้วมันก็ไปหาทางการกล่าวโทษนายท่านไปต่างๆนั่นนะคนทั้งสองเริ่มอยู่กินกันอย่างเปิดเผย อ้างว่าข้าไม่เชื่อฟังทําตัวไม่อยู่ในโอบา้านเลยถือโอกาสไล่ข้าออกจากบ้านพวกเขายึดเสื้อผ้าอาพรทั้งหมดแล้วไล่ข้าออกจากเมืองซ้าไม่หนํายังตามไปกลมขู่ญาติมิตรของข้าอีกว่าหากให้ที่พักพิงจะจับขึ้นศาลประหารเสียให้สิน้นถึงจะต้องวิ่งเต้นเสียเงินเสียทองไปสักครึ่งหนึ่งก็จะยอมผลก็คือไม่มีผู้ใดกล้าให้ที่อยู่อาศัยแก่ข้าเลยแม้แต่คนเดียว เมื่อหาที่อยู่ในเมืองไม่ได้ข้าจึงเตร่ออกมาอาศัยอยู่ในตรอกนอกเมืองเที่ยวขอทานอยู่แถวชาญเมืองนี่แหละขอรับนายท่านเชื่อข้าสักครั้งหนึ่งเถิดจงอย่าคิดเป็นอื่นปลับขึ้นเขาเหริงซานไปเสียหากท่านเขินเข้าไปในเมืองไม่หวังต้องติดกลับเป็นแน่ลู่ให้เดือดดานตะวาดออกไปว่า เฮ้ยไอ้สันดานเมียกูไม่ใช่ผู้หญิงพันอย่างว่างูอย่าได้มาไผ่ลมที่นี่เฮ้ยท่านเจ้านายเขาเรียกตดมาโทษเออกูเป็นผู้ดีเว้ยเอา้าไผ่ลมก็ไผ่ลมเออตดก็ตดเฮ้ยแต่นายท่านขอรับท่านไม่ได้มีตาที่ไถ่ถอยสักกนหน่อยแล้วท่านจะไปเห็นเขาทาอะไรกันได้ชัไหนนายท่านเอาเวลาส่วนใหญ่ไปบ่มเพาะร่างกาย ไม่มีเวลาเหลือให้เรื่องแผลดรสผู้หญิงแอบไปมีอะไรกับรี่กูมานานแล้วตอนนี้พวกเขามีโอกาสปิดประตูอยู่เป็นคู่ผัตวตัวเมียได้อย่างเปิดเผยนายท่านขอรับหาเขินกลับบ้านพวกมันต้องเอาขี้มาป้ายท่านแน่ๆเหมือนนั้นน า, นายท่านชอบไม่เล่าลูกกรธจัดต้องวาดออกไปว่าตระกูลของกูอยู่เมืองหลวงบนธนดรมานานถึงห้าชั่วคนแล้วใครก็รู้จักกันสิ้น ไอ้ลีก่กูมันมีสำรองเอาไว้กี่หัววะจึงได้เที่ยวมานักรอบทำเรื่องชั่วๆพันนี้ไอ้มึงมันคิดจะมาใส่ความพวกเขาคิดไหมจะให้กูหมดกำลังใจกูจะกลับบ้านสะสางเรือนชานให้สะอาดและจะกลับมาจัดการมึงที่หลังวุเย็ยยนฉิงร่ําให้ด้วยความขมขื่นสองมือยืดหยุ่ฉุดชายเสื้อของผู้เป็นนายโคกศีรษะให้ไปที่น่าสังเวชใจเป็นยิ่งนักเจ้าสัวลู่เอาตีนเขี่ออกไปข้างๆ สาวเท้ามุ่งหน้าสู่ประตูเมืองตา้าหมิ่นพอผ่านกำแพงเมืองก็ตรงไปอย่างบ้านบรรดาบอบไพร่พากันอ้าปากคมด้วยความประหลาดใจลี่กู้เห็นเข้าก็รีบเพนออกมารับหน้าพาลูกเข้าไปในห้องคุกเข่าเอาหัวโขกพื้นเจ้าสัวทำเป็นซักว่าเฮ้ยเหยียนชิงอยู่รยหรือไม่ลี่กู้ตอบว่ า, านั่นๆัายท่านกรุณาอย่าเพิ่งถามเลยขอรับเรื่องมันยาว ท่านเดินทางมาถึงเหน่อยๆทาจะกระหายน้ําท่าเหตุฉะไหนไม่พักผ่อนเสียก่อนแล้วข้าจะค่อยๆว่าให้ฟังพัญยาลูกก็ถลันออกมาจากหลังม่านร่ําให้ลูกสั่งว่าเฮ้ยอย่ามัวร้องไห้อยู่เลยเพียงแต่เล่าให้ข้าฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเย็ยนน้อยก็พอนางเมียสาวจึงตอบว่าท่านพี่อย่าเพิ่งถามเลยนะเจ้าคะ่ะเรื่องมันยาว แล้วท่านก็เพิ่งเดินทางมาเนื่อยๆทำไมไม่พักสักก่อนเล่าแล้วข้าจะเล่าให้ฟังเจ้าสัวเริ่มครางแคลงใจคิดจะซักไซยอะไรละเอียดลี่กู้วานล้อมว่าเหตุฉันไหนเจ้านายไม่ไปผัดผ้าไปจุดทูบคำทักวิญ ญ, ญาบรระชนแล้วรับอาหารเช้าสักก่อนยังมีเวลาเหลือให้พูดเรื่องนี้อีกนานนักขอรับนายท่านว่าพางก็สั่งให้เบาเอาสหรับกับข้าวออกมาตั้งให้เจ้าสัว ขณะที่ลู่ยกตะเกียบจะพุ้ยพรันก็ได้ยินเสียงตะวดัดลัดดังลั่นขึ้นมาทาั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเฮ้ยไอ้เจ้าสัวลู่อยู่บ่าวะอ้ามันหายหัวไปไหนอ้าอุ๊พตระเวนสองสามร้อยคนก็กรูกันเข้ามาจับเจ้าสัวที่ยังของอ้าปากค้างด้วยความสนเทศมัดแล้วใช้ติ้วรุนตัวเจ้าสัวตรงไปยังสาาว่าการ ที่อาศัยของผู้ว่าการเหลียงสมุหเทศาพิบาลเมืองหลวงมนทนอุดอรลูกถูกดันไปคุกเข่าที่หน้าบันลังในยางนั้นผู้ว่าเหลียงยังว่าราชการอยู่ในสารากลางตำรวจยามสัก80คนท่วงท่าทะมึงถึงกระหนึ่งเสือกหมาป่าพากันยืนตัวตรงแบ่งออกเป็นสองแถวทั้งซ้ายทั้งขวา ผู้ว่าเหลียญตะคอกออกไปว่าเฮ้ยไอ้สันดานไพร์ตั้ีแ่นี้มึงเคยเป็นพลเมืองดีฉันไหนจึงได้ริ อ, อาจไปเป็นจรฮะไม่เป็นนายร้องของไอ้พวกเหลียญสันบอกเฮ้ยมึงมานี่เพื่อสนธิกําลังทั้งในทั้งนอกจะตีเอาเมืองกูหรือฉันไหนตอนนี้มึงถูกจับได้ยังจะมีอะไรมาแก้ตัวอีกฮะเฮะ้ยลู่และล่ําลลักออกไปว่าท่านตอยเท้าขอรับ ด้วยความเขาเพียงชั่วแล่นข้าน้อยได้ถูกบูยงแห่งเขาเหลียงซานปลอมตัวเป็นหมอดูล่วงเข้ามาถึงในบ้านใช้ไท่คาป้อปดมดเท็ดล่ลวงข้าน้อยลงไปจนถึงเบืองเหลียงซานแล้วคุมตัวเอาไว้นานกว่าสองเดือนโชคดีนักหนาที่มีโอกาสนี้กลับมาได้ข้าน้อยไม่มีเจตนาร้ายใดๆขอให้ท่านใต้เท้าโปรดรู้สึงถึงใจิตใจข้าน้อยด้วยเถิดขอรับผู้ว่าการเหลียงโกรดจัดร้องตวาดไปว่าอูวะ แล้วมึงคิดจะให้ใครๆเชื่อกระนั้นหรือหากไม่ไปร่วมสังฆกรรมกับพวกมันเหตุชนไหนจึงขึ้นไปอยู่บนนั้นได้เป็นนานถึงป่านนี้เมียที่มึงทอดทิ้งกับไอ้ลี่กู้เอามึงมาแฉสิ้นแล้วเรื่องแบบนั้นกูกันได้รหรือฮะลี่กูรีบว่าล้อมว่าไหนๆเรื่องก็มาถึงขั้นที่นี่แล้วเจ้านายขอรับจงรับไว้เสียเถิด ฉลกที่ท่านเขียนใส่ฝาบ้านเอาไว้ซ่อนความในอันเป็นกระบทอยู่พิดดูก็สามารถใช้เป็นหลักฐานผูกมัดได้ชัดแจง้งไม่จำเป็นต้องพูดอะไรให้มากไปอีกแล้วขอรับคุณนายลู่จึงเอ่ยขึ้นบ้างว่าพวกเราไม่อยากให้ท่านได้เจ็บดอกนะเจ้าคะแต่ถ้าว่าข้ากลัวว่าท่านจะพัวพันเอาข้าไปเกี่ยวข้องด้วยท่านพี่ก็รู้ตามโบราณว่าไว้ว่าหากผู้ใดคิดกระบท ครอบครัวกับญาติพี่น้องต้องรับโทษทันสถานเดียวกันลูกคุกเข่าอยู่ต่อหน้าผู้ว่าเหลียงร่ำให้เป็นที่น่าเวทนาได้แต่ร้องว่าตนถูกใส่ความลี่กู้รบเรา ว, ว่าหายท่านจะได้กล่าวเช่นนั้นเลยขอรับหากข้อกล่าวหาจริงสิ้นทุกกระทงท่านก็คงไปไม่รอดแต่ถ้าหากไม่ได้เป็นไปตามนั้นท่านก็ย่อมมีสิทธิล้างตัวได้ในภายหลัง แต่ก่อนอื่นสรารภาพไปเสถิด จ, จะได้ไม่ต้องทนถูกเขาบอยเอาคุณนายลูกก็เห็นด้วยแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่านพี่เจ้าคะมันยากที่จะเอาเรื่องเท็จขึ้นมาฟ้องร้องทางการแต่การปฏิเสธก็หาได้ง่ายไปกว่ากันไม่หากท่านพี่ไปทําผิดอาญาข้าก็ต้องตายตามไปด้วยหนังบางๆของท่านพี่จะไปทนไม้ไร้ที่ไร้หัวจิตหัวใจได้สักกี่มากน้อย สารภาพเถิทดโทษทันจะได้เบาบางลงบ้างฝ่ายลี่กู้นั้นเอาเงินทองออกวิ่งเต้นทั้งสูงทั้งต่ำเอาไว้ก่อนแล้วจ้างจ่าสารก็เอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยไอ้ไผ่หัวรันหากไม่บอยกันก็ไม่ยอมสารภาพเฮ้ยผู้ว่าเหลียงเอ่ยขึ้นบ้างว่าใช่แล้วพรางหันไปตะโกนสั่งตำรวจเ้ยพวกมึงเขียนมันใหหนักเฮ้ย มันไสมันวะ <ST> S> <S ตำรวจสารจับลูกความหน้าลงพื้นแล้วระดมเขี้ยนตีจนผิวหนังลูกปริ <ST> S> <S เนื้อบวมปูดขึ้นมาเลือดก็ไหลนองเป็นท้องทานเจ้าเสือสลบไปสามสีต่ตลบในที่สุดก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปลูกถอนใจแล้วคิดว่า <ST S> เฮ้ย <ST> S> <S <ST S> ข้าต้องเลก้ิดให้ตายด้วยคมอาวุธมาครั้งหนึ่งแล้วจะสำมาหาอะไรกับยอมสรภาพหลอกๆไปย่งนี้ ทันทีที่จากสารได้คําสารภาพก็สั่งให้เอาคืนหนักร้อยช่างไปตอกใส่คอแล้วสั่งให้โยนลูกเข้าห้องขังท่ามกลางความสลดใจของผู้ที่มุงดูอยู่ทั้งในทั้งนอกสารวันเดียวกันนั้นนั่นเองลูกก็ถูกพาผ่านประตูคุกเข้าไปยังเก่งหลังหนึ่งและถูกบังคับให้คุกเขา่าผู้ที่นั่งอยู่บนแครกก็คือผู้อำนวยการใหญ่สองคุกประจำเมืองและยังทําหน้าที่เป็นมือเพชฌฆาตมีนามว่าใช่ฟู มีพื้นเพเป็นคนเมืองหลวงตะวันออกสมยาว่าแขนเหล็กเนื่องด้วยลำแขนที่แข็งแกรง่งจากการไร้รำดาพิชฉาคาตนั่นเองส่วนผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆเป็นน้องชายมีนามว่าใช่ฉิงเป็นยามประจำคุกผู้หนึ่งคนมนทนเหอเปยที่ชื่นชอบเล่นสมบัสสำนวนตั้งสมยาให้ใช่ฉิงว่าบานเดี่ยวด้วยว่าเขาผู้นั้นนิยมอดดอกไม้บานขนาดใหญ่มาทัดหูในมือถือติว้ว ใช่ฟูจึงเอ่ยขึ้นว่าเอานักโทษผู้นี้ไปขังคุกไว้ก่อนเพี่จะไปบ้านสักประเดี๋ยวหนึ่งถึงจะกลับมาใช่ชิงนำตัวลูกออกไปใช่ฟูลุกขึ้นเดินออกจากคุกไปพอพ้นประตูคุกออกมาได้หน่อยหนึ่งก็เจอเข้ากับบุรุษผู้หนึ่งเดินเลี้ยวหัวมุมถนนเข้ามาหาในมือถือปิ่นโตใส่เข้าสุกสีหน้าอมทุกข์คนผู้นั้นก็คืออัจฉริยะเทพเย็ยนฉิงผู้นั้นนั่นเอง ใช่ฟูเอ่ยปากทักไปว่าเอาน้องเล็กท่านมาทำอะไรหรือเหยียนฉิงซุกตัวลงบนเขา่าเช็ดน้ำตาที่ไหล ย, ย้อยลงมาอาบสองแก้มชายหนุ่มอ้อนวอนว่าท่านพี่พวกไมยขันใหญ่ขอรับโปรดให้เมตตาท่านเจ้าสัวลูกนายของข้าด้วยท่านถูกใส่ความจนต้องตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีเงินทองซื้อข้าวปลาอาหาร ข้าไปขอทานข้าวสารจากนอกเมืองม า, ายาไสท่านในครึ่งกระออมโปรดอนุญาตให้ข้าเอาข้าวบินโตเถวนี้เข้าไปให้ท่านกินด้วยเถิดขอรับท่านพี่ผู้ในกานใหญ่แล้วท่านจะได้ชื่อว่าประกอบคำนี้เยียนฉิงตะกุกตะกักสะอื้นหักหักมอบกราบเซรโรราบอยู่กับพื้นใช้ฟูเอ่ยขึ้นว่า เออขอรู้เรื่องราวในคดีนี้ดีท่านจงเอาข้าวไปให้เขาตามสบายเถิดเย็นชิงกล่าวขอบพระคุณแล้วรีบเข้าไปในคุกเพราะอชัฟูเดินข้ามสะพานออกไปคนรับใช้ในร้านอาหารผู้หนึ่งก็เข้ามาคาระวะอย่างนอบน้อมแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่านพูศมใการใหญ่ขอรับมีชายผู้หนึ่งนั่งดื่มอยู่บนเหล่าเต่งในโรงน้าชาของเรารอที่จะพูดคุยกับท่านอยู่ขอรับชัฟูตามเด็กรับใช้ขึ้นไปชั้นบน ก็พบลี่กู้หัวหน้าเสมียนรออยู่ทั้งสองทักทายกันตามมารยาทใช่ฟูเอ่ยขึ้นว่าเออข้าจะรับใช้อะไรท่านได้บ้างขอรับท่านหัวหน้าเสมียนลี่กู้จึงว่าข้าจะไม่ขอปกปิดทั้งด้านดีและด้านร้ายท่านผู้มีการใหญ่ก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วคืนนี้ข้าใครใช้ท่านจัดการมันเสียให้สิ้นซากข้าไม่มีทางอื่นที่จะตอบแทนบุญคุณนอกจาก นี่คือทองคำหนักห้าสิบตำลึงส่วนเจ้าพนัก ง, งานรายอื่นๆข้าจะจัดการเองขอรับชายฟูหัวเราะแล้วพูดขึ้นว่าท่านเองก็เห็นผ่านตามาแล้วไม่ใช่หรือข้อความที่สลักเอาไว้บนแผ่นป้ายน่าสาาว่าการที่ว่ากดขีพวงประชานั้นง่ายแต่ตกตาสวรรค์ น, นั้นยากไม่ท่านนี่ ช่างคดกระทั่งกล้าปวดไม้แต่ตนเองท่านคิดว่าข้าไม่รู้หรือไรท่านคุบสมบัติเขาแถมกระทั่งเมียเขาก็ยังเอามาขี่แล้วจะเสนอเศษทองห้าสิบตำลึงให้จัดการถึงก็าซะอีกเฮ้ยถ้าเกิดท่านยกกระบาดหลวงมาถึงที่นี่และมาตรวจสอบเรื่องนี้เขา้าข้าก็ไม่อาจคิดถึงข้อหาที่เขาจะยกเอามาฟ้องหาเรื่องให้กูซะละไม่ล่ะเป็นเจ้าพนัก ง, งานรับราชการอยู่ดีๆ จะให้เปลี่ยนสมโนโครวัวซะงั้นแหละเดี๋ยวกลับไปบ้านโอ้มาทำไมกูไอไม่หยุดไอแปลกแปลกไอคุกคุกคุกลี่กู้จึงพูดว่าท่านภูมิในการใหญ่ขอรับแค่นั้นยังไม่พอข้าพร้อมจะเพิ่มห้อีกห้าสิบใช่ฟูจึงว่าเฮ้ยท่านลี่ ก, กู้ท่านนี่ยังคิดจะเอาหางแมวมาเลี้ยงแมวอยู่อีกหรือไรท่านกาลังจะบอกว่าลูจุนยี่ เจ้าสวยใหญ่แห่งเมืองหลวงมุนทนอุ ด, ดอมีค่าเพียงร้อยตำลึงทองเช่นนั้นหรือข้าบอกตรงๆกนแล้วกันหากจะต้องเอาให้ตายข้าต้องได้ห้าร้อยตำลึงทองนี่กู้จึงว่าเฮ้ยข้ามีพร้อมอยู่แล้วท่านจะได้ครบเต็มจำนวนหากท่านจัดการเขาเสียนี่คืนนี้ให้แล้วเสร็จมาทโถดูถูกกันว่ใช่ฟูรับเอาทองไปซ่อนไว้กับตัวแล้วลุกขึ้นแล้วเอ่ยกับนี่กู้ว่า พรุ่งนี้เช้ามารับศพออกไปได้เลยนี่กู้กล่าวขอบพระคุณแล้วจากไปด้วยใจเบิกบานใช่ฟูกลับถึงบ้านแต่ไม่ทันนานบุรุษผู้หนึ่งก็เลิกม่านประตูแล้วก้าวเข้ามาแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่านผู้อ่นวยการใหญ่สบายดีอยู่หรือขอรับอคันทุ ก, กะผู้นั้นทักทายออกมาจากเรือนร่างอันสำอางอ ง, องใส่เสื้อคลุมทรงขอตั้งสีเขียวเข้มดุดขนอีการัดประคตติดหัวเข็มขัดส ก, กัดจากหยกมันแกะ พวกผ้างามงอนดังงอนหงประดับประดารองเท้าราวจะหุ้มด้วยไข่มุกก้าออกมาเค่าเต่าเบื้องหน้าพุ่มนดยการใหญ่ใช่ใช่ฟูรีบรับไหว้แล้วเอ่ยถามขึ้นว่าท่านมีนามว่าอะไรหรือขอรับแล้วท่านมาพบข้าด้วยวัตถุประสงค์อันใดใชายผู้นั้นจึงกล่าวว่าจะดีกว่าหากเราได้เข้าไปหารือกันข้างในใช่ฟูเชิญ อ, อคันธุ ก, กะผู้นั้น เข้าไปในซุ้มที่สงัดแห่งหนึ่งแล้วนั่งกันตามธรรมเนียมแขกกับเจ้าบ้านผู้มาเยือนเอ่ยปากขึ้นเป็นการประเดิมการสนทนาอ่าอย่าได้ตกใจไปเลยนะขอรับท่านผู้มีการใหญ่อันตัวข้าน้อยมาจากแขวงเห่งให้ในจังหวัดกังโจไม่นามว่าใช้จินเป็นลูกหลานสืบตระกูลจากพระจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์โจมีสมัยาว่าสลาตันน้อย เนื่องเพราะเป็นผู้กล้าและยึดมั่นในคุณธรรมน้ำมิตรจึงได้สนิทสนมกับผู้กล้าไปทั่วทั้งยุทธภพแต่โชคไม่ดีที่ต้องคดีอาญาจำใจต้องหนีไปกบดานอยู่ที่บึงเหลียงซานเปาะวันนี้ข้ามาที่นี่ตามบัญชาของพี่ทรงเจียงเพื่อติดตามถามไทยข่าวครา ว, าวสารทุกสุกดิบของท่านเจ้าสัวลูกใครเลยจะไปคิดว่าเป็นเพราะไอ้พวกขุนนางชั่วช้าอีนางเมียแพทย์สยากักบไอ้ผู้ชายแลว้วซ้ำ ท่านจึงต้องระหต็ตเข้าไปอยู่ในคุกอันชีวิตของท่านนั้นเมื่อตกไปอยู่ในกำมือท่านก็ดังจะแขวนอยู่บนเส้นได้ข้าน้อยมาหาท่านที่บ้านโดยไม่คำนึงถึงพยันตรายที่จะเกิดเกิดตัวนี้ก็เพื่อบอกเล่าการนี้ให้รู้แจ้งหากท่านจะเมตตาเปรียบประดุจพระพุทธองค์ก็จงช่วยรักษาชีวิตท่านลู่เอาไว้ในโลกนี้ด้วยอีกคนพวกเราจะไม่ลืมพระคุณท่านในการนี้เป็นแน่ แต่หากท่านยอมให้เกิดเรื่องผิดพลาดจนเสียงอาเสียการไม่แต่เพียงกระจิจกระจ่อยไพ่ผลของเราก็จะยกพลมาล้อมบรรดาขุนพลของฝ่ายเราจะพากันเหยียบคูเมืองท่าลวงกำแพงเข้ามาแข็นฆ่าชาวประชาให้หมดสิ้นไปทุกคนไม่ว่าจนหรือมีดีหรือเร็วเด็กหรือแก่แต่พวกเราทราบกันมานานแล้วว่าท่านเป็นหนึ่งในหมู่พว ก, กล้าที่ซื่อตรงและมีคุณธรรมน้ามิตรหากท่านต้องการของกํำนันอันเหมาะสม พวกเราก็พร้อมจะมอบทองคำพันตำลึงให้ที่นี่หากท่านต้องการจะจับค่าก็เชิญเลยขอรับขอรับรองว่าจะไม่แม้แต่ทำหน้านี่คิ้วขมวดใช่ฟูเสียวสันหลังว่าเงื่อการก็อาบไปทั่วร่างไม่กล้าจะพูดอะไรชาจิ้นพุดลุกขึ้นครับแผนการของเราภูกล้าที่จะช่วยชีวิตเจ้าสัวลู่จุนยี่เอาไว้นั้นจะสาเร็จลุล่วงไปได้หรือไม่ ฟังบทต่อไปหากใครรู้ข้าน้อยมหาท่านที่บ้านด้วยไม่คำนึงถึงพยันตรายที่จะเกิดแก่ตัวนี้ก็เพื่อบอกเล่าการนี้ให้รู้แจ้งหากท่านจะเมตตาเปรียบประดุษพระพุทธองค์ก็จงช่วยรักษาชีวิตท่านลู่เอาไว้ในโลกนี้ด้วยอีกคน พวกเราจะไม่ลืมพระคุณท่านในการนี้เป็นแน่แต่หากท่านยอมให้เกิดเรื่องผิดพลาดจนเสียงอาเสียการไม่แต่เพียงกระจิจกระเจอยไพ่ผลของเราก็จะยกพลมาล้อมบรรดาขุนพลของฝ่ายเราจะพากันเหยียบคูเมืองท่าหลวงกำแพงเข้ามาแข็นฆ่าชาประชาให้หมดเส้นไปทุกคนไม่ว่าจนหรือมีดีหรือเร็วเด็กหรือแก่แต่พวกเราทราบกันมานานแล้วว่าท่านเป็นหนึ่งในหมู่พวกกล้าที่ซื่อตรงและมีคุณธรรมน้ํามิต หากท่านต้องการของกำนันอันเหมาะสมพวกเราก็พร้อมจะมอบทองคำพันตำลึงให้ที่นี่หากท่านต้องการจะจับข้าก็เชิญเลยขอรับขอรับรองว่าจะไม่แม้แต่ทำหน้านิวคิ้วขมวดใช่ฟูเสียวส้นหลังว่าเมื่อการก็อาบไปทั่วร่างไม่กล้าจะพูดอะไรชายจิ้นผุดลุกขึ้นแล้วเอ่ยขึ้นว่าเมื่อพวกกลา้ากระทำการอันใดสักอย่างก็ไม่มีกระบิดกระบวนรวนเร รถให้คำตอบด้วยขอรับใช่ฟูตอบว่าเออเชิญท่นานไต่เท้ากลับไปซะก่อนเถิดข้าจะรับธุระเรื่องนี้เอาไว้เองขอรับใช่จิ้นจึงว่าเราได้คำมั่นสัญญาจากท่านแล้วสิ่งที่ท่านทำย่อมต้องได้รับผลตอบแทนใช่จิ้นกล้าออกจากประตูครางเรียกเพื่อนร่วมทางเข้ามาเอาทองคาที่สัญญาไว้ใส่มือใช่ฟู กล่าอำลาผู้อานวยการใหญ่สองคุกด้วยมารยาทอันนอบน้อมเพื่อนร่วมทางของท่านชายใช้ใช่ใครอื่นนอกจากใต้จงเทพท่องทางซึ่งเป็นบุรุษอีกผู้หนึ่งซึ่งยากจะบอกปัดแต่ถ้าว่าใช่ฟูก็ยังตัดใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงดีให้ครุ่นคิดอยู่เป็นนานแล้วก็กลับไปยังคุกเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับน้องชาย ใช่ชิงเอ่ยขึ้นว่าตามธรรมดาท่านพี่นั้นเป็นคนตัดสินใจได้ไวนักเรื่องเล็กๆในน้อยอย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรยากเลยขอรับก็อย่างที่โบราณว่าไว้ว่าจะฆ่าก็ต้องเห็นเลือดจะช่วยก็ต้องให้ตลอดรอดฟังมีเช่นนั้นก็อย่าทำเช่นไรดีกว่า <c oughs> เมื่อเราได้ทองคําถึงพันตําลึงเช่นนี้เราก็มีเงินทองไปวิ่งเต้นได้ทั้งสูงทั้งต่าผู้ ว, ว่าการเหรียญกับจ่าสารจางก็มือไม้คันออกอย่างนั้น พอได้สินบนพวกเขาย่องไว้ชีวิตให้เจ้าสัวยอยู่ดีแล้วค่อยในประเทศหนีไปเสียที่อื่นส่วนตัวเขาจะไปตลอดรอดฟังหรือไม่ก็ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของเหล่าผู้กล้าแห่งเบืองเหลียงซานให้พวกเรานั้นก็รับงานเฉพาะส่วนในความรับผิดชอบของตัวก็พอใช่ฟูดีใจนักร้องขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นล่ะนะก็เหมาะนะักจงย้ายเจ้าสัวลูกไปขังไว้ในห้องที่สะดวกสบาย ดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารแหละเล่ายาปลาปิ้งให้ทุกเช้าคำ่ำบอกให้เขารู้เดี๋ยวว่าเรากำลังทำอะไรให้สองพี่น้องตกลงกันเป็นเอกฉันท์พวกเขาแอบเอาเงินทองไปวิ่งเต้นทั้งสูงทั้งต่ำติดสินบนคนเหล่านั้นอย่างรอบคอบพิธีพิถันพอวันรุ่งขึ้นลี่กู้ก็รู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงดิ่งตรงไปยังบ้านช่ฟูแล้วกระตุ้นให้เขาเรีกจัดการตามสัญญา แต่ใช่ชิงตอบว่าเรากำลังจะทำอยู่แล้วแต่ท่านผู้ว่าเลี้ยงไม่ยอมเฮ้ย <Hey! S 2> ท่านสั่งให้ไว้ชีวิตเจ้าสัวลูกดังนั้นท่านจงไปวิ่งเต้นคนที่สูงขึ้นไปหากเราได้รับคำสั่งเราจะจัดการให้ทันทีลี่กู้เอาเงินไปวิ่งคนกลางขอพบผู้ว่าเลี้ยงแต่ผู้ว่าเพียงแต่บอกว่า hey! นั่น มันเป็นหน้าที่ของพวกในการใหญ่ใช้ที่ดูแลสองคุกนี่ใจข่าลงมือเองเช่นนั้นะหรืออีกสองสามวันข้าจะสั่งการให้เขาลงมือให้อืด้วยเหตุนั้นทัานผู้ว่าเหลียงกับผู้วกในการใหญ่ใช้ก็โยนกลองกันไปมาจ่าสารจางที่กินเงินรีกู้ก็เลื่อนการพิพากษาอัธคดีนี้ออกไปเรื่อยๆแต่ช่ฟูก็เอาสินบนมาเกตทัพเพื่อเร่งให้ตัดสินไวๆจาง ก, ก็รีบร่างคําพิพากษา แล้วไปขอคำสั่งจากผู้ว่าการเหลียงผู้ว่าการเอ่ยขึ้นว่าแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีกับคดีนี้ใช่ฟูตอบว่าสำหรับข้าน้อยแล้วเห็นว่าแม้จะมีเรื่องฟ้องร้องขึ้นมาก็จริงอยู่แต่ขาดหลักฐานอันแน่นหนาที่จะเอาผิดเขาขึ้นไปอยู่บนเขาเหลียงซานนานก็จริงอยู่แต่ก็อ้างว่าถูกลวงไปเราจับตัวไอ้คนผิดจริงยังไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าขอรับท่าน โบยมันส <ao ly> <Lust th> ักส no, so ี่สิบทีแล้วในประเทศมันหนีไปสักสามพันลี้ใต้เท้าจะเห็นเป็นอย่างไรหรือขอรับผู้ว่าการเหลียงจึงว่าไม่ยอดเยี่ยมมากเหมาะกับความคิดข้านักแสดงว่าใจตรงกันนะสิท่านผู้ว่าการเหลียงก็สั่งให้ใช้ฟูเบิกตัวเจ้าสู่ลูกเข้ามาพอสารเปิดลูกก็ถูกปลดเอาคือออก มีการอ่านคำสารภาพแล้วลูกถูกโบยไปสี่สิบไม้คือเหล็กแผ่นบางสำหรับเดินทางไกลชนิดหนักยี่สิบช่างก็ถูกมาเปลี่ยนและผู้ว่าเลี้ยงก็ในประเทศนักโทษไปยังเกาะซาเหมือนสั่งให้ต่งเจ้ากับเสียบาคุมตัวไปส่งครับผู้คุมสองคนนี้คุ้นคุ้นหมครับพี่น้องต่งเจ้ากับเสียบาครับสองคนนี้นะเคยสร้างวีรกรรมเอาไว้อะไรบ้างนะครับพี่น้องใครที่ ออฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเข้าใจดีนะครับนะ้าอํำจะไม่เล่านะฮะเดี๋ยวฟังต่อไปก็แล้วกันด้วยเมื่อก่อนนี้นะครับผู้คุมทั้งสองคนเคยเป็นพลตรเวนอยู่ที่ไคเฟิงเคยถูกสั่งให้ฆ่าลินชงเสียเมื่อครั้งต้องในประเทศผ่านดงหมูป่าไปยังจังหวัดกังโจเป็นเพราะกระทำการไม่สำเร็จ จอมพลเก่าจึงหาเรื่องในประเทศคนทั้งสองไปยังเมืองหลวงมนทนอุดรผู้ว่าการเหลียงเห็นว่ามีความสามารถจึงเอาตัวไว้ใช้งานแล้วมาถึงวันนี้ก็สั่งให้คนทั้งสองคุมตัวลูกไปส่งยังเกาะซาเหมือนต่องกับเสียรับคำพิพากษาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วคุมตัวเจ้าสัวลูกออกจากศาลไปขังไว้ชั่วคราวอย่างที่ฝากขังรีบกลับบ้านไปเก็บข้าวของเตรียมเดินทาง พอลี่กู้ทราบข่าวก็ถึงกับครางรีบส่งคนไปเชิญผู้คุมทั้งสองมาสนทนากันแล้วออกไปรับรองต่อมเจ้ากับเสียบาที่โรงเตียมแห่งหนึ่งพาเข้าไปหาเรือกันในห้องส่วนตัวบริการเหล้ายาปลาปิ้งเสร็จสับหลังจากทั้งสองดื่มไปได้สามจอกลี่กู้ก็รีบเอ่ยขึ้นว่าข้าจะไม่ขอปลดท่านดอกอันเจ้าส่วนลูกผู้นี้เป็นศัตรูคู่อริกับข้าถูกในรเทศไปยังเกาะซาเหมือนที่นั่นห่างไกลาจากที่นี่นักอีกอย่างนั่นนะ มันก็ยังไม่มีเงินทองติดตัวไปแม้แต่แดงเดียวท่านทั้งสองต้องออกค่าใช้จ่ายระหว่างทางกันเองถึงแม้ท่านจะไปไวมาไวแค่ไหนไปกลับก็ไม่ต่ำกว่าสามสี่เดือนนูน่นส่วนตัวค่านั้นก็ไม่มีของกำนันที่เหมาะสมได้ใดมาให้นอกจากจะมอบสองตำดึงเงินนี้เอาไว้พวกท่านพกไปหนักมือหากพวกท่านไปถึงที่มาเหมาะสมสองสามลี้ประจากนี้ หรืออย่างมากก็ไม่น่าเกินสองพักก็ให้ข้ามันเสียฝานอรอยศักดิ์ที่แก้มันมาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วข้าจะกำนันท่านแต่ละคนด้วยทองคำห้าสิบตำลึงให้พวกท่านต้องทำก็คือเขียนรายงานเท็จส่วนข้าจะดูแลคนในสาราว่าการเองต้องกับเสียมองหน้ากันเลิกหลักนิ่งงันอยู่นานแต่ถ้าว่าเงินแท่งใหญ่ขนาดนั้นมันยั่วใจยิ่งนัก ต้องเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยเก้งอยู่แต่ว่าข้าจะทําไปไม่ตลอดรอดฟังนะสิเสียบ่ารีบตัดบทว่าเฮ้ยพี่ตงท่านลี่เป็นสุภาพชนคนดีเรามีหน้าที่รับใช้ท่านหากเราประสบปัญหา ใ, ใดๆท่านก็จะต้องช่วยดูแลให้เป็นแน่แท้เฮ้ยป้าทูเงินกองอยู่ข้างหน้าแล้วแม้จะให้โยนทิ้งไปซะ ง, งั้น่ะไม่ให้เสียเที่ยวเปล่าๆป้าทู รีกู้รีบบอกว่าแม่ถ้าเป็นเยื่องนี้น่ะนะข้าจะไม่ลืมเลือนพระคุณในครั้งนี้โดยเด็ดขาดจะทยอยตอบแทนพวกท่านไปเรื่อยๆอา้าวนี่หมายความว่าจะผ่อนชำระดอกหรือนี่ฮะเฮ้พูดยังไงวะครุงเครือสองแง่สองงามผู้คุมทั้งสองก็รับเอาแท่เงินใส่หอกล่าวอำลาหวนกลับมายัางที่พัก จัดเก็บข้าวของแล้วก็ออกเดินทางไปในเย็นวันนั้นลูกโอดขึ้นว่าโอ้ยข้ายังเจ็บแผลที่ถูกบอยไม่หายให้กันพรุ่งนี้ไม่ได้ดหรือขอรับเสียตะอคอกไปว่าเฮ้ยหุบปากซะช่างโชคร้ายนักที่คนดีๆอย่างเราต้องมาเจอโอกาสไให้ขอทานเยี่ยงเจ้าแบบนี้ไปกลับเกาะสาเหมือนไม่ต่ำกว่าหกพันลี้ ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางต้องสิ้นเปลืองอย่างมหาศาลเฮ้ยแต่เจ้ากลับไม่มีแม้แต่แดงเดียวแล้วพวกเราจะไปจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรฮะเฮ้ยลูกโอดขึ้นอีกว่าเฮ้ยนรก่ว่าสงสารเถิอขอรับต้องเอ่ยขึ้นว่าโอ้โหไอ้คนร่ําคนรวยเยี่งเจ้ามีหรือจะยอมถอนขนนักแข่งออกมาให้เพื่อนฝูงเออแน่สวรรค์ท่านก็มีตา เองก็ได้อย่างที่สมควรแล้วอย่าได้บนไปเลยมาพวกเราจะช่วยให้เองเดินไปเองลู่ได้แต่ค่ํามกลืนฝืนโกรธออกเดินไปพวกเขาออกไปทางประตูเมืองด้านตะวันออกผู้คุมทั้งสองพากันเอาห่อผ้าและร่มของตัวห้อยเอาไว้กับขื่ให้ลู่แบกในเมื่อเจ้าตัวตกเป็นนักโทษแล้วจะให้ไปโกรธไปเครืองอะไรกับใครเขาได้ พอได้สิบสิบห้าลีท้องฟ้าเริ่มมืดก็เห็นตลาดอยู่เบื้องหน้าทั้งสามพากันเข้าไปค้างแรมเด็กรับใช้พาคนทั้งสามไปยังห้องด้านหลังแลว้ววางข้าวของลงเสี้ยเอ่ยกับลูกว่าถึงอย่างไรเราสองคนก็เป็นตำรวจจะให้ไปประครบประงมปรนิบัติพัดวีนักโทษนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้หากเจ้าอยากกินข้าวก็ไปหงหาเอาเองลูกไม่มีทางเลือก นอกจากแบกคือเดินเข้าห้องครัวเอ่ยปากขอฟางจากเด็กรับใช้พอได้มาก็ฟันเป็นเกลียวจุดไฟใส่ลงไปในเตาเด็กรับใช้รีบยกหม้อข้าวขึ้นตั้งเตาล้างชามกับตะเกียบส่งให้แต่เนื่องด้วยลูกเกิดในครอบครัวร่ำรวยก็ไม่รู้ว่าตัวจะต้องทำอะไรต่อด้วยว่าฟางข้าวค่อนข้างเปียกจึงติดๆดดำดอยู่อย่างนั้นลูกก็เป่าเร่งไฟจนน้าหูน้าตาไหลด้วยเปื้อนขี้เถ้าต้องบ่นไปด่าไปพอข้าวสุก ผู้คุมทั้งสองก็ช่วยตัวเองลูไม่กล้าร่วมวงด้วยรอจนทั้งสองแล้วเสร็จก็ลุกขึ้นปล่อยให้ลูกเข้าไปกินกับข้าวกับปลาที่เหลือที่เย็นชืดเสียก็บ่นด่าไปไม่หยุดปากพอกินเสร็จเสียสั่งให้ลูกต้มน้ำเพื่อผู้ตนจะได้ล้างเท้าก็ต่อเมื่อน้ำเดือดแล้วลูจึงได้มีโอกาสเข้าไปนั่งพักในห้องพอผู้คุมทั้งสองล้างเท้าเสร็จเสียก็ยกชามอ่างที่มีน้าเดือดมาให้ลู่ เสียก็รีบจับเท้าลู่ลงจุ่มในน้ำเดือดทันทีความเจ็บปวดทรมานนั้นหนักหน่วงนักเสียตะเคอกส่งไปว่าเอ้ผู้ดีเขามารับใช้เจ้กล้ามาทำหน้านี้คืขอขโมดฮะผู้คุมทั้งสองช่วยกันเอาโซ่ล่ามลู่ไว้กับหลังประตูเจ้าสัวก็ครางฮือๆอยู่ทั้งคืนทั้งสองนอนหลับอุตุอยู่บนเตียงดิน พอถึงยามสี่ผู้เขาก็ลุกขึ้นครับยามสี่ก็ประมาณตีสองนะครับสั่งเด็กรับใช้ให้เตรียมมื้อเช้าพอกินเสร็จก็เก็บข้าวของเตรียมออกเดินทางฝ่าเท้าลูดถูกน้ำร้อนลวกจนพุกพองยืนเกือบจะไม่ไหวแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือวันนั้นเกิดฝนตกในฤดูใบไม้ร่วงถนนหนทางลื่นนักลู่ล้มคว่ำขมำงายไปเกือบจะทุกย่างก้าว เสียก็เอาไม้พรองมวดเข้าให้ส่วนตรงนั้นเร่งให้เดินค่อนข้างนิ่มนวลเสียตีไปบนไปอยู่เช่นนั้นตลอดทางพวกเขาเดินไปได้ราวสิบลี้ก็มาถึงป่าใหญ่ผืนหนึ่งลู่ร้องขึ้นว่าโอ้ยข้าเดินไม่ไหวแล้วขอรับ โปรดแม่ตายข้าเด้พักสักนิดเถิดโอ้เ้ยเท้าขาน่ะพองไปหมดแล้วดูสิเลือดไหลเป็นทางเลยผู้คุมก็พาลูกเข้าไปในป่าเบื้องหน้าทางทิศตะวันออกท้องฟ้าเริ่มสางอยู่รำไรมองเข้าไปไม่เห็นผูดด้ใดใครอื่นเสียบาหันมากล่าวกับลูกว่าเฮ้ยเมื่อเช้านี้ข้ากับเพื่อนตื่นเร็วไปพวกเราเหนื่อยนะ อยากจะหลับต่ออีกสัง่งอิบแต่กลัวว่าเจ้าจะหนีน่ะสิลูกจึงร้องขึ้นว่าเ้ยต่อให้ข้าจะงอกไปได้ก็ไม่คิดจะพิชนีไปไหนเสียบ่าพูดว่าเราจะปล่อยให้เจ้าหลอกไม่ได้จะต้องขอมัดเจ้าไว้ก่อนด้วยเชือกที่ห้อยเสีเอลมาเสียบาก็มัดเอลลูกไว้กับโคนต้นสนเสร็จแล้วก็ดึงเท้าทั้งสองข้างไปมัดไขว้เอาไว้หลังต้นไม้อีกทบหนึ่ง เสียเอ่ยขึ้นว่าพี่ตงออกไปใช้ป่าคอยจับตาคนเอาไว้ให้ดีหากไม่ีใครโผล่เข้ามากระแอมเป็นสัญญาณให้ข้าดได้รู้ได้ได้พี่เสียทำงานให้เสร็จไปๆไก็แล้วกันนะเอ้ยอย่าได้เป็นกังวลไปเลยดูต้นทางไว้ให้ดีก็แล้วกันเสียงเงือไม่พร่องขึ้นพลางพูดกับลูกว่าจะได้ตําหนิพวกเราเลยรีกู้คนรับใช้เจ้า หวานพวกเราให้จัดการกับเจ้าระหว่างทางยางไรเสียพอไปถึงเกาะซาหมอนเจ้าก็ต้องตายอยู่ดีนั่นแหละจัดการส่งเจ้าสีที่นี่ยอมดีกว่าพอไปถึงย ม, มโลกแล้วก็จะได้เอาพวกเราไปฟ้องละ่ะหนึ่งปีต่อจากนี้ไปจะเป็นวันครบรอบวันตายของเจ้าลูกก้มหัวรอรับความตายน้ำตาไหลดังสายฝนเสี้ยชูไม้พรองขึ้นสองแขนแล้วขวดลงใส่ลูกหมายจะให้เข้าทันดอกไม้ ตรงที่คอยเฝ้าดูทางอยู่ที่ชายป่าได้ยินเสียงดังตุ๊บจึงรีบกลับเข้ามาดูก็เห็นเจ้าสุ่ยยังถูกมัดอยู่ในท่าเก่าส่วนเสียนั้นเล่าลงไปนอนหงายหน้าอยู่แทบฝ่าเท้าลูกไม้พรองตกอยู่ข้างตัวต้องพึมพำว่าเออแปลกแฮะนี่มันตีแรงถึงขนาดตัวเองหกล้มไปเองเลยหรือฉันไหนฮะ ต่งรีบวิ่งเข้าไปพยุงเพื่อนร่วมงานขึ้นแต่ออกแรงดึงยังไงยังไงร่างก็ไม่ไหวติงแล้วต่งก็เห็นเลือสดสดๆไหลออกมาจากมุมปากเสียลูกธนูดอกหนึ่งเสียบเข้าทะลุยอดอกโผล่ปลายออกมาด้านหน้าราวสามสี่นิ้วก่อนที่ต่งจะทันได้โวยวายบุรุษหนึ่งที่นั่งอยู่บนขาคบไม้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้องขึ้นว่าเอานี่ไปเกเสียงหน้าไม้ลั่นดังผึ้งลูกธนูดอกนั้น ก็เสียบทะลุคองหอยตรงแต่ยินทั้งสองข้างควิดตัวก็ล้มตึงลงกระแทกพื้นโคลมใหญ่ชายผู้นั้นกระโดดลงมาจากคาคบดึงมีดออกจากฝักตัดเชือกพันกายลูกหักคือออกจากคอเอาสองมือกอดไว้แล้วร้องไห้ออกมาดังลั่น <c oughs> ท่านเจ้านายนึกว่าจะช่วยชีวิตเจ้านายไม่ทันซะแล้วลูกลืมตาขึ้นมาก็จำหน้าเย็ยนฉิงได้ลูกระล่ำละลักว่าข้าตายกล า, ายเป็นผีผีผีมาพบเจ้าที่นี่แล้วหรือไร เย้ ช, ชิงเอ่ยว่าข้าน้อยรออยู่นอกจวนและสะกดรอยตามท่านกับสองผู้คุมมาจนถึงที่นี่ขอรับไอ้พวกผู้คุมมันคิดจะฆ่าท่านที่ผาผืนนี้ข้าน้อยจึงใช้หน้าไม้ส่งลูกเกาท่านไปใหพวกมันทั้งสองกินน้าให้ท่านไม่เห็นหอกหรือไรดีใจเจ้านายปลอดภัยแล้ว ลูปพูดออกมาว่าเจ้าช่วยชีวิตข้าแต่ก็ข้าผู้คุมทั้งสองนี่ยิ่งจะทำให้ข้าโทษหนักขึ้นไปอีกแล้วทีนี้ข้าจะหนีไปไหนพห้นฮะนี่เป็นเพราะส่งเจียงเริ่มเรื่องทั้งหมดมาตั้งแต่ตน้นหากไม่ไปเหลียงซานเปาะแล้วจะ ห, หนีไปที่ไหนได้อีกแพ้จากการโบยยังเจ็บเท้าที่พองก็ยังปวดข้าเดินไปไม่ไหวดอกเยียนชิงจงว่า โอ้ยนายท่านหากชอบไปจะไม่เป็นการข้าจะแบกท่านขึ้นหลังไปเองเยียนชิงเคี่ยวสบผู้คุมทั้งสองออกไปข้างๆเน็บหน้าไม้เอาไว้กับผ้ารัสเอลเอามีดดาบเสียบเข้ากับฝักยิบไม้พลองทางการขึ้นมาถือแบกลูกขึ้นใส่หลังแล้วบ่ายหน้าไปทางตะวันออกพอเดินไปได้สักสิบลีก็หมดแรงเห็นโรงเตี้ยมหลังหนึ่งอยู่เบื้องหน้าก็พากันเข้าไปถามหาห้องทั้งสองหาซื้อนื้อกับเหล้ามายาไส แล้วพักอยู่ในโรงเตียมแห่งนั้นตอนนั้นคนผ่านทางก็เกิดไปพบศพผู้คุมทั้งสองนอนตายอยู่ในป่าเข้านะครับหัวหน้าบ้านใกลๆ้ๆรีบรายงานขึ้นไปถึงผู้ใหญ่บ้านที่ส่งผ่านข่าวนี้ขึ้นไปยังต้าหมิงต้าหมิงส่งในทหารผู้หนึ่งมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคือเสี้ยบากับตงเจ้า ยามประจำจวนผู้ว่านั่นเองพอผู้ว่าเหลียงได้รับรายงานก็สั่งการผู้กำกับตารวจต้าหมิงให้ออกไปจับตัวอาชญากรมาให้ได้ภายในกำหนดเมื่อไปดูที่เกิดเหตุทางตำรวจก็รายงานว่าแอ่งอนลูกธนูจากหน้าไม้ต้องเป็นของเยียนชิงพวกเราต้องเคลื่อนไหวกันให้เร็วคนตระเวนเกือบสองอก็แยกย้ายกระจายกันไปตรวจค้นทุกๆหมู่บ้าน และทุกๆโรงเตียมทั้งใกล้ทั้งไกลควานหาคนเดินทางติดประกาศหมายจับระบุรายละเอียดของผู้ต้องสงสัยทั้งสองเมื่อลูดจุนยี่เดินไม่ได้เขาจึงต้องนอนแมบพักรอแผลหายอยู่ในโรงเตียมแห่งนั้นเพราะเด็กรับใช้ได้ยินเรื่องราวฆาตกรรมที่ลือกันให้แสบก็จำรูปประพันธ์สันฐานของแขกกับรายละเอียดต่างๆในหมายจับได้จึงรีบบึ่งไปรายงานหัวหน้าหมู่บ้านของตน หัวหน้าท่านหัวหน้ า, า, นนาอุ้ยมีคนแปลกหน้ามันพักอยู่ในโรงเตี้ยงของเราสองคนไม่ทราบว่าจะเป็นพวกเดียวกับที่ในหมายจับหรือไม่ขอรับหัวหน้าหมู่บ้านรายงานเรื่องนี้ขึ้นไปตามสายในขณะนั้นเหยียนฉิงเอาหน้าไม้ออกไปส่องป่าล่าสัตว์ตามทุ่งใกลๆหมา ย, ายมใจจะหาอาหารทุกปากมากินพอขากลับก็เห็นคนทั้งหมู่บ้าน ตกอยู่ในความกลโลห์โนอละมานจึงรีบแอบเข้าข้างทางเฝ้าจับตาดูอยู่ก็เห็นพลตระเวนราว200ติดเหล่าห้อยดาบกันให้สะพรึบสะครั่งห้อมล้อมตัวลู่จุนยี่ที่บัด น, นี้ถูกมัดมือมัดเท้าจับยัดใส่กรงติดเกวียนแล้วพากันลากไปเย็ยนชิงนั้นใครจะออกไปแก้เอาตัวนายคืนแต่ทว่าตัวไม่มีเครื่องอาวุธชุดเกราะก็ได้แต่ครางอยู่ในใจ ถ้ากูไม่ไปขอความช่วยเหลือจากท่านทรงเจียงที่เหลียงซานเป่อกูก็คงจะกู้ชีวิตนายท่านเอาไว้ไม่ได้เป็นแม่นมันเย็ยนชิงคิดในใจแล้วก็พระออกมาชายหนุ่มรีบเดินไปในตอนกลางคืนพอตกถึงเที่ยงคืนท้องก็ร้องอะจ๊ อ, จอกอะจ๊ อ, จอกแต่ตัวไม่มีเงินพอไปถึงเนินเล็กๆแห่งหนึ่งรกครึ้มไปด้วยละเมะไม้ มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ต้นจึงเรียบมุดพุ่มไม้เข้าไปนอนหลับไปจนกระทั่งตอนกลางวันตื่นขึ้นด้วยความสลดหดหูมองขึ้นไปบนฟ้านกสาลิกาดวงตัวหนึ่งส่งเสียงเจื้อเจ้าอยู่บนคบไม้เหยียนคิดในใจว่าไม่ออกยิงได้เราก็อาจจะขอน้ำร้อนจากชาวบ้านมาต้มมันน่าจะบรรเทาอาการแสบไส้ของเราลงได้บ้า เย็นชิงค่อยๆโผล่ อ, ออกจากพุ่มไม้มองขึ้นไปบนคบไม้ใหญ่นกตัวนั้นก็ร้องขู่ด้วยน้ำเสียงไม่น่าฟังเย็นจิงค่อยๆปลดหน้าไม้ออกจากซองแล้วบนบานสารกล่าวอยู่ในใจว่าสาธุข้าน้อยเหลือลูกธนูอยู่เพียงดอกเดียวถ้าหากนายจะรอดก็ขอให้ยิงถูกแต่ถ้าหากนายชะตาถึงคา้ก็ให้สาริกาตัวนั้นบินหนีเข้าดงไปเสีย ว่าพลางก็วางลูกดอกเข้ากับรางแล้วตะโกนตามลูกเก่าทันดอกนั้นออกไปว่าลูกดอกจะหลอกกันพ่อเนี่ยวไก่สายธนูลั่นดังผึงลูกดอกลูกนั้นก็เสียบเข้าที่คนหางตัวนกบินหนีลงเนินลูกดอกเสียบคาอยู่ที่สะโพกเย็นฉิงไล่ตามออกไปแต่ทว่าเหยื่อตัวนั้นรับสายตาไปเส้นแล้วขณะกำลังค้นหาตามเนิน ก็มีบุรุษสองคนเดินมาตามทางคนนำหน้าพกผ้าฟันชายผ้าขึ้นไปดังจมูกหมูห่วงโลหะครอบท้องหลายอันแวกว้งไกวอยู่ปลายไถทอยเสื้อคลุมไหมอบร่ําทรงกลิ่นหอมพันเอวด้วยรัดประคบลายทองสวมรองเท้าฟางสนับแข่งอ่อนไล่ขึ้นมาถึงหัวเขา่าถือไม้พลองยาวระดับหัวคิ้วส่วนชายที่ตามหลังสวมหมวกสกปรตปีกกว้างสีขาวเสื้อคลุมสีชาปลายแขนทั้งสองข้างปักลวดลาย มัดไทยเอาไว้กับพุงใส่รองเท้าหนังบนหลังแบกห่อผ้าท่าทางจะหนักในมือถือกระบองสั้นดาบห้อยเอาไว้ที่ชายสะโพกทั้งสองเดินเฉียดเข้ามาทางเยียนฉิงใกล้ดังไหลจะเบียดไหลอัจฉริยะเทพมองตามสองชายที่ไกลหน้าไปแล้วคิดในใจว่าฮ้ยอันตัวโอ้ก็ไร้ซึ่งเงินทองค่าเดินทางหากล้มมันทั้งสองแล้วเอาไทยมันมา มันก็คงจะพาเราไปถึงบึงเหรียญสารได้ไม่ยากเนาะว่าแล้วก็ปัดหน้าไม้ไปข้างหลังออกเดินตามคนทั้งสองยังเดินก้มหน้าก้มตาเหยียนชิงตามทันชายคนหลังที่ใส่หมวกสกกลัดโดยไม่พูดพร่ำทําเพลงก็ต่อยเข้าใส่แผ่นหลังเต็มๆไอ้สัดาลให้ต่อยกูข้างหลังวะชายผู้นั้นลม้มลงแต่ก่อนที่เหยียนชิงจะทําอะไรชายที่เดินอยู่หน้าชายผู้นั้นก็หันกลับ หวดไม้พรองเข้าใส่หน้าแข้งขวาเหยียนชิงล้มลงทั้งยืนขณะเดียวกันชายที่เดินอยู่ข้างหลังลุกขึ้นได้ก็ใช้ตีนเหยียบข้อที่หน้าอกดึงดาบออกจากฝักเตรียมจะแทงเหยียนละล่ำละลักไปว่าท่านท่านท่านผูกกล้าถึงจะตายก็ไม่ได้คิดเสียดายชีวิตแต่แต่แต่ใครเล่าจะอยู่ส่งข่าวให้ได้ชายผู้นั้นลังเลใจ มือที่ถือถามอยู่ก็ลดลงแล้วก้มลงดึงเหยียนชิงขึ้นยืนแล้วถามขึ้นว่าแล้วไอ้คนโสโครกอย่างมึงจะส่งข่าวไปถึงใครฮะเย็นฉิงย้อนถามไปว่าเอาแล้วท่านถามทําไมหรือขอรับวอนซะแล้วไอ้นี่ใช่อีกผู้หนึ่งก็ก้าวเข้ามาควา้าข้อมือเย็นชิงให้กลางออกแขนเสื้อก็เลิกเบอร์ให้เห็นรอยสักอยู่เต็มท้องแขนเมื่อเห็นช่นนั้นก็เอ่ยปากถามขึ้นว่า ไมท่านผู้นี้คือเย็ยนชิงที่ใครๆให้สมญากันว่าอัจฉริยะเทพในบ้านท่านเจ้าสัวลู่ใช่หรือไม่เย็ยนชิงคิดในใจว่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราต้องตายแน่ๆอยู่แล้วอย่ากระนั้นเลยบอกความจริงแล้วยอมให้พวกเขาจับเอาตัวไปจะดีกว่าจะได้ไปโลกหน้าพร้อมๆกับนายท่านแล้วก็ตอบไปดังๆว่าเป็นข้อเองนั่นแหละบุรุษทั้งสองหัวเราะ ดีเหลือใจที่ไม่ฆ่าก่อนถ้าเช่นนั้นท่านก็คือน้องเยียนแล้วรู้หรือไม่ว่าพวกเราเป็นใครน่ะฮะข้าคือไอ้เพื่อหยางซ่วงส่วนท่านผู้นี้ก็คือผู้ไม่เคยตายชื่อซิวน้องร่วมสาบานของข้าเองแม่ดีใจว่ะแม่ทักข่านะกลับไปมองหน้าพี่ทรงเจียงไม่ได้เลยก็แล้วกัน พวกเรารับคาบัญชามาจากพี่ทรงเจียงให้เข้าไปสืบข่าวท่านจุดสัวลู่ที่เมืองหลวงมณทนอุดรยางซ่วงเอ่ยขึ้นท่านที่ปรึกษาทัพของเรากับท่านไต้จงก็ลงจากเขามารอฟังข่าวเย็ยนฉิงรีบเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังทุกถ้อยกระทงความยางซ่วงจึงพูดขึ้นว่าแม่ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะพาท่านไปพบท่านพี่ทรงเจียงที่ค่ายแล้วค่อยตัดสินใจกันว่า ต่อไปจะทำอย่างไรกันดีตอนนี้ท่านชื่อซิ่วล่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์ที่เมืองหลวงมณฑลอุดรก่อนจะได้แรงงานทูกชื่อซิ่ลรับคำแล้วพูดว่าได้ขอรับท่านพี่แล้วแบกเอาแป้งติ้งกับเนื้อสเสบียงออกมาเลี้ยงดูเยยนฉิงทั้งมอบห่อผ้าเอาไว้ให้แบกอัจเรียเทพแบกห่อของตามหลังอย่างซ่วงไปทั้งสองเดินกลับไปค่ายบนเขาตลอดคืน ในที่สุดเยียนชิงก็ได้มาเล่าความโดยละเอียดให้ส่งเจียงฟังส่งเจียงตกใจใหญ่เร่งเรียกหาบรรดาหัวหน้ามาหารือกันตอนนี้นะครับก็ขอเล่าเรื่องชื่อซิ่วแบกบเฉพาะห่อเสื้อผ้าของตัวมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปทางเมืองหลวงบนทนอุดอนไม่ช้าก็ไปถึงชานเมือง ยามนั้นมืดค่ำไม่อาจาเข้าเมืองได้จึงค้างแรมอยู่ด้านนอกหลังจากกินข้าวเช้าแล้วก็เข้าไปในตัวเมืองก็เห็นว่าประชาชนทั้งหลายล้วนมีสีหน้าสลรถหดหู่ด้วยรู้สึกพิษวงจึงรีบตรงเข้าไปกลางเมืองประตูบ้านทุกหลังพากันปิดสนิทจึงถามชายชราผู้หนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นชายชร า, าตอบว่าแม่ท่านาคันทุกข์ท่านไม่ทราบเรื่องเลยหรือไร ที่เมืองหลวงแห่งนี้เราไม่เจ้าสวนรูท่านเป็นคนรด่ดรวยที่สุดในเมืองอยู่มาถูกโจนเหลียงสารเปาะชิ้นตัวเอาไปเพราะอยู่ไปสักพักหนึ่งจึงหนีกลับลงมาได้แต่พอมาถึงบ้านก็ถูกใส่ความตั้งข้อหาแล้วเดินเทศไปยังเกาะสามเหมือนนูนไกลเชียวแต่ไม่รู้ว่าตามทางที่ไปเกิดอะไรขึ้นจริงแต่ผู้คุมสคนถูกฆ่า เมื่อวันก่อนท่านลูกถูกจับได้อีกแล้วมาถึงวันนี้เวลายกสามหลังเชียงวันท่านจะถูกประหารที่กลางเมืองท่านจะไปดูก็ได้นะฮะสำหรับตัวชื่อซิลการได้ฟังข่าวดังกล่าวเสมือนถูกสาดด้วยน้ำเย็นชื่อซิลเดินลากเท้าเข้าไปจนถึงกลางตัวเมืองที่กลางสี่แยกนั้นมีโรงเตียมหลังหนึ่งปลูกเป็นตึกสองชั้น จึงเดินขึ้นไปบนเหล่าเต็งเลือกอาห้องเล็กๆมองลงไปเห็นถนนเด็กรับใช้ขึ้นมาถามว่าอ้อท่านขอรับมานั่งดื่มเหล้าคนเดียวหรือว่าจะมีแขกคนอื่นมาเพิ่มนะครับจะได้จัดโต๊ะถูกชื่อซิวถลึงตาแล้วแต่ข้อออกไปว่าเอยเอาเหล้าเยอะหนึ่งกับเนื้อมันชันใหญ่ๆเรียบทย้อยมาอย่าได้ถามอะไรให้มากความเฮ้ยดีวด เฮ้ยกินหมัดรุนรุนทั้งเลยอะไรวะมาถึงก็จะลงไม้ลงมือกันเลยว่าเฮ้ยนี่มันคนที่ไหนกันวะเนี่ยเอากูก็คนทุกที่แหละปาทโฮนันต อ, อบคนจีนอีกเด็กรับใช้ผู้นั้นตกใจถเถเหล้าสองตวงใส่เยือกและเนื้อใส่จานใบใหญ่ชื่อซิลก็ดื่มกินไปเรื่อยๆไม่นานนักก็ได้ยินเสียงแอะเป็นที่ชุลมุนดังขมขึ้นมาจากถนนเบื้องล่าง มองออกไปจากหน้าต่างบรรดาห้างร้านบ้านเรือนในละแวกนั้นพากันหับประตูหน้าต่างปิดร้านกันไปสิน้นแด่กรใช้ผู้นั้นกลับขึ้นมาบานเหล่าเตงอีกครั้งหนึ่งแล้วถามขึ้นว่าเฮ้ยท่านคงจะดื่มเมาไปเสร็จแล้วกะะมังข้างล่างนั้นตำรวจกําลังจะประหารชีวิตนักโทษรีบใจเงินแล้วไปหาที่อื่นดอกซิก่อนเถิดชื่อซิวจึงว่าเฮ้ยข้ามายีระกับเรื่องพันนั้นดอกเอ็นะ รีบเหนียวไปจากที่นี่ไวๆดีกว่าก่อนที่ข้าจะ ช, ชิมรสหมัดนี่อา้าวเร็วเร็วเร็วเร็วเววมือนเตือนดีๆนะเนี่ยปาทโทัดันมโหโธโศซะอีกคุณอะไรวะเอาใจยากชะมัดบนอีกบนอีกเดเดี๋ยวเดตกกระไดไม่รู้ตัวเดี๋ยน้ามือไปแล้วไปแล้วเด็กลับใช้ไม่กล้าต่อปากต่อคคำร่อนทลาลงบันไดไป บนท้องถนนของก็รัวกล้องกลองก็ประคมเสียงดังสนัน่นชื่อซิ่วจับตาดูอยู่ที่หน้าต่างฝูงชนแห่กันมามุงดูเต็มทุกฟากของลานประหารทหารราวสิบกว่าคู่ทั้งถือดาบถือไม้พลองทั้งดึงทั้งดันลูกเข้าสู่ลานประหารและกดเขาให้คุกลงบนพื้นเบื้องหน้าตึกของโรงเตียมหลังนั้นแขนเหล็กใชฟูแบกดาบสันหนา ใบมีกว้างที่ใช้เป็นดาบพิชคัดบานเดี่ยวใช่ฉิงก็จับคื่อลูกเอาไว้มัน่นใช่ฟูเอ่ยพอให้ได้ยินว่าท่านเจ้าสัวลูกท่านก็เห็นมาด้วยตาตัวเองแล้วไม่ใช่หรือว่าเราสองพี่น้องใช่ว่าจะไม่ช่วยะแต่ด้วยสถานการณ์มันบีบให้ต้องเป็นเช่นนี้พวกเราไม่บนขอที่ทางเอาไว้ให้ท่านที่ศาลเจ้าห้าเซียนข้างหน้านี้แล้วขอดวงวิญญาณของท่านจงได้ไปอ้างเอาเองเถิด ชับพลันเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากฝูงชนถึงยกสามยามเที่ยงแล้วใช่ฉิงทอดคือออกจับหัวเจ้าสัวไว้ใช่ฟูก็เงื้อดับขึ้นสมิียนผู้หนึ่งเอาคำพิพากษาเป็นใบบอกออกมาอ่านฝูงชนที่พากันมามุงต่างจับตาอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจท่ามกลางเสียงอ่านของเสมียนผู้นั้น ชื่อเสี่ยวชักดาบออกมาถือไว้ในมือก้าวขึ้นไปยืนบนกรอบหน้าต่างโรงเตี้ยมบนเหล่าเต็งตะโกนสวนออกมาให้ได้ยินกันทั่วๆ ว, ว่าโอ้พวกกล้าแห่งเขาเลี้ยงซันมาง ก, การกันอยู่ที่นี่แล้วใช่ฟูกับใช่ชิงรีบผักลูกไปข้างๆกระตุกเชือกที่ลามเจ้าจสัวให้หลุดแล้วผักหนีไป ชื่อซิ่วกระโดดลงมาจากหน้าต่างเบี่ยงดาบเข้าใส่เห็นค่าผู้คนดังหันหัวกระลำสับลูกฟักล้มคนที่ไม่ทันหนีเหล่านั้นลงไปไม่ต่ำกว่าสิบสองคนจับข้อมือลู่แล้วผลักลงไปทางทิศใต้แต่เนื่องจากชื่อซิ่วไม่รู้จักถนนหนทางในเมืองหลวงมณฑลอุดรสวดลูกก็ให้ไปส่งงงงวยตุปัดตุเปตามไปด้วยอย่างล้มลุกคุกคลานผู้ว่าการเลี้ยงไม่ได้ฟังรายงานก็ให้ตกตะลึงพึงเพิด เรียบเรียกผู้บัญชาการทหารชั้นสูงสั่งให้พวกเขาเอาทหารไปจุกตามประตูกำแพงเมืองทั้งสี่ทิศแล้วส่งพลตระเวนทั้งสิ้นออกไปไล่ล่านักโทษที่หลบหนีก็เมื่อถูกไล่ล่าด้วยม้าเร็วและกองทหารที่กล้าแข็งชื่อซิลกับเจ้าสัวลูกจะปีนเชิงเทินจะเขินไปบนกำแพงเมืองได้ละหรือแต่ถึงได้แล้วจะให้ไปไหนกัน ก็จริงดังว่าคนสองไร้กรงเว็บจะขุดดินปีกก็ไม่มีจะบยบินไปบนฟ้างามคลามใสแล้วจะส่วนลูกกับชื่อซิ่วจะหนีพ้นหรือฟังบทถัดไปห้าใครจะรู้ เสนหนึ่งถึงตอนที่63สมีชื่อตอนว่าสรงเจียงตะลุยเมืองหลวงมนทนอุดอรกวนเชงระดมพลยึดเขาเหลียงสานส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รับทุกทท่านรับฟังได้นะบัดนี้ โดดลงมาจากหน้าต่างเวียงดาบเข้าใส่เข็นฆ่าผู้คนดั่งหันหัวกระลำสับลูกฟักล้มคนที่ไม่ทันหนีเหล่านั้นลงไปไม่ต่ำกว่าสิบสองคนจับข้อมือลู่แล้วผลักลงไปทางทิศใต้แต่เนื่องจากชื่อซิลไม่รู้จักถนนหนทางในเมืองหลวงมณฑลอุดรส่วนลูกก็ให้พิศวงงงงวยตุกัดตุกเป๋ตามไปด้วยอย่างล้มลุกคุกคลานผู้ว่าการเหลียงไม่ได้ฟังรายงานก็ให้ตกตะลึงพึงเพลิด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 แต่ก็ไม่อาจต้านทานจำนวนคนที่ล้นหลามออกมาอย่างนั้นได้ในที่สุดคนทั้งสองก็ถูกพลตระเวนล้อมจับเอาไว้ด้วยตอขอไม้และบ่วงบาดแล้วพาไปหาผู้ว่าเลียงแล้วรายงานว่ารางอนนี่คือไอ้ผู้ที่กำเริบบุกหลานทหารขอรับท่านเจ้านายชื่อซิ่วถูกลากตัวไปขึ้นศาลผู้ไม่เคยตายยืนผ ง, งาดจ้องหน้าผู้ว่าเลี้ยงพร้อมทั้งร้องด่าขึ้นว่า อมึงมันไอ้คนคัดร้างผรานแผ่นดินโกงกินกดขี่พนิ้งฟ้าประชาชีมึงมันไอ้ธาตสุดแสนจะอภริไอ้โคดธาตของไอ้ทาตอีกต่อหนึ่งอะไรวะโคดธาตของไอ้ทาตอีกต่อหนึ่งเว้ยไอ้นี่เว้ยเจ้าสมบัตสจำนวนซะด้วยไหนไม่ช่ำกองทัพพิทรงเจียงจะญาติรามาเหยียบเมืองมึงให้ราบสับมึงออกเป็นสามท่อนโอหนี่แหละถูกส่งล่วงหน้ามาเตือนคนอย่างมึงยไอ้บัด อะไบัตรวะมันมีบัตรอะไรวะไ อ, บ อ, บอ้บัตรซบอ๋อบัตรซบนี่เองเมื่อได้ฟังชื่อซิ่วมาดากราดผู้อาเหลียงถึงในสาราวาการบรรดาฝูงชนก็ขนลุกสู้ส ม, มุหะเทสาพิบาลมนทนได้แต่นิ่งเงันจิตใจตกอยู่ในพวังให้ประวันไปเสียนานหลายอึดใจในที่สุดก็ออกคําสั่งให้เอาคือมาใส่คอนักโทษทั้งสองแล้วยัดใส่ไว้ในคุกสั่งใช้ฟูให้ดูแลเอาไว้ให้ดีอย่าได้ประมาทเลินเล่อ ฝ่ายใช่ฟูนั้นก็อยากจะญาติดีกับผู้กล้าแห่งเขาเลียงซานอยู่ก่อนแล้วจึงเอาคนทั้งสองมาขังรวมกันไว้ในห้องเดียวกันทุกเช้าค่ำคอยบริการด้วยอาหารแหละเหล้ายาปลาเป้งอยู่ไม่ได้ขาดผลก็คือพวกเขาไม่มีอะไรต้องยากลำบากแท้ที่จริงแล้วก็ถึงขั้นอยู่ดีมีสุขเสียด้วยซ้ำไปพวกว่าเลียงเรียกหาหวางข้าหลวงคนใหม่เข้ามาสอบถามถึงรายชื่อผู้ตายและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชนมุนนั้น ปรากฏว่ามีคนตายไป70 80คนบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนนับไม่ถ้วนทั้งแข้งราขาหักหัวร่างข้างแตกทะลอกปอกเปิกและฟกช้ําดําเขียวผู้ว่าเหรียญสั่งเบิกเงินหลวงออกมาเป็นค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บและจัดการฝังศพคนตายวันรุ่งขึ้นข่าวก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเป็นข่าวจากใบบอกของฝ่ายเขาเลี้ยงซานที่ลักลอบเอามาติดให้ประชาชนได้อ่านกันตาม4ี่แยกเป็นหลายสิบจุดไม่มีประชาชนคนใดกล้าปกปิด จึงรายงานเรื่องนี้ขึ้นไปยังทางการผู้ว่าเหลียงได้อ่านฉบับหนึ่งถึงขั้นขวัญเตลิดหายไปสู่สวรรค์ชั้นเก้าด้วยความกลัวความว่าทรงเจียงผู้กล้าแห่งเบืองเหลียงซานผู้ยึดมั่นในคุณธรรมความดีขอแจ้งต่อทําคนครต้าหมิงและบรรดาประชาชนให้ทราบว่าด้วยลี่จุนที้รัศดรแห่งนครต้าหมิงเป็นคนดีมีศีลสัตว์เมื่อเร็วๆมานี้ เราได้มีโอกาสเรียนเชิญท่านขึ้นไปบนป้อมค่ายเพื่อจะได้จันหลงบัญชาสวรรค์ร่วมกันและทรงชื่อซิ่วมาเพื่อบอกกล่าวเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าว่าให้ฉนวนนะักพี่พวกเจ้าบังอาจจับคนทั้งสองหากพวกเจ้าไม่ทำร้ายและส่งตัวพวกเขาพร้อมไอ้ชายชูกับอินางเมียแพทย์สยามคืนมาให้พวกเราก็จะไม่เข้ามาก้าวไกายอย่างไร้เสียหากพวกเจ้าขืนทำร้ายพวกเขาที่เปรียบปรนหุดปีกประหนึ่งแขนขา พวกเราจะยกกำลังทั้งหมดลงมาล้างแขนและจะัเขาทุกสิ่งให้วอดวายจะทำลายทุกอย่างให้สิ้นซากไม่ว่าดีหรือร้ายพระดินจะหนุนนำพีป่าจะข้ำคูนพวกเราจะกวาดล้างไอ้พวกขี้ชอ่อทำลายไอ้พวกดื้อรั้นให้หมดสิ้กนการจะทะลวงเมืองของพวกเจ้าเข้ามานั้นง่ายนะสักแต่ความโกรธเกรี้ยดความเครียดแค้นชิงชังของพวกเราจะมันเทาลงได้ยังไ ง, ไ ง, ไงไกระนั้นหรือดังนั้นบรรดาคู่ผัวตัวเมียที่ซื่อสัตย์ บรรดาลูกเต้าเหล่ากอผู้กตันอยู่กรต่เวทีปวงไพ่ฟ้าผู้มีสิทธรรมและบรรดาข้าราชการต้งฉินทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องตกอกตกใจขอให้พวกท่านดำเนินกิจการงานของตนไปด้วยสงบจึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันส่งเจียงฝนทั่วฟ้าแห่งเขาเหลียงซานรา้ ว, ว่าเหลียงหลนลานเรียกข้าหลวงหวางเข้ามาพบอีกคำรบหนึ่งแล้วถามว่า เฮ้เราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีวะเนี่ยฮะข้าหลวงหวางเป็นคนขี้คลาดจึงพูดในทํานองที่ว่าราชสำนักส่งทหารไปปราบชมจนบนเขาเหลียงซานมาก็หลายครั้งแต่ไม่คอยเลยที่จะสำาทธิจผลและจะให้หัวเมืองเล็กๆอย่างเราทำอะไรได้หากไอ้ไพร่ฉันต่ำพวกนี้ยกกำลังมาจอมตีโดยที่กำลังทหารจากราชสำนักจังยกนาไม่ถึงพวกเราก็จะพากันตายหมด ข้ามีข้อเสนอเรื่องหนึ่งขอรับจงไว้ชีวิตของไอ้นักโทษสองคนนั้นแต่พร้อมกันนั้นก็ให้มีหนังสือไปอ้อนวอนราชสำนักและกราบเรียนท่านสมุหานายกชัยขณะเดียวกันก็จัดส่งกองทัพของเมืองเราออกไปตั้งยันไอ้พวกสันดาลนั้นนอกเมืองทั้งนี้ก็เพื่อจะได้พิทักษ์ตัวเมืองและคุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชนหากเรารีบประหารพวกมันทั้งสองคนก็เท่ากับเร่งให้มันตีก่อนจะทันได้ทับหนุน ราชสันนักจะตำหนิไพรฟ้าก็จะพากันรั้ำรัสายหากเป็นเช่นนั้นสถานการณ์ก็คงจะเละเทะซึ่งดีแล้วขอรับผู้ว่าเหลียงให้ดีใจนะักเอ่ยขึ้นว่าไม่ข้อเสนอของท่านนั้นลึกซึ่งยิ่งนักพรางเรียกไชฟูมากำชับแล้วเอ่ยว่าไชฟูมันทั้งสองเป็นผู้ต้องหาธรมาธรมดาธรรมดาหากท่านแข็งไปพวกมันอาจจะตายซสก่อน แต่หากอ่อนไปพวกมันก็อาจจะพากนหนีข้าต้องการให้ท่านกับน้องชายคอยจับตาพวกมันเอาไว้ให้ดีทั้งกลางวันกลางคืนจงยืดหยุ่นในความแค่มวดแต่อย่าได้ย่อหย่อนแม้เพียงน้อยนิดเข้าใจไหมใช่ฟูน้อมรับบัญชาด้วยความยินดีความที่มันตรงกับแผนที่คิดอยู่ในหัวใจพอล่ำลาจากผู้ว่าก็รีบไปบอกข่าวแก่นักโทษทั้งสองแต่เรื่องนั้นเราจะไม่พูดอีกนะครับ ทำไมไม่พูดให้หมดเปลือกล่ะครับท่นพวดแม <c oughs> ้และแล้วผู้ว่าเหลียงก็เรียกสองขุนพลเข้ามาหารือในจวนที่พักหนึ่งคือขุนพลหุนต้าสมญาดาบใหญ่ อีกหนึ่งคือคุณพ ล, ลี่เฉ่งสมยาเจ้าเวหาเล่าเรื่องใบประกาศโจนเหลียงซานปอกและข้อเสนอของข้าหลวงหวังให้ฟังคุณพ ล, ลี่เฉ่งนั้นให้นึกดูแคลนแล้วพูดขึ้นว่าไห <c oughs> นที่สุดไอโจนกระจอกพันนั้นก็มีวันทิ้งที่ซ่อนโผล่หน้าออกมาให้เห็นใต้เท้าขอรับจงอย่าได้ปลาหลไปเลย <c oughs> ใช่ว่าตัวข้าน้อยนี้จะสามารถนักดอก แถมตัวก็ยังอาศัยเกาะกินน้ำเลี้ยงสเบียงกรังของทางการบรรนานับปีแต่ยังไม่มีโอกาสทดแทนคุณให้เหมาะสมบัดนี้เวลาก็มาถึงแล้วข้าน้อยจะทำการอย่างเต็มสติกำลังขอเป็นผู้นำทหารออกไปปักหลักนอกเมืองหากไอ้พวกโจรไม่กล้ามาเราค่อยปรึกษาหารือกันต่อถึงพวกมันจะกล้าแข็งแต่วันเวลาของมันงวดเข้ามาเต็มทนแลวขอรับใช่ว่าข้าอยากจะอวดโ อ, ดโอแต่ลองให้มันโผล่มา ข้ารับประกันว่าจะไม่ยอมให้พวกมันรอดกลับไปแม้แต่คนเดียวขอรับเฮ้ยฮ้ยทำไมแม่ทับคนนี้รนกระเฮียนก็หือรือจริงๆเลยห ะ, ะนี่ฮะสงสัยอยากจะตายว่ะนั่นน่ะสิข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเอ้ยใครๆก็รู้จักเตี้ยติศของชุมชนเขาเลี้ยงสานเป็นอย่างดีปา ท, ท้อไอ้นี่ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนวะเนี่ยผู้ว่าเลี้ยงให้ยินดีนะัก จึงกำนันขุนพลทั้งสองด้วยทองคำและผ้าไหมทั้งสองกล่าวขอบพระคุณกล่าวอำลาแล้วกลับไปยังหน่วยทหารของแต่ละคนพอรุ่งเช้าขุนพลหลี่เชงก็เรียกแม่ทัพในกองของตนเข้ามาหารือที่กระโจมใหญ่ ในหมู่คนเหล่านั้นโศเจ้าผู้ธนงองอ์อาจก็สืบทับออกมาข้างหน้าคนผู้นี้มีสมมอยาว่าผู้พันทะลวงหน้าแห่งกรมทหารม้าพิทักษ้าหมิงใช้ขวานทองสองมือเป็นอาวุธคุณพลลี่เชงก็เอ่ยขึ้นว่าในไม่ช้อแล้วไอ้ขบวช่องเจียงจะมาโจมตีเมืองหลวงบนทนอุดรของเราจงรวบรวมสภพกำลังเคลื่อนทับออกไปตั้งค่ายดักหน้าเอาไว ห่างจากนี่สักสาิบห้าลี้ข้าจะเอาทหารตามไปสัมทบอีกรุ่งเช้าผู้พิทักษ์สเจ้าก็ปฏิบัติตามคำบัญชาเคลื่อนทัพไปหยุดลงณนะที่โล่งติดเชิงเขาแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าุบเขาเสือเหินแล้วลงหลักปักค่ายคูวันถัดมาขุนพลลี่เฉ่งก็ตามออกจากเมืองวาดล้อมด้วยบรรดาในทหารระดับรอ ง, รอง รวมทั้งปีกซ้ายปีกขวาและหยุดพักตั้งค่ายนะักเนินต้นหวยห่างจากตัวเมืองออกไปราวยีหลี้ทั้งสองค่ายสะพรั่งไปทั้งหอกทั้งดาบกิ่งไม้เสี่ยมปลายแหลมดังเขาวกว่างปักเอาไว้เป็นขวากโดยรอบค่ายถัดออกไปก็ขุดดินเป็นคูลึกทั้งสามด้านบรรดาไพรพลถูมือรอท่าอ า, าสาศึกครุ่นคึกนึกถึงชื่อเสียงหมายจะเอาชัยมาถวายองค์พระจักรพรรด ตอนนี้เราจะขอแบ่งเรื่องออกไป2สองตอนนะครับใบประกาศเหล่านั้นวูยงเป็นผู้เขียนขึ้นตามข่าวที่ได้รับจากเย็นชิงและหยางซ่วงและของใต้จงที่มาแจ้งเรื่องชื่อซิ่วกับหลู่จุนยี่ถูกจับและมอบให้พ่วงโดยการใหญ่ใต้รอบนำไปติดเอาไว้ตามสะพานและข้างถนนยามที่ไม่มีผู้คนเสร็จแล้วใต้กลับที่มั่นรายงานเรื่องดังกล่าวให้บรรดานายโจรฟังโดยละเอียด ส่งเจียงได้ฟังก็ตกใจใหญ่สั่งให้ย่ำกลองเรียกประชุมบรรดาหัวหน้าทั้งปวงที่หอธรรมาพักดีพอทุกคนมาพร้อมก็นั่งลงตามลำดับที่ส่งเจียงก็หันไปกล่าวกับบูหยงว่าเออในตอนที่ท่านอาจารย์ลงไปเชิญตัวเจ้าสัวลูกขึ้นเขามานั้นท่านก็มีความปรารถนาที่จะให้ดีอยู่ดอกแต่ต่อมาก็ด้วยผลเพราะการนั้นท่านเจ้าสัวกับชื่อซิ่วต้องมาตกรกรรมลาบากพวกเรา จะช่วยชีวิตพวกเขาได้อย่างไรกันผู้หยงจึงเอ่ยขึ้นว่ายอย่ากังวลไปเลยขอรับใช่ว่าข้าจะสามารถแต่ว่าข้ามีแผนแล้วเราจะใช้โอกาสนี้เรื่องข้าวของเงินทองจากมณฑลอุดรมาใช้ในค่ายเราเสียเลยพรุ่งนี้เลิกดีนะจงแบ่งเหล่าหัวหน้าออกเป็นสองส่วนวางครึ่งหนึ่งเอาไว้คุ้มกันค่ายส่วนอีกครึ่งหนึ่งมอบให้ข้านำพาออกไปตีเมือง ส่งเจียงก็ประชาให้คุณธรรมชุดเล็กไปสวนระดมกำลังออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นท่านใดนั้นลี่ขุยก็เอ่ยขึ้นว่า <S <S เฮ้ยไอ้ขวานสึกของข้าคู่นี้ว่างอยู่เปล่าๆเรียบๆมานานหลายเพลาเต็มทีแล้วดีใจนะักที่รู้ว่าจะได้ออกล้นกันอีกขนขอเอาคนไปสักห้าร้อยาจะยึดเมืองหลวงมณฑลยูดอนให้ดูจะสั่ไอ้ผู้ว่าเหลี่ยงให้เป็นบาทช่อ ลิขแขนขายลีโกูกับอ้นางโชติให้สิ้นช่วยชีวิตท่านเจ้าสัวกับชื่อซิวไอ้เนนไปจะได้โอกาสล้างอายสักทีข้าจะทําเรื่องทั้งหลายที่ว่ามานี้ให้หมดจดส่งเจียงเอ๋ยขึ้นว่าน้องพี่แม้ว่าเจ้าจะกล้าหานแต่เมืองหลวงมณฑลอุดรย้าไม่เหมือนจังหวัดธรรมดาธรรมดายิ่งกว่านั้นนะ่ะนะผู้ว่าเลี้ยงก็เป็นถึงบุตรเขยสมุหานายกใช่อีกขุนพลลี่เชง กับขุนพลเหมือนต้าก็แข่งกล้าหาได้เพรียบจะดูเอาพวกเขาหาได้ไหมลีขุยวยวายขึ้นด้วยขัดเคืองว่าอุย้ยก่อนนั้นพี่ก็รู้ว่าข้าปากไวแต่ก็ยังให้ข้าปรอมเป็นไาปยไปเมืองต้าหมิงเฮ้ยพอมาตอนนี้นะพี่ก็รู้ดีว่าข้าชอบข้าคนนะ แต่ไม่ยักยอมมอบหมาให้เป็นกองหน้าคิดจะบีบคั้นค่าไปจนร้นตายหรืออย่างไรเฮ้ยเอาอยัางไงกับมนเนี่ยอดท้อวูหยงจึงกล่าวขึ้นว่าเฮ้ยในเมื่อท่านยืนกรานเช่นนั้นก็ได้พรุ่งนี้จงเอาคนกล้าแข็งไปสักห้าร้อยคนเคลื่อนไปยึดส่วนหน้าเอาไว้ เย็นวันนั้นส่งเทียนกับบุหยงออกกำหนดการคัดคนจะไปรบไปสวนก็ออกหมายแล้วส่งออกไปตามค่ายต่างๆบนเขาระบุลงไปเป็นรายละเอียดให้กองนั้นกองนี้เคลื่อนที่อย่างไรอย่างไรรับผิดชอบในหน้าที่ที่ไหนที่ไหนบ้างในยามนั้นถึงเวลาสิ้นสุดฤดูใบไม้ร่วง ย่างเข้าสู่ฤ ด, ดูหนาวอันเป็นเวลาที่ไพร่ผลเหมาะนักที่จะผูกเกราะหนะักหมู่ม้าอาชาในก็อ้วนทวน พ, วพ่วงพีสีขนมันปลาบนานนักหนานแล้วที่คนเหล่านี้ไม่ได้สัมผัสการสู้รบจึงกระเฮี้ยนกระหือรือจะรื้อรบเป็นยิ่งนักความเครียดแค้นในจิตใจนั้นยิ่งใหญ่พร้อมจะลอดแล่นเข้าห้าหันพอได้รับคาบัญชาก็ดีใจรีบรวบรวมสัตว์พาวุฒิผูกอานม้าใสขุมปาก ขึ้นสายบังเหียนถูมืออยู่ไปมาเฝ้านับโมงยามที่จะมาถึงกองหน้าหน่วยแรกประกอบด้วยทหารห้าร้อยคนภายใต้กำกับของสลาตันดำลี่ขุยหน่วยที่สองนำโดยงูสองหัวเสียเจิน้นแมงป่องสองหางเสียเป้าดาวผมนางของหมิงและดาวจรัดแสงของเหลียงพร้อมด้วยทหารอีกพันคนหน่วยที่สามประกอบด้วยคนหนึ่งพันคนนาโดยนางกระบี่เหล็กจิเสียกับสองสตรีผู้ช่วยคือ นางไม่มดสุนกับแม่นางเสือกู้หน่วยที่สนํนำโดยอินซีทยานฟ้าลี่หญิงกํากับไปในกองทัพโดยก้าวมังกรซื่อจินกับขุนพลน้อยซุนชินพร้อมไพร่พลอีกหนึ่งพันคนซ่งเจี้ยงเป็นแม่ทัพใหญ่และวูหยงเป็นที่ปรึกษาทางทหารสี่พลัดทัพประกอบด้วยลูกฟางเจ้าฟ้าน้อยโกเชงหลินกุ้ยที่สองสุนลี่ขุนพลขี่โรคและหวงสินผู้เหยียบสามดอยเดือง ส่วนชิ้นหมิงเจ้าสนีบาทเป็นแม่ทัพหน้าพวกเป็นปหลัดทัพประกอบด้วยหั่นเถาขุนพลพิชิตศึกและเป่งฉีขุนพลตาสวรรค์ฝ่ายหัวเสือดำหลินชงบัญชาการทัพหลังสองผู้ช่วยประกอบด้วยมาหลินครีเทพพ ย, ยดาและเต็งเฟยสิงโตตาไฟ ปีกซ้ายบัญชาการโดยกระบองสองมือหูเวียนโจประกอบช่วยด้วยโอเปงปีกทองไหวเมฆ ก, กับเย็นซุนเสือพยองปีกขวาบัญชาการโดยหัวหลงขุนพลแขนเหล็กรองลงมาคือเฉินต้าเสือข้ามห้วยกับหยางซุนงูด่างขาวตายแล้วสุภาพบุรุษหน้าหล่อเจิงเทียนโชเฝ้าอยู่บนเขาอีกแล้วนะครับพี่น้องครับปาดโพในกองทัพอาสาศาสึกนี้ ยังมีอัศนีบาดฟาดสวรรค์หลิงเจิ้นเป็นผู้บัญชา ก, การกองเกียร์กายคุมสเสบียงอาหารทั้งคนทั้งมา้าและใต้จงเทพท่อมทางผู้บัญชา ก, การกองยุทธการฝ่ายข่าวพอถึงเช้าหน่วยทหารแต่ละหน่วยภายใต้การบัญชา ก, การของขุนศึกแต่ละคนก็ทยอยเคลื่อนพลตามลําดับมีเพียงรองที่ปรึกษาทัพกองซุนเฉีงเท่านั้นที่อยู่เฝ้าค่ายรักษาด่านสามด่านพร้อมเหล่าทวยหานที่เหลือเต่าสือมีผู้ช่วยประกอบด้วย ลิวถังจู่ถงและมู่หงส่วนค่ายชายน้ำนั้นรักษาการโดยลี่จุนกับคนอื่นๆเรื่องนั้นเราจะไม่กล่าวให้มากความอีกนะครับตอนนี้ขอกลับมาพูดถึงผู้พันโสเจ้าที่ตั้งอยู่ที่ค่ายหกเสือเหินบ้างนะครับ ม้าเร็วตัวหนึ่งควบทะยานปานดาวตกรีบห่อเข้ามารายงานว่าไอ้โอนกองทัพจงเจียงไม่รู้ว่ากี่พันคนนับกันไม่ไหวกาลังใกล้เข้ามาอยู่ห่างออกไม่เพียงยี่สิบสมสิบลี้สู่เจ้ารีบส่งข่าวต่อไปยังขุนพลลี่เชงที่ตั้งทัพรอรับอยู่ที่เนินต้นหวยขุนพลรีบส่งข่าวเข้าไปยังต้าหมิงขณะเดียวกันก็ขึ้นมา้าควบตรงไปยังส่วนหน้าสุดยังหุบเสือเหนิน โซ่จ้าออกมาต้อนรับเล่ารายละเอียดที่ได้รับรายงานมาพอสางของวันรุ่งขึ้นฝ่ายตั้งรับก็กินมื้อเช้าพอสว่างก็รื้อ่ายแล้วย้ายทัพเคลื่อนไปสู่หมู่บ้านตระกูลยู่เนื่อวางกำลังผลกระจายออกไปตามตำราศึกทั้งคนทั้งม้าหนึ่งห้าพันคนลี่เชงกับโซ่จ้าผู้เกราะเต็มยศยืนหม้าอยู่ใต้เงาธงไกลออกไปเบื้องตะวันออก ก็เห็นหมู่คนห้0อยคนโนดถลาฝ่าฝุ่นทุลีรี่เข้าใส่คล้ายดังก้อนเม็พวกหมานำหน้ามาคือสลาตันดํารีขุยขวานศึกคู่อยู่ในสองมือทำหน้าเธอมึงถึงขบเขี้ยวเขี้ยวฟันตวาดลั่นนำหน้าเฮ้ ย, ยสลาตันดําแทกพระเจ้าของพวกมึงจากพุ้นเหลืองสารมาถึงที่นี่แล้วคุณพลลี่เชงหันไปหัวรอ ก, กับโส่เจ้า อเราได้ยินได้ฟังเรื่องผู้กล้าจากมึงเหลิยงซานมาทุกวันจนเบื่อเต็มทีแล้วทำไมนะหรือก็เพราะว่าพวกมันเป็นเพียงไอ้ตัวสกปลกโโครอกไม่มีค่าให้เอ่ยถึงนั่นสิท่านผูกพันทะลวงหน้าเหตุฉันไหนไม่ออกไปจับไอ้บัดซบพูดนั้นมาเล่าผู้พันโสเจ้ายิ้มแล้วพูดขึ้นว่าไม่จาเป็นต้องมาถึงมือข้าน้อยดอกยังมีขทหารของเราอีกเยอะ ที่กระหายใครจะสร้างชื่อเสียงอ่ะก่อนที่คำพูดจะสิ้นกระแสะเสียงในทหารผู้หนึ่งนามว่าหวางติงควงหอกควบม้านำหนา้าทหารม้าออกมาหนึ่งร้อยม้ารี่คุยกับไพรพลไม่อาจต้านทานการรุกของม้าศึกที่โถมเข้ามาเป็นขบวนเหล่านั้นได้ก็แตกหนีไปทุกทิศทุกทางสู่เจ้ากับไพรพลก็ตะลุยไล่โจมเหล่านั้นจนเลยผ่านบ้านตะกูลยู่ออกไป พอค้าเข้ไปลูกหนึ่งทันก็ได้ยินเสียงคล้องกรองสึกกรัวก้องทหารม้าสองหน่วยปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าเป็นเสียเจิ้นกับขงเหรียงเบื้องขวาเป็นขงหมิงกับเสียเป้าแต่ละหน่วยมีทหารม้าท่วงท่าดุ ด, ดันห้าร้อยม้าด้วยตกตะลึงที่กองหนุนโผล่มาแบบปุุปรปปับโสเจ้าถึงกับหยุดไล่รีบวกม้ากลับโดยไวนี่เชิงซักว่าุยถ้าไม่ท่านไม่ไปจับจอนมาเล่า โซเจ้าตะโกนตอบไปว่าโอ้ยเราไอ้ตาพวกมันเข้าเขาไปก็ลังจะจับมันได้อยู่แล้วปัดทอแต่พอดีมีไอ้ถอยอีกพวกหนึ่งหนุนเข้ามาและยังมีอีกพวกหนึ่งคอยซุ่มอยู่จึงไม่กล้าไะไรตาให้ถึงที่สุดลี่เชงตะโกนกลับไปว่าปัดทอไอ้พวกนั้นมันแค่จนกระเจาะยังจะต้องไปกลัวมันด้วยเราวุ้ย คุณพ ล, ลี่เชงจึงนาทัพทั้งหมดของตนลุยข้ามเนินเขาลูกนั้นผ่านบ้านตระกุนยู่ออกไปเบื้องหน้าก็เห็นธงทิวปลิวสะบัดเสียงกู่ศึกของกรองรัวยย่ำไปที่อื่กระทึกทหารม้าฝ่ายโจนอีกหน่วยหนึ่งก็ซืบกายขึ้นมานําหัวขบวนโดยนักรบหญิงแน่นน้อยนางหนึ่งแต่งกายโอ้อาสง่า ง, งามเป็นยิ่งนะักป้ายผ้าสีแดงของหน่วยทหารม้าที่นางนามาปักเป็นตัวอักษรทองความว่าคุณพลหญิงกระบีเหล็กสิบเสี้ย แม่นางเสือกู้ยืนมาอยู่ฝั่งซ้ายนางแม่มดสุนยืนอยู่ฝั่งขวาไพร่พลมีมากกว่าหนึ่งพันม้าคนเหล่านั้นมีมาทุกขนาดแต่งตัวประหลาดประหลาดไม่สามแบบกันเห็นได้ชัดว่าเป็นคนมาจากทั่วพิภพบจบแดงขุนพลลี่เชงเห็นก็กล่าวกับโสเจ้าว่าอุย้ยไอท ห, หารพันนั้นไรประโยชน์สิ้นดีท่านจงถมเขาตีให้หนักข้าจะเอาท ห, หารของข้าล็อเอาไว้เอง ผู้พันโส่เจ้ากระชับขวานทองสองมือแน่นกระตุ้นมา้าควบออกไปข้างหน้านางกระบี่เหล็กสิบเสีย้ยก็เหียหัวม้าหนีเข้าไปในช่องเขาแคบๆขุนพลลี่เชงพราะกางปีกไล่ผลของตนออกได้ <ละ S 1> ก็รีบ <ละ S 1> ควบไล่ขุนพลหญิงนางนั้นไปเฮียนะคนรวยกันี้เนาทันใดนั้นขุนพลลี่เชงก็ได้ยินเสียงกู่ตวาดปานปะทะพีชจะถลม่มเฮียหยุดอ๊า อินซีเทียนฟารี่หญิงขนาดสองข้างด้วยชื่อจินกับชุนซินก็พากันควบม้าเข้าใส่ขุนพลแห่งต้าหมิงกับเหล่าทหารรีบหน้าถอยกลับเข้าไปในบ้านตระกูลอยู่แต่ก็ถูกตีกระนาบมาจากสองด้านด้านซ้ายเป็นหน่วยทหารมา้าที่นำโดยเซียเจิ้นกับขงเหลียงด้านขวาเป็นเสียเต้ากับขงหมิงขณะเดียวกันขุนพลหญิงทั้งสามก็หันม้ากลับพาไพ่พลพกระนาบตีรัดมาจากด้านหลังเข้าอีก การเข้าตีของฝ่ายโจนทั้งสามด้านรุนแรงจนกระทั่งขุนพลลี่เชงกับกองทัพแตกไม่มีชิ้นดีรบประทังตัวเอาไว้แล้วหนีกลับค่ายแต่ทว่าพอไปได้สักหน่อยก็มดพบกับสลัดตันดำลี่ขุยคว้างทางหนีเอาไว้อีกลี่เชงกับโสเจ้าตัดสินใจตีฝ่าออกไปตอนที่กลับไปถึงค่ายก็พบว่ากองทัพของตนเสียหายไปอย่างหนักกองทัพฝ่ายทรงเจียนไม่ได้ไล่ตามตี เรียกระดมพลพักรบแล้วรีบลงหลักปักค่ายลี่เชงกับโสเจ้ารีบเข้าเมืองรายงานเรื่องนี้กับผู้ว่าเลี้ยงคืนนั้นเองขุนพลเวิรนต้าก็พากำลังหนุนออกไปเสริมที่สนามรบขุนพลลี่เชงคอยต้อนรับอยู่ที่เนินต้นหวายแล้วอย่างทางถอยขุนพลเวิรนต้าหัวรอกแล้วเอ่ยขึ้นว่าฮไอ้โจนพวกนั้น เรียบได้ก็คล้ายดังหินไม่มีอะไรต้องให้คิดใจ่ใจหรอกครับกองทัพเมืองหลวงบนธนุดรจะสามารถรับมือของกองทัพแห่งจอมจนเขาเลียงสารได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปหน้านะครับ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 แล้วรีบลงหลักปักค่ายไปอย่ารีเชงกับโสเจ้ารีบเข้าเมืองรายงานเรื่องนี้กับผู้ว่าเลี้ยงขึ้นนั้นเองขุนพลเวิรนต้าก็พากําลังหนุนออกไปเสริมที่สนามรบขุนพลรีเชงคอยต้อนรับอยู่ที่เนินต้นหวายแล้วอย่างทางถอยขุนพลเวิร์นต้าหัวร้อแล้วเอ่ยขึ้นว่า ไอ้โจนพวกนั้นเรียบได้กอคล้ายดัางหิตไม่มีอะไรต้องให้คิดใจ่ใจดอกคืนนั้นทั้งสองตกลงกันในแผนการแล้วสั่งทหารไปตามนั้นยามสี่ทุกคนก็ตื่นขึ้นมากินมื้อเช้าพอยามห้าก็พากันผูกเกาะ พอรุ่งสางก็ยกออกจากค่ายเคลื่อนกำลังตรงไปยังบ้านตระโลอยู่ของกลองพระคมกันกึกกล้องดังกว่าเก่าเป็นสามเท่าไม่ช้าก็เห็นทัพส่งเจี้ยงพัดเข้ามาราวพายุบุกแคมขุนพลบือนต้าฉายาดาบใหญ่กระจายแถวทหารออกตามตำราศึกแล้วสั่งบรรดาพลธนูให้สัตว์เก่าทันสะกดแนวหน้าของข้าศึกที่ลุกประชิดเข้ามา ส่งเจียงจึงเรียกหาในทหารใหญ่กองหน้าถือป้ายผ้าสีแดงปักอักษรสีเงินความว่าขุนพลฉิ้นหมิงเจ้าสนิบาทสายฟ้าฟ้าให้ออกรบชิ้นหมิงดึงบางเหียนมา้าตะโกนออกไปว่าเฮ้ ย, อ ย, อยไอพวกมึงไอคนงานต่างฉิ้นแห่งเมืองหลวงบนทอดนุดรจงฟังให้ดีเราหมายใจจะบุกเมืองของพวกมึงมันนานหนาักหนาแล้วเพียงเพราะกลัวว่าจะไปกระเทือนไพฟ้าค้าแผ่นดิน พวกผมเพ่งตนอยู่ในความดีงามดอก hey! จึงได้เพียนหักห้ามใจเอาไว้พวกมึงจุกไหร่ท่านรู่จนยี่ท่านซื้อชื่อออกมาเส้นเอาไปแล้วมอบตัวไอ้อีสชูคู่นั้นมาเสียแล้วเราจะถอนตัวสถาบันว่าจะไม่เข้าไปย่ยํายีแต่ถ้าหากยังขืนดื้อดึงเราจะเอาไฟส่งหัว ก, กระบานพวกมึงให้ hey! รับรองว่าแม้ได้เห็นแต่ยกก็ยังละลายมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่พวกมึงจะรอด หากพวกมึงมีอะไรจะพูดก็พูดออกมาซะเดี๋ยวนี้อย่าได้ชักช้าคุณพลเวินต้าร้องขึ้นมาอย่างเดือดดาลโฮ้ยใครจะไปจับไอ้ขี้ข้าคนนั้นก็ได้วนะเนาะฮะก่อนจะทันพูดจบผู้พันโสเจ้าก็กระตุ้นม้าออกหน้าแล้วตะโกนไปว่ามึงไปถึงขุนพลประจำราชสำนัก แผ่นดินนี้ทำผิดคิดร้ายอะไรกับมึงตั้งแต่เมื่อไหร่วะแทนที่จะประพฤติยึมันให้เหมาะสมมึงกลับมาทำตัวเป็นโจรคอยก่อกรรมทำชั่ววันนี้รอให้กูจับมึงได้ซะก่อนกูจะเอามือบี้ให้เป็นพุธสุขทกูจะเอามือบี้ให้เป็นฝุ่นทุ่งศิทกูจะเอามือบี้ให้เป็นฝุ่นทุ่นี้ละทีเดียว สำหรับฉินหนิงคำพูดชิ้นนั้นเสมือนโยนก้อนทานใส่เตาเอาน้ำมันไปราดกองไฟควงกระบองฟันหมาป่าราวจาับผันขวดก้นมา้าทาถมเขาใส่โซ่เจ้ากระตุ้นม้าสวนออกไปม้าฝีเท้าจัดสองตัวก็เข้าปะทะ ก, กันอาวุธสองชุดก็ได้สัพประยุทธต์ต่อตีกันเป็นพลวันกองทัพทั้งสองโ h ร้องขึ้นเปลี่ยวก่าวสองขุนทหารรบไปกว่ายี่สิบเพลงไม่มีผู้ใดแพ้ชนะ พันแถวเรียบมาขึ้นมาแถวหน้าของทัพส่งเจียงเอาลูกเกาถ่นเทียบกับคันธนูเล็งและดีดใส่ลูกธนูดอกนั้นพันเสียบเข้าที่แขนซ้ายของโสเจ้าเอาคัทับมา้าผู้พิทับตาหมิงทิ้งขวานคู่หันหลังควบม้ากลับที่ตังส่งเจียงเอาแฉ่ชี้ไปข้างหน้าทัพทั้งสามก็โถมเข้าใส่ไม่ช้าซากศพก็เกลื่อนกลบลงซบดินโลหิตเนือง น, องนองดังท้องทาร นับเป็นความปลาชายอย่างย่อยยับกองทัพฝ่ายซ่งเจียงตามบทขยี้ข้าศึกจนถอยร่อนผ่านบ้านตระกุนยู่ไปแล้วเข้ายึดเนินต้นหวยขุนพลบ่วนต้าหนีไปจนถึงหุบเสือเหินพอนับจํานวนทหารจึงได้รู้ว่าตายไปหนึ่งในสามซ่งเจียงให้ลงหลักปักค่ายที่เนินต้นหวยแต่วูหยงติ่งขึ้นว่า กองทัพที่พ่ายแพ้มักจะไม่มีแก่ใจจะสู้รบเราควรจะตามตีก่อนที่พวกมันจะฟื้นขวัญกาลังใจโอกาสทองเช่นนี้ดีเกินกว่าจะปล่อยให้หลุดลอยไปนะขอรับซุงจิงตอบว่าโออท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทัพขอรับที่ท่านว่ามานั้นก็ชอบนะักทางเวียนคําสั่งไปยังเหล่าทัพที่เพิ่งรับใชมาว่าพดตุกยินให้แบ่งกําลังออกเป็นสี่ตอน เดินทางผ่าความมืดเข้าตีเมืองสำหรับขุนพลเวินต้าพอกลับไปถึงหุบเสือเหินก็พอได้หายใจหายคอแต่แล้วในทหารชั้นประทวนผู้หนึ่งก็เข้ามาราย ง, งานว่าแรงออนเห็นครบเคล่วจุดสว่างสวัยเรียงรายเป็นแถวเป็นแนวบนนั่นเขาใกล้ ทุกคนเวินต้าจึงขึ้นม้าพาทหารออกไปดูบนเนินเขาทางทิศตะวันออกนั่นเองแสงจากคบไฟจํานวนนับไม่ถ้วนอาบเนินเขาและทุ่งที่อยู่ใกล้ๆจนแดงฉานชับพลันเบื้องเขาทางทิศตะวันตกนั้นก็สว่างจ้าขึ้นมาอีกเวินต้ารีบพาคนของตนหันกลับไปสังเกตการแต่แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังกึกก้องมาจากทางด้านหลังลีกวงน้อยหัวหลง ตามด้วยหยางซุนกับเฉินต้าก็ควบม้าตีตะลุยมาจากทางด้านตะวันออกหวนต้ารีบพาทหารของตนควบม้ากลับมายังหุบเสือเหินอย่างเก่าก็พอถึงตอนนั้นกระบองสองมือฮูเหวินโจติดตามด้วยโอเปงกับเยียนซุนก็ถือคบควบม้าลงมาจากเขาด้านทิศตะวันตกทีมเหล็กจากภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกก็หนีเข้าหากัน ชับพลันด้านหลังก็มีเสียงกู่ตวาดตามมาด้วยฉินหมิงเจ้าอสุนีบาดพร้อมด้วยหั่นเถากับแปงฉีก็ควก ม, มาเข้ามาร่วมสัพพยุทธ์ทั้งเสียงม้าหวีดร้องทั้งเสียงผู้คนกู่ก้องตวาดใสอีกทั้งแสงไฟนั้นเล่าก็สาดสวอยนับไปไม่ท้วนทัพของขุนพลเวินต้าเริ่มสับสนโอมานรีบถอนท่ายหนีออกมาและแล้วก็ได้ยินเสียงกำมานาดดังมาจากทางด้านหน้าพร้อมไฟก็ลุกพลึบขึ้น เป็นหลิง่งเจิ้นอัศนีบาฝฟาสวร์กับผู้ช่วยแอบใช้ทางลำลองรอบขนปืนใหญ่เข้ามาในหุบเสือเหินและระดมยิงใส่กองทัพฝ่ายต้าหมิงอย่างดูเดือดครั้นทัพ บ, บ่นต้าจะตีฝ่าหนีเข้าเมืองเบื้องหน้าก็ได้ยินเสียงกลองสึกทัพไม้อตอนหนึ่งยื่นขวางทางเอาไว้ งวดเสือดำหลินชงขับม้าออกมาหน้าคบตามด้วยหมาหลินกับเตงเฟ ย, ยเสียงคล้องกลองจากทั่วทั้ง4ี่ทิศก็โหมประคมงใส่คบไฟก็โลดไล่โอบล้อมมาจากทั้ง4ทิศกองทหารรัฐบาลก็เร่รวนระส่ำระสายวิ่งหนีเอาตัวรอดคุนพลเบิร์นต้าควงดาบทหานเขาตีฝ่าก็ไปพบกับคุณพลหลีเชงทั้งสองสนที่กำลังสู้พลางถอยพลางรุ่งสางก็ถอยร่นมาจ้ติดกำแพงเมือง พอผู้ว่าเหลียงทราบข่าววิญญาณก็แทบจะหลุดออกจากร่างรีบประหลทหารออกไปรับทัพที่แพเข้ามาในเมืองปิดประตูแล้วขึ้นรักษาเชิงเถินเอาไว้ให้มันพอรุ่งเช้ากองทัพทั้งหมดของส่งเจียงก็เหยียบถึงตีนกำแพงเมืองตั้งค่ายประจำหน้ากับประตูเมืองด้านทิศตะ ว, วันออกเตรียมพร้อมเข้าตีข้างฝ่ายในเมืองผู้ ว, ว่าเหลียงเรียกประชุมบรรดาแม่ทัพในกองทั้งหลายที่กองประชาการใหญ่ แต่ก็ยากที่จะคิดค้นหาหนทางใดๆออกคุณพ ล, ลีเชิงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยไอ้พวกโจรร้ายมันมาจอดที่หน้าประตูบ้านสถานการณ์ยามนี้ให้รับขันนักหากยืดเยื้อไปฝ่ายเราของทุกพราชัยเป็นแม่นมัน่นท่านใต้เท้าประการแรกจะต้องมีหนังสือด่วนส่วนตัวส่งไปกราบเรียนท่านสมหานายกให้คนไว้ใจได้ ถือไปซะเลยในคืนนี้เพื่อที่ท่านสมุหานายกจะได้นําเรื่องขึ้นกราบประคมทูลองค์พระจั ก, กรพรรดิในเวลาราชสำนักเปิดในตอนเช้าขอกองทัพมากอบกู้สถานการณ์ประการที่สองท่านใต้เท้าต้องแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังจังหวัดข้างเคียงให้รีบส่งกองทัพมาช่วยหยันเอาไวพ้พลางๆก่อนประการที่สามะนะเร่งเกณฑ์ราษฎรในเมืองต้าหมิงขึ้นรักษาเชิงเทินป้องกันเมืองเอาไว้ให้มัน เตรียมสูงสั้งัดหินผงปูนเขาที่จะทำให้ตาบอดกับเคียวโลหาเอาไว้ให้ดีขึ้นไก่หน้าไม้เอาไว้พร้อมสับคอยสอดสองตัวตราทั้งกลางวันกลางคืนไม่แต่ทำเช่นนี้เท่านั้นจึงจะพอช่วยป้องกันช่องโหว่ได้ผู้ว่าเหลียงเอ่ยขึ้นว่าจะให้เขียนน้นนอยๆยนาะเฮ้ยแต่แล้วจะให้ใครเล่าหนาผาพาิษงแล้วในวันนั้นก็เป็นจะให้หวางติ่ง หนึ่งในขุนพลชั้นยอดของตนทําหน้าที่เดินสารหวางผูกเกรก็บเลือกเอาทหารม้าสองคนร่วมทางไปด้วยรับเอานักหนังสือมาเปิดประตูเมืองแล้วยอนสะพานคนเดินสารก็ควบม้าสุดฝีเท้ามุ่งไปยังเมืองหลวงตะ ว, วันออกฝ่ายจังหวัดและตำบลข้างเคียงได้รับข่าวก็เรียบแต่งทัพมาช่วยข้าหลวงหวงังรับบัญชามารดมพลเรือขึ้นรักษาเชิงเทิน เรื่องนั้นเราจะไม่กล่าวถึงอีกนะครับซ่งเจียงแบ่งกำลังไปตั้งค่ายขึ้นทางเหนือตะวันออกและตะวันตกของตัวเมืองเว้นประตูเมืองทางทิศใต้ล่องเอาไว้แล้วออกโจมตีเมืองทุกๆวันขณะเดียวกันก็บอกไปทางที่มัน่นให้ส่งสเสบียงและย่ามนุนเตรียมการปิดล้อมยาวนานหมายจะตีหักเข้าเมืองช่วยชีวิตเจ้าสัวลูกกับชื่อซิ่วออกมาให้ได้คุณพลีเชงกับบุนต้าก็พาทหารออกรบทุกวัน แต่ก็ไม่สามารถเอาชัยได้ฝ่ายโสเจ้ายังต้องพักฟื้ในให้แผลจากธนูสมานฝ่ายหวังติ่งกับทาหารหม้าอีกสองนายเมื่อไปถึงจวนสมหวังหาหนายกในเมืองหลวงตะวันออกก็ถือหนังสือส่วนตัวลงมา้ายามเฝ้าประตูรีบเข้าไปรายงาน เอกอักขระมหาเสนาบดีช่ยเรียกขุนพลหวางเข้าไปข้างในขุนทหารจากต้าหมิงรีบตรงไปยังห้องโถงที่ตึกหลังเขาเต่าแล้วส่งหนังสือให้สมุหานายกช่ยรีบเอามาคลี่อ่านก็ตกใจรีบซักไซ้ว์เอาความผู้เดินสารก็เล่าเรื่องรี่จุนยี่ให้ฟังโดยละเอียดแล้วเสริมว่าเออส่งเจียงจึงอไพร่คจนจานวนมากมาล้อมเมืองเราจัดการเองไม่ได้ พร้อมทั้งเล่าผลการรบที่บ้านตระกูลยู่ขุบเสือเหินกับเนินต้นหวยประกอบสมุหันายกกล่าวว่าท่านของขี่ม้ามาเหนื่อยไปพักที่เรือนรับรองของทางการสักก่อนข้ามีเรื่องต้องประชุมวางร้องขึ้นว่าเ อ, อ่เ อ, อท่านใต้เท้าการุณาเจ้าขอรับเมืองหลวงหมดทนอุดอรตกจนนี้หน้าสิวหน้าขวานเสียงโต๊ะความหายนะอิงหนักหากมันล่ม อะไรจะเกิดกับเหอเปทั้งมนลทนเราหวังว่าท่านไต้เท้ากรโนาเจ้าจะส่งไพรพลขึ้นไปขจัดโจรร้ายโดยไว้สมหานายกใช่จึงตะวตาดออกไปว่าฮ hey! ท่านไม่จะเป็นต้องกล่าวให้มากความไปดรอกท่านไปได้แล้วฮึ hey! อะไรวะลุงยากชิงแบงเลยหวามติ่งรีบล่าถอยออกไปในทันใดนั้นสมหานายกก็เรียกองคมนตรีฝ่ายกิจการทหาร เข้ามาปรึกษาข้อราชการทหารที่สำคัญยิ่งยวดเป็นการ ด, วด่วนเพียงไม่นานองคมนตรีถงกวนก็มาพร้อมกับขุนพลอีกสามนายพอเข้ามาในห้องถงใหญ่ก็รีบคำนับทั้งทายสมวานายกใช่เล่ารายละเอียดทั้งหมดที่เกิดแก่เมืองหลวงบนุนอุดรให้พวกเขาฟังแล้วเสริมอีกว่าเราต้องมีแผนและต้องใช้ขุนพลชั้นเลิศขับไล่โจรสายปกป้องเมืองเอาไว้ แม้ทัในกองในที่ประชุมมองหน้ากันด้วยท่าทางตกอบตกใจบุรุษผู้หนึ่งก็ก้าออกมาจากด้านหลังของบรรดาขุนพลเหล่าราบคนผู้นั้นก็คือผู้การชวนซานหนึ่งในผู้บัญชาการทหารล้อมวังใบหน้าดำประหนึ่งก้อนหม้อปลายจมูกเชิดขึ้นฟ้าผมเผ้าหยิกหยองนวดคราวหยากกระด้างเป็นสีแดงเพลิงร่างกายใหญ่โตเอถอะทะใช้กระบี่เหล็กฝีมือในเชิงวิยุทธ์ไม่ธรรมดาในอดีตเคยแต่งงานกับพระธิดาเจ้าฟ้าองค์หนึ่ง ทั้งนี้ก็เนื่องจากเจ้าฟ้าพระธิดาองค์นั้นให้ประทับใจในใชัยชนะในการแข่งขันยิงธนูจึงประทานพระธิดาให้แต่เพราะความอั ป, ประลัของผู้การผู้นี้พระธิดาถึงกับตรอมใจตายจึงได้สมญาใหม่ว่าพระสวามีผู้อาภัพผลที่ตามมาก็คือชวนซานตกเป็นเป้าแห่งความชิงชังรังเกียจได้รับแต่ความอับยศอดสูไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งใดๆอย่างใครเขา ยังคงเป็นเพียงราช อ, องครักษ์บงังคับบัญชาทหารรักษาวังหลวงตามเดิมถงกวนองคมนตรีเจ้าเล่พวกเลียแค่งเลียขาสอพรประจบประแจงสารพัดวางตัวสูงส่งจึงดูถูกเยียดยามเขาดังคนชั้นต่ำแต่ในยามนั้นชวนซาน ร, รู้สึกว่าถึงคราวที่จะต้องพูดจึงเอ่ยกับสมหานายกว่าตอนที่ข้าน้อยยังอยู่ในชนบทนีเพื่อนรักอยู่ผู้หนึ่ง เป็นทญญายาทสายตรงซืบลงมาจากท่านกวนโอขุนพลผู้นั้นมีชื่อเสียงเมื่อครั้งราชวงศ์ฮั่นและบ้านเมืองแตกแยกออกเป็นสามกอเขามีนามว่ากวนเชงรูปร่างหน้าตาเหมือนบนรรพบุรุษไม่มีผิดเพี้ยนใช้เงาก็เงาเสี่ยวจันเช่นกันดังนั้นผู้คนจึงพากันเรียกว่ากวนเชงขุนพลเงาใหญ่ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองตระเวนชั้นต่ำอยู่ในเขตพูดตรง แต่คนผู้นี้ศึกษาตำราพิชัยสงครามมาตั้งแต่เด็กเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิดและมีความหันกล้าหาได้เปรียบหากได้รับบำเหน็จรางวัลและเลื่อนยศให้เป็นที่เหมาะสมข้าคิดว่าเขาก็ย่อมจะสามารถทัดลมป้อมคายชายน้ำทำลายไอ้พวกกบฏเหล่านั้นลงให้สิ้นซากได้โดยง่ายคนผู้นี้สมควรจะต้องมาปกป้องราชอาณาจักร มิทักรักษาแผ่นดินเขารออยู่แต่ก็คำบัญช้าจาบปากท่านสมหวนายกเท่านั้นลหละขอรับใช้จิงดีใจยิ่งนะักจึงตั้งให้ชวนซานเป็นผู้แทนพวบม้าไปยังเขตผู้ตรงในคืนนั้นเพื่อชวนกวนเชิงเข้ามาเมืองหลวงมาหารือกันบรรดาแม่ทัพในกองที่มาประชุมก็แยกใยจยกันกลับชวนซาน ร, รีบออกเดินทางโดยไม่ชักช้า ได้ทหารมาร่วมทางไปสี่ห้านายไม่ถึงวันก็เดินทางมาถึงกองประชาการหน่วยลาดตระเวนผู้ตรงเขาหลงมา้ากวนเชงอยู่ที่นั่นนั่งถกอยู่กับเพื่อนผู้หนึ่งถึงชีวิตที่ผกผันของบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงในอดีตการผ่านมาจนถึงปัจจุบันเพื่อนผู้นั้นชื่อห่าวซื่อเหวินเมื่อได้รับรายงานว่ามีผู้แทนมาจากเมืองหลวงตะวันออกจึงพาห่าวออกมาต้อนรับ วอนคำนับผู้มาเยือนด้วยมารยาทแล้วเชิญเข้าไปนั่งสนทนากันในห้องโถงกวนเชงเอ่ยทักขึ้นว่าไม่เราสองคนไม่ได้พบหน้ากันมานานหนักหนาการอะไรชักนําท่านข้ามทางไกลามาหาจนถึงที่นี่ในวันนี้ละขอรับไม่ทับชวนซานเอ่ยขึ้นว่าไม่ก้อยพวกโจรเขาเลี้ยงซานนั้นน่ะสิขอรับพวกมันยกทัพไปตีเมืองหลวงมณฑทอุดรข้ากราบเรียนแนะนําท่านสมหานายกว่า ท่านมีความสามารถที่จะสยบไอ้สัตร์โมูอเมตร ท, ทั้งนายทั้งเผ่าวและมีแผนการกอบกู้แผ่น ด, ดินคืนสู่สันติโดยพระราชาลำหนดแห่งองค์พระจกักรพรรดิและคําบัญชาจากท่านสมหวะนายกข้านําข้าวของเงินทองมากํานันเป็นผ้าตุวนไหม่สําหรับหนึ่งและเครื่องอา่านมาอย่างดีอีกสําหรับหนึ่งเพื่อมาเชิญท่านไปเมืองหลวงท่านอย่าได้ปฏิเสธเลยจงเก็บข้าวของให้พร้อมตามข้าเข้าเมืองหลวงมาด้วยกันเถิด คุณเชียงก็ดีใจนักกล่าวขึ้นว่าเออข้าขอแนะนําให้ท่านรู้จักเพื่อนของข้าก่อนนี่คือท่านห่าวซื่อเหวินเราเป็นเพื่อนร่วมสาบานก่อนที่แม่พี่ห่าวจะตั้งคันนางฝันว่าวิญญาณเทพหมาป่ามาเข้าฝันดังนั้นสมญาท่านผู้นี้จึงเรียกกันว่าเทพหมาป่าห่าวเขาเชี่ยวชาญสิ้นสรรพวุธหลักทั้งสิบแปดชนิดในเมื่อท่านสมุหนายกเรียกใช้ข้า เหตุชั้นไหนจึงไม่เอาท่านผู้นี้ไปด้วยเราพวกเราจะได้ช่วยทนบัรุงแผ่นดินไปด้วยกันชวนซานเห็นตามด้วยความยินดีเร่งให้พวกเขารีบออกเดินทางกวนเชงกำชับกำชาบอกลาครอบครัวรวบรวมสัมภุฒะม้างมวกเหล็กชุดเกราะและข้าวของเครื่องใช้ช แล้วในคืนนั้นก็ออกเดินทางตามชวนซานไปกับห the ่าวพร้อมทหารม้าร่างบึกบึนจากทางตะวันตกของด่านอีกสิบกว่าคนพอไปถึงเมืองหลวงตะวันออกก็ขี่ม้าตรงไปยังจวนสมหานายกไช่ลงม้ายามประตูรีบเข้าไปงานก็มีคนออกมาเชิญให้เข้าไปด้านในชวนซานพาควนเชงกับห่าวซื่อหวน ตรงเข้าไปยังห้องถวงที่วรตสิการแผ่นดินแล้วโคกศีรษะคาระวะสมุหานายกยืนคอยท่าอยู่หน้าบันลังยกพื้นสูงด้วยความเคารพสมุหานายกใช่พิช ด, ดูกวนเชงอยู่ครู่หนึ่งก็เห็นเป็นบุรุษหนุ่มในวใัยชะกันรูปร่างสูงใหญ่นวดคราวแบ่งออกเป็นสามป่อยขนคิ้วดกยาวไปจรดขมับหางตาเฉียงใบหน้าแดงดังผลพุทราสุกริมฝีปากเป็นสีแดงเข้ม สมุหานายกใช่เห็นแล้วก็ดีใจนักเอ่ยปากทักขึ้นว่ามท่านนายทหารท่านอายุเท่าไรแล้วกวนเชียงตอบว่าเออสามสิบสองแล้วขอรับท่านใต้เท้ากรุณาเจ้าสมุหานายกพูดต่อไปว่าเฮ้ยไอ้พวกโจรร้ายจากเหลียงซานเปาะมันยกไปล้อมเมืองหลวงวนุทนอดรนวานบอกข้าโดยเถิดว่า ท่านมีแผนการจะทลายวงล้อมนี้ได้อย่างไรหรือกวนเชิงสาธยายแผนการของต้นว่าเออข้าน้อยได้ยินมานานนักหนาแล้วว่าจรนพวกนั้นประยึดบึงเหลียงสารเป็นที่หลบภัยถือเอาไพร่ฟ้าข้าไปดินเป็นเหยื่อบุกต้อนสนมหูมังต่างๆอยู่เนืองๆแต่มาตอนนี้พวกมันถึงกลับกล้าทิ้งทำเลที่มันเร่ออกมรนหาที่ การมุ่งจะไปปลดปล่อยเมืองหลวงบนทุนอุดอรรังแต่จะเป่าเปลืองไปโดยใช่เหตุหากท่านสมุหานายกจะให้กองทัพที่กล้าแข็งมาส ก, กองข้าน้อยจะซ้อนกลนํนำพาไปตีเขาเล็กซานจับไอพวกหัวหน้ามันมาให้สิน้นทำเช่นนั้นกองทัพทั้งสองส่วนของมันจะถูกตัดขาดมาช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ได้สมุหานายกใช่ดีใจยิ่งนักแล้วพูดขึ้นว่า ปิดล้อมไว้เพื่อปลดปล่อยเจ้าว้ายุทธวิธีนี้มีใช้มาตั้งแต่ครั้งบรมโบรับรนตรงตามที่ข้าคิดไว้พอดีเฮ้ยเยี่ยเยี่ยว่าแล้วก็รีบบัญชาสภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารเรียกระดมคลจากบนทวนซานตุงกับขัวเปลืยหนึ่งห้าพคนให้ห่าซื่อเหวินเป็นทัพหน้าชวนซานเป็นทัพหลังให้กวนเชงว่าการทั้งกองทัพให้ตวนเชง ขุนพลผู้ประชา ก, การทหารราบทำหน้าที่เกียกกายคอยดูแลสเสบียงอาหารทั้งไพร่พลและม้าศึกสมหะนายกปูนบำเหน็จให้ขุนพลใหม่ทั้งสามอย่างเอกอุกำหนดวันและเวลาที่จะออกเดินทัพไปตีบึงเหลืองซาลเอาไว้เสร็จสับโอ้ว่วามังก่อนนั้นอยู่ก็แต่ในทถ้งใต้สมุด จะขึ้นมายืยุตขี่เมฆด้านหมอกอยู่บนฟ้าได้กระไรหรือแล้วไอ้ที่จะไปเที่ยวเกณฑ์เสือร้ายให้มาสยายเขี้ยวเล็บในทํะเลที่ไม่เป็นใจแล้วยังคิดฝันจะให้คล่องแคล่วว่องไวกระไรเลยฉันใดก็ฉันนั้นหากจ้องจันทเพนในคืนวันศัสใครเลยจะอาจเห็นรุ้งแก้วแหวมณีในหีบเครื่องเพชรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับทัพทรงเจียงเชิญฟังบทถัดไปหากใครรู้ นี้นเสนอถึงตอนที่6กสบมีชื่อตอนว่าหูเวียนโจลวงกวนเชิงในคืนเดือนไหยส่งเจียงดักจับผู้พันโสเจ้าในวันหิมะตกส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รับทุกท่านรับฟังได้นะบัดนี้ เไอ้พวกโจรร้ายจากเหรียญซาลเปาะมันยกไปล้อมเมืองหลวงวุฒนอุดรว่านบอกข้าด้วยเถิดว่าท่านมีแผนการจะทลายวงล้อมนี้ได้อย่างไรหรือกวนเฉิงสาธยายแผนการของตนว่าเออข้าน้อยได้ยินมานานนักหนาแล้วว่าโจรพวกนั้นไปยึด บ, บึงเหรียญซานเป็นที่หลบภัยถือเอาไพ่ฟ้าข้าไปดินเป็นเหยื่อบุกปล้นสะดมหัวเมืองต่างๆอยู่เนืองแต่มาตอนนี้ พวกมันถึงกลับกล้าทิ้งทำเลที่มันเร่ออกมาณนหาที่การมุ่งจะไปปลดปล่อยเมืองหลวงบนทนอุดรรังแต่จะปราบเรืองไปโดยใช่เหตุหากท่านสมุหนายกจะให้กองทัพที่ล้าแข็งมาสกองถ้าน้อยจะสอนกนนำพาไปตีเขาเล็ดซานจับไอพวกหัวหน้ามันมาให้สิน้นทำเช่นนั้นกองทัพทั้งสองส่วนของมันจะถูกตัดขาดมาช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ได้ สมุหนายกใช่ดีใจยิ่งนักแล้วพูดขึ้นว่ามปิดล้อมเว้ยเพื่อปลดปล่อยเจ้าวะ้ะยุทธวิธีนี้มีใช้มาตั้งแต่ครั้งโ บ, บราณตรงตามที่ข้าคิดไว้พอดีเยี่มยม ว่าแล้วก็รีบบัญชาสภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารเรียกระดมพลจากมณฑลซานตุงกับหัวเปื่อยห5 0 0 0ันคนให้หา่าซื่อเหวนเป็นทัพหน้าชวนซานเป็นทัพหลังให้กวนเชงว่าการทั้งกองทัพให้ตวนเชงคุ้นพลผู้ประชาการทหารราบทำหน้าที่เกียรติกายคอยดูแลสเสบียงอาหารทั้งไพ้่พลและม้าศึกสมหานายกปูนบันเป็ดให้ขุนพลใหม่ทั้งสามอย่างเอกอุ กำหนดวันและเวลาที่จะออกเดินทัพไปตีบึงเหลืองสารเอาไว้เสร็จสั์กวนเชงกล่าวอำลาสมุหานายกใช่รับมอบการบังคับประชาทหารทั้งห5 0 0 0หนานยแล้วแบ่งออกเป็นสามกองยกออกจากเมืองหลวงตะวันออกบ่ายหน้าตรงไปยังเขาเหลืองสารในขณะนั้นส่งเจียงก็เกณฑ์ทัพยกเขาตีนครต้าหมิงวันแล้ววันเล่า คุนพลหลีเชงกับวนต้าไม่กล้าออกมาต่อตีด้วยขาดขนออกหน้าอย่างผู้พันโเจ้าที่ยังไม่ฟื้นจากแผลเก่าทันสุ่งเจียงก็หมดปัญญาที่จะเจาะกำแพงเมืองให้งนหงิดเหลือกำลังด้วยจากที่มั่นมาหลายเพลาแล้วคืนหนึ่งขนาดนั่งคนหูหัวใจจึงเอาตำราพิชัยสงครามทั้งสามเล่มที่ได้รับมอบจากเจ้าแม่นกพระสวรส์ออกมาอ่านใต้แสงเทียนภายในกระโจมใหญ่ พลันก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าอันตัวเรายกกำลังมาปิดล้อมตาหมิงนานแล้วแต่เหตุชะไหนหามีกองทัพภายนอกใดๆยกมาช่วยไหมแล้วเหตุใดใต้จงที่ส่งกลับไปป้อมค่ายบนภูจึงยังไม่กลับส่งเจียงให้ชงวนสนเท้อยู่ในทุกขที่อุกอังจะกินก็ไม่ได้จะนอนก็ไม่หลับฉับพลันนายทหารชั้นประทวนผู้หนึ่งก็เข้ามารายงานรายงานท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทัพมาหาขอรับ และแล้วเจ้าแห่งมายากลบูหยงก็กล้าเข้ามาในกระโจมใหญ่ส้มเชียงทักออกไปว่าท่านอาจารย์ขอรับม้าก็ดีแล้วเราปิดล้อมต้าหมิงอยู่นานแล้วใต้เหตุชะไห น, นจึงไม่มีกองทัพภายนอกมาช่วยพวกมนเลยเล่าบูหยงจึงกล่าวขึ้นว่าเออข้าก็ให้สงสัยว่าในเมืองเองเหตุชะไห น, นไม่ส่งใครออกมาต่อตีกับเราเลยเรารู้ดีว่ามีม้าเร็วส่งข่าวสามมา้าควกออกจากเมืองไป ผู้ว่าเหลียงย่อมต้องส่งคนถือสารด่วนไปยังเมืองหลวงตะวันออกสมุหนายกใช่ผู้เป็นพ่อตาก็ควรจะต้องส่งขุนพลฝีมือดีพร้อมกองทัพมาช่วยกอบกู้เมืองลูกเขยหรือว่ามันกำลังจะใช้คนอุบายลวงทิศยปิดล้อมเว่ยเพื่อช่วยเจ้ากันแน่คือแทนที่จะตรงมากู้เมืองนี้แต่กลับยกไปตีที่มันที่เมืองเหลียงซานของเราแทนโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นมีมากนะักชอบแล้วที่ท่านแม่ทัพจะฉงนฉงหายอ่ะ เราควรเร่งระมพลเตรียมไว้พร้อมพักอย่าเพิ่งรีบถอนตัวให้เร็วนักก็ในตอนนั้นนั่นเองใตจงเทพท่องทางก็กลับมาถึงแล้วรีบเข้าไปรายงานแม่ทัพใหญ่ส่งเจียงในทันทีแข่งฮอนสมวหานายกใชยใช้ขวนเชงขุนพลเขาใหญ่ทายาสายตรงจากท่านเทพเจ้ากวนอูให้มาทำการ เขากำลังนำทหารไปโจมตีป้อมค่ายของเราที่เหี้ยงสารปาะพวกหัวหน้าที่ค่ายไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกันดีโอกเขาฝากกราบเรียนไว้ยังท่านพี่กับท่านที่ปรึก ษ, ษาทัพให้รีบยกกลับไปช่วยโดยไว้ด้วยขอรับบโยงจึงเอ่ยขึ้นว่าแต่กระนั้นเราก็ไม่ควรด่วนทำอะไรผาดีพวผหลามคืนนี้เราจะให้คลเดินเท้าถอนไปก่อนแต่ทิ้งทัพม้าสองกอง เอาไว้ส้มทั้งสองฝั่งของหุบเขาเสือเขินเพราะพวกในเมืองมันรู้ว่าเราถอนทหารขี่ครานจะรีบไล่ตีตามเราต้องใช้แผนนี้หาให้ทัพเราจะถอยไม่เป็นระเบียบส้มเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทัพขอรับที่ท่านกล่าวมานั้นชอบแล้วว่าพรางก็หันไปสั่งหัวหลงให้นําทหารมาห้าร้อยคนไปส้มไว้ที่ฝั่งซ้ายของหุบให้หลินชงเอาคนอีกห้าร้อยม้าไปส้มยังฝั่งขวา สั่งหูเวินโจให้คุมม้าอีก25ม้าคอยคุ้มกันหลิงเจิ้นที่ได้รับคำสั่งให้เอาปืนใหญ่ส่วนหนึ่งไปตั้งไว้ห่างจากตัวเมืองราว12ลี้หากทหารต้ามหมิงตามตีก็ให้ระดมยิงปืนใหญ่พวกนั้นขึ้นเป็นสัญญาณเพื่อให้ทหารที่ซุ่มอยู่ทั้งสองฝ่ากไตีกระหนาบรัดเข้าสังหารตอนนั้นทับหน้าของซ่งเจี้ยงที่ปิดล้อมเชิงเทินเอาไว้ก็ทาทีถอนตัวกลับ เก็บพับทงทิวให้มิดชิดเอาผ้าปิดหน้ากลองเพื่อให้ฝ่ายในเมืองเห็นเป็นเสมือนแม่หลังฝนเคลื่อนคล้อยดั่งทัพที่ถอยประดุดผลพ่ายหากำลังใจสู้ไม่มีคืนนั้นพอตกดึกผลท้าวทั้งหมดก็เริ่มทยอยยกพลบ่ายหน้ากลับเขาเลี้ยงซานไปตามลำดับจวบจนกระทั่งเวลาเช้ามาถึงแตรเดียวจึงค่คอยๆอดขึ้นเป็นสัญญาณถอย ธงทิวถูกรวบมัดลากไปตามพื้นดินเหล่าทหารที่เหลือทั้งสิ้นก็ทําทีแบกเ้าถือทวนไขว่ขวานสะพายหลังเหมือนดังจะถอนค่ายเคลื่อนไหวพูดคุยเกินให้ขมงชงเฉงการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นล้วนตกอยู่ภายใต้สายตาของผู้คนบนกําแพงเมืองตา้าหมีงทั้งสิ้นคนเหล่านั้นเรียกเอาข่าวไปรายงานผู้ว่าเหลียงรายงานชุบโจนบึงเหลียงซานเรียกทัพของผู้มันกลับทัพที่ล้อมเร า, เาไว้ตอนนี้กําลังถอนตัวขอรับ พวกว่าเหลียงเรียกหารลี่เชงกับบวนต้าคุนพลบวนต้าเอ่ยขึ้นว่าอเห็นได้ชัดว่าท่านสมุหนายกส่งทัพไปตีมือเหลืองซานแล้วไอ้ไพรพวกนั้นเกิดกลัวว่าจะเสียที่มันจึงรีบถอนทัพกลับโอกาสที่จะทำลายทัพแล้วจับไอ้ซ่งเจียงมาถึงแล้วก่อนที่คำพูดจะหลุดปากม้าเร็วตัวหนึ่งก็เข้ามารายงาน อทายทอดคําสั่งจากมือหลวงตะวันออกทับจอนถอยให้ตามตีพรเด็จซึกพผู้ว่าเหลียงรีบสั่งขุนพลลี่เชงกับเหวินต้าให้นํากองทัพสองกองประสานกันทั้งตะวันออกและตะวันตกออกไล่ตีทับซ่งเจียงนายใหญ่แห่งเขาเหลียงซานที่บัญชาการถอยทัพเห็นแล้วว่าทหารรัฐบาลไหลบ่าออกมาจากต้าหมิงและกระชั้นใกล้เข้ามาทุกขณะ จึงเร่งไพร่พลให้หนีออกไปโดยไวทําให้ดูราวใกล้จะตายเสียเต็มประดาลี่เชงกบุนต้าเห็นเช่นนั้นก็รุกไล่าตามไพรพลโจรเข้าไปในหุบเสือเหนินแต่แล้วก็ได้ยินเสียงกุนใหญ่สลุดไล่หลังดังกึกก้องขึ้นพอได้ยินลี่เชงกบุนต้าก็สะดุ้งรีบดึงหม้าหยุดหันไปมองยังชายป่าด้านหลังก็เห็นธงทิวปลิวสวายให้เต็มพืชไปสิน้นเสียงคล้องเสียงกลองรั่วร่ําย่ํากันให้ระงม สิ่งนี้บังเกิดขึ้นรวดเร็วเกินจะทนตั้งตัวฉับพลันทหารมา500้อภายใต้บัญชาการของหัวหลงและอีกเท่าเท่ากันภายใต้หลินชงก็ตลายเข้าหาทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยรังสีอมตหิตแห่งการฆ่าปัน่นตอนนั้นสายเกินการที่ทหารหลังกลับไปรับมือแม่ทัพในกองฝ่ายรัฐบาลต่างรู้ว่าพวกตนต้องกลซะแลว้ว จึงเร่งถอยหนีให้ไวที่สุดแต่แล้วก็วิ่งมาในแนวซุ่มของขุพนพลฮูเวียนโจทหารรัฐบาลก็ถูกกดขยี้ดาวดิ้นลงไปเป็นเบือ่อลี่เชงกั บ, บวนต้าหนีกลับเข้าเมืองได้ในสภาพสะบักสะบอมชุดเกราะขาดกระร่งกระริ่งมวกเล็กหลุดหายแล้วรีบลงดันประตูเมืองปิดตายในทันทีกองทัพซ่งเจียนก็ค่อยๆถอยทัพไปอย่างเป็นระเบียบ พอเข้าใกล้บึงเหลีอยสซานก็พบเข้ากับขุนพลชวนซานพระสวามีผู้อาภัพตั้งทัพขวางถนนเอาไว้ทรงเจี้ยงสั่งหยุดทัพแล้วลงค่ายขณะเดียวกันก็ลอบส่งพลเดินสารข้ามน้ำไปเรียกกำลังขวัญคนในค่ายว่ามีกองหนุนทั้งท่า บ, บกทัพเรือมาช่วยแล้วภายในป้อมค่ายจางเฮงเดชคนเรือ แม่ทัพทางน้ำผู้หนึ่งก็บอกกับน้องชายจางชุนฟองขขาวในเกลียวคลื่นว่าน้องพี่จน่านชนนิ้แล้วพวกเราก็ยังไม่ได้ประกอบคุณงามความดีให้เป็นสักเป็นสีแก่ตัวใดๆเลยตอนนี้กวนเชงขุนพลเงาใหญ่จากเขตผู้ตรงแบ่งทัพออกเป็นสามยกกำลังจะมาตีไข่เราใจสองเราไม่บุกล้นไข่จับตัวมันมาหาเกียรติประวัติเอาไว้ประดับตัว จะได้เชิดหน้าชูตาทับเทียมพี่น้องคนอื่นเขาจางชุนตอบว่าอ้ยพี่ใหญ่หน้าที่เราคือคอยอยู่กำกับเฉพาะท่าน้ำนี้เท่านั้นนะขอรับหากเราไม่อยู่ประจำหน้าที่คอยช่วยกู้ทับพี่น้องคนอื่นๆที่เขาลำบากแล้วเราก็จะกลายเป็นที่เย้ยหยันของใครๆได้นะขอรับจางแห่งจึงพูดว่าเฮ้ยอย่าแปรรูปแบงอะไรจนเกินการไปถึงขนาดเลย หากเป็นเช่นนี้แล้วชันไหนจะลืมตาอ้าปากอย่างคนอื่นเขาได้หากเจ้าไม่อยากก็แล้วไปแต่คืนนี้ข้าจะไปของข้าเองเฮ้ยกูไม่ง้องก็ได้เว้ยบาทท้อไวะหัวก็ไม่ล้านสึกน้อยใจอีกบาทท้อผู้ชายกูนี่มันยังไงวะเนี่ยไม่พักที่จางชุนจะอ้อนวอนอย่างไรอย่างไรก็ไม่ได้ผลคืนนั้นจางเฮงก็ไพ้่ผลของตนขึ้นเรือไปกว่าห้าสิบลำ แต่ละลำมีทหาร 4-5 ห้าคนแต่งชุดพรางเพื่อการปล้นข่ายใช้เพียงเหล่าไม้ไผ่กับดาบสั้นดวงจันทร์สาดแสงสลัวเลื่อนรางต้องหยุดน้ำค้างเย็นยาเยียบตอนยามสามท้องน้ำเงียบสงัสดเรือเหล่านั้นก็ตัดเข้าหาตะลิ่งอย่างเงียบกริบกวนเชงนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างตะเกียงดวงหนึ่งในกระโจมกลางนายทหารชั้นประทวนที่ยืนยามอยู่ด้านหน้า ก็เข้าไปรายงานว่าไรนอดเรือเล็กเร้าสี่สิห้าสิลำแอบเล็กนอดเข้ามาในคุ้งน้ำเราจนพวกนั้นใช้เหล่าไมา้เป็นอาวุธพากันมาส้มอยู่ที่ชายน้ำเราไม่ทราบว่าพวกมันจะมาทำอะไรขอรับกวนเชงเสยะยิม้มหันไปนกระซิบในทหารบัญชาการในกระโจมสองสามคำจางเฮงพัทหารโจนสองสาร้อยคนนั้นย่องจากปากปกชายน้าเข้าประชิดตีนค่าย ประจงแบกรู้ออกเป็นช่องแล้วคลานตรงไปยังกระจมบัญชาการก็เห็นกวนเชงนั่งรูปคราอ่านหนังสืออยู่ใต้แสงตะเกียงเฉยอยู่จางชุนถมเข้าไปในกระจมสีหน้ากระยิมมือกำลเหล่าไม้ไผ่แต่ทันใดนั้นเสียงกลองจากฝ่ายรัฐบาลก็ประคมขึ้นอึงคันึงพร้อมด้วยเสียงปูตะวัดกึกกล้องปานฟ้าถล่มดินทลายภูเขาและแม่น้ำทั้งสายยุบตัวทหารรัฐบาลที่ซุ่มอยู่ทั้ง4ด้านก็กรูกันเข้ามาไม่มีผู้ใดในพลจนทั้งสามรจะหนีทัน ถูกจับมัดจนหมดแล้วถูกผลักมาที yup> essions, uh ่หน uh ้ากระจมใหญ่วนเชงเพ่งดูเฉลยเหล่าน uh ั้นแล้วหัวรอ่ฮ่าอุยไอ้พวกขบวน้ากฎหมายไอ้พวกโศครกล้าดนี้มาล่วงเกินกูถึงท่หนีเฉยหรือฮะอุว่าแล้วก็ให้อาตัวจังเฮงไปใส่เกวียนขัง ส่วนที่เหลือก็ขังเอาไว้ในกรงธรรมชาติตั้งใจว่าเพราะจับส่งเจียงได้ก็จะเอาตัวทั้งหมดไปส่งมอบที่เมืองหลวงตะวันออกหาความดีความชอบนั่นเองในเวลาเดียวกันขณะที่สามพี่น้องตระกูลหยวนกำลังนั่งปรึกษาหารือกันในป้้มค่าชาชยน้ำว่าจะส่งคนรอบออกไปขอคำสั่งจากส่งเจียงอยู่พอดีจางชุนเข้าไปหาและพูดขึ้นว่า เฮ้ย hey, ถึงข้าจะอ้อนวอนพี่จางเฮงไม่ให้ไปปล้นข้ายกวนเชงอย่างไรอย่างไรก็หายอมฟังไม่จนถูกเขาจับขังเกวียนเอาไว้เฮ้ยยวนที่เจ็ดอุทานออกมาว่า mm. ฮะพวกเราล้วนสาบานจะเป็นจะตายจะร้ายจะดีก็จะร่วมกันทั้งสิ้นแต่ท่านเป็นถึงน้องชายร้วนสายโลหิตฉนันไหนจึงปล่อยให้เขาถูกจับหากท่านไม่คิดช่วยพวกเราสามพี่น้องตระกูลยวนจะไปแองเฮ้ย hey. จ้างชุนจึงเอ่ยขึ้นว่าหากไม่มีคําสั่งข้าก็ไม่กล้าเคลื่อน ไ, วไอหวใดๆทั้งสิ้นยวนที่เจ็ดก็เอิดขึ้นว่าหากขืนรอคําสั่งพวกมันไม่แคล้วจะสักออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจริงทีเดียวพี่รองที่ห้ากับพี่ใหญ่ที่สองก็เห็นด้วยจางชุนไม่อาทับทานจำปล่อยให้พวกเขาบังคับให้รับปากคืนนั้นพายามสี่บรรดาหัวหน้าป้อมค่าชัยน้ําทั้งหลายทั้งสิ้นไม่วันเล็กหรือใหญ่ ได้รับมอบหมายให้คุมเรือน้อยร้อยกว่าลำกางใบตรงไปยังค่ายกวนเชงในบัรดลภายใต้สายตาของหน่วยยามฝั่งระวังหน้าทับโจนที่ยกลงเรือมานั้นมีมากอย่ากับมดปลวกพอเข้ามาใกล้จะถึงฝั่งทหารยามก็เรียบเข้าไปรายงานขุนพลนงานใหญ่หลังจากได้รับรายงานกวนเชงก็ร้องขึ้นว่าเฮ้ยไอ้พวกท่าสะทุนตระกูลเงาเอ้ย S 1> <S 1> <S ว่าพลางก็หันไปนกระซิบสั่งการอีกสองสามคำสามพี่น้องตระกูลหยวนนำหน้าจางชุนคุ้มกองระวังหลังไพรพนโจรทั้งหมดก็กูตะโกนถมเข้าใส่ค่ายแต่พอหลุดเข้าไปได้กลับไม่เห็นมีใครอยู่เลยสักคนพี่น้องหยวนตกใจรีบหันหลังกลับฉับพลันสิ่งของหน้าค่ายก็ประคมขึ้นทหารม้าและทหารราบของรัฐบาล แบ่งออกเป็นแปดกองก็ล้อมกันเข้ามาจากทางซ้ายทางขวาช่เหมือนหนึ่งไม่กวาดเหล็กกับถังบุญเต้าขนาดมะฮืมาจางชุนสำเน็ตถึงภัยที่จะมาถึงก็กระโดดหนีลงน้ำสามพี่น้องตระกูลหยวนวิ่งหนีไปตามทางที่ตรงไปยังชายฝั่งพวกที่ไล่ตามก็มาทันทั้งทศขอกับวงบาทก็สาดกันออกมาคร่าเอาตัวผีมาเกิดหยวนที่เจ็ดลากออกไปลี่จุนมังกรกลางน้ำเชี่ยวถงเวยกับถงเหมงิงถมออกไปช่วยหยวนที่สอง ที่ห้ากับจางชุนเอาไว้ได้โดยไม่คิดชีวิตกองเรือทางน้ําก็รีบขึ้นไปแจ้งข่าวดังกล่าวบนเขาเล็นซานริวถังบอกจางชุนให้ว่ายน้ําข้ามไปแจ้งเรื่องนี้กับถังส่งเจียงที่ค่ายส่งเจียงรีบนําความไปหารือกับบูหยงถึงวิธีที่จะตีกวนเชิงให้ถอนตัวกลับไปบูหยงเอ่ยขึ้นว่าการศึกต่อไปนี้ทั้งทีต้องแตกหักจะแพ้หรือชนะ ก็คงได้เห็นกันในเร็วๆวันนี้แล้วขอรับก่อนที่คำพูดเหล่านั้นจะทันสิ้นสุดลงพวกเขาก็ได้ยินเสียงกลองย่ำขึ้นปานฟ้าร้องชวนซานพระสวามีผู้อาภัพก็นำทัพทั้งสามด่านหน้าตีตรงเข้ามา โจรเคลื่อนพลนออกไปต่อยุดขุนพลชวนสารปรากฏกายขึ้นดึงม้าหยุดอยู่ใต้ร่มธงฝ่ายตนท่งเจ้ยงเอ๋ยขึ้นว่าพูดใดจะออกหน้าไปจับไอ้ถอยผู้นั้นหัวรลวงกระตุ้นม้าถงเขาตีชวนสารควงกระบี่ออกรับมือทั้งรุกทั้งรับทั้งสองขับเขี้ยวทั้งซ้ายทั้งขวาทิกขันหันเฮียน จนกระทั่งครบสิบเพลงเต็มๆหัวหลงสร้างทำถอยเทหัวม้าควบหนีชวนสารไล่ตามกระชั้นเข้าไปเรื่อยๆหัวหลงเอาห่อของตัวสอดเก็บเข้ากับห่วงอ่านมา้าดึงคันธนูกับเกาทันขึ้นพาดสายเอียวตัวกลับเยียดแขนเหล็กออกปล่อยลูกดอกดีดลุจจากแหล่งตามไปชวนสารได้ยินเสียงสายธนูดั้นดังผึง่งขณะที่ลูกดอกพุ่งเข้าหาเป้าพระสวามีผู้อภัพก็งัดกระบี่ขึ้นบังตัว เกาทันดอกนั้นพอต้องคมกระบี่ก็ฉลบออกไปหัวหลงขึ้นเกาทันดอกที่สองตอนนั้นคู่ต่อสู้ใกล้จะประชิดตัวเต็มทนอดีตผู้บังคับการแห่งป้องลมใสเล็งไปที่หน้าอกคู่ต่อสู้แล้วประจงปล่อยมือชวนสารก้มตัวลงติดอานลูกดอกลูกนั้นก็ปริวผ่านไปในอากาศแต่พระสวามีให้ประทับใจในฝีมือยิงธนูของนายจรผู้นั้นจึงเลิกไล่ เพิ่งบังเห็นม้าควบกลับไปยังแนวรถของฝ่ายต น, ห, นหัวหลงเหหัวม้ากลับให้ตามไปบ้างพลามดิดเก่าทันดอกที่สามเข้าใส่แผ่นหลังลูกดอกปักเข้าที่เกราะเหล็กกลางแผ่นหลังของผู้การทหารล้อมวังกระดอดออกไปไร้พิษสงชวนซานกลับมาถึงที่มั่นฝ่ายตนรีบส่งพลเดินสารไปรายงานกวนเชงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นขุนพลเงาใหญ่เรียกหาม้าสึก จับง้าวกระโดดขึ้นขี่แล้วควบออกไปที่แนวหน้าหยุดม้าอยู่ที่ท่าร่มธงของฝ่ายตนส่งเจียงพอได้ทัศนาก็เอ่ยปากชมหน้าตาท่วงท่าอันสง่างามของกวนเชิงให้หูหยงฟังเงี ย, งยบๆแล้วหันไปบอกบรรดาแม่ทัพในกองคนอื่นๆของฝ่ายตนว่าว่าคุณพลผู้กล้าสมนักสมหนากับศักดิ์ศรีแห่งชายชาติทหารอันเกรียงไกร ลิ้นชงได้ฟังก็โกรธแล้วพูดขึ้นว่าอุยม้วนหมู่พี่น้องของเราทั้งหลายทั้งสิ้นตั้งแต่ขึ้นเขาเลียงซานมาก็สู้รบในศึกอันล้วนนำมาซึ่งเกียรติภูมินับได้หกสิบเจ็ดสิบผลท่านพี่มาเปรียบเปรยเช่นนี้กระไรเลยช่างดูมินทินแพนกันนักว่าพรางก็กระตุ้นม้าระาหอออกหน้าขุนพลน้าวใหญ่ก็ตะหวดออกไปว่าเฮ้ย<ะ>ไอ้จ้ไใ้บึงเหช่นไหน พวกมึงจึงกล้ากบฏต่อราชาสำนัก อ, อู้ขอท้ายส่งเจียงให้ออกมาดวลกันตัวต่อตั ว, ตวให้ตายกันไปข้างหนึ่งคนอื่นไม่เกี่ยวฮนักเริงซะด้วยวนเชง น, นี่นะมาแบบเดียวกับวนอูเลยส่งเจียงยืนม้าอยู่ใต้ร่มธงก็สั่งให้หลินชงหยุดแล้วตัวก็เคลื่อนมาขึ้นไปข้างหน้าพอไปถึงก็โค้งคารวะให้ แล้วเอ่ยขึ้นว่าพ่อสรงเจียงเจ้าพนัก ง, งานชั้นผู้น้อยจากตำบลยุ่นเชงข้ามาขอกราบกราทพระขุนพลโปรดได้สั่งสอนข้าให้หูตากว้างไปด้ดวยเถิดกวนเชงจึงเอ่ยขึ้นว่าเฮียเจ้าพนัก ง, งานชั้นผู้น้อยอย่างเจ้าเหตุฉันไหนจึงคิดริษ อ, อาหารกบฏต่อรัชบาลังทรงเจียงตอบว่าองค์พระเจ้ากระ พ, พัดถูกเพชรทูลเอาอำนาจไปมอบให้พวกขุนนางกลางฉิน กับไอ้พวกเจ้าพนัก ง, งานที่กดขี่บีทับประชาชนบรรดาพี่น้องของเรากับตัวข้าเพียงใครจะกระทำตามบัญชาสวรรค์จงรักทักดีต่อองค์จกักรพรรดิหาไม่เจตนาร้ายอื่นใดไม่เลยขอรับกวนเชงจึงพูดว่าในตอนนี้ทหารของพระองค์ไม่อยู่ต่อหน้าพวกมึงแล้วแต่พวกมึงก็ยังกระด้างกระเดือนปากปราสายแบบนี้หลอกใครไม่ได้รอกเฮ้ ลงมาแล้วมาสีโรรากเสียดีๆไม่เช่นนั้นกูจะทุบตีให้ป่นไปให้แหลกเป็นเส็จเนื้อสัเลยเฮ้เจ้าอาสนีบาทฉินหมิงก็ให้เดือดดานกลายกระบองฟันหมาป่ากระโดดขึ้นอ่านมา้าแล้วควบออกหน้าขุนพลเงาใหญ่ก็สื่อมาออกรับลินชงกลัวว่าจะเสียโอกาสในการหาชื่อเสียงก็โถมม้าเขาตีด้วย สมคนสู้รบกันไปในฝุ่นทุ่ีที่พระคุ้งกระหนึ่งว่าจะปั้นรูปภาพที่เขียนบนกระดาษไถลล้อมคมไปหมุนเวียนไปไม่ชิ้นสุดซ่งเจี้ยงเกรงว่าฝ่ายตนทั้งสองจะทํากวนเชงบาดเจ็บจึงสั่งคนแตรให้เป่าสัญญาณถอยทับลิ้งชงกับชินหมิงก็รีบกลับที่ตั้งคุณพลทั้งสองกล่าวว่าเฮยเรากําลังจะจับไอ้หมอ น, นั่นอยู่พอดีเหตุฉันไหนท่านจึงได้เรียกกลับเลิกทํามาเสียเล่าเฮย ส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าน้องพี่ที่เรารบเพื่อป้องกันตนนั้นนับว่าชอบแล้วเราไม่ควรใช้กำลังไปรังแกคนอ่อนแอกว่าหากพี่ใช้สองท่านไปจับเขาเพียงหนึ่งเดียวก็จะไม่ยอมรับว่าแพ้ด้วยชอบวงชนก็จะพากันเยอะหยันพี่ถือว่าท่านผู้นั้นเป็นขุนพลผู้กล้าเป็นขราชบริาพารผู้พักดีมีความสามารถเป็นทายาทสายตรงซืบต่อลงมาจากองค์เทพบรรพชนหากท่านจะยอมขึ้นเขา พี่ก็จะยินยอมมอบตำแหน่งหัวหน้าให้ใน่จนทั้งสามได้ฟังก็ยิ่งไม่พอใจใหญ่ในวันนั้นทั้งสองฝ่ายก็ถอนตัวกลับค่ายวนเชงกลับมาถึงค่ายลงม้าแล้วถอดเกาะครุ่นคิดอยู่ในใจว่าหมเรารับมือคุนพลข้าศึกทั้งสองนั้นไม่ไหวใกล้จะแพ้อยู่แล้วแต่ส่งเจียงกลับเรียกคนทั้งสองกลับให้สงสัยนักทาไมถึงทาเช่นนั้น จึงสั่งให้เอาเกวียนที่ใส่ตัวย่นที่เจ็ดกับจางเหฮงเข้ามาหาแล้วซักว่านี่พวกเจา้าขาถามหน่อยส่งเจียงเป็นแค่เจ้าพนัก ง, งานชั้นผู้น้อยประจําตําบลยุ่นเชิงเหตุไฉนไหนพวกเจา้าจึงพิโนกพิถเฒารับใช้เขาเช่นนั้นยุนที่เจ็ดย้อนกลับไปว่าท่านพี่ของเราชื่อเสียงกึกก้องเกรียงไกร ไปทั่วทั้งสารตรงกับเหอไปยเขาได้ชื่อว่าฝนทั่วฟ้าผู้พิทักษคุณธรรมไอเด็กเมื่อวนซื้ออย่างเจ้าฉันไหนจะไม่รู้จักฮะรุกวนเชงคอตกไม่ได้ตอบอะไรไปสักคำสั่งให้เข็นเกวียนทั้งสองเล่มออกไปคืนนั้นนั่งอารมณ์เสียคนเดียวอยู่ในกระโจมจะพักก็ไม่ผ่อนจะนอนก็ไม่หลับให้กระใสกระสับเดินออกไปนอกกระโจมแงนหน้ามองแผ่นฟ้าที่อับแสงจันจันจ้า ยามนั้นน้ำค้างแข็งริดดินขึ้นมากลบพื้นด่างผืนหญ้าเต็มพืชไปสิน้นกวนเชงทอดถอนใจทันใดนั้นแมวมองผู้หนึ่งก็ปรีเข้ามารายงานรายงอนครับท่านกวนเชงขุนพลไว้คขาผู้หนึ่งถือเพียงแส่ปัดยุงขี่ม้ามาเพียงลาพังจะขอเข้าพบท่านขอรับกวนเชงจึงย้อนถามไปว่าเอา้าเจ้าถามเขาหรือเปล่าล่ะว่าเขาเป็นใครอ่ะ อุ้ยลืมเลยขอรับก็ท่านผู้นั้นน่ะไม่ผูกเคราะห์ไม่ถืออาวุธไม่ยอมบอกชื่อแสงอกแต่เพียงว่าต้องการพูดกับท่านแม่ทัพใหญผู้ดเดียวขอรับแม่ทัพเล็กไม่เอากวนเชิงจึงว่าเอา้ยถ้าเช่นนั้นก็ไม่พาท่านผู้นั้นมาหาข้าได้แล้วไปอุ้ยชักช้อยู่ได้ท่านผู้ฝั่งที่ขอ ร, รบับกองทัพของกวนเชิงและพักพวก จะสามารถขึ้นไปทำลายล้างกองโจรเขาเหลียนซานได้หรือไม่ฟังบทต่อไปหากใครจะรู้ ไปพาบุรุษผู้นั้นเข้ามาในกระโจมภายใต้แสงตะเกียงกวนเชีงให้นึกคลับใครลับใครอย่างบอกไม่ถูกก็เลยเอิดปากถามชื่อแสในทหารผู้นั้นเอิดปากขึ้นว่าเออโปรดไล้ทหารพวกนี้ออกไปก่อนนะขอรับกวนเชีงหัวเราะแล้วเอิดขึ้นว่าฮ <c oughs> าฮแม่ทับใหญ่ไม่มีหัวจิตหัวใจไปหนึ่งเดียวกับใครพลแล้วล่ะก็ <c oughs> จะไปปกครองผู้คนแบบนี้ได้เช่นไรไม่ว่าจะอยู่นอกหรือในกระโจมไม่ว่าจะมีตำแหน่งสูงหรือต่ำพวกเรารู้จักกุมความลับเชิญท่านพูดได้เต็มที่เลยขอรับนายทหารผู้นั้นจึงแนะนำตัวว่าเออข้าน้อยมีนาม ว, ว่ากูเวินโจเคยเป็นผู้บัญชาการทัพม้าเหล็กแห่งจักรวรรดิที่ยกมาตีบึงเหลือนสันเมื่อคราวก่อนแต่ถูกลวงด้วยเละลุกไม่ได้จนต้องเพียงพล้ข้าน้อยไม่สามารถ แบกหน้ากลับไปถวายรายงานแด่องค์พระจกักรพรรดิท่านแม่ทัพพอได้ทราบข่าวว่าท่านมาข้าน้อยดีใจเป็นยิ่งนักที่สนามรบเช้าวันนี้ทรงเจียงเห็นว่าลิ้งชงกับฉินหนิงกําลังจะได้ตัวท่านอยู่แล้วจึงเรียกกลับด้วยเกรงว่าท่านจะได้รับบาดเจ็บท่านทรงเจียงผูน้นี้ไม่จิตใจสวามิพักแด่องค์พระจกักรพรรดิมานานแล้วแต่นายโจนคนอื่นๆไม่เห็นหามตามไปด้วยข้ากับท่านทรงเจียงหาเรือกันอย่างลับๆถึงวิธีที่จะบีบบังคับคนเหล่านั้น ท่านแม่ทัพหากท่านจะยินยอมพร้อมใจคืนพรุ่งนี้ติดคันธนูเบากับเกาทันสั้นขี่ม้าฝีเท้าจัดรัดเลาะไปตามทางเล็กตรงไปยังค่ายพวกนั้นจับตัวหลิ้มชงกับนายจอนคนอื่นๆเอาตัวไปส่งเมืองหลวงตวันออกไม่เพียงแต่ท่านจะได้ความดีความชอบนะขอรับแต่ท่านทรงเจียงกับข้าน้อยก็จะพร้อยได้รับพระราชทานอภยัยโทษเป็นอนันิสงส์ตามไปด้วยก ว, วนเชีงให้ยินดียิ่งนัก รีบเชิญผู้วินโจดื่มอดีตขุนพลผู้ประชาการทัพม้าเหล็กย้ำอีกว่าส่งเจียงนั้นหมกมุ่นครุ่นคิดแต่จะสวามิภักด์แต่โชคร้ายต้องมาตกอยู่ใต้ชุมชนวนเชงเอามือลูเคราไปพรางรินสุราไปพรางทั้งสองสนทนาสวนเสให้หากันไปปราศจากความระแวงแคลงใจใดๆทั้งสิ้น วันรุ่งขึ้นส่งเจียงกระดมทับลงสนามรบอีก <hairy! S 1> กวนเชงเอ่ยกับผ <Ooh. S 1> ูว Marc, ้วิญโจว่าคนนี้เราจะใช้แผนตามที่เดิมวางเอาไว้แต่ก่อนอื่นวันนี้เราจะต้องล้มแม่ทัพระดับสูงของฝ่ายมันให้ได้สักคนสะกคนผู้วิญโจวก็ผ <Hey. S 1> ูกเกาะที่ยืมมาขึ้นม้ามุ่งตรงไปยังสนามรบพร้อมกับกวนเชงพอส้มเจียงหันมาเห็นข้าเต็มตาก็อุทานออกไปว่าเฮ้ย พ่อยังไม่เคยทำอะไรให้ต่ำกว่าฐานะที่เจ้าควรจะได้แฮตชันไหนจึงได้แอบหนีไปกลางดึกวะเนี่ยฮะเุ้ยฮูเวินโจวตาวาดกลับมาว่าเฮ้ยไอ้จอไพลมืองมันไม่มีค่าใดๆเลยส่งเจียงจึงส่งขุนพลห่วงสินผู้เหยียบสามดอยเดืองออกรบห่วงกุมกระบี่ทวงวิญญาณกระโดดขึ้นมาฟาตรงมาที่หูเวียนสองม้าสุดประทะสองขุนพลก็สึกเขา้าศัพประยุทธ์ สู้กันไม่ทันถึงสิบเพลงผู้เหวียนก็เหนื้อกระบองข้างหนึ่งหดหวงร่วงไปกับพื้นคนฝ่ายสรงเจียนรีบบุกเข้าไปคว้าตัวห่วงกลับมาด้วยความดีใจกวนเชงก็สั่งทัพทั้งสามของฝ่ายตนรุกเข้าสังหารข้าสึกผู้เหวียนโจร้องห้ามเอาไว้ว่าอย่าได้ทําเช่นนู้นไอ้บูหยงคนสาานคงจะต้องซ่อนมากอะไรเอาไว้แน่หากเราตามไล่ไมีผลต้องเจอกับดักกวนเชงรีบเรียกทัพ แล้วพากันยกกลับค่ายกวนเชงผ้าหูเหวียนไปดื่มกินกันที่กระโจมใหญ่ไทถามถึงหัวงเศิลคู่เหยียบสามดอยเดืองหูเหวียนโจเล่าให้ฟังว่าเดิมทีขุนนางทหารชั้นผู้ใหญ่ในองค์พระจักรพรรดิผู้นี้เป็นถึงผู้บัญชาการกองทหารพิทักษ์ชิงโจมันกับฉินหมิงและหัวหงไปเข้าพวกเป็นโจรพร้อมๆกันการฆ่ามันวันนี้เท่ากับเถือคนดาบของพวกมันให้ถือเพราเราแอบป้อนค่ายมันในคืนนี้ ข่ามั่นใจว่าเราจะต้องชนะแน่ๆกวนเชงได้ฟังก็ให้ดีใจใหญ่สั่งชวนซานกับหาวซื่อเหวนินให้คุมกองหนุนไปคนละกองส่วนตัวเองก็นำผลห้าร้อยม้าติดคันธนูเบาเก้าทันสั้นด้วยมีหูเหวินโจนำทางเดินทัพออกไปตอนยามสองกะให้ถึงกลางค่ายใหญ่ของส่งเจี้ยงในยามสาม พอได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นเป็นสัญญาณก็ให้ทับทั้งสามโจมตีรัดกันทั้งจากภายในและภายนอกคืนนั้นเดือนหายแสงจันทร์ส่องสว่างราวกลางวันพอตกค่าพวกเขาก็ผูกเกาะปลดกระพรววออกจากบางเหียนมานา้าบรรดาไพรพลได้รับแจกเครื่องมือสำหรับป้อนไข่ทุกคนขึ้นมา้ากัดกิ่งไม้เอาไว้ในปากป้องกันเสียงหูเหวียนนาหน้าค น, น, นอื่นๆก็ตามไป ผ่านเส้นทางวกวนบนไหล่เขาไปได้ครึ่งชั่ว ย, ยามทหารสักสี่สิบห้าสิบคนที่ซุ่มอยู่สองฝากทางก็โผล่พรวดขึ้นมากระชิบกระซาบกันว่านั่นท่านขุนพลหูเวียนหรือไม่ใช่เฮ้ยจะเสียงดังไปฮูเวียนตอบอย่างโกรธตามหลังม้าเข้ามาฮูเวียนขี่ม้าไปข้างหน้ากวนเชงตามหลังแล้วพากันล่วงเข้าไปในช่องเขาแห่งหนึ่งหูเวียนเอาหอกชี้ไปให้ดูคมสีแดงดวงหนึ่งที่สว่างอยู่ลิบลิ วนเชงชักม้าหยุดแล้วถามออกไปว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนหรือผู้เหวียนยังคงชักม้าไปข้างหน้าแล้วตอบว่าทับหลวงของซ่งเจี้ยงขอรับขณะที่ทั้งสองใกล้โคงไฟดวงนั้นเข้าไปทันก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่ระเบิดขึ้นดังกึกก้องเรื่อคิดว่าเป็นสิ่งสัญญาณวนเชงกับทหารมาที่ตามมาด้วยก็ถกเข้าตีแต่พอเข้าใกล้ดวงไฟกลับไม่มีใครแม้แต่ผีสักตัว ฝ่ายฮูเวียนนั้นหายหัวไปไหนไม่รู้กวนเชงให้ตกใจด้วยนึกว่าเสียรู้ซะแล้วแลว้วก็รีบชักม้าหันหลังกลับคนเขารอบๆเสียงของกลองก็ประคมกันให้ลั่นบรรดาทหารพากันเบียดเสียดยิงแย่งกันหนีตายทุกทิศ ท, ทุกทางกวนเชงรีบควบมา้าหนีกลับออกมาทางช่องเขามีเพ er ียงทหารไม่กี่คนเท่านั้นที่ <sheets> <ข>ควบตามมาที่ราวป่าละเมะด้านหลังหุนใหญ่อีกนัดหนึ่งก็ดังไล่ตามติดมา ถ้าอม้จํานวนมากก็ฉกออกมาจากป่าทุกทิศทุกทางลากวนเชงตกจากหลังมา้าออนน้ยทั้งเหาทั้งม้าถูกพวกโจรพาไปเกราะถูกถอดบรรดาจโจรพากันดุนไปยังค่ายใหญ่ฝ่ายลิ้นชงกับหัวหลงก็ตีสกัดกองหนุนของเหาวซื่อเหวินเมื่อถูกสองขุนศึกรุมสกัดเข้ามา ห่าวรบกับขุนพลทั้งสองได้ราวยี่สบสามสิบเพลงก็ <c oughs> รู้ว่าเรี่ยวแรงของตอนตกจึงหมุนตัวหนีนางกระบี่เหล็กสิบเสี้ขุนพลหญิงกระตุ้นม้าทะยานตามหลังเวี่ยงบวงบาดสีแดงเลือดนกคล้อมเอาตัวห่าแล้วกระตุกตกหลังมา้าพนเดินเท้าฝ่ายโจรกรูกันไปข้างหน้าจับเอาไว้แล้วคุมตัวไปยังค่าใหญ่ ในเวลาเดียวกันนั้นชินหมิงกับซุน ล, ลี่ก็เดิหารมาไล่ตามทับชวนซานไปบนถนนจนปะทะ ก, กันชวนซานชักม้าออกหน้าตวาดไปว่าไอพวกโจรบัดซบใครขวางตายใครหนีไปชินหมิงได้ฟังก็นบรรดาลโทษสัต์กระตุ้นม้าออกหน้าเหยียดกระบองฟันหมาป่าขนานพื้นเสมอไหลโถมเข้าใส่ชวนซานจนสุดกำลังสองม้าศึกรุกเข้าประชิด สองขุพลต่อตีกันไปหลายเพลงสุนลี่ก็ค่อยๆขยับม้าเข้ามาจาับทางด้านหลังชวนซานเห็นเข้าก็ให้พวักพวงสมาธิแตกสาัานลืมสิน้นวิทยายุทธที่ได้ฝึกปรือมาจึงถูกกระบองฉินหมิงฟาดตกลงจากหลังมา้ทาทับโจนทั้งสามกลุ่มให้โหร้องและกรูกันเข้าจับมัดขณะที่เหตุการณ์เหล่านี้ดาเนินไปลี่หญิงอินสิทิยานฟ้า ก็นำกำลังทัพใหญ่เข้าตีค่ายกวนชเชงปล่อยจางเฮงหังหวที่7็และบรรดาสมุนโจนทางน้ำที่ถูกจับเอาไว้ยึดได้สเสบียงกลางของทั้งคนทั้งมา้าและสยกทัพพ่ายให้ยอมจำนวนลงได้มากมายนักพอเช้าส่งเจียงก็ยกทัพโจนทั้งหมดข้ามน้ำขึ้นเขาล่วงหน้าไปเพราะเห็นแสงอรุณสว่างอยู่รงๆางทางตะวันออกส่งเจียงกับบรรดาในโจนทั้งน้อยใหญ่ก็พากันขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ ดหลั่นประจำที่อยู่ในหอธรรมพักดีจนสิน้นกวนเชงชวนซานกับห่าวซื่อเหวินถูกนำตัวเข้ามาส่งเจียงรีบลุกลงมาจากเก้าอี้บนยกพื้นไลท่ทหารยามออกไปแล้วลงมือแก้มัดให้ขุนพลทั้งสามประคองพากวนเชงไปนั่งเก้าอี้สูงสุดตัวกลางแล้วซุบตัวลงโขกศีรษะเอ่ยขึ้นว่าคนโทษผู้ต่าต้อยผู้นี้บังอาจล่วงเกินบุญบา ร, รมีของใต้เท้าแล้วกล่าวด้วยความเคารพ น, นอบน้อมว่า ข้าน้อยใครจะมาขอขมางูงเวียนโจรรีบสืบเทาวก้าวออกมาแล้วพูดว่าส่วนตัวข้าน้อยจำต้องทำไปตามสั่งจะให้บิดผิวนั้นไม่ได้ใครวิงวอนท่านขุนพลได้โปรดให้อภัยในพฤติกรรมที่เสแส้งแต่งอุบายครั้งนี้ด้วยเถิดกวนเช็งให้งวงงวยไปดยคุณธรรมน้ำมิตรของประดาในจรทั้งหลายจึงหันไปหารือกับชวนซานและห่าซื่อเหวนว่า เฮ้ยพวกเราตกเป็นเชลยเขาแล้วจะทํายังไงดีวะเนี่ยทั้งสองก็ตอบขึ้นว่าเฮ้ยก่นแล้วแต่ใต้เท้าจะตัดสินใจเถิดขอรับพวกเราอะยังไงก็ได้กวนเชียงจึงหันมาเอ่ยขึ้นว่าโ อ, อ้พวกเราไม่มีหน้ากลับเมืองหลวงตะวันออกได้อีกแล้วขอตายอย่างฉับไวด้วยเถิดขอรับซ่งเจียงจึงตอบว่าเออฉันไหนจึงได้พูดจาเช่นนั้นด้วยเล่าหากไม่ดูเบาว่าเราต่ำใต้ จะไม่มาร่วมกระทำการตามคลองสวรสด์ด้วยกันเสียเล่าหากไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรเราจะคุ้มกันพวกท่านกลับเมืองหลวงเสี็จในวันนี้แหละกวนเชงจึงว่าเออผู้คนเขาเรียกขานท่านว่าส่งเจียงผู้สื่อสัตว์และจงรักภักดีช่างสมคำร่ำลือเสียจริงๆท่านธรรมดาคนจริงจ้องต้องตอบแทนคนจริงในเมื่อข้าเองจะคืนบ้านก็ไม่ได้จะกลับไปกิดตำแหน่งเก่าก็ไม่มีให้อีกแล้วพวกเรายินดีรับใช้ ขอเป็นเช่นไพร่าราบพลแล้วผู้หนึง่งทรงเจี้ยงยินดีนะักวันนั้นก็สั่งให้มีงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเอิกเกริกและส่งคนกระจายกันลงไปบอกทหารรัฐบาลที่แตกพ่ายเหล่านั้นว่าหากสวามิพักจะได้รับการปฏิบัติด้วยดีมีทหารรัฐบาลเข้ามาในการนี้ราวหกเจ็ดพันคนส่วนที่เหลือได้รับการปล่อยกลับสำหรับทหารที่ทุกพลภาพหากมีครอบครัวก็ได้รับเงินทองและส่งตัวกลับบ้าน เสียหยงถูกส่งลงเขาถือหนังสือไปอยังผู้ตรงพาครอบค ร, บรัวของกวนเฉิงขึ้นเขาเรื่องนั้นเราจะไม่เล่าต่ออีกนะครับวูหยงปลอบว่าเออยัาได้เสียใจยไปเลยขอรับจงระดมศักพะกำลังเข้าตีต้าหมิงซะเดี๋ยวนี้คราวนี้ไปต้องสำเร็จอย่างมั่นคง กวนเช่นผุดลุกขึ้นแล้วเอ่ยขึ้นว่าอฮยเพื่อสนองคนที่ไม่ขาดต่อีข้าจะขอนำทัพหน้าไปเองส่งเจี้ยงให้ยินดียิ่งนักรุ่งขึ้นก็สั่งคืนไพร่พลให้ชาญซวนกับห่าซื่อเหวินไปบัญชาการมอบหมายงานให้เป็นทัพหน้าไม่มีแม่ทัพในกองผู้ใดที่ไม่เต็มใจจะยกไปตีเมืองหลวงบนโทนลุดรนรีจุนกับจางซุนได้รับคำสั่งให้ยกทัพเรือติดเกราะตามไป ทั้งหมดก็พากันทยอยออกเดินทางไปตามลำดับที่ได้รับมอบหมายภายในนครต้าหมิงผู้ว่าเหลียงนั่งดื่มเหล้าอยู่กับผู้พันโสเจ้าฉลองที่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บดีแล้ววันนั้นผืนฟ้ามัวมนเสียงลมครวนครางดังวิววูคนตะเวนไกลผู้หนึ่งเข้ามารายงานว่าแข่งอ้นสวนสารกับขา่าซื่อเหมิน พร้อมให้ผลถูกต้องเจ้่งจับตอนนี้ไปสวามิภักดิ์กับฝ่ายนั้นสิ้นแล้วขอรับทับจับบึงเหลียงซานจะยกมาถึงที่นี่ในวันนี้ผู้ว่าเหลียงตาเลือกอ้าปากค้างตะเกียบหลุดมือจอกเล่าพัดหกตกพื้นโซ่เจ้าเอ่ยขึ้นว่าฮ่าาอุ้ยคราวก่อนไอ้พวกโจร น, นั้นฝากแถละนูเอาไว้คราวนี้แหละกูจะได้แก้แค้นเอาคืนบ้างา มาลเลยพวกมึงผู้ว่าเหลียงได้ฟังจึงกำนันโสดเจ้าด้วยสุราอุ่นๆและบัญชาให้นำกองทหารประจำเมืองออกไปต่อตีกับข้าศึกพลางสัง่งขุนพลหลี่เชงกับห ว, วนต้าให้ยกกองหนุนตามออกไปเวลานั้นเป็นกลางหน้าหนาวอากาศเย็นยะเยือกฟ้าพยับแดดเมฆแดงกลบที่คำพรจนมืดคลึ้มไปสิน้น สายลมพัดกร้่าควนคลางดังวีดหวิวโสเจ้ายกทับไปยังหุบเสือเหินแล้วลงค่ายวันรุ่งขึ้นส่งเจียงพร้อมได้รูปฟางกับโกเชงปีนมาขึ้นไปบนลานลง่งที่แง่าผาแห่งหนึ่งเพื่อเฝ้าดูกวนเชงรบลองใหญ่ย่มขึ้นสามครั้งกวนเชงชักม้าลงสนามนั่งั่งตรงข้ามโสเจ้าก็ปรากฏออกมาเห็นได้ชัดว่าไม่รู้จักกวนเชงผู้ช่วยคนหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นว่า ้นั่นไงเราขอรับไอ้ควนเชงขุนพลเงาใหญ่ที่ไปเข้ากับฝ่ายกบฏนะโ<ฮ>ุโ้ยโสดเจ้าไม่พูดอะไรก้มด้ามหอกแล้วควกมาเข้าใส่คู่ต่อสู้กวนเชงกลายเงาฟาดก้นม้าสวนตรงเข้าไปทั้งสองรบกันไม่ถึงสิบเพลงดีเชงก็เบียดแทรกเข้ามาเรื่องจากยืนมองอยู่กลางทัพแล้วเห็นว่าถึงโสดเจ้าจะใช้ขวานก็ยังไม่อาจเอาชนะกวนเชงได้จึงกวัดแกว้งอาวุธรถเข้าช่วย ชวนซานกับข่าวซื่อเหวนินต่างกระชับอาวุธเข้าช่วยขุนพลเงาใหญ่บ้างบัดนั้นในสนามรบก็กลายเป็นห้าม้าพันตู้นวลเนี่ยกันอยู่เป็นสิงคลีซุ้งเจี้ยงยืนม้าอยู่บนแง่าผาก็แซ่ชี้ออกไปข้างหน้าทับโจนทั้งทัพขยับเข้าร่วมยุทธทับของขุนพลรี่เชงถูกบดขยี้จนแตกพ่ายในคืนนั้นก็ถอยร่นเข้าไปในเมืองแล้วปิดประตูใหญ่เอาไว้ทับซุ้งเจี้ยงตามตีไปจรวดตีนกับแพงเมืองแล้วตั้งค่ายประจันกันในระยะใกล้ รุมขึ้นโสเจ้าพาทหารออกจากในเมืองออกมารบอีกวูยงสั่งการไปยังไม่ทับของฝ่ายตนให้แท้งทาทีเป็นออกรบแต่ถ้าฆ่าศึกบุกให้รีบถอยโสเจ้าเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นก็นึกว่าตัวชนะจึงยกทัพกลับเข้าเมืองพอตกค่ำท้องฟ้ามืดดำไปด้วยเมฆครึ้มที่ก่อตัวขึ้นอย่างปรุปรับสายลมกันโชกแรง ตอนที่วูหยงออกจากกระโจมมาหิมะโปรยปลายลงมาอย่างหนักเราหาฝนจอมายากลส่งผลเดินเท้าหน่อยหนึ่งตรงไปยังเส้นทางแคบๆสายหนึ่งที่ทอดตัวแทรกอยู่ระหว่างลำห้วยกับหน้าผาบัญชาให้ขุดหลุมดักมา้าเอาดินโรยหน้าไว้คืนนั้นหิมะยังคงตกหนักพอรุ่งเช้าทุกร่องรอยบนพื้นดินก็ถูกกลบฝังเอาไว้สิ้นใต้กองหิมะที่พอกหนากว่าสองสอก บรรดาพวกที่เฝ้าอยู่บนเชิงเทินก็เห็นด้วยตาว่าทัพส่งเจียงดูจะตื่นกลัวอะไรสักอย่างเรรวนระสาราสายเคลื่อนย้ายไปมาหยุกหยิกไม่เป็นอันอยู่สุขโซ่เจ้าเห็นดังนั้นก็ระดมทหารม้าสามรอยควบออกจากเมืองบรรดาให้พลเรียกถอนตัวแต่กระจายกันออกไปส่งเจียงสั่งรีบจุนกับจังเหงไม่ทัพเรือที่ติดอาวุธอย่างเบาให้ตรงเข้าต่อกรกับข้าศึกขณะเดียวกันก็ให้คอยรังบางเฮียนเอาหอกขวางอ่านพอเข้าใกล้ทัพโซ่เจ้า ก้อยเบียงสัตว์พราวุธออกข้างแล้วควบมา้าหนีไปทางกับดักด้ววิสัยที่เป็นคนบูมบามโสุนเจ้าก็ไล่ตามไปอย่างกระชั้นชิดพอไปถึงทางแคบๆที่ลัดเลาะไปข้างลําห้วยลี่จุนก็ทิ้งมา้ากระโดดลงไปในสายน้ําแวกว่ายไปข้างหน้าปากก็ตะโกนขึ้นว่าเฮ้ ย, ยพี่สงเจียงหนีเร็วพี่สงเจียงหนีหนีเฮ้ยไม่ทันแล้ว ผู้พันโสดเจ้าไม่ฟังอิราค่ายรมผลีพลามควบกมาเข้าไปในทางแคบๆสายนั้นบนไหล่เขาด้านหลังปืนใหญ่ก็ระเบิดขึ้นนัดหนึ่งทั้งมาทั้งคนที่แตกตื่นก็พลัดตกลงไปในหลุมที่ขุดดักเอาไว้บรรดาสมุนโจรที่คอยซุ่มอยู่ก็กรูกันออกมาล้อมแม้ผู้พันโสดเจ้าจะมีสามเสียนหกกอนก็ไม่อาจปัดป้องขมอาวุธที่ฉกลงมาเรียกบาดแผลในตัวไปได้เจ็ดแปดแห่ง ก็จริงอย่างว่าใต้พรมหิมะขาวคนเขาวางแล้วเอาไว้ดักเหยื่อเนื้อพื้นหิมะหยกระวังจะตกลุมพลางมีชะตากรรมอะไรหรือที่รอคอยโสเจ้าผู้พันธหลวงหน้าท่านนี้เชิญฟังบทถัดไปหากใครจะรู้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 บรรดาพวกที่เฝ้าอยู่บนเชิงเทินก็เห็นด้วยตาว่าทัพสุ่มเจียงดูจะตื่นกลัวอะไรสักอย่างเร่รวนระสามระส า, า, ายเคลื่อนย้ายไปมาหยุกหยิกไม่เป็นอันอยู่สุขสู่เจ้าเห็นดังนั้นก็ระดมทหารม้าสามอยควบออกจากเมืองบรรดาไพรพ ล, พลเรียบถอนตัวแตกกระจายกันออกไปสุ่งเจียงสั่งรียกจุนกับจางแห่งแม่ทัพเรือที่ติดอาวุธอย่างเบาให้ตรงเข้าต่อกองกับข้าศึกขณะเดียวกันก็ให้คอยรั้งบางเฮียนเอาหอกขวางอ่าน พอเข้าใกล้ทับโสเจ้าก็ให้เบียงสัตว์ราวด์ออกข้างแล้วควบมา้าหนีไปทางกับดักด้วืยอวิสัยที่เป็นคนบุ่มบามโสเจ้าก็ไล่ตามไปอย่างกระชั้นชิดพอไปถึงทางแคบๆที่ลัดลลอะไปข้างลำห้วยลี่จุนก็ทิ้งมา้ากระโดดลงไปในสายน้ำแวว่ายไปข้างหน้าปากก็ตะโกนขึ้นว่าเฮ้ ย, ยพี่ทรงเจี้ยงหนีเร็วพี่ทรงเจี้ยงหนีนีเฮ้ยไม่ทันแล้ว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 ช่วงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุดสองกลงจากบทประพันธ์ของซื่อในอันแปลโดยอาจารย์จรัสชัยเชี่วยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่ห5สิบห้ามีเชื่อตอนว่าเจ้าไก่เจ้าสวนย้ายใจดีเป็นผีมาเข้าฝันฟองขาวในเกลียวคลื่นล้างอายในสายถานส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ขอเชิญคุณผู้ฟังที่รัทกทุกๆท่านรับฟังได้นะบัดนี้ในที่สุดนะครับผู้พันโสเจ้าก็ถูกจับทหารม้าที่เหลือเดินหนีกลับเข้าเมืองผู้ว่าเหลียงวันหนีดีฟอสั่งห้ามแม่ทับในกองที่เหลือออกรบเป็นแต่คอยกวดขันรักษากำแพงเมืองเอาไว้ให้จงหนัก ใจหนึ่งคิดจะประหารลู่จนยี่กับซื่อชิวแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าส่งจียงจะโกรธหากราชสนักไม่ส่งกองทัพมาแก้โดยไวตัวก็จะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายดังนั้นจึงสั่งให้ขังทั้งสองในคุกไปพลางๆก่อนแล้วส่งคนไปรายงานขอรับคำบรญชาการจากสมุหานายกส่งจียงกลับค่ายขึ้นนั่งว่าการในกระโจมใหญ่สมุนโจนที่จับโส่เจ้าได้ก็พาเฉลยสึกลอดทงแม่ทัพมาข้างหน้า ด้วยความยินดีปรีดาเป็นยิ่งนักทรงเจียงสั่งให้โจมพวกนั้นถอยออกไปลงมือปลดเชือกล่ามออกด้วยตนเองเชื้อเชิญโสเจ้าเข้าไปนั่งในกระโจมแล้วจัดหาสุราให้ดื่มทรงเจียงเอ่ยขึ้นโดยไม่ตะกิดตะขวงเชิญพิษ ด, ดูพี่น้องที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายข่าที่นี่สิขอรับกว่าครึ่งเคยเป็นขุนทหารในราชสำนักเมื่อองค์พระจกกักรพรรดิถูกเพชรทูลประทานพระราชอำนาจให้พวกขุนนางกลงฉินขี่ช่อที่คอยกดขี่เบียดเบียนวีทาประชาชน พวกเขาเหล่านี้จึงได้ไปช่วยค่าปฏิบัติภารกิจตามบรรชาฟ้าหากท่านขุนทหารไม่ดูมินทินแคลนก็โปรดมาร่วมคันลองแห่งความซื่อตรงจงรักภักดีที่ชอบกับพวกเราได้เถิดอดีตราชจงรักอย่างซื่อก็ก้กาวออกมาข้างหน้าแล้วคาระวะให้พลางเล่าเรื่องราวให้โสเจ้าฟังว่าตั้งแต่จากกันในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง ทั้งสองกุมมือกันร่ำให้น้ำตาไหลาอาบแก้มสถานการณ์ก็เป็นไปอย่างที่ควรเป็นโส่เจ้าไม่มีทางออกนอกจากต้องสวามิภักด์เท่านั้นส่งเจียมให้ยินดียิ่งนักคืนนั้นก็พากันเฉลิบฉลองดื่มกินกันในกระโจมหลังนั้นพอรุ่งเช้าก็หาหรือวิธีที่จะตีเอาเมืองแต่ถึงจะตีวันแล้ววันเล่ายังไงยังไงก็หาได้เกิดมรรคผลใดๆ ไ, ดไม่ ส่งเจี่ยงให้กลัดกลุ้มในหัวใจนักคืนนั้นขณะนั่งอยู่แต่ผู้เดียวในกระจมหลังใหญ่รวมประหลาดขอบหนึ่งก็คนโชคเข้าใส่ไส้ตะเกียงลูปเ็วไฟจนเหลือติดไส้เพียงเมล็ดถั่วความมืดคลื้มกระด้างตัวเข้ามาในห้อง รูปรูปหนึ่งก็ปรากฏกายขึ้นในเงาดำซ่งเจียงเงยงหน้าขึ้นดูก็เห็นเป็นเจ้าสวรรค์ย้ายใจดีเจ้าไก่ยืนแก่ๆกลางๆอยู่ที่ปากประตูทางเข้ากระจบรูปนั้นเอ่ยขึ้นกับท่งเจียงว่าน้องพี่ฉันไหนยังไม่กลับบ้านกลับช่องมัวมาโอ้เอหาอะไรอยู่อีกฮะซ่งเจียงได้ฟังก็ให้พิศวงงงนันรีบยันกายขึ้นถามออกไปว่า ฮะท่านพี่ขอรับแล้วท่านพี่มาแต่ไหนหรือข้ายังไม่ทัดล้างอายชดใช้ความตายให้ท่านพี่ครั้นว่าจะให้ทําพิธีเส้นไหว้ก็ยังไม่ได้ทําสักกะทีให้ทุกใจตลอดทั้งวันยันค่ํานี่วิญญาณท่านพี่ปรากฏกายขึ้นมาด่าว่าข้าน้อยหรือขอรับเจ้าไก่ตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นดอกน้องพี่ท่านถอยห่างออกไปอีกหน่อยอย่าได้เข้ามาใกล้นัก กลิ่นมนุษย์จะทำให้พี่สำรักพี่เองไม่กล้าเข้าใกล้ท่านมากไปกว่านี้แล้วพี่มานี่ก็เพื่อบอกข่าวนี้เป็นการเฉพาะในร้อยวันท่านจะเจ็บป่วยด้วยเลือดลม้มมีเพียงมาปรปัตภีตนหนึ่งที่พอจะรักษาได้อยู่ที่ลำน้ำแยงซีทางที่ดีที่สุดที่ท่านจะทำได้คือรียถอนทัพกลับไปไวๆเสียส่งเจียงพยายามขอคาอธิบายสืบเท้าเข้าไปใกล้เอ่ยปากถามว่า ท่านพี่เป็นผีอุตสาจากยมโลกมาถึงนี่โปรดเล่าความจริงทั้งหมดให้ข้าน้อยทราบทีเถิดขอรับเจ้าไก่พงะถอยส่งเจียงเองก็พลอยพงษ์ตื่นเหมือนฟื้นจากฝันตะกกนบอกสมุนจนชั้นประทวนให้รีบเรียนเชิญที่ปรึกษาทัพมหาไม่ช้าวูหยงก็มาถึง ส่งเจียงเล่าความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นให้วูหยงฟังแล้วขอให้ช่วยแก้ฝันวูหยงบอกว่าโอ้ท่านเจ้าสวรรค์เจ้าไก่ถึงกับปรากฏกายเป็นวิญญาณมหาท่านจะดูเบาไม่ได้นะขอรับเวลานี้อากาศเย็นพื้นดินก็เต็มไปด้วยน้ำแข็งทัพของเราคงจะปักหลักอยู่ที่นี่นานนักไม่ได้ตอนนี้เราควรถอนตัวกลับรอให้สิ้นหน้าหนาวพอย่างเข้าดูใบไม้ผลิ ทิมะเริ่มละลายเราค่อยกลับมาโจมตีพวกมันเพราะตอนนั้นก็ยังมีเวลาอีกถมถืดซ่งเจียนพูดว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวมานั้นชอบแล้วแต่ท่านเจ้าสัวลูกกับน้องชื่อซิ่วยังต้องเกลีวอยู่ในคุกรอคอยให้เราไปช่วยสำหรับพวกเขาวันหนึ่งคงจะนานราวกับหนึ่งปีหากเรายกทับกลับไปในตอนนี้ข้าเกรงว่าเจ้าคนโสโครกนั้นมันจะสั่งประหารพวกเขาไม่ว่าจะอยู่หรือไป การล้วนไม่เป็นใจเอาซะเลยครับคืนนั้นก็ยังตัดสินใจกันไม่ได้วันรุ่งขึ้นทรงเจียงให้หดหูในหัว ใ, วใจเจ็บกระบบไปทั้งเนื้อทั้งตัวปวดหัวปวดหูเหมือนจู่ๆมีใครเอาขวานมาจามใส่ตัวร้อนผะเผาราวต้องพิษไข้ลุกไปไหนมาไหนไม่ได้บรรดานในโจนทั้งหลายพอทราบข่าวก็รีบรุดมาเยี่ยมดูอาการสรงเจียงร้องบอกว่าโอ้ยขับปวดแสบปวดร้อนไปทั้งหลังเลย คนพวกนั้นจับตัวพริกดูก็เห็นเป็นตุ่มบวมแดงขนาดเท่ากระทะแขกครับตั้งแต่เกิดมานะครับก็เคยแต่ได้ยินคาว่าหม้อแขกนะครับกระทะแขกนี่นะครับยังไม่เคยได้ยินแม่มันก็แปลกนะครับมีทั้งหม้อแขกกระทะแขกแล้วก็ฝาฉีนะครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งยังไม่มีก็ฝาเนนฝาพระเฮ้ย คนพวกนั้นจับตัวพิกดูก็เห็นเป็นตุ่มบวมแดงขนาดเท่ากระทะแขกบูยงผู้ถานขึ้นว่าฮะนี่มันไม่ใช่ฝีหัวหนองหรือฝีฝักบัวธรรมดาได้วะครั้งหนึ่งอะ น, นะข้าเคยอ่านตำรายาเขาบอกว่าหากเป็นฝีจะต้องกินแป้งถั่วเขียวจะช่วยถอนพิษร้ายไม่ให้ไหลเข้าหัวใจเราเรียกไปหาซื้อมาป้อนให้ท่านทรงเจียงทางที่ถูกที่ดีเราควรจะต้องมีหมอมาด้วยแต่จะให้ไปหาที่ไหน ไดยามสงครามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้ท่านใดนั้นนะครับจางชุนฟองขาวในเกลียวคลื่นก็คิดขึ้นได้แล้วพูดขึ้นว่า อ, อตอนที่ข้ายังอยู่ที่สุนหยางแม่เกิดปวดหลังใช้ยาอะไรก็รักษาไม่ได้ในที่สุดนั้นนะเราต้องไปตามท่านอันเต้ากวนหมอยาจากเขตเจนกังมารักษาด่วนตอนหลังข้าจึงส่งเงินค่ารักษาไปให้ตอนนี้ท่านพี่บาดเจ็บหนัก ข้าคิดว่ามีเพียงหมอท่านนี้เท่านั้นที่พอจะรักษาได้แม้หนทางจะไกลแต่ก็จะอาศัยเดินทั้งกลางวันกลางคืนไปตามหมอท่านนี้มาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้บูหยงคิดในใจว่าในฝันของท่านทรงเจียงท่านเจ้าไก่บอกว่าท่านทรงเจียงจะอยู่ได้อีกร้อยวัน มีเพียงดาวมันปตพีที่อาศัยอยู่ใต้แม่น้ําแยงซีลงไปเท่านั้นที่จะช่วยรักษาชีวิตเอาไว้ได้ท่านอันจะใช่คนคนนั้นหรือเปล่าหนอะส่งเจี้ยงขอร้องว่าเออหากท่านรู้จักคนผู้นั้นก็รีบไปพามาไวๆ้ๆอย่าได้อีนังขังขอบต่อความยากลําบากใดๆเวลาแสดง น, น้ําใจห่วงใจกันฉันพี่น้องเนะ่ยมาถึงแล้วจงรีบไปทั้งกลางวันกลางคืน พาท่านหมอมาช่วยชีวิตพี่เอาไว้ด้วยเถิดพี่ไหวและบูหยงเอาทองคําแท่งหนักหนึ่งร้อยตำลึงให้จางชุนนาไปมอบให้หมอยาผู้นั้นบวกกับค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางอีกสิบตำลึงเงินแล้วสั่งสำทัพว่าอย่าให้มีอะไรรั้งท่านเอาไว้เป็นเด็ดขาดเราจะถอนทับกลับขึ้นเขาพาหมอยาท่านนั้นไปที่นั่นเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ จ้างชุนกล่าวอำลาแบกห่อผ้าแล้วรีบออกเดินทางอุยงบอกไปยังหัวหน้าโจรทั้งหลายให้เรียกระดมพลยกกลับที่มัน่นเอาส้มเจี้ยงใส่เกวียนลากไปทั้งหมดก็เลิกทับกลับไปในคืนนั้นนั่นเองครับเมื่อเคยถูกส้มโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งคนในนครต้าหมิงจึงคิดว่าการถอยในคราวนี้เห็นทีจะซ่อนกลลเม็ดเด็ดพลายเอาไว้เป็นแม่นมั่นจึงไม่กล้าโผล่หัวออกมาจากกำแพงเมืองส่วนผู้ว่าเหลียญนั้นเล่าก็ละลาละลัง ไม่รู้ว่าจะสั่งการอะไรดีคุณพลีเชงกับวนต้าก็พูดขึ้นว่าเไอ้วัวยงผู้นั้นเป็นคนสามานชั้นต่ำมากโดยเล่ห์เพทุบายเราควรอยู่แต่ในเมืองคอยตั้งรับดีกว่าจะไล่ตามตีครับขอย้อนกลับมาที่จางชุนนะครับเพื่อช่วยชีวิตท่งเจียงเขาจึงเรียบรุดหน้าไปทั้งกลางวันและกลางคืน ตอนนั้นเพิ่งจะสิ้นฤดูหนาวไม่มีฝนแต่หิมะก็ยังตกถนนหนทางยากลำบากต่อการสัญจรเป็นยิ่งนะักแต่จางชุนก็มุ่งหน้าไปโดยไม่นำพากับสิ่งใดๆทั้งสิ้นพอไปถึงฝั่งแม่น้ำแยงสี่เกี่ยงหิมะกําลังตกหนักจะหาเรือข้ามฟากสักลาก็ไม่มีจางชุนคํารามด้วยความขุนใจเดินเรียบไปตามชายฝั่งในที่สุดก็เห็นควันไฟจากการหุงข้าว ลอยอ้อยอิ่งขึ้นมาจากคุ้งอ่าวเล็กๆที่มีป่ากกแห้งกรอบขึ้นบังอยู่เอาคนแจวเรือมึงจะทำงานไหมเนี่ยฮาถ้าไม่ทำก็าลาออกไปเลยเอุ้ยวันแตว่าฟอร์มโฮมอยู่นั่นแหละให้คนอื่นเข้ามาทำมั่งก็ได้เฮ้วันนึงน่ะหาเรือเข้าฟ้าก็ไม่มีป้โทคนก็ต้รี เอาเอาเรือมารับด้วยช่วยข้าข้าวากไปหน่อยเฮ้ยเสียงกรอบแกรบดังมาจากทางปากกแล้วร่างร่างหนึ่งก็ปรากฏออกมาไม่ใช่ผีครับแต่เป็นผู้ชาย<อ>ชายผู้นั้นสวมหมวกสารทรงกรวยแบบกล้วยเลยครับแบบกล้วยเลยนี่มันเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็เขาไม่มีอาธาิบายไปด้วยนะชายผู้นั้นสวมหมวกสารทรงกรวยแบบกล้วยเลย พร้อมทั้งเสื้อคลุมไหล่กันฝนที่ถักจากใ่มะพราะ้าวชายผู้นั้นร้องขึ้นว่าเอา้าท่านจะไปไหนหรือขอรับข้ามีธุระด่วนจะข้ามไปที่เจียนกังข้าจะให้เพิ่มหากท่านจะพาข้าข้ามไปเฮ้เรื่องนั้นน่ะไม่เป็นปัญหาดอกแต่เท่าว่าตอนนี้มันก็เย็นนักแล้วถ้าพาท่านข้ามไปภากระโนนอะนะท่านจะหาที่พักไม่ได้ลงเรือมาพักกับข้าก่อน พ็ถึงยามสี่ลสมสงบพระจันทร์ขึ้นเต็มฟ้าแล้วข้าจะพาข้ามไปท่านก็เพิ่มเงินให้ข้าอีกสักเล็กสักน้อยก็พอแล้วขอรับพูดดีเว้ย <laughs> เออที่ท่านกล่าวมาก็ชอบอยู่จ้างชุนแวเข้าปากกบไปพร้อมกับคนเรือผู้นั้นที่ตลิ่งมีเรือลำเล็กผูกเอาไว้หนึ่งลำแต่ประทุนเรือลำนั้นเด็กหนุ่มผู้หนึ่งนั่งจับเจ้าอยู่ข้างกองไฟ โอ้โหมันเอาไฟไปจุดในเรือเลยครับพี่น้องครับโอ้โหไม่กลัวเรือถูกไฟไหม้ซะด้วยใต้ประทุนเรือลำนั้นเด็กหนุ่มผู้หนึ่งนั่งจับเจ้าอยู่ข้างกองไฟคนเรือผู้นั้นช่วยจางชุนขึ้นเรือจางมุดเข้าไปในประทุนเรือถอดเสื้อผ้าเปียกออกแล้วขอเด็กหนุ่มให้เอาผ้าเปียกไปขางไฟแกะห่อผ้าเอาผ้าผุวยผืนหนึ่งออกมาห่อตัวแล้วล้มตัวลงนอนจ้างชุนเอ่ยขึ้นว่า เออแถวเนี้ยนะอาทิหาซื้อเชียงชุนได้ที่ไหนบ้างล่ะฮะหากได้มาสักหน่อยก็จะดีไม่น้อยเลยทีเดียวอ๋อเยียแถบเนี้นะไม่มีเหล้าขายดอกแต่หากต้องการข้าวอ่ะนะข้าก็พอจะแบ่งให้ได้สักชามหนึ่งพอกินข้าวเสร็จจางชุนก็ล้มตัวลงนอนแล้วหลับไปเหตุผลหนึ่งก็เพราะในตอนนั้นจางชุนให้เหน็ดเหนื่อยยิ่งนักเดินทางโดยไม่ได้หยุดพักหลับนอนที่ไหนติดต่อกันมานานหลายวันแล้ว ส่วนข้างอีกหนึ่งนั้นตัวก็ไม่ได้คิดจะระมัดระวังตัวพอตกยามหนึ่งจางชุนก็หลับเป็นตายครับยามหนึ่งก็ประมาณทุ่มหนึ่งก็ไม่เกินสามทุ่งนะครับ เด็กหนุ่มที่นั่งเอามืออังไฟในเตาก็บุ้ยปากไปทางหอของของจางชุนที่ใช้หนุนหัวเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นเบาๆพี่ใหญ่พี่ใหญ่ท่านแกะดูแล้วหรือยังฮคนเจเรือผู้นั้นก็ย่องอ้อมขึ้นไปทางหัวนอนของจางชุนแล้วยื่นมือออกไปคําห่อผ้าดูก็พบว่าข้างในล้วนเป็นแท่งโลหะจึงทำมือทำไม้ hey, เฮ้ยเรือออกไปแก้เรือสิเราจะจัดการมันที่กลางแม่น้ำ เด็กหนุ่มแบวกกอกกกระโดดขึ้นฝั่งรีบแก้เชือกกระโดดกลับขึ้นมาบนเรือใช้ถอไม้ไผ่ยันเรือออกจากตะลิง่งแล้วกันเชียงตรงไปยังกลางแม่นะ้ำคนจ้าเรือค่อยๆเอาเชือกมัดตัวจางชุนหยิบมีดปังตอออกจากที่ซ่อนใต้ท้องเรือขึ้นมาถือพอถึงตอนนั้นนะครับจางชุนก็ตื่นขึ้นมาพอดีพบว่ามือไม้ถูกพัฒนาการเอาไว้อย่างแน่นหนาะดิ้นไม่หลุดคนจ้าเรือเอาตีนเหยียบตัวจางชุนแล้วเงื้อปังตอขึ้น โอ้ยวารายชีวิตข้าด้วยเธอท่านผู้กล้าทรัพย์สินเงินทองข้าให้เอาไปทั้งหมดเลยเฮ้ยเงินทองนั้นก็อยากได้แต่ชีวิตเจ้าข้าก็จะเอาเฮยเอาไปทําไมวะชีวิตคนไม่มีประโยชน์ถ้าเป็นควายยังพอใช้ได้มั่งยังเอาไปไถนาได้สุดท้ายแล้วมันยังขายได้ตั้งหลายหมื่นเออถ้าถ้าถ้าถิ่นนั้น ขอค่าตายให้เต็มตัวววิญญาณจะได้ไม่ไปตามหลอกหลอนท่านพี่งไงคนเจ้เรือผู้นั้นเก็ดมีดฝังต่อแล้วจับจางชุนโยนลงน้ําเอาไอ้มึงไปพักผอ่อนในที่เย็นเย็นวสมายกูแล้วว้โอยพอแกะหอของออกก็เห็นทั้งเงินทั้งทองเต็มหอผ้าไปหมดหน้านิวคิ้วขมวดอยู่ในห่วงพวังว่าแล้วก็เรียกเด็กหนุ่มผู้นั้นเข้ามาหา รู้หรอกในใจคิดอะไรอยู่นะครับคิดจะกำจัดส่วนแบ่งใช่ไหมล่ะเ้าอ่านก่อนเขารู้หรอกน่ะว่าแล้วก็เรียกเด็กหนุ่มผู้นั้นเข้ามาหามานี่สิข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าเด็กหนุ่มผู้นั้นมุดกระทุนเรือเข้ามาหาคนเจะเรือก็คว้าคอเด็กเข้ามาสับด้วยมีดปังตออย่างเยี่ยมโหดเอาไอ้นี่ไปกินเฮ้ยไอ้น่ ส่งไปเสียด้วยความตายอันน่าสังเวชโยนศพลงแม่น้ำเช็ดคราบเลือดที่ติดอยู่บ น, บนเรือแล้วก็แจวกลับเข้าฝั่งฝ่ายจางชุดนั้นสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานเป็นวันวันพอถูกโยนลงน้ำก็ปล่อยตัวให้จมลงไปใช้ฟันแท้เชือกออกแล้วว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งใต้ของแม่น้ำก็เห็นแสงตะเกียงวัวบวแว ม, มอยู่ใต้ดงไม้จึงปีนขึ้นฝั่งเดินเข้าไปในป่าละม่ผืนนั้นในสภาพเนื้อตัวเปียก บ, บอน ไม่ช้าก็เห็นโรงเตียมแบบชนบทหลังหนึ่งเจ้าของตื่นขึ้นมาค้านก า, กากเล่ากลางดึกแสงที่ส่องรอดออกมาก็เป็นแสงจากตะเกียนดวงนั้นนั่นเองจ้างชุนผลักประตูตเข้าไปก็เห็นชายชาราผู้หนึ่งจึงคุกเข่าลงแล้วโคกศีรษะชายชาราร้อมทักขึ้นว่าถ <c oughs> ูกพาไปปล้นกลางแม่น้ำราชท่าแล้วนี่เจ้ากระโดดน้ำเอาชีวิตรอดหรือไร เ อ, อเจ้าปู่ขอรับข้าน้อยจะไม่ขอปดท่านดอกข้าเดินทางมาจากศานตุงจะเข้าไปในเมืองเจียนกังเพื่อทำธุระแต่มาถึงฝั่งแม่น้ำก็เย็นมากแล้วพบเรือข้ามฟากลำหนึ่งกับคนช่วยอีกสองคนพวกมันปล้นเอาเสื้อผ้าและเงินทองข้าไปจนหมดสิน้นเสร็จแล้วก็โยนทิ้งน้ำแต่เนื่องด้วยข้าว่ายน้าแข็งจึงรอดตายมาได้ท่านปู่ช่วยชีวิตข้าน้อยด้วยเถิดขอรับชายชราพาจางชุนเข้าไปหลังบ้าน เอาผ้าแห้งมาห่อตัวถอดเสื้อผ้าที่เปียกน้ำออกผิงไฟแล้วอุ่นเหล้าให้ดื่มท่านคือแค่อะไรหรือ ช, ชายชราเอ่ยปากถามเป็นคนสารตรงมาทำอะไรไกลถึงแถบนี้ล่ะฮะไอ้นุ่มเฮ้ยหาเรื่องแท้ๆจ้างชุนตอบว่าออตะกูลข้าใช้แซว่าจางข้ามีเพื่อนสนิทอยู่ท่านหนึ่งในเขตเจนกังชื่อว่าหมออันข้าน้อยมาเยี่ยมเขาขอรับ เออถ้าว่าเป็นคนสารตรงท่านก็จะต้องผ่านมาทางบึงเหลียงชารอธิธาฮะ <c oughs> ใช่แล้วล่ะขอรับท่านปู่ท่านสูงเจียงเป็นหัวหน้าใหญ่บนเขาลูกนั้นท่านไม่เคยปล้นคนสัญจรหรือทำอันตรายราษดรวันๆประกอบแต่คุณงามความดีประพฤติตนก็แต่ที่สวรรค์เบื้องบนบรรชาลงมาเท่านั้นท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีและมีคุณธรรมไม่เคยทาร้ายคนดีเลย เจ้าต่อตีก็แต่เจ้าพนัก ง, งานกำชินเท่านั้นแหละก็รับท่านปู่ <c oughs> ข้าเองอน่ะนะก็เคยได้ยินมาว่าจอร์กนี้นั่นนะ่ะถือคุณธรรมน้ำมิดเป็นเคร่งครัดยิ่งนะักชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ในยากอุปถาคนชราแมไอ้คำหลังเนี่ยนะข้าชอบเหลือเกินเพราะข้านั้นจัดอยู่ในพวกสอวอนนะ <c oughs> ไม่เหมือนกับไอ้พวกโจรสารเลวในแถบนี้หรอกท่านฟ้าเยี่ยงพวกเราคงจะยินดีหนักหนาหากท่านจะมาที่นี่บางเราจะได้ไม่ต้องทนตกทุกข์ได้ยากจากไอ้พวกขุนนางขี้ช่อที่คอยจะจะกดขี่มิถาเฮ้ยพูดไปก็เจ็บคำน้ำใจซะเป่าๆว่ะเฮ้ยมึงเปลี่ยนเรื่องคุยได้ไหมกูจะจะเซ็นกับพวกนี้แล้วเนี่ยเออจะได้พรุ่งพลาดไปเลยขอรักท่านปู่ข้าน้อยมีนามว่าจางชุนฟองขาได้เกลียวคลื่น พี่ใหญ่ส่งเจียงป่วยเป็นฝีที่แผ่นหลังข้าถูกส่งมาตามตัวหมออันพร้อมกับทองคําหนักหนึง่งร้อยตำลึงแต่เรื่องด้วยเสือกไม่ระมัดระวังจึงนอนหลับไปในเรือลํานั้นจนถูกไอ้คนโสศโกสองคนจับมัดมือแล้วยนลงแม่น้ําข้าแทกเชือกจนหลุดแล้วว่ายน้ําขึ้นฝั่งมายังที่นี่แหละขอรับเกือบไปแล้วนี่นะข้ามีวิทยา ย, ยุสูงนะถึงร อ, อดมาได้ไอ้นไนคนเก่งยังไงก็รอดเออ สำนวนไทยเขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไปไ ม, ไม่ไหม่ใช่ไหมมึงตกน้ำมึงยังรอยได้เลยเห็นไหม <laughs> บัดอบจริงๆเออถ้าถึงน น, นั้นนะท่านก็คือหนึ่งในผู้กล้าที่มาจากเลี้ยงชานปอดนั่นเองเยข้าจะไปตามลูกชาย <c oughs> เขาอยากจะเจอท่านนะ ไม่ช้าบุรุษผู้หนึ่งก็โผล่ออกมาจากหลังบ้านพอเห็นจางชุนก็ก้มตัวลงโค้งคาระวะแล้วเอ่ยขึ้นว่าข้าน้อยรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของท่านมานานนักหนานแล้วขอรับแต่ไม่เคยมีโอกาสได้เจอตัวจริงสักกะทีข้าใช้แสรหวางเป็นโลกคนที่หกเป็นเพราะข้าเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวจึงได้ชื่อว่าไอ้คล่องหวางติ่งเล้วอันตัวข้านี้นะขอรับชื่นชอบการว่ายน้าและการรากระบี่ตีกระบอง แต่ยังไม่เคยเจออาจารย์ที่จะมารับเอาเป็นสิบวันๆต้องมานั่งขายเหล้าอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําตรงนี้ล่ะขอรับข้ารู้จักไอ้สองคนที่มันปร้นท่านคนหนึ่งชื่อจางหวางสมมายาพูดความไม่นับส่วนไอ้เด็กตัวพองผอมนั้นเป็นคนมาจากตํำบลหวาถิงมีชื่อว่าชุนที่ห้าเมือ่อปลาไหลจะไป่กังวลไปเลยท่านพี่อยู่ที่นี่ไปอีกสักสองสามวันพอพวกมันมาดื่มสุราข้าจะชําระแทนให้ท่านเองจางชุนจึงพูดว่า แม่ข้าซึนในน้ําใจไมตรีของท่านนักแต่ข้าเป็นห่วงอาการของท่านพี่ทรงเจียงเหลือดีฝันอยู่แต่ว่าหากทําได้ก็จะบินกลับค่ายเราให้ได้ภายในวันเดียวพอเช้าอะนะข้าก็ต้องเรียบเข้าเมืองไปเชิญหมออันให้ไปกับข้าให้ได้โดยไวหวางติ่งเลียวนะครับก็เอาผ้าแห้งของตัวให้จามชุนผัดเอาไก่เอาเล้าออกมาเลี้ยงเรื่องนั้นเราไม่ต้องเล่ากันให้มากความนะครับ พอเช้าท้องฟ้าใสากระจ่างหิมะเริ่มละลายจางชุนได้เงินสิบสองตำลึงและถูกพาเข้าไปในตัวเมืองเจียนกังเขารีบตรงไปยังตีนสะพานต้นอิ๋วก็พบกับหมออันนั่งขายายาอยู่หน้าร้านจางชุนเข้าไปแล้วคุกเข่าโคกศีรษะเอ้าน้องพี่ไม่ได้พบกันเป็นแรมปีแล้วนี่ลมอะไรหอบมากันแล้วฮะหมออันร้องทักไปครับเดี๋ยวเรามาฟังต่อ พอไปถึงหมออันแล้วนะครับจางชุนจะสามารถพาหมออันไปขึ้นเขาเหลียงซานเพื่อรักษาอาการไข้หรือว่าอาการฝีที่หลังของส่งเจียมได้หรือไม่ครับเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปหน้านะครับชายผู้นั้นสวมหมวกสารสงกรวยแบบกล้วยเลยพร้อมทั้งเสื้อคลุมไหล่กันฝนที่ถักจากใยมะพราะ้าวครับการศึกษาวรรณกรรมจีนนะ หรือว่าประวัติศาสตร์ทั่วโลกมันก็มีสิ่งที่เราจะต้องศึกษาอยู่หลายประการนะครับอย่างเช่นในตอนนี้นะครับเขาเขียนว่าพร้อมทั้งเสื้อคลุมไหล่กันฝนที่ถักจากใยมะพร้าวะนะอาก็ยังไม่เคยเห็นเสื้อผ้าที่ถักจากใยมะพร้าวครับว่ามันเป็นยังไงครับทําให้เราได้ศึกษาและก็เปรียบเทียบกันว่าเขาเอาใยมะพร้าว มาทําเสื้อกันผลหรือว่าเสื้อคลุมไหล่ได้เขาทํำยังไงนะมีวิธีการทําอย่างไรก็แสดงว่าวิพัฒนาการด้านการทอเสื้อผ้านี่นะครับมันมีหลายแขงนงเลยนะครับในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับพี่น้องนี่เป็นการแทรกทิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เรานะไม่ได้ฟังละครไปเปล่าๆนะครับ <S <S ชายชราพาจางชุนเข้าไปหลังบ้าน เอาผ้าแห้งมาห่อตัวถอดเสื้อผ้าที่เปียกน้ำออกถิงไฟแล้วอุ่นเหล้าให้ดื่มครับนอัอยากจะถามสักนิดหนึ่งเลครับพี่น้องที่มีความรู้นะทำไมเหล้าจีนในสมัยก่อนนะครับต้องอุ่นด้วยนะครับดื่มแบบนั้นไม่ได้หรือนะอย่างคนไทยนี่นะครับเหล้าขาวไม่ต้องไปทําให้อุ่นนะครับดื่มแล้วก็ตามด้วยน้าเปล่านิดหนึ่งได้เลยนะครับส่วนเหล้าแดงนะก็ กินกันแบบว่ า, ากินแบบเพียวๆนะครับก็กระดกขึ้นไปแล้วน้ำตามแต่ถ้าเอามาผสมกับโซดาน้ำแข็งนะครับเขาก็จะกินกันแบบนั้นนะไม่มีใครในสมัยนี้เอาเหล้าไปอุ่นนะครับเพราะอะไรแล้วเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ทราบนะครับพี่น้องครับเราก็ได้แต่ฟังฟังฟังนะเออถ้าถึงนั้นนะั้นนะ ท่านก็คือหนึ่งในผู้กล้าที่มาจากเลี้ยงชานบ่อนนั่นเองเย่ yeah! ข้าจะไปตามลูกชายเขาอยากจะเจอท่านนะอุยคนแก่อะไรวะท่านสมัยเป็นบ้าเลยแย่ yeah, ด้วย <laughs> สมัยก่อนเขาเรียกชายโยชายโยเห็นภาษาไทยเดี๋ยวนี้หายไปหมดแล้วครับคำไทยแท้ๆนะครับชายโยหายไปแล้วใครคืนพืช ใครขืรขนพูดดีใจด้วยคำว่าใชโยโโเด็กมันคงจะคิดในใจว่าโอ้โหไอ้นี่โบจริงๆเลยนะครับโบราณจริงๆครับจริงๆแล้วก็ไม่เห็นด้วยหรอกครับว่าจะเลิกใช้คำคำนี้นะครับคำว่าใชโยแต่ในที่สุดแล้วมันก็ต้านไม่อยู่ เอา้าน้องพี่ไม่ได้พบกันเป็นแรมปีแล้วนี่ลมอะไรหอบมากันเล่าหมออันร้องทักขึ้นจางชุนตามเข้าไปในบ้านแล้วเล่าเรื่องราวที่ตนได้ประสบมาให้หมออันฟังตั้งแต่ตอนที่ตัวยังเป็นนายท่าปลาอยู่ที่เจียงโจจนกระทั่งตามส่งเจียงขึ้นเขาแล้วเล่าให้ฟังว่าในายใหญ่เกิดเป็นฝีที่แผ่นหลังเขาจึงถูกส่งตัวมาตามหมออันจางชุนขออภัยที่ไม่ได้นาเอาค่าป่วยการมาพร้อมกันด้วย เพราะถูกร่นไปกลางทางแม้แต่ชีวิตก็ยังเกือบจะเอาไม่รอดหมออันกล่าวว่าอาในเมื่อท่านผู้นั้นคือส่งเจียงนักสู้เพื่อความเป็นธรรมนาอุโคตข้าควรจะต้องรีบไปแต่ว่าเมียข้าเกิดมาตายจากไปไม่มีใครอยู่บ้านจะให้ข้าทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเช่นนั้นไม่ได้ดอกจ้างชุนเฝ้าออนวอนให้ไปด้วยกันหากท่านไปไม่ได้ข้าก็คงไม่มีปัญญาจะกลับขึ้นเขาได้อีกแล้ว หลังจากเฝ้าอ้อนวอนกันจนปากเปียกปากฉะอยู่อีกนานในที่สุดหมออันก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าเออเอาไว้ค่อยหารือเรื่องนี้กันในวันหลังก็แล้วกันนะอันว่าหมออันตอนนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ครุกอยู่กับนางคณิกานามว่านางหลี่เปียวสวสัสดถึงขั้นหัวปักหัวปัเย็นวันนั้นก็พาจางชุนไปนั่งดื่มกินที่ซ่องของนางโลมผู้นั้นนางเปียวสวสัสดทักทายใชยน้นมอย่างนอบน้อมเรียกหาว่าพี่ชาย หลังจากดื่มไปได้สี่ห้าจอกหมออันให้หน้าตึงเมาไปครึ่งหนึ่งแล้วจึงบอกกับนางเปียวสวัสดิ์ว่าคุณนี่ขาจะค้างที่นี่แหลนะเนาะเพราะพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปซานตุงพร้อมเพื่อนผูน้นี้คิดว่าคงจะรอราวยี่สิบวันถึงเดือนหนึ่งนั่นแหละพอกลับมาจะรีบมาหาเจ้าทันทีเลยแหมแต่ข้าไม่อยากให้ท่านไปเลยอ้อท่านพี่หากท่านไม่ฟังความก็อย่ากลับมาเหยียบบ้านนี้อีกก็แล้วกันช่า โธอาหมวยร่วมยาข้าเตรียมไว้แล้วตัวเองก็พร้อมจะไปในวันพรุ่งนี้จะเย็นเย็นเอาไว้ขาไปไม่นานดอกเหมือนเด็กถูกขัดใจนะครับนางทุ่มตัวเข้าใส่หมออันรัวกับปั้นน้อยๆทุบเข้าใส่หน้าอกหน้าใจหากท่านไม่ฟังขืนจิงจะไปให้ได้อะนะข้าจะสาบแช่งท่านเอาจนเนื้อล้อนกระดูกเลยอะ่ะฮ <c oughs> คนผีทะเล เมื่อการกลับเป็นเช่นนั้นฟองข่าวในเกลียวคลื่นก็โมโหเป็นฟืนเป็นไฟใครจะกลือนนางเปียวสวัสด์ลงคอไปในคําเดียวในตอนนั้นก็มืดค่ำลงไปแล้วหมออันเริ่มเมาจนแปลกพยุงตัวโซซัสโซเซเข้าไปในห้องหญิงสาวแล้วล้มตัวลงนอนหลับไปนางเปียวสวัสด์บอกจางชุนว่ากลับไปบ้านซะคืนเนี้ยที่นี่ไม่มีที่ให้ท่านนอนดอกเฮ้ยข้าจะรอนจนกว่าพี่เขาจะสั่ง แล้วเราจะออกเดินทางไปพร้อมกันปาทะ้เมื่อกำจัดเขาไปไม่ได้นางจึงให้จางชุนนอนในห้องเล็กหน้าประตูจางชุนร้อนรุ่มไปด้วยความกระวนกระวายในจิตใจจะให้หลับลงชั้นใดได้ไดพรยามแรกมาถึงก็ได้ยินเสียงเคาะประตูจึงแอบมองลอดรอยแตกออกไปก็เห็นบุรุษหนึ่งแทรกตัวเข้ามาพูดกับนางแม่เล้าแก่ที่คุมนางเปียวสว่างแม่เล้าเห็นก็ทักไปว่า ท่านไม่ได้มาที่นี่สชนานไปไหนมาละเนี่ยคืนนี้ฮะหมอคนนั้นเมาหลับอยู่ในห้องนางเราจะทำยังไงกันได้ล่ะเออวันนี้ข้าเอาทองคำหนักสิบตำลึงมาข้าคิดจะให้นางเก็บไว้ทําปินปักผมยายต้องไปนัดหมายทำอะไรสักอย่างเพื่อเราได้อยู่ด้วยกันถ้าเช่นนั้นนะ่ะนะไปรอในห้องข้าข้าจะไปเรียกนางเอง จ้างชุนเห็นบุรุษผู้นั้นในแสงไฟเครงแค้นในหัวใจก็ลุกโผงจับหน้าไอ้คนขี้โกงคนนั้นได้ในทันทีมันผู้นั้นคือจางหวางพูดฝวามแม่น้ำนั่นเองแบ่งเอาเงินที่ได้จากการรล้นมาเที่ยวนางเปียวสวัสด์จ้างชุนแอบดูอยู่ก็เกือบจะควบคุมอารมณ์ไว้ไม่ไหวเห็นหนางไม่แล้วแก่ยกสุราอาหารเข้าไปในห้องแล้วออกไปตามนางเปียวสวัสด์ส่วนตัวใครจะถลันตามนางเข้าไปในห้องแต่ก็เกรงว่า ไอ้โจรคนเรือผู้นั้นจะฉวยโอกาสตอนชุลมุลนหนีไปซะก่อนพราะถึงยามสามคณใช้สองคนในครัวเริ่มเมาได้ที่นางแม่เล้าแก่ก็เริ่มสัพพงกด้วยฤทธิ์เหล้าทำตาปรืออยู่ใต้แสงตะเกียงจ้างชุนค่อยๆง้าประตูห้องย่องปลายเท้าจะไปที่ประตูครัวมองเห็นปังตอวางอยู่บนเตาส่วนนางแม่เล้าแก่ก็นั่งสลบสลายอยู่บนม้ายาวด้วยฤทธิ์สุราหัวเองมาอีกทางหนึ่ง จ้างชุนแอบเข้าไปในครัวฉ่วยปังตอขึ้นมาถือแล้วลงมือฆ่านางไม่เล้าเป็นคนแรกไอ้ข้าก็ทำไมเนี่ยอไอ้นี่กินบนเรือนขี่รถบนหลังข้ า, าคิดจะฆ่าคนใช้ทั้งสองเป็นรายต่อไปแต่ด้วยมีดปังตอตอนสับยายแก่นั้นทื่อไปซะแล้วก็พอดีเหลือบไปเห็นขวานผ่าฟืน จึงกาด้ามขวานเอาไว้มัน่นก่อนที่คนรับใช้ทั้งสองจะทันร้องจามชุนก็สั่งเร็ดโทษคนทั้งสองโดยจามส่งไปคนละครั้งใจร้ายคนใช้ชสวยๆน่ารักน่ารั ก, รกมึงก็ฆ่าได้ลงคอปิดปากปิดปากปนางเบลสวัสดได้ยินเสียงโครมคราม เปิดประตูห้องนอนออกมาก็พบว่าตัวกำลังยืนจ้องหน้ายอยู่กับจางชุนตวัดขวานเพียงครั้งเดียวจางชุนก็พาอกยิงคณิกาผู้นั้นแบะออกเป็นสองสิ่งนี่มันใจร้ายจริงๆฆ่าผู้หญิงไม่ลงอใต้แสงตะเกียนสว่างจางชุนเห็นนางเปียวสวาส่างซุดลงไปกองอยู่กับพื้นก็ผลักบานหน้าต่างให้เปิดดีดตัวหนีออกไปทางกระแพง มองขาวในเกลียวคลื่นตกใจแทบสิ้นสติแต่ก็ไม่มีปัญญาจะทำอะไรได้แต่บังเอิญจาได้ว่าวูสงเคยทำอะไรไว้ภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับจางชุนก็ฉีกผ้าจากชายเสื้อคลุมของตนจุ่มกับเลือดแล้วเขียนลงบนกำแพงเกือบยี่สิบแห่งว่าคนฆ่าคืออันเต้ากวนพอถึงยามห้าท้องฟ้าเริ่มขมุกขมัวก็ได้ยินเสียงหมออานตื่นขึ้นร้องเรียกหานางเปียวสวัสด์ เฮ้ยล้ยอยู่ไหนวะเนี่ย อ, อ้าวเฮ้ยสงสัยไปแส้วมาเนี่ยเฮ้ยอย่าตะโกนไปเลยท่านพี่มีเรื่องบางอย่างที่ข้าจะให้ท่านดูหมออันลุกขึ้นพอเห็นศพของคนทั้งสี่ก็กลัวจนตัวแข็งสั่นเทาราวเข้าทรงจามชุนเอ่ยขึ้นว่าพี่ท่านอยากเห็นที่เขียนไว้บนกำแพงหรือไม่ละขอรับ โอ้โหท่านทําจนข้าปนปี้หมดแล้วเฮ้ยจ้างชุนจึงว่าตอนนี้นะท่านมีทางเลือกอยู่แค่สองทางหากท่านวอยไว้ข้าเขาจะหนีไปแล้วท่านก็ต้องอยู่ชดใช้ความผิดอาญาด้วยชีวิตหรือไม่ก็อีกทางหนึ่งหากท่านไม่อยากมีอะไรเกิดขึ้นก็จงกลับบ้านไปเอาร่วมยาแล้วเรยบรุถขึ้นเขาไปช่วยพี่ใหญ่ของเราท่านตัดสินใจโอเเองก็แล้วกันเฮ้ย หมออันจึงบ่นกระปวดกระเปียดว่าโอ้โหท่านในช่างบ้าระหมได้ใจฉันจริงๆเลยอะเฮ้ยพอสว่างจางชุนก็ห่อเงินเดินทางพอหมออันกลับบ้านหมออันก็เคาะประตูบ้านอยู่จนกระทั่งมีคนมาเปิดจึงก้าวเข้าไปเก็บร่วมยาแล้วตามจางชุนออกจากเมืองไปทั้งสองรีบตรงดิ่งไปยังโรงเตี้ยมของไอ้คร่องหวางเจ้าของโรงเตี้ยมเอ่ยขึ้นว่าแม่ เมื่อวานนี้ไอ้จางหวางเพิ่งจะผ่านมาทางไหนน่าเสียดายจริงๆที่ท่านไม่อยู่ใกล้ๆอะ่ะที่ถ้าอยู่ใกล้ๆจะชักชักสองดอกปาท้อจ้างชุนจึงว่าเออข้าเองก็เจอมันแต่ก็ยังทำอะไรมันไม่ได้ข้ามีเรื่องใหญ่ที่ต้องทำให้สำเร็จไอ้เลยจะไม่มีเวลาทันชำระแทนส่วนตัวแค่ เ, เรื่องเล็กๆในน้อยพันอย่างนี้ ก่อนที่คำพูดจะทันสิ้นกระแสไอ้ครองหวางก็เอ uth านออกมาว่าท่านพี่ท่านพี่มันย้อนกลับมาอีกแล้วอย่าทำอะไรให้มันกระตกกระตากนะดูซิว่ามันจะไปไหนอะพวกเขาแอบดูจนกระทั่งเห็นจางหวางลงไปเอาเรือที่ผูกไว้ที่ตลิง่งหวางติ่งลิ้วก็ออกไปร้องทักเฮ้ยพี่จางเอาเรือแวะมาทางนี้ก่อนสิขอรับญาติข้าสองคนต้องการโดยสารเข้าฟ้า ออถ้าอยากจะให้พวกเขาไปกับข้านะก็ให้พวกเขาเรียบมาไวๆให้คร่องหันไปบอกกับจางชุนจางชุนก็เอ่ยกับหมออันพี่อันเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันมีเพียงทางนี้เท่านั้นเราจึงจะขึ้นเรือมันได้หมออันถามว่าทํายังไงวะฮะจางชุนตอบว่าเอาน้าข้ามีแผนแล้ว่าถามเงียบๆไว้ ทั้งสงแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากันจางชุนอาผ้าพ่อขัวสวมทับด้วยกล้วยเลยปิดบังอำพรางใบหน้าเอาไว้ในเงามืดไอ้คลรองยกร่วมยาขึ้นแบกใส่หลังแล้วพากันเดินไปลงเรือจางหวางคัดท้ายเรือเข้าเทียบตะลิงคนทั้งสาก็ก้าวขึ้นไปบนเรือจางชุนปีนขึ้นไปบนเก่งท้ายเรือที่ยกพื้นขึ้นสูงเกือบได้ระดับกับประทุนเรือ ยกพื้นกระดานขึ้นก็เห็นปังต่อยังวางอยู่ที่เก่าจึงช่วยขึ้นมาพร้อมกับมุดเข้าไปในประทุนเรือจางหวางล้อเรือออกไปจนถึงกลางแม่น้ำจางชุนก็ถอดหมวกแก้ผ้า พ, พกศรีรษะออกทางร้องเรียกขึ้นว่าเฮ้ย hey, ไอ้คนเจ้าเรือมาที่นี่ ไ, ไวๆที่ท้องเรือตรงนี้มีคราบเลือดแน่จางหวางสะบดขึ้นว่าเฮ้ย hey, อย่าล้อเลนะ่นน ด้วยไม่รู้ว่านี่เป็นอุบายชายผู้นั้นก็มุดหัวเข้าไปในประทุนเรือจางชุนที่แอบอยู่ก็ใช้แขนรัดจังหวางเอาไว้แล้วตะวาดออกไปว่าไอ้โจนชั่วมึงจำคนโดยสารที่มึงแจาข้าวปากไปส่งในคืนหิมะตกได้หรือไม่จ้างหวางจ้องตาค้างพูดอะไรไม่ออกเลยสักคำ มึงปล้นเอาทองกูไปถึงร้อยตำลึงแล้วยังคิดจะฆ่ากูแล้วไอเด็กผอมๆคนนั้นไปอยู่เสียที่ไหนฮะเอ่อ ข, ข้าไม่อยากแบ่งเงินกับมันแต่กลัวว่ามันจะทวงดดดัดงนั้นข้าจึงฆ่าแล้วย้อนศพทิ้งน้ำไปนะขอรับเฮ้ยมึงมันให้จรใจชั่วกูนี่แหละเกิดอยู่บนฝั่งแม่น้ำสุมหยางถูกเลี้ยงดูเติบใหญ่มาจากปีนเขาตังโมโน้อย กูขายปลาหาเลี้ยงชีพใครๆก็รู้กันไปสิ้นเป็นพระกูไปก่อเหตุจราจรขึ้นที่เจียงโจจำต้องหนีทางการไปสวามิพักทางเบืองหล็บซานกับท่านทรงเจียงพวกเราปล้นข่าไปทั่วใครๆก็กลัวกูแต่มึงกับหลวงกูขึ้นเรือแอบมัดแล้วโยนทิ้งน้ำหากูไห้ไม่แข็งล่ะก่อ <laughs> บานนี้นะคงไปเจอพ่อมองบนสวรรค์แล้วเฮ้ย วันนี้เราเจอกันในฐานะศัตรูกูปล่อยมึงไว้ไม่ได้ดอก ว, ว่าแล้วก็ลากชายผู้นั้นเข้าไปในกระทนเรือจับมัดมือโยงลงไปมัดข้อเท้าแล้วโยนลงไปในแม่น้ำอย่างสี่พร้อมทั้งตะโกนว่ากูเองก็ไม่ได้ฝันมึงเหมือนกันแล้วเจอกันไอ้น้อง จะตายกันหมดประเทศอยู่แล้วยังขำอีกคนอ่านนี่ก็บ้าไอ้คร่องหวังถอนหายใจเมื่อเห็นโจนลำน้ำผู้นั้นค่อยๆจมลงไปใต้ลูกคลื่นจางชุนค้นพบทองคำของตนก็เอาผ้าห่อไว้คนทั้งสามกันเชียงเรือเข้าฝั่งจางชุนก็เอ่ยกับหวางติ่งลิวว่าหวังนะ ข้าไม่เคยลืมความช่วยเหลือของท่านเลยน้องพี่หากไม่คิดว่าจะเป็นการดูหมิ่นถิ่นแคลนแล้วล่ะก็พี่ว่าท่านกับพ่อรีบจัดแจงโรงเตี๊ยมให้เสร็จแล้วขึ้นเขาไปอยู่กับเราซะดีกว่าจะได้ร่วมคุณธรรมกันสืบไปท่านจะว่าเช่นไรล่ะฮะอ๋ะอสำหรับข้านะ่ะนะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วละขอรับเช่นนั้นแล้วนะครับพวกเขาก็จากไปจางชุนกับหมออันเปลี่ยนกลับมาใส่เสื้อผ้าของตน พากันไปขึ้นฝั่งแม่น้าด้านเหนือไอ้คลองหวางกล่าวอำลาแล้วเจ้าเรือกลับบ้านเก็บรวบรวมข้าวของเสื้อผ้าแล้วก็พาบิดาออกตามไปคนทั้งสองแบกร่วมยาออกเดินทางหมออันนั้นเป็นบัณฑิตใช้ชีวิตยุ่งอยู่แต่กับการเป็นหมอรักษาผู้คนไม่คุ้นกับการเดินทางไกลที่ลําบากลาบนเช่นนี้พอไปได้สักสาสิบี้ก็สิ้นแรงหงายเก่งจางชุนก็พาเข้าไปพักในโรงเตี้ยมแล้วสั่งเหล้า ขณะที่ทั้งสองกำลังดื่มกันนั้นบุรุษผู้หนึ่งก้าวเข้ามาในร้านครับเขาคือใครกันนะจะมีเรื่องกันใหญ่โตไหมเนี่ยขณะทั้งสองกำลังดื่มกันนั้นบุรุษผู้หนึ่งก้าวเข้ามาในร้านแล้วร้องทักว่าทำไมจึงได้นานมากันนันั่ะน้องพี่ฮะจางชุนเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นเป็นใต้จงแทบท่องทางแต่งตัวอยู่ในชุดพ่อค้าอดีตในท่าปลารีบแนะนาหมออัน แล้วซักถามอาการส่งเจียมใต้จงตอบว่าอ้อพี่เขาก็พอจะรู้สึกตัวบ้างหรอกนะแต่ดื่มกินอะไรไม่ได้เลยใกล้จะตายอยู่เต็มระดาแล้วจางชุนได้ฟังก็รำให้แต่มองอันเรียบถามขึ้นว่าอา๋อรสสีผิวของเขาออกเป็นยังไงหรือใต้จงตอบว่าอ้อสูบเสี้ยนเหลือประมาณแลละขอรับครวนครางเป็นระยะระยะเจ็บปวดตลอดเวลาคิดว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานซะแล้ว มออันจึงว่าเออถ้าหากยังรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดข้าคิดว่ายังพอจะรักษาได้กลัวแต่ว่าข้าจะไปไม่ทันเท่านั้นเองได้จงเอ่ยขึ้นว่าเรื่องนั้นนะ่ะนะง่ายนะว่าครางก็เอายันผูกขาหมองอันข้างละผืนหยิกร่วมยาขึ้นสะพายหลังแล้วหันไปบอกจางชุนว่าเอาเนาะท่านเดินทางไปตามสบายนะ ข้าจะพาหมอล่วงหน้าไปก่อนใต้จงกับหมออันออกจากโรงเตาบยมแล้วออกเดินทางไปด้วยเวทมนต์จางชุนรออยู่ที่โรงเตาบยมแห่งนั้นไปอีกสองสามวันในไม่ช้าไอ้คร่องหวางก็แบกข้าวของพาพ่อตามมาถึงจางชุนเอ่ยขึ้นด้วยความยินดีว่าโม่แมข้ากำลังรอท่านอยู่พอดีเลยไอ้คร่องหวางถามว่าหมออันล่ะขอรับท่านพี่ เออท่านเทพท่องทางใต้จงมาพบข้าที่นี่เข้าจึงเรียกพาหมออันล่วงหน้าไปก่อนไอ้คล่องหวางกับบิดาและจางชุนก็พากันเดินทางตามไปยังบึงเหลี่ยงซานใต้จงกับหมออานเดินทางมาด้วยเวทมนต์ก็ไปจนถึงเขาเหลียงซานในคืนเดียวกันนั้นเองละครับบรรดาในโจนทั้งใหญ่ทั้งเล็กออกมาต้อนรับแล้วพาเข้าไปยังเตียงทรงเจียงที่ตอนนั้นลมหายใจแผะแผ่วเต็มทีแล้ว แต่พอจับที่ผจรตรวจดูอาการหมออันกลับเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกท่านนายใหญ่ทั้งหลายถึงแม้ร่างกายจะดูอ่อนแอแต่ข้าแมะดูแล้วชีพผจรยังเต้นเป็นปกติดีอยู่ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกใช่ว่าจะอ้อวดแต่ว่าข้าจะรักษาให้ฟื้นได้ภายในสิบวันบรรดาหัวหน้าทั้งหลายพากันคุกเขาโขกศีรษะหมออันก็เอาใบกดจุฬาลัมพามาค้างไฟ แล้วนาบเข้ากับหัวฝีเพื่อดูดเอาพิษออกเอากิ้พึ่งทาพอกเอาไว้ภายนอกแล้วให้กินยาชูกำลังเพียงห้าวันผิวคนไข้ก็ออกสีชมพูมีเลือดฝาดจับตามเนื้อตามตัวแขนขาความอ่อนนุ่มก็กลับคืนมาอาหารก็เริ่มกินได้พอครบสิบวันก็ลุกขึ้นเดินเหินแม้แผลยังไม่ทันจะสมานกันสนิทแต่ทาว่าสามารถกินดื่มได้เป็นปกติแล้ว สร้างชุนพาหวางและบิดามาถึงหลังจากคารวะทรงเจียงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่ตนได้ผจนมาทั้งถูกปล้นและแก้แค้นได้สำเร็จในลำน้ำแยงสีสายนั้นบรรดาหัวหน้าพากันถอนใจอย่างโล่องอกโอ้โหแม่ทำเอาเกือบเสียการไปซะแล้วว่าไหมล่ะพวกท่านใช่ใช่ไม่ใจหายใจความหมดพออาการดีขึ้นทรงเจียงก็หาเรือกับหูยง ยกเอาเรื่องคุณธรรมน้ำมิดขึ้นมาว่าจะรุดไปตีเมืองหลวงมนฑทรุดรเพื่อแก้เจ้าสัวลู่จุนยี่กับชื่อซิ่วซีให้ได้แต่หมออันไม่ยอมร้องบอกว่าเฮ้ยแผลยังไม่ทันหายดีท่านอย่าได้เคลื่อนไหวให้มากนะมันจะไม่เป็นผลดีต่อการรักษาเข้าใจไหมโอ้โหโตจนหมาเลียตูดไม่ถึงและไม่รู้เรื่องเลยว่ะเฮ้ยอะโทษบูยงเองก็เสริมขึ้นว่าเออ ท่านอย่านําเรื่องนี้มารบ ก, กวนจิตใจตัวนักเลยมันจะทําให้ไม่สบายใจไปเปล่าเปล่าพริ้วพริโรดพักกาลังให้ฟื้นคืนตัวสัก่อนข้าใช่ว่าจะสามารถแต่ในเมื่อยามนี้ฤดูใบไม้ผริมาถึงแล้วข้าจะกระทอกําแพงเมืองหลวงมืองธนูดรให้เล้าช่วยชีวิตท่านเจ้าสัว ก, กับซื่อชิวอีกทั้งจ e ับไอ้ีแพทย์ยามสองตัวนั้นมาให้ได้ข้าเจ้ของตัวเป็นประกันว่าจะล้างหนี้แขนท่านให้จงได้เ hey! ทรงจริงจึงว่าเออในเมื่อท่านที่ปรึกษาทัพคอยเป็นห่วงเป็นใยเกื้อหนุนจุนเจืออยู่เช่นนี้ถึงตายข้าก็คงหลับตาตายได้โดยสนิทวูยงถ่ายทอดคำสั่งจากหอธรรมภักดีผลก็คือเมืองหลวงมนทนอุดรกลายเป็นป่าดาบดงหอกปะทะปะทังด้วยไฟประไลยกันเบื้องหน้าจวนสมุหะเทสาพิบาล ซากศพทบเท่ากองกายกระดุดภูเขาเหล่ากาโลหิตก็เจอนนองด่งท้องน้ำก็จริงดังเขาว่าแค่คำพูดธรรมดาธ ร, รมดาก็ยังพาให้ปีศาจสัน่นเทิบแล้วเหล่าขุนพลคนกล้าจะไม่พากันเคลิมกระไมีและที่ปรึกษาวูหยงวางแผนอันใดเอาไว้เชิญฟังบทถัดไปหากยังคาใจใครจะรู้ วันนี้เสนอถึงตอนที่หกสิบมีชื่อตอนว่าชื่อเฉียนเผาหอแมกสวรรค์บูหยงยึดต้าหมิงด้วยกลนส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกๆท่านรับฟังได้เนะบัดนี้ ปูยงเอ่ยกับท่องเจียงว่าเออนับว่าโชคดีเหลือหลายที่ท่านหายเป็นปกติการที่หมออันอุตสาเดินทางมารักษานับว่าเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อที่มันของเรายิ่งนักตอนที่ท่านถูกโรคร้ายรุมเรา้าต้องนอนอยู่แต่บนเตียงนั้นข้าก็ได้ส่งแมวมองออกไปสืบข่าวที่เมืองหลวงบนทุอุดรมาโดยตลอดเขากลับมารายงานว่าผู้ว่าเลี้ยงกลัวเราจะยกไปตีจนอกสันผันหาย ข้าเองก็ให้คนรอบเอาไปประกาศไปติดไว้ตาม ต, ตลาดทั้งไหนแหละนอกเขตกำแพงเมืองรับประกันสามัญชนให้คลายใจว่าพวกเขาไม่ใช่เป้าหมายและให้คำมั่นว่าพอเราเข้าเมืองได้ก็จะค้นหาแต่เฉพาะศัตรูตัวอันตรายเท่านั้นผลก็คือว่าผู้ว่าเหลียงยิงวิตกหนักเข้าไปใหญ่สมุหกนายกใช่ที่เมืองหลวงตะวันออกทราบข่าวแล้วว่าวนเชงมาเข้ากับฝ่ายเรา แต่ไม่กล้านำความขึ้นกราบวงคมทุนใช่เห็นใจเอียงมาข้ามจะนิรโทษกรรมและจะมอบยศขุนนางให้กับพวกเราด้วยคิดว่าจะเป็นทางแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีหนังสือมาสัง่งผู้ว่าเลี้ยงบุรเขยให้ไว้ชีวิตเจ้าสลูกกับชื่อซิลจะได้ใช้เป็นเครื่องไว้ไมตรีเ <l> <c oughs> พราะได้ฟังเช่นนี้นะครับซงเจียนก็แค่จะลงไปตีเมืองหลวงบนทุอุดรเสีย้ยวนั้นแต่วุหยงคิดเป็นอย่างอื่น ตอนนี้กำลังจะขึ้นปีใหม่รวมทั้งวันประเพณีจุดประทีปโคงไฟก็ใกล้เข้ามาเต็มทนเป็นธรรมดาของเมืองหลวงวันทนอุดรจะต้องจัดงานสมโพธิเทศกาลงานนี้กันอย่างยิ่งใหญ่ให้เอก ร, เริกดังนั้นก่อนอื่นข้าใครจะใช้โอกาสนี้แอบสงสัยเข้าไปในเมืองแล้วค่อยจู่โจมเมื่อตีลับกันจากทั้งข้างนอกข้างในเราก็จะสามารถแวกแนวป้องกันฝ่าเข้าไปได้ ส่งจิ้งเห็นด้วยหันไปกล่าวแก่บรรดาขุนพลฝ่ายตนว่าถ้าเช่นนั้นนี่ย น, นะก็โปรดจงว่าลงไปในรายละเอียดได้เลยนะขอรับบูยงถามขึ้นว่าโอ้ไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องจุดไฟสัญญาในเมืองขึ้นกองใหญ่ในการนี้มีพี่น้องท่านไหนบ้างละ่ะที่จะอาสาไปทำละ่ะขอรับบุรุษหนึ่งก็สืบท้าออกไปที่หน้าบัลังแล้วเอ่ยขึ้นว่าข้าเองขอรับ ทุกคนมองไปก็เห็นเป็นชื่อเฉียนไอ้หมัดบนหน้ากล่องผู้นั้นนั่นเองข้าเคยอยู่เมืองหลวงมณฑลอุดรมาตั้งแต่เด็กๆที่นั่นน่ะ น, นะมีโรงเตี๊ยมหลังใหญ่มีนามว่าหอเมฆสวรรค์ทั้งชั้นบนชั้นล่างรวมกันไม่น้อยกว่าร0อยห้องเลยทีเดียวเพราะถึงคืนวันเทศกาลหอแห่งนั้นก็คงจะเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและสีสันเป็นที่ยิ่งข้าจะแอบเข้าเมืองก่อน พอถึงวันที่สิบห้าเดือนอ้ายก็จะเป็นขึ้นไปนบนหลังคาแล้วจุดไฟสัญญาณท่านที่ปรึกษาทัพจะได้ส่งทหารเข้าบุก ค, คุกข้าเห็นว่าวิธีนี้จะดีที่สุดแล้วนะขอรับบูยงกล่าวว่าเหมือนดังที่ข้าพิดเอาไว้ไม่มีผิดวันพรุ่งนี้เช้าลงเขาไปได้เลยพอถึงวันเทศกาลยามต้นหากสามารถจุดไฟขึ้นบนหลังคาหอแห่งนั้นได้ท่านก็จะได้รับการยกย่อง ชื่อเฉียนสัญญาจะปฏิบัติภารกิจให้รู้ล่วงแล้วอำลาจากไปวันรุ่งขึ้นบูหยงก็บอกเสียเจิ้นกับเสียเป้าให้ปลอมเป็นนายพรานเอาสัตว์ป่าที่ล่าได้ไปเร่ขายและกำนันพวกเจ้าพนัก ง, งานต่างๆในเมืองพอเห็นไฟสัญญาณในวันที่15เดือนอ้ายก็ให้ตรงไปประจำการอยู่ที่หน้าจวนผู้ว่าการขอยับยั้งเหล่าแม่ทัพในกองไม่ให้เข้าไปรายงานสมุหเทสาพิบาล ทั้งสองกล่าวอำลาไปได้วยความเต็มใจแล้วบูหยงก็สั่งตู้เฉียนกับทรงวานให้แต่งตัวเป็นพวกค้าข้าวเข็นรถสาลี่สองเล่มก็ไปหาที่พักในเมืองทันทีที่เห็นไฟสัญญาณก็ให้บุกไปยึดประตูเมืองด้านทิศตะวันออกทั้งสองรับปากแล้วอำลาไปแล้วหันไปสั่งคงหมิงกับคงเหลียงให้ปลอมตัวเป็นขอทานไปเที่ยวหลับนอนตามใต้ชายคาในย่านร้านตลาดที่จอแจ๋ที่สุดในเมือง พอเห็นไฟไหม้หอก็หรีบไปเสริมกำลังชื่อเฉียนทั้งกู้ยินดีแล้วจากไปบูหยงหันไปสั่งรี่หญิงกับซื่อจินให้แต่งกายเป็นคนเดินทางแล้วเข้าไปพักในโรงเตี้ยนใกล้ๆประตูตะ ว, วันออกพอเห็นสัญญาณไฟไหม้ก็ให้เข้าไปฆ่าทหารยามที่เฝ้าประตูเมืองแล้วยึดเอาไว้ใช้เป็นทางถอยทั้งสองให้สัญญาและอำลาไปอีก แล้วสั่งหลวงจีนลูกกับพระธุดงบู่สง์ให้ปลอมตัวเป็นพระธุดงเข้าไปจํำวัดที่อารามนอกตัวเมืองพ่อเห็นสัญญาณก็ให้ไปที่ประตูเมืองด้านทิศใต้คอยสกัดทหารรัฐบาลที่จะหนีออกไปทางนั้นทั้งสองตกลงและก็จากไปบูหยงสั่งโจหยวนกับโจหลุนแซงทําทีเป็นพ่อค้าเร่ขายคมไฟแล้วให้ไปพักที่โรงเตี๊ยมกลางเมืองพอเห็นไฟสัญญาณบนหลังคาก็ให้ไปที่หน้าคุกเพื่อสนับสนุนพวกที่จะเข้าตี ทั้งสองรับปากแล้วก็จากไปแล้วสั่งหลิวถังกับหยางซ่วงให้ปลอมตัวเป็นเจ้าพนัก ง, งานตำรวจไปพักอยู่หน้าสาราว่าการในเมืองพอเห็นไฟสัญญาณก็ให้ป้องกันคนที่จะเข้าไปรายงานเหตุการณ์เพื่อตัดการสื่อสารของฝ่ายบริหารที่จะปัญชาการลงไปในชั้นล่างทั้งสองจากไปได้วยความยินดีแล้วสั่งเต้าซือกองซุนเชงให้แต่งตัวเป็นนักบวชธรรมจาริกให้หลิงจนกับเนนผู้รับใช้ เข้าไปจำศิลอยู่ในที่สงัดพร้อมดอกไม้ไฟหลายร้อยดอกพอเห็นสัญญาณก็ให้จุดขึ้นทั้งสองตกลงแล้วจากไปแล้วให้จางชุนพาเยยนฉิงเข้าเมืองโดยให้ว่ายน้ำจากคูเมืองเข้าไปทางประตูน้ำแล้วจับตัวชูทั้งสองที่บ้านเจ้าสัวลูกให้เสือเตี้ยวหวางสุนชินจางฉิง นางกระบี่เหล็กสิบเสี้แม่นางกู้กับนางไม่มดสุนเป็นผัวเมียจากนอกเมืองสามคู่ทาทีมาดูงานเทศกาลเล่นไฟและมีหน้าที่วางเพลิงบ้านเจ้าสัวลูกแล้วให้ใช้จิ้นกับเย้โหแต่งไปในทหารที่ไปบ้านของพวกในการใหญ่ใช้เพื่อขอให้รับประกันสวัสดิภาพของนักโทษทั้งสองเมื่อสั่งการเสร็จหมดแล้วนะครับบรรดาหัวหน้าที่ได้รับมอบหมายก็ทยอยลงจากเขาเดินหน้าไปตามภารกิจของตนของตน ตอนนั้นก็เพิ่งจะย่างเข้าต้นเดือนอ้ายเราจะยังไม่เล่าเรื่องหมู่ผู้กล้าที่ลงเขาไปนะครับแต่จะกล่าวถึงผู้ว่าเลี้ยงที่เรียกรีเชงเหวินต้าและข้าหลวงหวางมาประชุมผู้ว่าเลี้ยงปราลบขึ้นว่าทุกๆปีเราจะร่วมเฉลิมฉลองกับประชาชนจัดงานจุดประทีปโคมไฟตอนรับเพนแรกของปี เช่นเดียวกับที่มีปฏิบัติกันอยู่ในเมืองหลวงตะวันออกแต่ถ้าว่ามาปนีนี้เราถูกไอ้พวกโจนเหลียญซานปะยกมาตีเมืองเราถึงสองครั้งสองคราข้าเกรงว่าเทศ ก, การจุดประทีปโคมไฟจะชักพาเรื่องร้ายๆให้หวนกลับมาอีกข้าจึงพิจารณาจะงดเสียพวกท่านสุภาพบุรุษจะคิดเห็นเป็นประการเช่นไรหรือคุณ<น>พลวนต้าพูดขึ้นว่า ข้าเห็นว่าเมื่อคราวก่อนไอ้พวกโจรมันแอ บ, บถอนทับหนีกลับไปและใบประกาศที่มันแอ บ, บมาติดก็บอกอยู่ทนท่อแล้วว่าพวกมันหมดหนทางสิ้นปัญญาจะทำอะไรได้ใต้เท้าขอรับโปรดจะให้อะไรมารานหัวใจหากเราผ่านพาโลไม่จัดเทศกาลจุดประทีปคมไฟในปีนี้ช่วยไอ้พวกนั้นเกิดรู้เข้าพวกมันก็จะแบบอบย่ยิ่เอาได้ข้าขอเสนอให้ท่านออกคาสั่ง ให้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อประกวดประขันประชันคองไฟให้ยิ่งใหญ่ไปกว่าปีก่อนๆสร้างภูเขาจำลองกลางเมืองเพิ่มขึ้นอีกสองลูกให้เหมือนอย่างเมืองหลวงตะวันออกเลยแล้วจัดงานสมโพธ์สักห้าวันห้าคืนจากวันที่13ไปถึงวันที่17ฉลองกันให้เสด็จไปจนสว่างเลยให้ท่านข้าหลวงคอยเกณฑ์ผู้คนมาร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียงแล้วใต้เท้าด้วยนะขอรับท่านต้องไปร่วมฉลองกับประชาชน ข้าเองจะนำหน่วยทหารของเราออกไปตั้งมั่นไว้ที่หุบเสือเขินคอยระวังระวายไอ้โจรที่จะแอบมาก่อเรื่องให้ท่านผู้ประชา ก, การเขตทหารหลีนำทัพหมาเหล็กออกราดตระเวนไปรอบๆเชิงเทินเพื่อให้ประชาชนพากันอุ่นใจไม่เกิดระสำัำระสายผู้ว่าเหลียงสมุหเทสาพิบาลได้ฟังก็ยินดีนักหลังจากหารือกันอยู่พักหนึ่งที่ประชุมก็ตกลงไปตามนั้น ผู้ว่าเหรียญจึงออกคำสั่งประกาศให้ทราบทั่วกันอย่างเป็นทางการตอนนั้นนะครับนครต้าหมิงเมืองหลวงมณฑลอุดรเป็นศูนย์กลางเมืองที่ยิ่งใหญ่และมั่งขั่งที่สุดในมณฑลหูเปื่อยบรรดาพ่อค้าวันนิตตามยกขยโญงกันมาค้าขายยังศูนย์กลางแห่งนี้พอทราบข่าวว่าทางบ้านเมืองจะจัดงานสมโพธเทศกาลประทีปโคมไฟให้ยิ่งใหญ่เช่นนั้น ทุกคนก็รีบแห่กันเข้ามาร่วมวงบรรดาเจ้าพนัก ง, งานพากันสำรวจตรวจตราการเตรียมงานไปทั่วทุกหัวถนนทุกตรอกซอกซอยบรรดาตระกูลมั่งมีใหญ่ๆ ใ, ในเมืองต่างประกวดประขันแข่งกันตกแต่งโคมไฟของตนบ้างก็ออกไปหาซื้อโคมไฟใหญ่ๆสวยๆงามๆจากชาวบ้านร้านถิ่นที่ใกล้ๆบางครั้งถึงร้อยสองร้อลีก็มี ไม่นับบรรดาหาบเรตที่แห่กันเอาโคมไฟของตัวเข้ามาขายในเมืองเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วบรรดาครอบครัวตระกูลต่างๆตบแต่งหน้าบ้านยกเป็นนั่งร้านพิเศษเพื่อทําเป็นที่แขวนโคมไฟอีกทั้งราว จ, จุดดอกไม้ไฟหลายหลกักส่วนสนามภายในบ้านก็ปลูกนั่งร้านมุงหลังคาติดโคมไฟให้บรรดาศิลปินมาวาดภาพติดกระดาษไขไว้รอบๆดวงประทีปเมื่อเวลาตามไปแล้วหมุนโคมไป ร, บรอบๆ รูปภาพที่เขียนติดโคมไว้ก็จะวิ่งวนไป ร, บรอบๆกำแพงบ้านดูเป็นที่สวยงามยิ่งนักยังไม่นับพวกตระกูลใหญ่ที่เอาของเล่นที่สลับซับซ้อนและศิลปะล้ำค่าหายากออกมาตั้งอวดให้ผู้ชมได้ชมกันทุกๆครอบครัวทั่วทุกหัวระแหงก็เตรียมโคมไฟเอาไว้พร้อมพักข้างๆสะพานทางเข้าสาาว่าการใกล้ๆจวนผู้ว่าพวกเขาสร้างภูเขาจาลองเอาไว้ลูกหนึ่งทามังกรกระดาษสองตัว ตัวหนึ่งทาสีแดงอีกตัวหนึ่งทาสีเหลืองโอ้โหสองตัวนี้อยู่ใกล้กันได้หรือครับเนี่ยไม่ตีกันตายหาเลยวนะ ύ, นี่ยเฮ้ยนาหลงสารจังตัวหนึ่งทาสีแดงอีกตัวหนึ่งทาสีเหลืองโอบรัดภูเขาจำลองลูกนั้นพันตัวขึ้นไปจนถึงยอดเกรดบนลำตัวแต่ละชิ้นระดับโคมไฟเล็กๆ เ, เอาไว้ส่วนปากก็พ่นละอองน้ําออกมาเป็นฝอย ตามราวสะพานก็แขวนโคมระดับนับกันไม่หวัดไม่ไหวไม่รู้ว่าจะมีจํานวนสักเท่าใดสว่างสวยไปสิน้นส่วนภูเขาจําลองอีกลูกหนึ่งนั้นพวกเขาพากันไปสร้างไว้ที่หน้าวัดพระพุทธรูปสัมฤทธิ์มีมังกรสีน้ําเงินพัานรอบจุดโคมไฟไว้อีกหลายร้อยดวงที่หน้าหอเมฆสวรรค์ก็ยังสร้างภูเขาจําลองขึ้นอีกลูกหนึ่งคราวนี้นะครับมังกรทาสีขาวตามด้วยโคมไฟราวอีกนับไม่ไหวครับสีขาวก็ยังดีนะครับ สีแดงกับเหลืองนี่นะไม่ไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้ตามได้โคมราวอีกนับไม่ท้วนอันที่จริงนะครับหอเมฆสวรรค์ก็คือโรงเตียมขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลมันเป็นตึกสูงสามชั้นกันศาสตร์แต่ละชั้น ผูกขึ้นด้วยขานไม้ดัดงามงอนอ่อนระหงต้องตามเพดานนั้นเล่าก็แต่งแต้มเอาไว้อย่างวิจิตรพิสดารเหลือที่จะกล่าวนับเป็นตึกใหญ่งามส ง, ง่ากว่าร้อยห้องจากเช้าจะรดค่ำดนตรีขับกล่อมครวนคล่ำอยู่มิเว้นวายวัดวาอารามและศาลเจ้าประดามีทั้งหลายในนครแห่งนี้นะครับก็ประดับประดาห้อยระยะเอาไว้ได้โคมระยับเพื่อขับขานเทศกาลขึ้นปีใหม่น้พักต้องพูดอะไรให้มากความไปอีก การจัดแสดงในหมู่ตึกฮฤหันกับการประกวดประขานทั้งหลายในตอนนั้นล้วนไปหาความหรูหราฟุ่มเฟือยใดๆมาเทียบไม่ได้อีกแล้วพวกบรรดาแมวมอก็ขาบเอาข่าวนี้ไปรายงานทางเมืองเหลี่ยมซานปูยงให้ดีใจนักจึงนำเรื่องไปบอกทรงเจียงทรงเจียงก็ใครจะนำทัพไปตีต้าหมิงด้วยตนเองแต่หมออันไม่อนุญาตเฮ้แผลท่านยังไม่ทันสมานสนิท ่าได้คิดเคลื่อนไหวไปมาให้มากนักหากโมโหโกรธาแทะเข้ามาอย่าใดๆก็เอาไว้ไม่อยู่เฮ้ยตูเลี้ยหมาไม่ถึงและยังซ่าอีกปาดทะ่อปูหยงจึงเสนอขึ้นว่าขอข่าไปแทนท่านก็นแล้วกันและร่วมกับคุณธรรมชุดเล็กเปยส่วนคัดเลือกผู้ที่จะไปด้วยแปดหน่วยหน่วยแรกนะครับนำโดยกระบองสองมือหูเวีนโจ มีหั่นเถากับเปงฉีเป็นผู้ช่วยให้หวงซินผู้เหยียบสามดอยเดืองคุมกองหนุนหน่วยแรกนี้เป็นทหารมาล้วนๆจริงๆแล้วนะครับกองหน้าของฮูเหวียนเพียงแค่กักเอาไว้ไม่ได้คิดจะรบจริงเป็นแต่วางแผนเป็นแผนหลอกเพื่อปล่อยกวนเชงให้ออกหน้านำแสดงหน่วยที่สองนำโดยหัวเสือดำหลินชงมีหมาหลินกับเตงเฟยเป็นผู้ช่วยคุมแทะกบวนด้วยหัวหงรีดกวงน้อย หน่วยนี้ก็เป็นทหารม้าล้วนๆอีกเช่นกันแหละครับหน่วยที่สามก็ขี่ม้าทั้งหมดนําโดยก้วนเชงขุนพลเงาใหญ่มีส่วนชานกับหาวซื้อหวนเป็นผู้ช่วยปิดท้ายด้วยสุน ล, ลี่ขุนพลขี่โรคหน่วยที่4ี่เป็นทหารม้าอีกเช่นกันมีฉินหมิงเจ้าสนีบาศสายฟ้าฟาดนํานตามด้วยโอเปงกับเหยียนชุนโดยมีหยางซื่อเดรัจฉานหน้าดำคุ้มกองหนุนหน่วยที่ห้าเป็นหน่วยราบใช้ไพ่ราบคนเดินเท้าล้วน มีโมโหงรั้งไม่อยู่คุมผู้ช่วยคือตู้สิงกับเจงเทียนโชสุภาพบุรุษหน้าร้อนะครับแม่นําชอบมากเลยผู้บัญชาการพลเดินเท้าอีกคนหนึ่งคือสลาตันดัมลี่ขุยคุมหน่วยที่6มีลี่ลี่กับเกาเจิ้งเป็นผู้ช่วยเลยเหงือติด ป, ปีกผู้บัญชาการพลเดินเท้าอีกผู้หนึ่งคุมหน่วยที่7มีซื่อเอินกับมู่ซุนเป็นผู้ช่วยหน่วยที่8เป็นหน่วยราบนําโดยผู้บัญชาการฟานหรุย เจ้าอสูรม้วนแผ่นดินมีเสียงจงกับรีกุลเป็นผู้ช่วยในวันนั้นเองนะครับไพ่พลทั้ง8กองได้รับบัญชาให้เดินทับไปโดยไม่ให้ชักช้าโดยกล่าวว่าให้ทับม้ากับคนเดินเท้าไปถึงกระแพงเมืองพร้อมกันตอนยามสอง 2, ของวันที่15เดือนอ้ายพอมอบหมายบรรดาแม่ทัพในกองเสร็จ่วยทัพทั้ง8ด ก็ยกลงจากเขาส่วนหัวหน้าที่เหลือพร้อมกับส่งเจียงให้อยู่เฝ้าค่ายนั่นสมน้ำมหน้าอยู่เฝ้าบ้านให้คนอื่นเขาไปรบบ้างนะตัวเองก็พักผ่อนไปแม้แต่สมัยก่อนนะครับพี่น้องนะมันไม่มีโทรศัพท์มือถือมันไม่มีวิธีรับส่งนะมันต้องใช้ม้าเร็วอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้นะม้าเร็วเขาไม่ต้องใช้นะเขาใช้ใตจงนะเทพท่องทาง เป็นผู้ลาเลียงข่าวสารเป็นผู้ส่งข่าวสารอย่างด่วนนะครับข้างฝ่ายไอหมัดบนหน้ากรองผู้นั้นไต่กำแพงปีนหลังคามาเป็นนิดไม่เคยคิดจะเดินลอดประตูเข้าไปอย่างใครเขาจึงแอบดอดปีนกำแพงเมืองเข้าไปในตอนกลางดึกเมื่อเดินทางมาเดียวๆหาที่พักในโรงเแรมไม่ได้วันทั้งวันจึงต้องแปลวอยู่บนท้องถนนจะพักผ่อนนอนหลับได้เฉพาะในตอนกลางคืน ก็แต่บนทางเท้าหน้าสารเทพระเจ้าหลักเมืองเท่านั้น <ś les> พอย่างเข้าวันที่13 <ś les> ก็เตรไปในแถบใจกลางเมืองทำทีเป็นสนอกสนใจผู้คนพลเมืองที่ตกแต่งหน้าร้านระดับประดาโค้งไปอยู่ตามบ้านเรือนของตนทันใดนั้นชื่อเฉียนก็เลือกไปเห็นเสียจ้นกับเสียเป้าเข้า กำลังแบบเหยื่อเที่ยวเดินเตร็ดเตร็ดูผู้คนเช่นกันแล้วก็เห็นตู้เฉียนกับทรงวาน ก, กําลังก้าวออกมาจากหมู่ตึกคัหันชื่อเฉียนจึงเลี่ยงขึ้นกระไดห่อเมฆสวรรค์ไปชั้นบนเดินดูบ้านเมืองไปรอบๆแต่แล้วพอมองลงไปที่ถนนก็เห็นขงหมิงพยายามอําพรางเนื้อตัวแต่งเป็นกระยาจกดูสกปรกโสโครผมเผ่ายุ่งเหยิงเป็นกระเชิงสังกะตังนุ่งหม่มหนังแกะขาดๆวิ่นวิ่นมือซ้ายถือไม้เท้าตีหมามือขวาถือกลาขอทาน คงหมิงเห็นก็พยักาเยิดให้ชื่อเฉียนลงมาคุยด้วยที่ด้านล่างชื่อเฉียนเอ่ยขึ้นเฮ้ยพี่ขงท่านดูไม่เหมือนขอทานเอาซะเลยไหมแต่น้อยเนื้อตัวก็กำยำล่ำสันอ้วนท้วนสมบูรณ์ผพวขาวอมเลือดฝาดเป็นสีชมพูออกอย่างนี้ในเมืองเต็มไปด้วยหูตาของตำรวจหากมีใครสักคนสงสัยว่าท่านปลอมตัวเข้ามาแล้วก็แผนการทั้งหมดของเราก็อาจจะต้องถลกถลักได้ ท่านรีบๆลงไปให้พ้นหูพ้นตาพวกคนเสียจะดีกว่าขณะกำลังพูดกันอยู่นั้นขอทานอีกผู้หนึ่งก็เลี้ยวหัวมุมมาสมทบชื่อเฉียนจ้องมองออกไปก็เห็นเป็นขงเหลียงชื่อเฉียนเริ่มหงุดหงิดจึงพูดว่าเฮ้ยเอาอีกคนแล้วผิวพัน์ขาเราหิมะไม่มีใครก็เชื่อดอกว่ารูปร่างอย่างนี้จะอดอยากปากหมองอะฮะเฮ้ย พวกเขาเป็นต้องจับพิรุษจุดนี้ได้แน่แนะและแล้วชายอีกสองคนก็แอ บ, บเข้ามาข้างหลังรัดคอชื่อเฉียนเอาไว้แล้วตะคอกขึ้นว่าเฮ้ยเจ้าทั้งสามคนกำลังวางแผนอะไรกันอยู่ฮะเฮ้ยพอหันไปก็เห็นเป็นอย่างซ่วงกับหลิวถังชื่อเฉียนถอนหายใจอย่างร่องอกแล้วพูดว่าเฮ้ยท่านทำให้ข้าตกใจเสียทักษยเลยปาทงมาจากไหนเนี่ย อย่างซ่วงจึงสั่งว่ามานี่มานี่มากับข้าพรางนำคนทั้งหมดเข้าไปในที่เปลวแห่งหนึ่งแล้วตำหนิขึ้นว่าพวกท่านไม่มีหัวคิดกันบ้างเลยหรือไรไปยืนพูดกันอยู่ตรงนั้นโชคดีที่เราสองคนไปเจอเขาซะ ก, ก่อนหากเป็นตำรวจที่ตาไวาใจเร็วแล้วล่ะก็งานใหญ่ของพี่ทรงเจียงก็คงต้องล่าช้าออกไปเป็นแม่นมันข้าเห็นพวกเราคนอื่นๆหมดแล้ว พวกท่านไม่จำเป็นต้องมาเต้นเตะอยู่ตามท้องถนนแบบนี้อีกเข้าใจไหมฮึคงหมิงเอ่ยขึ้นว่าโจหยวนกับโจหลุนกำลังขายโคงไฟลุงจีนลูกกับวู่สงก็ไปจำวัดอยู่นอกกำแพงเมืองแจ้งให้ทราบกันแค่นี้ลหละนะเพราะถึงเวลาก็ขอให้ทุกคนแยกจ่ายกันไปทำตามแผนที่ได้รับบอบหมายมาให้ดีก็แล้วกันแต่พอพวกเขาเดินไปถึงหน้าวัดแห่งหนึ่ง ก็เห็นเต้าสือผู้หนึ่งเดินออกมานักบวชผู้นั้นพอเห็นคนเหล่านั้นก็อุทานขึ้นด้วยอารามตกใจว่าเฮ้ยพวกท่านมาทำอะไรกันอยู่แถวนี้หลหะฮะเฮ้ยจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากมังกรซ่อนเมฆเต้าสือกองซุนเฉีงผู้นั้นนั่นเองด้านหลังเป็นหลิงจเจิ้นเนนปลอมทั้งเจ็ดพยักหน้าเป็นสัญญาณให้กันและกันแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายไปตามทางของตน พอใกล้จะถึงวันงานเทศกาลผู้ว่าเหลียงก็สั่งเวนต้าขุนพลดาบใหญ่ให้เร่งพาทัพม้าออกไปตั้งสกัดโจรร้ายยังที่หุบเสือเหิอนนอกเมืองพอถึงวันที่สิบสี่ก็สั่งการให้ขุนพลหลี่เชง นำม้าเหล500็ก5้าร้อยตัวผูกเกราะตั้งแต่หัวจรดเท้าออกนาตระเวณไป ร, บรอบๆตัวเมืองพอรุ่งขึ้นวันที่15เทศกาลจุดประทีปโคงไฟท้องฟ้าใสสว่างกระจ่างตาพระตกขั้มจันเพนก็เด่นลอยขึ้นกลางฟ้าอาบถนนหนทางด้วยแสงเจิดจ้าสีเงินยวง ฝูงชนพากันตื่น อ, อกตื่นใจไปกับดอกไม้ไฟวูบวูบ ๆ, ๆชื่นชมทัศนียภาพดวงประทีปโคมไฟที่เป่งแสงสตร์สวยงามตาคืนนั้นพวอนในการใหญ่สองคุกใช่ฟูสั่งให้น้องชายอยู่ดูแลนักโทษทั้งสองเออน้องพี่ข้าจะกลับไปบ้านสักพักไม่นานนักก็จะเรียกลับโอเคโอเคพี่ชายไปเลยไปเลยเดี๋ยวดูให้ ขณะก้าวเข้าประตูบ้านสองบุรุษก็ก้าวตามเข้ามาคนแรกแต่งกายเป็นนายทหารส่วนอีกคนหนึ่งเหมือนเป็นคนรับใช้แต่พุ่มในการใหญ่สองคุกเพ่งมองออกไปใต้แสงตะเกียงก็เห็นคนหนึ่งนั้นเป็นท่านชายใช้จิ้นสลาดตันน้อยส่วนอีกคนหนึ่งคือเยะโหคอหอยเหล็กใช่ฟูรู้จักใช้จิ้นจึงเชิญทั้งสองเข้าไปในบ้านเอาจอกสุราออกมาวางเรียงไม่ต้องถอขอรับขอขอบพระคุณท่านเป็นยิ่งนัก ท่านชายสลาตันน้อยเอ่ยเราเรียกมาเพื่อขอร้องท่านเป็นการด่วนพวกเราทราบดีว่าท่านพ่วมในการใหญ่ดูแลท่านเจ้าสัวลูกกับชื่อซิ่วด้วยอนาทรอยิ่งนักครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับการบุกทะลวงตีเมืองหลวงมุทนุดรของบดดาจโจรเขาเลิงซานจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับจะตีได้หรือไม่ได้นะครับจะมีการบอบช้ํากันหรือไม่ เดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปหน้านะครับใช่ฟูรู้จักใช้จินดีจึงเชิญทั้งสองเข้าไปในบ้านและเอาจอกสุราออกมาวางเรียงท่านชายสลาตันน้อยจึงรีบเอ่ยขึ้นว่าโอ้ยไม่ต้องดอกขอรับ ขอขอบพระคุณท่านเป็นยิ่งนักเราเรียกมาก็เพื่อขอร้องท่านเป็นการด่วนพวกเราทราบดีว่าท่านผู้อำนวยการใหญ่ดูแลท่านเจ้าสัวลูกกับชื่อซิ่วด้วยอนาถยิ่งนักเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้เราขอบพระคุณท่านมากสักแค่ไหนก็คงไม่พอขณะที่มีงานสมโพธ์ใหญ่โตโมโหราณเช่นนี้เราใคร่จะลอบเข้าไปในคุกเพื่อพบพวกเขาเราใคร่ขอรบกวนท่านให้นําทางเข้าไปด้วยนะขอรับวอนอย่าได้ปฏิเสธเลย ใช่ฟูเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านประสบการณ์มาแล้วอย่างโชคโชนจึงคาดหมายได้แม่นยําว่าใช้จินต้องการอะไรหากเขาปฏิเสธและหากโจรพวกนี้สามารถเจาะเข้ามาในเมืองสําเร็จไม่เพียงแต่ตัวจะเสร็จเท่านั้นหากแต่ครอบครัวทั้งหมดก็คงจะพลอยถูกเด็ดตามไปด้วยผู้บุกในการใหญ่สองคุกไม่มีทางเลี่ยงจําต้องเสี่ยงกับผลร้ายด้วยตนเองดังนั้นจึงเอาเสื้อผ้าเก่าๆให้ทั้งสองใส่แต่งกายให้มองดูคล้ายตํารวจส่วนตัวนั้นเล่าก็เปลี่ยนผ้าโพกศีรษะ แล้วแอบพาคนทั้งสองเข้าไปพ อ, อยามแรกมาถึงเสือเตี้ยวหวางกับนางกระบี่เหล็กสิบเสีย้ยสุนเซนกับแม่นางกู้และจ้างชิงกับแม่มดสุนก็แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นคู่ผัวตัวเมียที่ทำทีว่ามาจากบ้านนอกแทรกตัวปะาปนกับฝูงชนที่ลังไหลผ่านประตูเมืองตะวันออกเข้ามาเที่ยวชมงานเทศกาลโคมไฟในตัวเมืองกงสุนเชงกับหลิงเจิ้น หพ่อผ้าขนาดใหญ่ไว้บนคานเข้าไปพักในศาลเจ้าหลักเมืองแล้วนั่งหลบอยู่บนระเบียงใต้ชายคาริมกําแพงศาลเจ้าศาลเจ้าแห่งนี้นะครับก็อยู่ติดกับสาราว่าการจังหวัดพอดิบพอดีเลยแหะครับโจหยวนกับโจหรุนเตะไปที่ใจกลางเมืองแบกโคมไฟไปขายตู้เฉียนกับทรงวานใส่รถเข็นข้าวสองคันตรงไปยังประตูหน้าของจวนใหญ่แล้วก็กลืนหายไปกับฝูงชนที่เตระเตะกันอยู่ในระแวกนั้น ชวนผู้ว่าตั้งอยู่บนหัวถนนที่ตัดตรงมาจากประตูเบื้องทิศตะวันออกลิวถังกับหยางซ่วงต่างคนต่างถือไม่พ้องของตำรวจซุกซ่อนอาวุธอย่างอื่นเอาไว้ในตัวพากันนั่งอยู่บนราวสะพานศาาว่าการทั้งสองฝาเยเย็นฉินกับจางชุนว่ายน้ำลอดประตูเข้าไปในเมืองแล้วซ่อนตัวอยู่ในที่ลับตาคนแห่งหนึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับเราจะไม่เล่าให้ยินเยอะ ในไม่ช้าก็ได้ยินเสียงกลองบอกยามสองดังลงมาจากห อ, อกลองแห่งหนึ่งชื่อเฉียนก็ปรากฏกายอุ้มตะกร้าใบาใหญ่มาด้วยในตะกร้านั้นบรรจุผงกรรมฐนันกรดดินประสิวและสายชนวนพร้อมแล้วเอามงคลเครื่องประดับศิษาสตรีสุ้มอำพรางของไวไฟเอาไว้ข้างบนแล้วเดินขึ้นกระดาดไปบนเหล่าเต็งของหอเมฆสวรรค์จากห้องทุกห้องดนตรีปีพาดเล่นเสียงซอดังอ้อแอ ทั้งปีดทั้งตแตรรั่รวร่ําสอดประสานกลองกลับขยับลำนำําผู้คนในร้านก็พากันเล่นสวนเสฮเฮาส่วนพวกที่มาเดินเล่นก็พากันเฉลิมฉลองเทศกาลประทีปโคมไฟกันให้อึกระทึกชื่อเฉียนแซงทําทีเป็นเร่ขายเครื่องประดับรัดเกล้าสตรีหมุดเข้าห้องนี้ไปออกห้องโน้นพอไปได้ครึ่งทางก็เห็นเสจเจิ้นกับเสจเป้าคอนหลาวเอาไว้บนบ่าปลายข้างหนึ่งห้อยกระต่ายป่าที่ล่ามาเร่ขายชื่อเฉียนกระสิบบอกว่า ได้เวลาแล้วเฮตุฉันไหนข้างนอกนั้นจึงฟังดูเงียบเชียบนักเสียเชิญจึงว่าอ๋อก็เราเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเห็นแมวมองฝ่ายเราขี่ม้ามาตัวหนึ่งคิดว่าทัพของเราคงมาถึงและส้มคอยทีอยู่แล้วท่านทําตามหน้าที่ของท่านไปก็แล้วกันฮะโอเคโอเคก่อนจะทันขาดคําก็ได้ยินเสียงคนตะโกนโบกเบรกดังมาจากด้านหน้าของตัวตึก ใครบางคนตะโกนขึ้นว่าอา้าไอ้พวกจอนบืองเหลี่ยงารมาถึงประตูด้านทิศตะวันตกแล้วเสียเชิญจึงร้องสั่งซื่อเฉียนว่าเร็วเข้าเร็วเข้าเราจะรีบบุกไปยึดตำแหน่งของเราที่นาสาราว่าการว่าแล้วก็พาเสียเป้าตรงไปอย่างที่หมายแต่พอไปถึงก็เจอกองทหารจำนวดมาก ทหารหมู่นั้นพากันแตกพ่ายเข้ามาในตัวเมืองแล้วโจด จ, จันกันว่าขุนพลเหมือนต้าถูกฟ้อตีไม่ทันได้รู้เนะื้อรู้ตัวจึงต้องล่าถอยเอา้าพวกโจดกําลังบุกมาทั้งนี้แล้วฝ่ายขุนพลหลี่เชิงที่กําลังพาเหล่าทหารม้าลาดตระเวนอยู่บนเชิงเทินพอทราบข่าวก็ควบม้ามาที่กองประชาการค่ายระดมกําลังทหารที่เหลือแล้วสั่งปิดประตูเมืองให้มิดชิดปร ะ, ะดมกําลังทหารที่เหลือ นึกว่าจะออกรบป่าดโถดันปิดประตูสมิิชิดเลยใครจะประรบกับมึงวะเนี่ยส่วนข้าหลวงหวางที่พาพลตระเวน ร, ร้อยคนพร้อมโซ่ตะวนและคือคาออกไปคอยรับษาความสงบเพื่อสยบบรรดาขี้เมาที่มาวุ่นวายครั้นพอได้ทราบข่าวว่ากองทัพโจรจะบุกตีเมืองก็รีบรุดกลับมาที่กองบัญชาการทหารข้างฝ่ายผู้ว่าเลี้ยง ตอนมีคนมารายงานข่าวชิ้นนี้ก็กําลังออกไปนั่งเล่นอยู่นอกจวนพอได้ข่าวก็ถึงกับพังะคันแมวมองพ่อม้ากลัดมารายงานความคืบหน้าในอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วยายต่อมาผู้ว่าเหลี่ยงก็ยังคงสันเทิมลงไปถึงก้นบึ้งของดวงวิญญาณอยู่อย่างนั้นแล้วรีบเรียกหาม้ามาขี่ก็ตอนนั้นนั่นเองนะครับชื่อเฉียนจุดดินชนวนที่ผสมกรรมฐานกับดินประสิวขึ้นบนหลังคาหอเมฆสวรรค์ เร็วไฟลุกพลามขึ้นจับท้องฟ้าบทบางรัสมีเจิดจ้าของดวงจันทร์คืนวันเพนไปสิน้นผู้ว่าเหลียงขึ้นมาเรียบควบมายังสถานที่เกิดเหตุแต่ชายร่างใหญ่สองคนดันรถเข็นสองคันออกมาขวางหน้าแล้วเอาน้ำมันตะเกียงที่แขวนอยู่บนรถเทราดข้าวของและจุดไฟเผาผู้ว่าเหลียงตเตลิดหนีไปทางประตูตะวันออกชายร่างใหญ่อีกสองคนก็ตะวันออกไปลี่หญิงกับเซืรอจจิ่มอยู่ที่นี่แล้วมึงจะหนีนะ พห้างคว ง, ง้าทะลันออกมาอย่ประสมร้ายทหารยามที่ประตูผ้ากันแตกพ่ายทิ้งผู้บาดเจ็บสิบกว่าคนเอาไว้เบื้องหลังตู้เฉียนกับทรงวานรีบตามเข้ามาสมทบคนทั้งสี่ก็ช่วยกันยึดประตูเมืองด้านทิศตะวันออกเอาไว้ผู้ว่าเหลี่ยมทราบดีว่าตนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคนเหล่านั้นจึงรีบพาบริวารห น, นีไปทางประตูด้านทิศใต้แต่พอไปถึงก็มีรายงานว่ารายงาน หลงจีดอ้วนรูปหนึ่งถือไม้ท้าพระธรรมกับพระโดงหน้าตาเธอมึงทึงเหมือนสัตว์ในรังฉานถือดาบคู่กำลังไล่ค่าฝูงคนตรงมาทางนี้แล้วขอร้องัวเหลียงก็หันมา้าพ่อกลับมายังจวนของตนพ่อมาถึงก็เห็นเสียเชินกับเสียเป้าใช้ชงมวกเหล็กทิ่มแทงบรรดาทหารลม้มลงไปทั้งซ้ายทั้งขวาจึงคิดจะหนีไปทางศาากลางแต่ก็เกิดไม่กล้าเข้าใกล้ หลวงหวังอยากจะแวกทางออกมาหาแต่ก็ถูกเลิวถังกับยางซ่วงใช้ไม้พลองตำรวจขวดเขาที่หัวอย่างรุนแรงจนสมองแตกกระจายลูกในตาทะลันอนตายอยู่หน้าสาลากลางแห่งนั้ น, นบรรดาสมเยนจและทหารพิทักษ์ต่างแตกหนีเอาชีวิตรอดผู้ว่าเหลียงรีบหนีไปทางประตูทิศตะวันตกก็ได้ยินเสียงระเบิดขนาดใหญ่ปานปฏิพีจะถลม่ม แตกติดต well like ิดกันดังรัวรนาดดังมาจากทางสันเจ้าพ่อหลักเมืองขณะเดียวกันโจหยวนกับโจหุนก็เอาคบไฟผูกปลายไม้เริ่มต้นวางเถิงไปตามชายคาบ้านเรือนชาวบ้านส่วนเสือเตี้ยวหวางกับนางกระบี่เหล็กสิบเสี้ยที่ประจำในย่านโรงแรมด้านใต้ของตัวเมืองก็ถืออาวุธไล่ตีตามมาด้วยซุนซินกับแม่นางกู้ที่ลวงอาวุธคู่มือขึ้นมาถือ ไฟจางฉินกับนางใม่มดสุนก็บุกตะลุยเข้าไปในวัดพระพุทธรูปสัมฤทธิปีนขึ้นไปบนภูเขาจำลองแล้วจุดไฟเผาประชาชนในเมืองพากันแตกตื่นไปทั่วทุกย่านร้านถิ่นวีดร้องร่ํา่ให้วิ่งวอยวายมาเป็นที่สับสนอลหม่านไปในเมืองที่โหมไฟลามไปไม่ต่ำกว่าสิจุดฉาบฟ้าจนเจิดจ้าขณะที่ผู้ว่าเหลียงหนีไปประตูตะวันออกขณะที่ผู้ว่าเหลียงหนีไปประตูตะวันตก ก็พบกับขุนพลหลี่เชิงกับกองทหารม้าลาดตะเวนจึงพากันหนีขึ้นไปบนเชิงเทินเหนือประตูทิศใต้หลี่ดึงม้าหยุดปีนขึ้นไปบนหอกลองขม่นมองออกไปนอกกาแพงเมืองก็เห็นกองทัพทั้งคนทั้งม้าขนาดใหญ่บนแผ่นป้ายอักษรอ่านได้ความว่าขุนพลหูเหวียนโจมองดูจากแสงเพลิงที่สาดไล่ผู้หลุษผู้นั้นงามสง่าหน้าเกรงขามและทะนงอ ง, อ, งอาจเป็นยิ่งนักเบื้องซ้ายเป็นหั่นเถาเบื้องขวาเป็นเปงฉี โดยมีห่วงซินคุมกองหลังตามมาพอมาถึงก็กระจายกําลังออกเสมือนห่านกลางปีกอ้าหน่วยหน้าสุดรุกเข้าประชิดเกือบติดประตูเมืองเมื่อไม่สามารถหนีออกจากเมืองได้ผู้ว่าเหลียงกับขุนพรหลี่เชิงก็เขไปซ่อนตัวอยู่ใต้สมประตูเมืองด้านทิศเหนือเฝ้าดูเปลวไฟลามเรี ย, ยไปทั่วทั้งตัวเมืองแต่แล้วพอมองออกไปจากกําแพงเมืองทั้งสองก็เห็นทับไม้อีกกองหนึ่งย่าตรามาทางตน ไม่ทราบว่ามีจำนวนคนสักเท่าใดกองทัพหน่วยนั้นนำโดยหัวเสดําลิ้นชงถือหอกพาดอ่านมา้าเบื้องซ้ายเป็นมาลินเบื้องขวาเป็นเตงเฟยมีหัวโลงลีกวงน้อยปิดขบวนผู้ว่าเหลียงจึงหนีต่อไปทางประตูด้านตะวันออกมองออกไปเบื้องหน้าอีกทัพที่ยกมานำโดยรังไม่อยู่มู่หงตู้ชิงอยู่เบื้องซ้ายแจ้งเทียนโชอยู่เบื้องขวา แม่ทัพคนเดินเท้าทั้งสามกวาดแกล้งเงาเล่มใหญ่อยู่ในมือนําคนเดินเท้าทั้งหนึ่งพันรุกเข้าหากําแพงเมืองผู้ว่าเหลียงไม่ฟังอีราฆ่าอรมหนีต่อไปทางประตูด้านใต้แสงจากคบไฟที่เสียบเอาไว้ที่สะพานหกก็ตกต้องสลาตันดำรี่ขุยนําหน้าลี่ลี่อยู่เบื้องซ้ายส่วนเกาเจิ้งอยู่เบื้องขวาลี่ขุยลําตัวท่อนบนเปลือยเปล่าปีนป่ายกําแพงคูเมืองกวัดแกล้งขวานคู่ ลี่ลี่กับเก่าเจิ้งตามมาติดติดขุนพลหลี่เชิงจึงถันออกนอกกำแพงเมืองแวกทางเลือดให้ผู้ว่าเหลียงหนีฉับพลันเสียงกู่ตวาดก็ดังมาจากทางด้านซ้ายมือท่ามกลางคอกไฟจำนวนนับไม่ถ้วนที่ประดับไพร่พลโจรชู่กันให้สลอนขุนพลเงาใหญ่กวนเชิงก็ชักม้าออกมาลงดือกกระตุ้นม้าฝีเท้าจัดตัวนั้นกัดแกว่งเงาเซี่ยวจันถลันใส่ผู้ว่าเหลียงขุนพลหลี่กระชับดาบคู่สอือกมาเข้ารับ แต่เพราะไม่มีกระใจจะสู้รบไม่ช้าก็ชักม้า ก, กลับถอยหนีสามทัพภายใต้การนําของส่วนซานหาวซื่อเหวินกับสุนลี่ก็ส่นที่กาลังกระหนาดตีเข้ามาจากปีกซ้ายอย่างรุนแรงท่ามกลางศึกที่ติดพันหัวโลงก็ควบม้าเข้ามาทางด้านหลัง หยิบเกาทันดอกหนึ่งขึ้นเทียบสายกับคันธนูแล้วส่งในทหารผู้ช่วยที่อยู่ข้างหลี่เชงล้มคว่ำขำมาลงจากอานม้าคุณพลหลีตกใจเห็นยหัวมาแล้วรีบควบหนีอย่างรวดเร็วเอว้จะอยู่แล้วเฮ้ตายอันดิเจอกันบุ้ยก่อนจะทันหนีได้ไกลกว่าครึ่งระยะคันธนูของกลองก็รัวลั่นมาจากเบื้องขวา ใต้แสงไฟขุนพลหลีก็เห็นฉินหมิงเจ้าสนิบาทค่วงกระบองฟันหมาควบขี่อยู่บปนหลังอาชาศึกบาดเตรีย ว, วตัวหนึ่งเพื่อนเข้ามาด้วยลังสีอมหิตตามประกบด้วยเหยียนซุนโอเปงและหยางซื่อขุนพลหลีชิงสู้พลางถอยพลางคุ้มกันผู้ว่าเลี้ยงไปตลอดทางจนในที่สุดก็สามารถแหวกวงล้อมออกไปได้ ในเวลาเดียวกันภายในเมืองตู้เฉียนกับทรงวานก็สังหารครอบครัวผู้ว่าเลี้ยงโดยไม่เลือกหนะ้าไม่ว่าจะเด็กจะแก่จะดีหรือจะเลวฝ่ายลิวถังกับหยางซ่วงก็จัดการกับครอบครัวข้าหลวงหวางไปแบบเดียวกันคงหมิงกับคงเลี้ยงแอบปีนกำแพงคุกคิดจะแหกเข้าไปโดยมีโจหยวนกับโจหลุนประจําการอยู่หน้าคุกคอยป้องกันคนที่จะเข้ามาภายในคุกใช้จิ้นกับเย่โห พอเห็นสัญญาณฝ่ายก็นึกรู้จึงตะโกนบอกชายปูกับช่ฉชิงเอาทัา้งีน้องทั้งสองไม่เห็นนั่นหรือไรมาพัวรออะไรกันอยู่ขอรับตอนนั้นช่ยชิงอยู่ฝ้าประตูแต่โจหยวนกับโจหลุนพังประตูเข้ามาแล้วตะโกนขึ้นว่าผูกลอแห่งเลี้ยงซัอนเาทั้งมวลอยู่ที่นี่แล้วทรงกวเจ้าสัวูกกับชื่อซิ่วออกมาเดี๋ยวนี้เฮ ใช่ฉิงเรียบเข้าไปไรายงานพี่ชายแต่นายบันดนไม่คำนึงว่าสองพี่น้องจะว่าอย่างไรคงหมิงกับคงเหลียงก็กระโดดลงมาจากหลังคาตึกใช้จิ้นที่แอบเข้าไปรออยู่แล้วในคุกก็ดึงเครื่องมือออกมางัดโซ่และคือคาของนักงท้อทั้งสองออกจนหมดสิ้นใช้จิ้นหันไปพูดกับพุ่มในาการใหญ่ใช่ว่าเร็วๆตามเข้ามาเร็วๆ เ, เข้าเราจะไปคุ้มครองครอบครัวท่านเจ้าสัวรู้ด้วยกันทั้งหมดโผล่ออกจากประตูตคุก โจหยวนกับโจหลุนรีบตามไปสมทบทั้งหมดรีบรุดไปยังบ้านเจ้าสัวลู่จุนยี่ในทันทีเจ้าสัวลู่พาผู้กล้าจากเขาเหลียงซานทั้งห้าออกค้นหาเมียและรี่กู้ผู้เป็นหัวหน้าเสมียนดูแลทรัพย์สินของตนข้างฝ่ายรี่กู้พอรู้ว่ากองโจรจากเหลียงซานเปาะบุกเข้าเมืองได้ และเห็นแสงไฟลุกโพร่งขึ้นรอบด้านดวงตาก็เลือกลานรีบหารือกับเมียเจ้าสัวทั้งสองเก็บรวบรวมข้าของมีค่าหนีออกไปทางประตูใหญ่แต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเคาะที่หน้าประตูปิดเปิดเปิดปด ป, ประตูนายเฮ้ <c oughs> คนไม่รู้จำนวนเท่าไหร่บุกเข้ามาทั้งสองรีบวิ่งหนีไปทางประตูหลังปีนขึ้นไปบนหลังคากาแพงบ่ายหน้าไปหาที่ซ่อนที่แม่น้า จางชนที่ซุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลังบ้านก็ตะวาดขึ้นว่าเฮ้ยอีนางคนนั้นอะมึงคิดจะหนีไปไหนหรือฮะอีหมอสยียบ้า ท, ท้ได้ฝั่งดังนั้นลีกูก็ตกใจจนแทบสิ้นสติกระโดดหนีไปซ่อนตัวอยู่ในเรือลำหนึ่งที่จอดเนิ่งอยู่ริมตลิ่งขณะกำลังพุ่เข้าไปในประทุนเรือฉับทันก็มีมือข้างหนึ่งยื่นออกมาคว้าเอาไว้แล้วเสียงเสียงหนึ่งก็เอ่ยถามขึ้นว่า ลี่กูมึงยังจํำกูได้ไหมฮะเฮ้ยหัวหน้าสมิ่งผู้ดูแลทรัพย์สินก็จําได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของเย็นฉิงนั่นเองลี่กูจึงระล่ำระลักออกไปว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้หนูอัจฉริยะเอ๋ยเราไม่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนอย่าเอาตัวข้าขึ้นฝังเลยนะข้าขอร้องข้าไหว้ละจ้างชุนที่อยู่บนฝั่งหนีบตัวหญิงสาวเอาไว้ใต้รักแร้แล้วพาไปลงเรือลานั้น เขียนิงจับดี่กู้เอาไว้มัน่นแล้วทั้งหมดก็พายเรือตรงไปยังประตูเมืองด้านทิศตะวันออกเจ้าสัวลูกเมื่อเห็นว่าเมียกับหัวหน้าสมียนหนีไปได้ก็สั่งบ่าวไพร่ให้เร่งเก็บทรัพย์สินเงินทองบรรทุกใส่เกวียนได้หลายเล่มแล้วส่งขึ้นเขาเพื่อเอาไปแจกจ่ายกันชาจิ้นตามชาฟูไปที่บ้านผู้ในการใหญ่จัดเก็บข้าวของพร้อมครอบครัวเตรียมจะขึ้นไปยังค่ายบนเขาชาฟูเอ่ยขึ้นว่าใต้เท้าขอรับ ท่านต้องช่วยสามัญชนคนเมืองอย่าปล่อยให้พวกเขามีอันตรายชายจิ้นจึงผ่านรายงานขึ้นไปที่บูหยงแต่กว่าที่ปรึกษาทัพจะออกคำสั่งครึ่งหนึ่งของประชากรต้าหมิงก็ถูกฆ่าหรือไม่ก็บาดเจ็บไปแล้วในยามนั้นท้องฟ้าค่อยๆสางบูหยงกับชายจิ้นที่ตั้งมั่นอยู่ในเมืองก็สั่งให้เป่าแตรรวมพลบรรดานในโจรเจ้าสัวลูกและชื่อซิ่วก็ไปชุมนุมกันที่หน้าจวนผู้ว่าการ สองนักโทษ ต, ต่างพากันสันเสริญน้ําใจไมตรีของช่ฟู่กับช่ฉิงประกาศว่าพวกตนเป็นนิชชีวิตพี่น้องสองคนนี้เยียนฉินกับจางชุนจึงนําตัวลี่กู้กับเมียเจ้าสัวลูกเข้ามาเจ้าสัวสั่งเยียนฉิงให้คุมตัวทั้งสองเอาไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาโทษรายละเอียดจากนั้นเราจะไม่ขอเล่านะครับไปฟังเรื่องอื่นกันดีกว่านะครับ <iana heads> มาขอเล่าเรื่องผู้ว่าเหลียญดีกว่านะครับ คุนพลลี่เชงคุ้มกันผู้ว่าพาหนีออกจากเมืองพวกเขาก็ไปเจอคุนพลบันต้าที่พาเสษเดนทับออกมาจากในเมืองทั้งหมดร่วมกันเดินทับต่อลงไปทางใต้ทันใดนั้นหน่วยระวังหน้าก็เอะอะขึ้นเป็นฟ้านหรุ่ยเจาา้าอสูรม้วนแผ่นดินพร้อมด้วยเสียงจงอยู่ทางซ้ายกับนี่กุนอยู่ทางขวาแกว่ดาบกลายทวนบุกเข้ามาส่วนด้านหลังเสือติดปีกเลยเหงพร้อมทั้งซื่อเอิกับมู้ซุน แต่ละหน่วยนำคนเดินเท้าหนึ่งพันคนมาสกัดทางหนีก็จริงดังว่ามีแต่ผู้คุมดอกที่จะบอกนักโทษให้กลับห้องขังได้แล้วก็มีแต่หมอเท่านั้นที่จะสั่งคนไข้ให้กลับขึ้นเตียงผู้ว่าเหลียงกับคนของตนจะหนีรอดหรือไม่ประการใดฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ เสนอถึงตอนที่หกสิบเจ็ดมีชื่อตอนว่าส่งเจียงปูนมาเม็ดสามเหล่าทัพกวนเชงสยบสองขุนพลน้ำไปส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกทกท่านรับฟังได้นะบัดนี้ไปา กองทัพผู้ว่าเหลียงสู้อย่างจนตรอกจนในที่สุดก็ตีฝ่าวงล้อมออกมาแล้วรีบหนีลงใต้ฟ่านรวยกับเสียงจงไหลลี่กุลพยายามจะจับแต่ไม่ทันจึงพากันเดินทับกลับเมืองหลวงบนธนุดรพร้อมเหลยเหงซื่อเอินกับมูสุนเพื่อรอรับคําสั่งใหม่ที่ปรึกษาทัพปู่หยงยังทับอยู่ในเมืองก็ออกประกาศสร้างความอบอุ่นใจให้ราษฎรและช่วยกันดับไฟสมาชิกในครอบครัวผู้ว่าเหลียง ลีเซงเวิรนต้ากับข้าหลวงหวางถ้าไม่ถูกฆ่าก็หนีไม่มีผู้ใดตามไปซักไซเอาความคลังสมบัติประจำเมืองถูกเปิดเงินทองเข้าของมีราคาเสื้อผ้าแพร้พันล้วนถูกขนขึ้นเกวียนผู้ชนะก็สั่งให้ไขคลังสเบียงนำทัญญาหารออกมาจ่ายแจกบรรเทาทุกพลเมืองที่เหลือก็ใส่เกวียนขนขึ้นไปบนเขาอูยงสั่งแม่ทัพในกองของฝ่ายตนเตรียมออกเดินทางกลับ รีกู้กับเมียเจ้าสัวลูกถูกคุมตัวขึ้นไปขังไว้บนเกวียนฉเฉลยศึกกองทัพพวกนอกกฎหมายจัดทัพใหม่แบ่งออกเป็นสามกองบมายหน้าตรงไปยังบึงเหลืองซานแต้จงถูกส่งล่วงหน้าไปแจ้งข่าวแก่ส่งเจียงฝ่ายส่งเจียงเมื่อทราบข่าวก็เรียกประชุมบรรดาหัวหน้าในค่ายพากัรลงเขาไปรอรับทัพที่นำชัยชนะกลับมาแล้วพาหัวหน้าทั้งหลายขึ้นเขาไปยังหอธรรมภักดี พอ เ, เห็นเจ้าสว่วลู่ส่งเจียงก็คุกเขา่าโคกศีรษะเป็นกนารคารวะลู่จุนยี่รีบไหว้คืนส่งเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าการทั้งหลายทั้งพวงก่อนหน้านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความปรารถนาของข้าน้อยที่จะเชิญให้ท่านเจ้าสัวไม่อยู่ที่นี่ด้วยกันจะได้ร่วมประพฤติปฏิบัติตามคองครองทำแต่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าตัวท่านต้องมาเผชิญชะตากรรมอันยากลําบากสุดแสนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด จิตใจข้านั้นให้ร้อนรนกระวนกระวายใจจนใกล้จะระเบิดแต่สวรรค์ก็มีเมตตาปกปักรักษาท่านจนได้มาเจอกันอีกหนจิตใจที่เคยอึดอัดขัดสนปัดนี้ก็ถูกชำระสะสางจนคลี่คลายไปสิ้นแล้วลูกโค้งคารวะแล้วเอ่ยขึ้นว่าเป็นเพราะพระเดชพระคุณของพี่ใหญ่และบุญบรารมีของบรรดาหัวหน้าทั้งหลายทั้งวงแท้เทียวที่ร่วมจิตร่วมใจเป็นหนึ่ง ออกไปกอบกู้ชีวิตอันแสนจะต้อยต่ำของข้าน้อยเอาไว้ข้าน้อยคงไม่มีวันทดแทนบุญคุณครั้งนี้ได้หมดต่อให้ต้องแหวกเครื่องในทั้งหลายทั้งสิน้นออกมากองบนแผ่นดินก็ตามทีเทิดว่าแล้วก็นําตัวช่ฟูกับช่ฉิงออกมาให้ส่งเจียงได้รู้จักแล้วบอกว่าออไม่ได้พี่และน้องสองคนนี้ข้าคงจะไม่มีวันได้มาอยู่ที่นี่เป็นแน่แท้ส่งเจียงใครจะยกเจ้าสัวลูกขึ้นเป็นหัวหน้าใหญ่ เจ้าสัวลูกให้ชงนเชงายประหลาดใจเป็นยิ่งนักแล้วพูดขึ้นว่าเฮ้จะให้คนอย่างข้านี่ลนะหรือขึ้นมาจัดการดูแลป้อมค่ายออกใหญ่โตบนภูเขาอะฮะโอ้หนอขอเป็นเพียงแต่พุ่มหญ้ามา้าเป็นไพร่าราบคนเลวเป็นคนธรรมดาสา ม, มัญคนหนึ่งจะดีกว่านะขอรับจะได้ทดแทนพระคุณที่ได้เข้าไปช่วยชีวิตเอาไว้ขอเพียงแค่นี้ก็ปลื้มใจเป็นที่ยิ่งแล้วนะขอรับส่งเจียงยังคงรบเร้าต่อ แต่ลูกไม่ยอมรับฟังจนกระทั่งรีบขุยท้วงขึ้นว่าเฮ้ย hey, การที่ท่านพี่ที่เอาตำแหน่งหัวหน้าไปเที่ยวมอบให้ใครต่อใครเช่นนี้มันให้เราอารมณ์กันดีแท้หากคืนทาแบบนี้อีกข้าจะเริ่มค่าอีกแล้วนะเฮ้ย hey ฝ่ายวิยงก็พูดอีกว่าท่านก็ชอบจะย้อนตำแหน่งบัญชาการไปให้คนอื่นการทำเช่นนี้มันช่างบีบขั้นหัวใจ ของบรรดาพวกพ้องน้องพี่ในที่นี้ยิ่งนักซ่งเจียงจึงตะหวัดไปว่าเฮ้ยไอ้ขี้ข้าอย่างพวกมึงมันจะไปรู้อะไรเลิกวายวายกันสักทีเฮ้ยลู่ละลั่มละลักออกไปว่า ท, ท, ท, ท, ท, ท่านพี่โปรดจะได้ยืนกรานเช่นนั้นเลยนะขอรับท่านทําให้ข้าน้อยอึดอัดใจจริงจริงเนอะลี่ขุยมีข้อเสนอแนะพูดว่า เ <Hey. S 2> ถ้าเช่นนั้นนะนะในตอนนี้ใช่เลิกโวยวายกันสักทีก็ยอมได้ถ้าอย่างนั้นก็ให้พี่ใหญ่ไปจกักรพรรดิไปเลยก็แล้วกันแล้วให้ท่านเจ้าสัวเป็นสมุหานายกส่วนพวกเราพี่ก็ตั้งให้เป็นขุนน้ำขุนนางชั้นผู้ใหญ่พวกเราจะร่วมใจบุกเมืองหลวงตะวันออกยึดแอบบังลังส่วส่วนพันนั้นดีกว่าจะต้องมาแกวอยู่แต่ไอ้เบึงส่วสวพันนี้ส่งเจียงให้เดือดดาน ตวาดด่าวา่ารีขุยจนไม่มีชิ้นดีปู่ยงได้ฟังแล้วจึงรีบไกลเกลี่ยว่าเออให้ท่านเจ้าสัวไปพักผ่อนที่ปีกตึกด้านตะวันออกในฐานะแขกของเราก่อนเถิดนะขอรับหากต่อไปในภายภาคหนะ้าท่านสร้างคุณงามความดีได้แล้วเราก็ยกเรื่องพองถทยอำนาจขึ้นมาว่ากันใหม่ก็ยังทันถมถืดเฮ้ยก็จนเมื่อ น, นั้นแล้วส่งเจียงจึงค่อยสงบลง สั่งเยียนชิงให้ไปรับใช้ในายเก่าที่ปีกตึกด้านนั้นแล้วจัดที่ทางให้ใช้ฟูใช้ฉิงและครอบครัวตอนนั้นเสียหยงก็พาครอบครัวกวนเชิงขึ้นมาบนที่มั่นเรียบร้อยแล้วซรงเจี้ยงสั่งจัดงานเลี้ยงขึ้นอย่างใหญ่โตเร่งปูนบำเหน็จให้ทหารม้าผลเดินเท้าและทับเรือสั่งให้ไม่ทัพนกองแจกจ่ายสุราอาหารลงไปให้ถึงบรรดาไพร่พลทั้งสามเหล่าทัพท้วนทั่วทุกตัวตน ภายในหอธรรมพักดีบรรดาหัวหน้าไม่ว่าน้อยใหญ่ต่างโอภาปราศัยยกย่องให้คนอื่นๆด้วยมารยาทต่างคนต่างดื่มกินกันไปด้วยความเบิกบานแจ่มใสไปทั้งสิน้นเจ้าส่วนลู่ยืนขึ้นแล้วพูดขึ้นว่าเออไอ้กับอีชู้คู่นั้นยังรอพิพากษาอยู่นะขอรับส่งเจี๊ยนยิ้มแล้วเ อ, อ่ยขึ้นว่าโอ้ข้าลืมไปไปนาตัวมันเข้ามา ให้พลรีบเปิดประตูกรงขังบนเกวียนลากเฉลยทั้งสองเข้าไปในหอลี่กู้ถูกมัดติดเสาซ้ายฝ่ายนางลูดถูกมัดติดเสาวขวาทรงเจี่ยงเอ่ยขึ้นว่า ไม่มีความจำเป็นใดๆจะต้องไปไต่สวนพวกมันอีกแล้วนะขอรับท่านเจ้าสววลูกใครจะทำอะไรก็เชิญตามสบายเลยลูกถือมีดก้าวไปยังจําเลยทั้งสองแล้วกล่าวบริภารอย่างรุนแรงวักหัวใจทั้งสองออกตัดแขนตัดขาโยนศพทั้งสองลงพื้นแล้วกลับเข้าไปร่วมฉลองกล่าวขอบพระคุณพี่น้องณที่นั้นบรรดาหัวหน้าก็พากันแสดงความยินดี ตามที่ได้ชำระความทั้งหลายทั้งปวงจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ขณะเดียวกันนะครับผู้ว่าเลี้ยงยังทับฝังอยู่จนกระทั่งฝ่ายโจรถอนตัวก็พาลี่เชงเวินตากับทับพ่ายกลับเข้าเมืองบ้างทั้งสามพบว่าครอบครัวของแต่ละคนถูกฆ่าตายไปเก้าในสิบ ก็พากันคร่ำครวนอย่างไม่อายฟ้าดินฝ่ายกองทัพจากเพื่อนบ้านที่พากันยกมาช่วยก็ไล่ตามโจรไปแต่ทว่าถึงตอนนั้นฝ่ายโจรก็หนีกันไปถึงไหนๆซะแล้วผู้ว่าเหลียงจึงสั่งให้กองทัพเหล่านั้นกลับคืนไปยังเมืองของตนฝ่ายพัญญาผู้ว่าเหลียงยังไม่ตายด้วยว่าคุณหญิงหนีไปซ่อนอยู่ในสวนดอกไม้หลังบ้านรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด จึงแนะนำสามีให้ถวายดีกาแด่องค์พระจักรพรรดิขอทับใหญ่มากวาดล้างโจรกกนิ้สีให้สิ้นสาข้างฝ่ายนางเองก็มีหนังสือไปกราบเรียนสมหานายกใช่ผู้บิดาผู้ว่านเหลียงก็ทำตามรายงานขึ้นไปว่าพลเรือนกว่า5 0 0พันคนเสียชีวิตและอีกไม่รู้เท่าไหร่ต้องบาดเจ็บไปด้วยน้ำมือโจรส่วนบรรดาทหารตายไปกว่าส 0,000 ืน เพียไม่กี่วันผลเดินสารของผู้ว่าเลี้ยงก็ไปถึงจวนสมุหานายกพ่อลงมาได้ยาม ก, ก็เข้าไปแจ้งการมาถึงอักระมหาเสนาบดีเรียกให้เข้าไปพบคนเดินสารจากต้าหมิงรีบตรงเข้าไปยังห้องโถงใหญ่คุกเข่าลงแล้วโคกศีรษะยื่นหนังสือดีกากราบคมทูลให้แล้วรายงานด้วยฝากเปล่าให้ฟังถึงเรื่องที่พวกโจรบุกเข้าเมืองหลวงบนทออุดรรวมทั้งว่าโจรกวกนี้กำลเริ่บเสิบสามยิ่งนัก แต่เดิมสมหานายกช่ยเอียงมาข้างจะให้นิรโทรษกรรมอยู่แล้วด้วยเห็นว่าหากผู้ว่าเหลียงกระทำการตามนั้นสำเร็จเกียรติภูมิที่ผู้ว่าเหลียงได้ก็จะพลอยตกมาถึงตนด้วยแต่เมื่อเรื่องราวนี้ล้มเหลว อ, อย่างไม่เป็นท่าจนเป็นเรื่องปกปิดเอาไว้ไม่มิดสมหานายกช่ยจึงต้องเลือกทำสงครามให้แตกหักแล้วสะบัดไปว่าเฮ้ย hey, เจ้าไปได้แล้วไอเห็นหน้าลุกโมโหบ่ะ พอล่วงเข้ายามห้าวันรุ่งขึ้นเรือขังหลวงก็ลั่นผางขุนนางทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารก็มารอเฝ้าองค์พระจกักรพรรดิโดยพร้อมเพรียงกันสมุหานายกใชายืนอยู่แถวหน้าสืบเท้าตรงไปยังบันลังหยกกราบทูลถวายดีกาผู้ว่าเลี้ยงแด่องค์ธรรมทิปัดพระจกักรพรรดิทรงอ่านแล้วก็ให้ตกตะลึงเ<อ>จ้าติง่งองค์ขมตีผู้หนึ่งสืบเท้าออกมากราบองค์คมทูลขึ้นว่า ขอเดชะพระอาญามิพลกล่าวเราส่งทหารออกไปจับพวกมันมาก็หลายฝนหลายครั้งแต่ก็ย่อยยับอับจนกลับมาทั้งสิน้นนั่นเป็นเพราะยุทธภูมิเป็นใจใกับฝ่ายพวกมันตามความเห็นของข้าพระองค์คิดว่าน่าจะพระราชทานอภัยโทษให้พวกมันปรดกล่าวให้เข้าเฝ้าพระราชทานยศขุนานางชั้นผู้ใหญ่ให้พวกตัวหัวหน้าแล้วส่งไปป้องกันขอบขันทศสีมาเช่นนี้แล้ว ปัญหาก็จะรุล่วงไปได้พระเจ้าค่ะใช่จริงได้ฟังก็เดือดดาลแล้วตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยเจ้าไปถึงองคมนตรีที่เป็นสายใหญ่แต่กลับคิดจะทำลายกฎมนตรีบาน ไอคนสัญทานเหลวสามเรื่องนี้สมควรตายนะักเฮ้ยพระเจากาพัทจึงตรัสขึ้นว่าข้อขอสั่งให้เจ้าออกไปจากที่ประชุมนี้โดยด่วนและทรงสั่งปลดยศลดชั้นมหาอมาตย์ผู้นั้นลงไปเป็นไพร่สามัญชนด้วยเหตุนั้นนะครับจึงไม่มีผู้ใดเสนอแนะเป็นอย่างอื่นอีกพระเจากาพัทก็ตรัสแก่ใช่จริงว่าไอ้โจรพวกนั้นมันโอหังบังอาจนะัก เจ้าคิดว่ามีผู้ดใดเหมาะสมจะส่งไปจัดการเรื่องนี้ได้อใช่จริงจึงพูดว่าอขอเดชะไอ้โจรพวกนั้นเป็นแค่กลุ่มโจรภายในป่าเขาเราไม่จำเป็นต้องใช้กองทัพขนาดใหญ่ดอกพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ใครจะขอเสนอขุนพลสักสองคนคนหนึ่งนั้นชื่อสารถิงกุย้ยส่วนอีกคนหนึ่งนั้นชื่อมวยติงโก ทั้งคู่เป็นผู้บัญชาการทหารจังหวัดหลิงโจหากฝ่าบาททรงมีรับสั่งทรงข้าหลวงออกไปเรียกตัวเขาเข้าเฝ้าโดยด่วนข้าพระองค์ก็มั่นใจว่าพวกเขาจะกวาดล้างไอ้สิ่งปฏิกูลเหล่านั้นไปจนหมดสิน้นได้อย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะพระจักรพรรดิทรงพอพระทยัยจึงมีรับสั่งให้สภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารรีบดำเนินการและพระองค์ก็ทรงประทับยืนเสด็จออกติดตามด้วยไพร่ฟ้าข้าราชบริพาร หลายคนแอบยิ้มหัวให้ตัวเองวันรุ่งขึ้นใช่จริงเลือกตัวขุนานางผู้หนึ่งให้ถือกระแสะรับสั่งในพระองค์จกักรพรรดิไปยังจังหวัดหลิงโจวฝ่ายซ่องเจี้ยงในที่มั่นบนเขาก็เอาทรัพย์สินเงินทองของมีค่าจากครังสมบัติในเมืองหลวงบนธนุดรนคนครต้าหมิงออกมาแจกจ่าย พูนบำเม็จไพร่ผลทั้งทหารมา้าทหารราบและทหารเรือกันอย่างท่วนหน้าล้มวัวล้มม้าเอามาขึ้นโตะ๊ะเลี้ยงฉลองต้อนรับเจ้าสัวลูกอยู่นานหลายวันถึงบนเขาจะหาของขบเคี้ยวหรูหราไม่มีแต่ทว่าเนื้อก็กองพเนนอย่า ก, กับภูเขาส่วนเหล้าก็ล้นหลามดั่งน้ำทะเลบรรดาในโจรดื่มกินกันจนกระทั่งเมาม้กันไปสิน้นบูหยงประกาศว่าเพื่อช่วยท่านเจ้าสัวลูก เราทลายเมืองหลวงมุนทุนดรไปบางส่วนเข็นข้าประชาชนไปเสียก็มากล้นสนมครั้งหลวงไล่ผู้ว่าเลี้ยงกับไอ้ขุนพลคู่ใจจะต้องหนีออกไปจากเมืองแน่นอนว่ามันต้องกราบทูลพระจกักรพรรดิมันคงไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ให้ตกไปได้ง่ายๆหรอกโดยเฉพาะพ่อตามันเป็นถึงสมุหานายกพวกมันต้องส่งกองทัพมาไล่เราในเร็ววันนี้เป็นแม่นมันซ่งเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านที่ปรึกษาทัพ ที่ท่านคิดเช่นนั้นก็มีเหตุผลอยู่เราควรเรียบส่งสายสืบเข้าไปหาข่าวในเมืองหลวงตะวันออกเสียตั้งแต่คืนนี้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมรับมือเสียแต่เนิ่นบูยงได้ฟังก็หัวเราะแล้วพูดขึ้นว่า <c oughs> <c oughs> สงสัยจะเมาวะ่ะพี่สรงเจียงเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้อะไรเลยข้าส่งไปตั้งนานแล้วขอรับไม่ช้าพวกนั้นก็คงจะกลับมาถึง กินไม่ทลายเมาหัวทิ่มซะแล้วพูดจาไม่รู้เรื่อง <c oughs> ปาทุวคอแป๊บจริงๆเจียงเอ้ยเจียงขณะที่กำลังสวนเสห้หากันอยู่นั่นเองแมวมองผู้หนึ่งก็กลับมารายงานว่าแร <c oughs> งออ น, นโอ้โหเขานี่ไม่มีบันไดว่ะมีแต่บันไดลิงแล้วไปกุกเปเวีนขึ้นมาโอ้โหกูจะถึงยอดถ้าตายแรงองนนอง น, น ผู้ว่าเหลียงถวยดีกาเข้าไปในวังขอกองทัพมาปราบทุกเข็ญองคมวันตรีเจ้าติงทูลเสนอขอพระราชทานอภัยโทษแต่ถูกใช้ติงบริพาดและลดออกจากตำแหน่งพระเจกาพัฒน์ทรงมีพระราชบัญชาเรียกหาขุนพลซานถิงกุ้ยกับเวยติงโกสองผู้บัญชาการทหารเขต จ, จังหวัดหลิงโจให้ยกมาปราบเราขอรับส้มเจียงจึงถามขึ้นว่าเออเราจะรับศึกอีท่าไหนดี วูหงจึงกล่าวว่าเฮ้ยขอให้มาเธอขอรับท่าไหนก็รับได้ไม่ว่าจะข้างบนข้างล่างรับได้หมดพูดเรื่องอะไรวะเอา้าก็ถ้ามันปีนขึ้นมาบนเขาเนี่ยเราก็รับได้ไงจะใหไปสู้ข้างล่างเราก็ไปได้ไงปฐโมเวียนกำสมองมึงคิดอะไรเนี่ยฮะวูหยงจึงกล่าวว่าเฮ้ยขอให้มาเธอขอรับท่าไหนก็รับได้ เราจะจับสองคนนั้นเสียในคราวเดียวกวนเชงฟังอยู่ก็ลุกขึ้นกล่าวกับคนทั้งสองต้องแต่ได้มีโอกาสขึ้นมาอยู่บนเขาแห่งนี้ข้านั้นให้ทราบซึ้งหัวใจไปกับความเมตตาปรานี้ที่พี่น้องมอบให้แต่ทว่าข้ายังไม่เคยกระทําการอันใดอันเป็นการแทนคุณท่านตอนที่ยังอยู่เขตพูดตรงข้าเคยพบปะกับคนคนทั้งสองมาแล้วหลายหนรู้จักพวกเขาจนทะลุ ป, ปรลง ขุนพลสารผู้นี้ฉลาดปราดเปรื่องในเรื่องไขน้ําท่วมข่าศึกคนทั้งหลายจึงพากันเรียกหาว่าขุนพลกระแสชนส่วนท่านเบ๋ยก็เชี่ยวชาญในการใช้ไฟเป็นอาวุธในการรบมักใช้เครื่องพ่นไฟเป็นประจำจึงรู้จักกันในนามว่าขุนพลอักคีใช่ว่าข้าจะเก่งกล้าก็าหาไม่แต่หากท่านมอบไพ่คลให้ข้าสักห้าพันข้าจะขันอาสา เดินทับไปยับยั้งขนัทั้งสองก่อนที่จะออกเดินทางหากพวกเขาคิดจะสวนไม่พักข้าก็จะพามาด้วยหากคิดจะเป็นอื่นก็จะจับมัดนำมามอบให้ท่านเป็นดังของขวัญแทนตัวพี่ท่านไม่จำเป็นต้องใช้กองทัพขนาดใหญ่ให้เป็นที่สิ้นเปลืองทั้งแรงกายและกำลังขวัญข้าให้เชงโหนว่าพี่ท่านจะพิจารณาข้อเสนอของข้ายางไรหรือซ่งเจียงให้ยินดีนักสั่งส่วนสารกับหาวซื่อเวินให้ตามไป แล้วมอบคนห้าพันคนให้ไปด้วยความยินดีวันรุ่งขึ้นส่งเจี้ยงกับหัวหน้าคนอื่นๆก็เลี้ยงส่งแล้วแห่ลงมายืนส่ง ส, งสามผู้บัญชาการทหารที่หาดทรายทอง บรรดาในจรพากันกลับขึ้นไปยังหอธรรมมพักดีหูหยงจึงเอ่ยกับส้งเจี้ยงว่าขุนพลกวนเชงก็จากไปแล้วเรื่องที่เขาจะทุ่มจิตทุ่มใจให้เราหรือไม่นั้นไม่มีหลักประกันใดๆเราควรส่งขุนพลฝ่ายเราตามไปเป็นกองหนุนเพื่อจะได้ทําหน้าที่ประกอบส้งเจี้ยงจึงว่าสําหรับข้านั้นเขามีคุณธรรมน้ํามิตรสูงสูงนักไม่มีทีท่าจะโอดเอ็นท่านอาจารย์ไม่ควรไปคลางแคลงใจในตัวเขา ผู้หยงจึงว่าเออข้าเกรงก็แต่ว่าหัวใจของเขาจะไม่ใสเหมือนหัวใจของท่านข้าว่าให้ท่านหลิ้นชงกับหยางซื่อนําไปแล้วให้สุนลี่กับหวงซินเป็นผู้ช่วยพาคนลงไปอีกสักห้าพันก็จะดีไม่น้อยเลยทีเดียวลี่ขุยรีบเสนอตัวว่าเฮ้ยข้าอยากจะขอไปด้วยขอรับซ่งเจียงตัด บ, บทว่าโอ๊ยคราวเนี้ไม่มีความจําเป็นใจะให้เจ้าไป เรามีขุนพลดีๆอยู่มากมายปาดโทษรีดขุยแย้งขึ้นว่าเุ้ยขืนดักดายอยู่ที่นี่ข้าก็คงใขรขึ้นหากท่านไม่ให้ไปข้าจะไปเองก็ได้เฮ้ยบแล้วเองจะให้หูหรือจะให้หัววะรี่ขุยหน้า ง, งอรีบหนีลงไปจากหอลิ้มชงกับหยางซื่อรีบพาทับลงจากเขาไปหนุนช่วยกวนเชง วันต่อมาในกองผู้หนึ่งก็เข้ามารร่งานว่าแรงออนานสารตันดำได้ขุยหนีออกจากค่ายไปพร้อมขวานคู่มือตัอ้งแต่ยามสองคืนวานนี้ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขาจะวุ่งหน้าไปทางไหนขรับส่องเจียงได้แต่ครางเป็นเพราะเราว่ากล่าวเป็นที่รุนแรงเพียงไม่กี่คำสงสัยเขาคงจะไปหากกอื่นอยู่เป็นแน่แท้บูยงเอ่ยขึ้นว่า โอ้ผิดแล้วขอรับลี่ขุยอาจจะเป็นคนหยาบกระด้างแต่เรื่องคุณธรรมน้ำมิตรนั้นแน่วแน่นักเขาคงไม่ไปหาใครที่ไหนดอกรออีกสองวันสองวันก็คงจะกลับอย่า ก, กังวลใจไปซะเปล่าเลยท่านพี่ถึงกระนั้นซ่งเจียงก็ยังหาความสุขไม่แ ร, แรกๆก็ส่งใต้จงลงไปตามตัวลี่ขุยต่อมาก็ให้ชื่อเฉียนลี่หยุนเย่หัวและหวางติ่งลีว้วพากันแยกออกค้นหาเป็นสี่กลุ่ม ตอนที่รีบขุยหนีลงจากเขาพร้อมสองขวานสึกไปในคืนนั้นเขาก็ลัดล็อกไปตามเส้นทางเล็กๆมุ่งหน้าไปทางหลินโจพร่างบ่นให้พึมพำว่าเฮ้ยเอาคนเอาม้าตั้งมากมายไก่กองไปรบกับไอ้ขุนพลแค่สองคนเฮ้ยข้าจะบุกเข้าไปในเมืองเพียงลำพังนี่แหละล่อสิได้ขวานสักคนละชั่วขีดคร้านพี่ส่งเจียงจะตัวสันเลื่อนขั้นให้เราได้เกินหน้าเกินตาคนอื่น แต่พอเดินไปได้ครึ่งวันท้องไส้ก็ปั่นปวนด้วยความหิวพ่อเอามือล้วงเข้าไปในไท้ยจึงได้รู้ว่าตัวรีบร้อนลงจากเขาโดยไม่ได้เอาเงินติดตัวมาด้วยเฮ้ยนี่กูไม่ได้ปล้นใครเข้ามาก็ให้นานักหนาแล้วแต่ตอนนี้ต้องหายหน้าโง่สักคนระบายแค้นที่ข้างทางลี่ขุยเห็นโรงเตียมสร้างอย่างบ้านนอกตั้งอยู่หลังหนึ่งก็เร่เข้าไปนั่งกินเหล้าราวสองธนาสวามเนื้อตามไปอีกสองช่าง แล้วลุกขึ้นหนีเตรียมจะกินฟรีคนรับใช้รีบเข้าไปขวางพรางทั่วเงินค่าอาหารรีบขุยจึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะรีบกลับไปเอามาให้ร้อให้กูไปทําธุระข้างหน้าสักประเดี๋ยวก่อนว่าแล้วก็รีบหันหลังจะผะหนีทันใดนั้นชายร่างใหญ่หน้าตาท่าทางดุดันก็ก้าวเข้ามาในร้านโอ้ยมึงกล้าดีนะไอ้ไพร่ฉันต่ําเขาตะโกนขึ้นใครที่ไหนจะไปทําโรงเตี้ยววะถ้าหากว่าพวกมึงอ่ะ จะเข้ามากินฟรีฮะเฮ้ยนี่ขุยถลึงตาแล้วตะคอกกลับเฮ้ยโว้ยเฮ้ยเจ้าหน้ายังกูนี่แหละไปไหนไหนก็กินฟรีได้ทุกที่นั่นแหละฮะฮ่า <laughs> าหากูบอกชื่อไปมึงไม่ต้องขี้หดตดหายกูนี่แหละฮั่นโปหลงแห่งเหลียงซานเปาะพี่ส่งเที่ยงเป็นคนควักเงินให้กูเปิดร้านตรงนี้ด้วยตัวเองนี่ขุยแอบยิ้มให้ตัว แล้วรำพึงว่าป้อมค่ายกู้ไม่เคยมีใครใช้ชื่อนี้กันเลยสักคนความจริงก็คือฮันเคยเป็นโจรมาแต่เก่าก่อนและอยากจะขึ้นไปร่วมป้อมค่ายบนเขาเลียงซานเสมอมาจึงไปติดต่อจระเข้บกจู้กุย้ยขอให้พาขึ้นไปพบท่งเจียงแต่ทว่าตอนนั้นส่งเจียงป่วยเป็นฝีที่หลังแล้วต่อมาก็มัวยุ่งอยู่แต่กับการทำศึกไม่มีเวลาจะพบใคร จู ก, กุ้ยจึงบอกฮั่นให้ทำธุรกิจของตนไปพลางๆก่อนลี่ขุยพอคิดได้ดังนั้นจึงดึงขวาเล่มหนึ่งออกมาจากผ้าเขียนเอวแล้วยื่นออกไปให้ฮั่นโปลงแล้วพูดว่าถ้าเช่นนั้นนะนะก็เอาขวาเล่มนี้ไปจำนำไว้ก่อนด้วยไม่รู้ว่านี่เป็นกนลวงฮั่นก็ยื่นมือออกไปรับพอมือใกล้จะจับลี่ขุยก็ดึงขวาอีกเล่มคู่กันฝันฉับก้ายที่หน้าแงหัวกะโหลกแตกออกดเโรละ อ้อนาดหนอหั่นโปโลงอยู่ในวงนักเลงอันภานมานานถึงครึ่งชีวิตกลับต้องหมดสิน้นฤทธิ์ด้วยน้ำมืออมตของรีขุยคนรับใช้ที่มีอยู่สองสามคนก็เปิดหนีเข้าไปในหมู่บ้านนึกเสียใจอยู่ว่าตัวมีแค่สองขารีขุยหยิบเอาเงินทั้งหมดที่ค้นพบวางเพลิงตึกมุงฟังหลังนั้นเสียแล้วออกเดินทางต่อไปยังหลิงโจ พอเดินทางไปได้ไม่ถึงวันก็เจอบรุษร่างใหญ่อีกผู้หนึ่งเดินจากข้างทางเข้ามาหามาถึงก็กราดสายตาสํารวจตรวจตรากลับไปกลับมาตั้งแต่เส้นผมไล่ลงไปจนกระทั่งจรวดนิ้วป้องเทา้าลีขุยดตะคอกไปว่าเฮ้ยไอขี้ข้าอย่างมึงมาเจ้าหน้าเจ้านายอย่างกูหาพระแสงอะไรวะฮะชายผู้นั้นจึงสวนกลับว่าแล้วมึงล่ะ เป็นขี้ข่าของเจ้านายคนไหนวะเร่ขุยฟังดังนั้นก็ปรีเขาใส่ชายผู้นั้นก็ต่อยสวนออกไปหมัดหนึ่งเร่ขุยไงหลังตึงลงวัดพื้นโ อ, อ้บะต่อยได้ดีนี่่ขุยนั่งอยู่กับพื้นก็นึกชมจึงหงายหน้าขึ้นถามออกไปว่าเฮ้ยเจ้าเชื่ อ, อไรวะอ๋อเจ้านายของมึงคนนี้ไม่มีชื่อหรอแต่ถ้ามึงคิดจะสู้แล้วก็เข้ามาเลย มึงกล้าลุกหรือเปล่าละ่ะฮะรีขุยเดือดดานเตรียมจะกระโดดขึ้นยืนแต่ชายผู้นั้นก็หน้าแข้งเข้าที่สิข้างอย่างแรงรี่ขุยก็ล้มลงไปอีกที <S <S 2> <S 2> <S 2> โอนี่กินไอ้นี่ไป่ลงจริงๆฮะเฮะรี่ขุยร้องขึ้นแล้วรีบลุกขึ้นยืนเตรียมจะเพ่นหนีชายคนนั้นตะโกนไล่หลังมาให้หยุด แล้วถามออกไปว่าเฮ้ยหยุดมึงไอ้ล่าบึกอย่างมึงอะมีชื่อว่าอะไรวะอ๋ะอเฮ้ยเมื่อแพ้แล้วก็ไม่อยากบอกหรอกเว้ยไอยแต่ด้วยเห็นว่าท่านเป็นผู้กล้าคนหนึ่งข้าก็จะไม่ปนข้าคือลี่ขวียสลาดำดำแห่งชุมชนเหลียงซานเปาะเฮ้ยจริงหรือเปล่าวะ คราวนี้อย่าหลอกนะหากท่านไม่เชื่อก็ดูขวานคู่นี้สิเอา้าถ้าหากท่านเป็นคนที่มาจากเมืองเหลี่ยงซานแล้วล่ะก็แล้วตอนนี้มาทําอะไรตามลําพังอยู่ที่นี่อย่างนี้ฮะเฮ้ยก็พี่ใหญ่ด่าข้าน่ะสิดังนั้นข้าจะไปหลิงโจข่ายสองคนที่มีนาม ว, ว่าซานกับเวยอ้าวข้ารู้ว่ากองทัพจากเหลี่ยงซานปอดทัพหนึ่งเพิ่งจะผ่านไปทางนั้นบอกได้ไหมหล่าว่า มีใครอยู่ในนั้นบ้างอ่ะฮะบอกไม่ได้อเด้ฮะเฮ้ยท่านขวนเชงขุนพลเล้าใหญ่เป็นแม่ครับมีกองหนุนตามมาภายใต้การบัญชาของท่านหัวเสือดาหลิงชงกับท่านเดรชน้าดามอย่างซื่อชายผู้นั้นได้ฟังก็เชื่อสนิททรุดตัวลงบนเขา่าแล้วโคกศีรษะคารวะครับลี่ขุย จะไปจัดการซานกัดเว่ยได้หรือไม่นะครับแล้วก็จะกลับขึ้นเขาไปได้อย่างไรกองทัพของซ่งเจียงจะมีชัยเหนือศัตรูหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปหน้านะครับ พี่ใหญ่ดา่าข้าดังนั้นข้าจึงไปหลิงโจข่ายสองคนที่มีนามว่าซานกับเวใชายผู้นั้นจึงถามว่าเออข้ารู้ว่ากองทัพจากเหลียงซานป่อทัพหนึ่งเพิ่งจะผ่านไปทางนั้นมึงบอกได้ไหมว่ามีใครอยู่ในนั้นบ้างอะฮะเฮ้ยจะไปยากอะไรก็มีท่านกวนเชงขุนพลเ้อาใหญ่เป็นแม่ทัพมีกองหนุนตามมาภายใต้การบัญชาของท่านหัวเสือดาหลินชงกับท่านเดรช น, น่าดาอยางซื่อ ป้าท้อของกล้วยกล้วยพันนี้มึงคิดว่ามันคำถามที่ยากนังหรือไงวะฮ่่าฮุ้ยชายผู้นั้นได้ฟังก็เชื่อสนิทซึกตัวลงุนเขา่าแล้วโคกศรีรษะคารวะลี่ขุยจึงถามให้บ้างว่าเอา้าแล้วจริงๆอะท่านมีนามบกอนว่ากะไรฮะชายผู้นั้นตอบว่าข้อนะเกิดในเขตจงซานตระกูลข้าเป็นนักมวยปล้ำมาสามชั่วคนแล้ว การต่อยตีด้วยหมัดมวยไทยทอดสืบต่อกันมาจากพ่อสู่ลูกไม่มีสอนให้คนภายนอกแต่เนื่องจากข้าเป็นคนไม่มีเส้นสายไม่มีใครเขาศรัทธาจะรับไปอยู่ด้วยข้ามีนามว่าเจียวถิงคนไร้น้ำใจชื่อนี้รู้กันดีทั่วไปทั้งในสารตรงกับหัวเปื่อยอะไรวะเ ด, ว เ, เดี๋ยวหัวเปื่อยเดี๋ยวหัวเปื่อยมันอะไรเปื่อยกันแน่วะเนี่ยเมื่อ เ, เร็วนี้ ข้าเกิดไปได้ยินว่าที่จังหวัดขัวโจมีสถานที่แห่งหนึ่งมีนามว่าเทือกเขาผาอับเฉาวันนั้นมีโจรผู้หนึ่งชอบฆ่าฟันแม่ตัว่าจะมีชื่อว่าเปาสู้แต่ใครๆกลับพากันเรียกหาว่ายมวัตรูดจากโลกกันเขายึดเขาแห่งนั้นเป็นที่ปล้นชิงข้ากำลังจะขึ้นไปสว่วนมิพักกับเขาอยู่ทีเดียววุ้ยคนมีฝี ม, มือราเมือยงทัน สมควรจะไปสวามิภักดิ์กับพี่ใหญ่ทรงเจียมของข้าจะดีกว่าเจียวถิงจึงพูดว่าข้าก็เคยคิดจะไปป้อมค่ายของท่านมานานหนักหนาแล้วทว่าไม่มีใครแนะนําตอนนี้ข้าก็ได้พบท่านแล้วข้ายินดียิ่งนักที่จะไปสวามิภักดิ์กับท่านพี่ใหญ่ทรงเจียมลี่ขุยจึงแย้งขึ้นว่าเฮ้ยแต่ก่อนอื่นข้าจะต้องแสดงอะไรให้พี่เขาเห็นสักเล็กสักน้อยก่อนตอนนี้ข้ายังกลับไปมือเปล่าไม่ได้ยังไม่ได้ฆ่าผู้ใดเลย เราจะไปหลิงโจค่ายคุณพลซานกับคุณพลเบยแล้วค่อยกลับค่ายพร้อมกันก็นแล้วกันนะเจียวถิ่งจึงว่าหลิงโจเป็นเมืองป้อมค่ายที่เต็มไปด้วยทหารรายร้อมแน่นหนาลาพังเราสองคนฝีมือรวมกันก็มีอยู่เท่านี้จะทำอะไรหลิงโจคงไม่ได้ดอกนอกจากจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่าเปล่าปลี่ ป, ปี่ก่อนอื่นเราควรจะไปที่เถืออเขา่าอับเฉาวานล้อมให้ท่านเป่าสู้ จับมือกับเราจากเขาเลี้ยงซานวิธีนั้นน่ะ น, นะจึงจะนับว่าดีที่สุดว่าไหมล่ะพี่ลี่ขุยเอ อ, เ อ, อว่าอะไรก็ว่าตามกันก็แล้วกันขณะที่ทั้งสองกําลังสนทนากันอยู่นั่นเองแหะครับชื่อเฉียนก็ตามมาทันแล้วร้องเรียกลี่ขุยขึ้นว่าโอ๊ยพี่ใหญ่กังวลใจเรื่องท่านนักรียกลับขึ้นเขาด่วนตอนเนี้ยมีพวกออกมาตามหาท่านถึงสี่คณะแล้ว โ อ, โ, โอ้โหวุ่นวายกันใหญ่บนเขาอ่ะลีบขุย่รีบแนะนําเจียวถิงให้รู้จักชื่อเฉียนยังคงรบเราว่าโอ้โหไอ้พี่ใหญ่รอท่านอยู่ลีบขุยจึงขึ้นเสียงว่าเฮ้ยพอทีท่านเจียวถิงกับข้าตัดสินใจกันแล้วเราจะไปยังเขาผาอับเฉาเพื่อขอให้ท่านเป่าสู้มาร่วมกับพวกเราให้ได้ซะก่อนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ พี่ใหญ่กาลังรอท่านอยู่เราต้องกลับขึ้นเขาไปเดี๋ยวนี้เฮ้ย <Hey! S 1> ลี่ขุยจึงว่าหากท่านไม่ไปกับข้าก็กลับไปเรียนท่านพี่ว่าข้ากำลังจะทำอะไรอยู่ข้าจะเรียกกลับไปเร็วนี้แหละเื่อเฉียนนั้นให้เกรงลี่ขุยนักจึงกลับค่ายไปแต่เพียงลำพังเจียวถิงกับลี่ขุยก็บ่ายหน้าไปยังจังหวัดขอโจแล้วตรงไปยังเขาป่าอับเฉา ข้างฝ่ายกวนเชงส่วนซานกับห่าซื่อเหวินพร้อมไพร่พลอีกห้าพันคนก็เข้าใกล้หลิงโจไปเรื่อยๆตอนนั้นข้าหลวงจางแห่งหลิงโจเพิ่งได้รับท้องตราเรียบทับเข้าเมืองหลวงรวมทั้งคำสั่งจากสมหานายกให้นำตัวขุนพลซานกับขุนพลเว่ยเข้าพบ จึงส่งผ่านคำสั่งลงไปตามนั้นขุนพลทั้งสองระดมทหารแจกจ่ายสารพวุธผูกอานมา้ารัดบางเหียนใส่ขลุมปากเบิกเสบียงกลังทั้งคนทั้งมา้าแล้วกำหนดวันออกเดินทางทันใดนั้นผลเดินสารผู้หนึ่งเข้ามารายงานว่าไรอดวันเชงขุนพลเล้าใหญ่จากเขตผู้ตรงนำกนำลังทหาร จะยกมาตีจังหวัดเราขอรอ้องซานกบับบุ๋ยได้ฟังก็เดือดดาลฉักม้าหนังหน้าพาเหล่าทหารออกรับมือฆ่าศึกพอทัพทั้งสองประชิดเข้าหากันทงทิวโบกสะบัดของกลองก็หัวประโคมรัดใส่กันให้อึงมีขวนเชงขับม้าออกมาจากป้ายร่มธงของฝ่ายตนไปออกไปยังภาคตรงข้ามทางทิศเหนือก็มีเฉยงกลองย่าขึ้นอีกชุดขุนศึกกระแสชนขี่ม้าดําถือหอกดําทั้งหมวกเด็กทั้งชุดเกราะเสื้อคลุมรองเท้าหุ้มข้อก็ล้วนดําสนิท เขาขี่ม้าตามหลังทหารผู้หนึ่ง <Yeah. S 1> แบวกคันธงนำหน้าธงสีดำผืนนั้นปักลวดลายเดินอักษรความว่าขุนศ <Yeah. S 1> ึกกระแสะชนซานถิงกุย้ย <Yeah. S 1> ส่วนที่ฝั่งตรงข้ามทางทิศใต้ลูกกระพวนติดสายรั้งบางเหียนมา้าเขย่าดังเกลียวกล่าวไวนพลอคเนีเวย่ยติงโก <Yeah. S 1> ก็ขับม้าออกมา <Yeah. S 1> เครื่องแต่งกายเป็นสีแดงเพลิง <Yeah. S 1> นามาด้วยทหารถือธงผ้าักลวดลายสีแดงสลักอักษรได้ความว่า ขุนพลอัคนีเว่ยติงโกทข<ป>ุนทั้งสองวิ่งมามาที่ลานสักประยุทธ์พร้อมกันกวนเชงกล่าวทับทายไปจากหลังม้าอย่างนอบน้อมท่านขุนพลทั้งสองนาห น, นักหนานไม่ได้พบหน้ากันซานกับเบยหัวเราะแล้วชี้หน้ากวนเชงบริพาดว่า เฮ้ยไอ้กรบอบ้าไอ้คนสิ้นคิดมึงมันไม่ควรข้าน้ามระทไยแห่งแถวแม่ตาจากอ๊อกและจากอภลสรชื่อเสียงปัจจชนเรามาเปลือกล่วกับไปพวกคนชั่วให้หัวหมองเฮ้ยมาวัดนี้ล้ายดีถึงกับยกทัพมาทำเช่นนี้เอาไปให้ไม่ได้เฮ้ยวุเชีงร้องตอบออกมาว่าท่านขุนพล ท่านผิดซะแลว้วองเทพไถ่ถูกไอ้คนจันไรมันเพ็ททุนแล้วส่งให้ไอ้พวกเสนาบดีขี้ช่อขึ้นเป็นใหญ่พวกมันใช้สอยแต่สำนักพักพวกมีสีดีแต่หาเหตุจนคนดีๆต้องหนไีไปเป็นโจนแต่พี่ทรงเจียบส่งไว้ซึ่งคุณธรรมความดีน้ำใจเปี่ยมด้วยมิมยตรไตรีประพุทธปฏิปตนอยู่แต่ในศีลในธรรมนี่มันพระหรือเปล่าวะเนี่ยฮะไม่ใช่นักรบแล้ว พระพุทธปฏิบัติตนอยู่แต่ในศีลในธรรมตามคันรองแห่งสวรรค์ท่านส่งเข้ามาเรียนเชิญท่านไปร่วมหากท่านไม่คิดดูมินถิงแคนตัวข้าแล้วไซก็ขอให้ข้าได้เป็นผู้พาท่านทั้งสองขึ้นเขาไปเถิดว่าไงแต่คำพูดกวนเชิงยิ่งทําให้ขุนพลทั้งสองเดือดดานโถมตัวเข้าหาหนึ่งนั้นประดุดก้อนเมฆสีดากันโชคมาจากทางทิศเหนือ ส่วนอีกหนึ่งนั้นเล่าก็เปรียบดังลูกไฟที่กิ้งเข้าใส่จากทางทิศใต้วนเชงยืนม้ารับศึกสองด้านนิ่งอยู่แต่ฉับพริบ น, นั้นชวนซานก็พุ่งออกมาทางด้านซ้ายฝ่ายห่าวซื่อเหวินก็ฉลันออกมาทางด้านขวาแยกกันเข้าประทา่าขุนพลทั้งสองฝ่ายดาบปะดาบตีกระหนาดให้ฉาดฉาลูกไฟแตกและฉมีออกเป็นพันสายเย็นยเยียบฝ่ายหอกปะหอกประกายหอกก็สารเป็นสมขึ้นคลุมฟ้า แพรล้างสีมรณะหนาวอย่างเยือกกวนเชงยืนม้ามองอยู่ห่างๆก็ให้บันดานใจกับฝิ้มือของขุนพลทั้งสองขใดนั้นพวกเขาก็แยกกันออกเหยหัวมา้าต่างฝ่ายต่างพอกลับไปที่ด้านของตนสวนซานกับเ่าซื่อวนปวดม้าไล่ชวนตามเุ่ยไปทางซ้ายฝ่ายห่าไล่ซานไปทางขวาขณะส่วนซานไล่ปวดไป พลเดินเท้าทหารฝ่ายรัฐบาลราวห้าร้อยคนใส่เกราะแดงติดธงแดงก็กระจายออกเป็นแถวเรียงเดียวโอบล้อมพระสวามีผู้อาภัพตัขอไม้เสือกเข้าใส่บ่วงบาดก็ปลิวกันให้วนต้อนจับไปได้ทั้งคนทั้งมา้าฝ่ายเทพหมาป่าฮาวที่ไล่ตามสารไปทางขวาก็ถูกคลเดินเท้าทหาร น, น้ำฝ่ายรัฐบาลอีกราวห้าร้อยคนล้อมเอาไว้เช่นเดียวกัน แต่พน้นที่โอบกันเข้ามานั้นจะต่างกันก็แต่พวกเขาล้วนผูกเกราะดำติดธงดำรูกันเข้ามาด้านหลังรวบตัวมัดแน่นขณะที่ทั้งคู่ถูกศัตรูพาแห่เข้าไปในหลิงโจซานกับเวย๋ยพร้อมด้วยทหารคนละห้าร้อยก็โถมกําลังมาข้างหน้าวนเชงรับมือไม่อยู่ก็แตกหนีไปพร้อมกับคนของตนเว๋ยกับซานเคียดม้าวิ่งไล่ขวดไปแต่แล้วมองออกไปด้านหน้าวนเชงก็เห็นนายจรอีกสองคนควกม้าตรงเข้ามาทางตน เป็นลินชงกับหยางซื่อนั่นเองนายจนทั้งสองพาไพ่พลโอบเข้ามาทางด้านปีกโถงเข้าตีหมู่ทหารของฝ่ายหลินโจเห็นข่าพวกนั้นจนแตกกระจัดพัดพ่ายไปสิน้นวนเชงร่วมทัพของตนที่แตกพ่ายสนที่กําลังเข้ากับทัพของลหลินและหยางหลังจากคาวะคนทั้งสองแล้วไม่ช้าสุนลี่กับหวงซินก็ตามมาถึงทั้งหมดก็ลงค่ายอยู่ด้วยกัน คุนศึกกระแสชนขุนพลอัคนีพร้อมด้วยเฉลยศึกชวนซานกับห่าวซื่อเหวินก็กลับเข้าเมืองเยี่ยงผู้ชนะข้าหลวงจางออกมาต้อนรับฉลองกันตามธรรมเนียมด้วยสุราจางสั่งให้ผูกกรงเกวียนสองเล่มเอาไว้คุมขังคนทั้งสองแล้วในคืนนั้นก็สั่งผู้ใต้บังคมบัชาคนหนึ่งนำพลเดินเท้าสามร้อยคุมตัวเฉลยศึกทั้งสองไปส่งยังเมืองหลวงตะวันออกแล้วรายงานการจับกุมแก่ราชสำนะัก ขบวนคุ้ม ก, กันรุนไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวบ่ายหน้าไปยังเมืองหลวงตะวันออกพอผ่านเข้าไปในเขตป่าไม้ที่ลวนยืนต้นไายซากเห็นหยุดเพียงหรอมหมแหลมแทกตัวโดเด่ตามพื้นป่ายาขาแห้งผักทั้งสอง้าคว่างไกลจนสุดสายตาชับทันเสียงของก็ดังขึ้นโจรหมู่หนึ่งพวกลวดออกมาบุรุษผู้หนึ่งนำหน้ากวัดแกงขวานคู่สุ่มเสียงดุดันปานฟ้าผ่าจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากสลาตันดำรีขุยแห่งเหลียงซานเปาะผู้นั้นนั่นเองด้านหลังคือคนร้น้ำใจเจียวถิงทั้งสองขวางถนนตรงเขายึดเกวียนเฉลยทั้งสองเล่มเอาไว้โดยไม่พูดพร่ำทำเพลงขณะที่นายทหารผู้นั้นหันตัวกลับขยับจะหนีโยมทูดจากโลกันเป่าสู้สีหน้าเย็นชาตาโปนถลนออกมานอกเบ้า ก็โถมเข้าไปด้านหลังตวัดดาบไปฉับเดียวรองผู้บัญชาการคนนั้นก็หล่นลงมาจากหลังม้าขบวนคุ้มกันที่เหลือจึงทิ้งเวียนเพ่นหนีเอาตัวรอดไปสิ้นรี่ขุยพบว่าเฉลยที่ถูกพามาคือชวนซานกับหาวซื่อเหวินจึงถามไทเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนย้อนถามไปว่า เอาก็แล้วท่านล่ะมาทำอะไรอยู่ที่นี่ฮะลี่ขุยตอบว่าเฮ้ยก็พี่ใหญ่ไม่ยอมให้ข้าร่วมกินโต๊ะที่หลิงโจดังนั้นข้าจึงรันมาเองตอนแรกก็ข้าหันโปโอลงต่อมาก็มาเจอกับท่านเกียวถิงเขาเป็นคนพาข้ามาที่นี่ตอนที่พบกันท่านเปาสู้ก็ให้สนิทเสมือนเป็นเพื่อนเก่าใกล้ชิดกันมานานแรมปีดูแลข้าประหนึ่งพี่น้อง พวกเราตกลงกันว่าจะไปตีหลิงโจแต่พอดีแมวมองเห็นขบวนคุ้มกันเกวียนเฉลยศึกผ่านมาทางนี้คิดว่าคงจะเป็นโจนธรรมดาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะเป็นท่านทั้งสองเอยี่ยมจริงๆเลยอะ่ะเปาสู้เชื้อเชิญทุกคนขึ้นไปบนเขาเลี้ยงดูปูเสือด้วยเนื้อแกะกับสุรา่าวซิร์บินจึงเอ่ยปากกับเปาสู้ว่าอ๋อ ก็ในเมื่อท่านประสงค์จะไปร่วมกับพวกเราที่เขาเหลียงซานอยู่แล้วฉันไหนไม่ผนึกทัพไปตีหลิงจอร่วมกันซะเลยเล่าหากเป็นเช่นนั้นก็จะเยี่ยมไปเลยนะขอรับเป่าสู้จึงว่าโอ๋น้องเล่กขุยกับข้าก็กําลังคิดจะทำแบบนั้นเช่นกันยิ่งมีพวกท่านมาร่วมก็ยิ่งดีใหญ่ข้ายังมีมา้าฝีเท้าดีจะมอบให้สองสามร้อยตัวด้วยเป่าสู้พาคนของตนราวหกเจ็ดร้อยคนร่วมกับผู้กล้าอีกสี่คน เคลื่อนพลตรงไปยังหลิงโจทหารที่ไปกับกระบวนคุ้มกันเฉลยพอแตกกลับเข้าเมืองได้ก็รีบเข้าไปรายงานข้าหลวงจางเฮ้ยๆฮเฮร่งอนเราถูกพวกโจรสกัดกลางทางพวกมันยึดเวนเฉลยและข้าในทหารที่นำไปแล้วขอรับซานกับบ่วยได้ฟังก็ให้เดือดด่านนักและพูดขึ้นว่า เฮ้ย <Hey, S 2> เราจะออกไปจับไอ้พวกนั้นกลับคืนมาประหารเสียที่นีเลยแต่ในไม่ช้าก็ได้ยินเสียงกวนเชงกับทหารมาร้องท้าให้ออกไปรบนอกเมืองเอา hey, เฮ้ยไอ้สารกับไอ้วยอะ่ะมจะรบไปเนี่ยเฮ้ย hey, ถ้ามึไม่รบก็มึงลาออกไปเลยไอ้ชาติเกิดมันเป็นทหารจริงๆเลยกมึงอะ่ะเฮ้ยไอ้บัตซบพอประตูเมืองอ้าออกสะพานหกข้ามคูเมืองก็ถูกโรยลงมา ขุนศึกซานรีบควบม้าออกไปเป็นรายแรกนําทหารม้าออกไปด้วยพันคนจากร่มธงของกองทัพฝ่ายรัฐบาลทหารผูกเกราะดำห้าร้อคนก็กระจายแถวออกพร้อมรบขุนศึกกระแสนชนตะโกนด่ากวนเชงท่วงท่าหน้าขนลุกไอ้ขี้แพ้ไอ้คด เอาดี๋มึงเทอเนี่ยมึงยังไม่รู้จักอู้จวนเชงบกวกเท้ากระตุ้นม้าเข้าหารบกันไปได้ยี่สิบเพลงจวนเชงก็เหมหาหนีสารไล่ขวดตามไปได้กว่าสิบลี้จวนเชงผินหน้าตะโกนข้ามไหลามาว่าท่านขุนพลลงมาแล้วเข้ามามอบตัวสิดีกว่า เฮ้ย hey, มาโมรออะไรกูอีกเลาฮะซารได้ฟังก็เสือกหอกโผมแทงใส่แผ่นหลังกวนเชงกวนเชงปัดหอกที่แทงเข้าใส่ด้วยความว่องไวเป็นเลิศ oh. เหียนดาเพีย้ย <Hey. S 2> พร้อมทั้งตะโกนสำทับไปว่าลงไปเฮ้ย hey. ฉับพลันนั้นเองสานที่โถมเข้ามาก็น่าขมํ่ตัวหลุดอ่านม้าตกลงไปวัดพื้นกวนเชงรีบลงมา้าเข้าไปช่วยะยุงให้ลุกขึ้นลลดลักดาลักษ์ว่า ท่ท่น ท, นทน่ขุนพลอาภัยข้าสักหมื่นครั้งเถิดขอรับขุนพลซานที่ยังตกใจเรียกคุกเข่าโคกศีรษะร้องขอชีวิตโวนเชงจึงเอ่ยขึ้นว่าเออข้าน้อยก็เพียงเล่าให้ท่านฟังนักต่อ น, นักถึงเรื่องพี่ใหญ่ทรงเจียงก็เป็นพี่ทรงเจียงเองดอกที่ใช้ให้ข้ามาเรียนเชิญท่านขุนพลทั้งสองให้ขึ้นไปร่วมปฏิบัติตามบัญชาสวรรค์ด้วยกันบนเขาอ่ะซานจึงเอ่ยขึ้นว่าเออถ้าเป็นเช่นนั้น ถึงตัวจะไม่มีความสามารถใดๆแต่เพื่อจะลองให้ถึงซึ่งคุณธรรมน้ำมิตรข้าก็ยินดีจะอุทิศทั้งชีวิตขอทำการไปตามคันลองลิขิตให้สุดจิตสุดใจทั้งสองขึ้นมาพวกพี่เคียงกันไปสทนากันไปลิ้นชงเห็นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น้วนเชงเฉยเสียแฉไปเรื่องอื่นไม่รู้ฟื้นใครแพ้ใครชนะเออ เราไปเจอกันบนเนินเขาและพูดเรื่องเก่าๆแต่ผลหลังแล้วขา้าก็ชักจุงท่านขุนพลให้มาร่วมกับเราลิ้นชงกับคนอื่นๆพลอยดีใจขุนพลซานกลับไปที่แนวรบของตัวตะโกนสั่งการออกไปพลหมาชุดเกราะดําทั้งห้าร้อยม้าก็โ howl เป็นการขานรับแล้วข้ามฟากมาอยู่ฝั่งหน้า ก, กฎหมายจนหมดสิน้นส่วนทหารธรรมดาที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งแตกหนีกลับเข้าไปในเมืองแล้วรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นแกข้าหลวงหวาง เว่ยได้ฟังข่าวก็ให้แค้นใจนักฟันรุ่งขึ้นก็ขี่ม้าพัทหารออกไปทารกซานถิงกุยกวนเชงและลินชงก็ขี่ม้านำหน้าขุนพลอัคนีจากแนวธงฝั่งตรงข้ามก็รุกเข้าหาด้วยม้าศึกพอเห็นซานตามกวนเชงมาก็ด่าออกไปไอ้คนรตรบัดซ้อไอ้ทุติยศไอ้ลืมเข้าแดงแดงร้อน ไอ้คนเส้นคิดเ้ยไอ้อือไอ้โอ้โหกูคิดจะตามก็ไม่ออกว่ะเพราะเขาเขียนไม่แค่นี้กูก็ลืมกวนเชงหัวเราะกระตุ้นม้าเข้าหาทั้งสองเข้าปะทะกันรบกันไปได้ไม่ทันถึงสิบเพลงเหว่ยก็ชักม้ากลับไปยังที่ตั้งของฝ่ายตัว อวนเชิงขยับจะไล่าตามแต่ซารรองห้ามเอาไว้พันแม่ทัพอย่าได้ตามไปเดี๋ยวก็ต้องคนรอกคุณพลเนาใหญ่รีบรั้งบังเห็นมา้าทหารแต่งชุดแดงทั้งห้าร้อยคนสะพายลูกระเบิดเพลิงไว้บนหลังพรั่งพรูออกมาจากลิงโจดังเหินลมจากขาบวนม้าทั้งหน้าและหลังเวียนสักห้าสิบเล่มบรรทุกหญ้าแห้งเป็นกองผนเนินเอาไว้จาพูน ทหารแต่ละคนเป้นคนโทใสดินประสิวกำมถันและเชื้อไฟชนิดอื่นๆเอาไว้บนหลังเผากองเกลียนของตนจนไฟลุกโพรง่งแล้วใสเข้าใส่ข่าสึกไฟโจรทั้งคนทั้งมา้าพอต้องไฟก็พากันบาดเจ็บล้มตายลงไปเป็นอันมากไรพ้่ไฟกวนเชงแตกระสัำระสายกระจัดกระจายกันไปทุกทิศทุกทางถอยหนีไปไกลกว่า40สิลี้ก่อนที่จะลงค่โยเรียกทหารของตนพา ก, กลับเข้าเมือง แต่พอมาได้บัดเดียวหนึ่งก็เห็นเมืองทั้งเมืองตกอยู่ใต้กองไฟส่งควันดําขโมงขึ้นฟ้าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสลาตันดําเล่ขุยพร้อมด้วยเจียวถิงเป่าสู้และไพรพลพโจรจากเขาป่าอับเฉาลุกเข้าหลิงโจจากด้านหลังไปหักเข้าประตูเมืองทิศเหนือพอเข้าเมืองได้ก็วางเพลิงปล้นสะดมคลังสเสบียงและคลังสมบัติของหลิงโจจนวินาศสันตโรไปสิน้น พอเว่ยทราบเรื่องก็ไม่กล้ากลับเข้าเมืองรีบพาทหารพระออกไปกวนเชงเห็นดังนั้นก็พาทหารไล่ตามไปจนทันการสื่อสารระหว่างหน้ากับหลังถูกตัดขาดไม่ว่ามองจากแง่ไหนหลิงโจก็ยับเยินไปสิ้นแล้วเว่ยถอยหนีไปยังตำบลจงหลิงแล้วตั้งมั่นอยู่ในนั้นกวนเชงเข้าปิดล้อมแต่เว่ยปิดประตูเมืองไม่ยอมออกรบซานกล่าวกับกวนเชงและลินชงว่าเขาเป็นคนกล้า และคงยอมตายหากมีอะไรไปกดดันดังนั้นจะต้องตะล่อมตะล่อมเข้าหาถ้าผหลีผหลามก็คงไปไม่ได้ไกลถึงจะเสี่ยงแค่ไหนข้าก็ยินดีจะเข้าไปในเมืองวานล้อมให้เขามอบตัวให้จงได้กวนเชีงให้ดีใจนักตกลงใจให้สานเข้าเมืองไปโดยลำพังทหารผู้หนึ่งเข้าไปรายงานว่าไก่ออนขุนกซานมหาขอรับเวยก็ออกมารับเชื้อเชิญซาลเข้าไปในห้องรับแขก ซานเอ่ยขึ้นว่าทุกวันนี้รัศมีจากราชสนัคริบปรีนักทั่วทั้งแผ่นดินก็มีแต่ความปั่ญพวนพระจักรพรรดิทรงเป็นไม้หลักตักขี้เลนขุนนางกลางฉินขึ้นครองอำนาจขุนทหารอย่างเรามากต่อมากล้วนไปเป็นข้าของท่านทรงเจี้ยงแห่งเบื้องเหลียญซาน ร, รอให้ไอ้พวกขุนนางขี้ช่อถูกรดเรายังมีเวลาจะหวนกลับไปรับใช้ใต้เบื้องยุคนบาดบทขยี้ไอ้พวกชั่วช้าสถาปนาความถูกต้องขึ้นมาใหม่ เวยนิ่งเงียบครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่เป็นนานในที่สุดก็เอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยข้าจะยอมแพ้ก็แต่ท่านกวนเชงต้องมาขอด้วยตนเองมิฉะนั้นขอตายซะดีกว่าซานขึ้นมาแล้วกลับมาพร้อมคำตอบกวนเชงเอ่ยขึ้นว่าใช่ว่าข้าจะเป็นคนสลักสำคัญอันใดหรือก็าหามให้ท่านขุพนพลยกย่องกันเกินไปแล้วว่าแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทาง มีเพียงแต่สารเท่านั้นที่ตามไปด้วยลิ้นชงแย้งขึ้นว่าท่านขวรจะคิดให้ทวนทีซะก่อนอันว่าใจคนนั้นสุดจจอยังนะกวนเชงจึงร้องขึ้นว่าอุ้ยผู้กล้าย่าไม่เกร้งกวนิ่งใดๆแล้วก็ขึ้นมาตรงไปยังสาาว่าการตำบล เหวยรอต้อนรับอยู่ด้วยความยินดีคุกเข่าคารวะแล้วยอมอ่อนน้อมทั้งสองสนทนากันเรื่องผลหลังแล้วเวยก็จัดงานเลี้ยงขึ้นบันเทิงกวนเชงในวันเดียวกันนั้นก็ขึ้นมา้าพร้อมทหารฝ่ทั้ง500อยของตนตามกวนเชงไปยังค่ายฝ่ายโจรแล้วกวนเชงก็แนะนําหลินชงอย่างซื่อกับผู้น้าโจรคนอื่นๆให้รู้จักทัพพวกนอกกฎหมายก็ชุมนุมพลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วยกกลับบึงเหลียงซาน ทรงเจียงส่งใต้จงมารอรับที่กลางทางพอเทพท่องทางเห็นลี่ขุยก็เอ่ยปากออกไปว่าเเป็นเพราะเจ้าหนีลงมาจากเขาพวกเราพี่น้องต้องเสียแรงวิ่งค้นหาไปมาโดยปล่าประโยชน์ชื่อเฉียนแย้โหลี่หยุนและหวางติ่งลิ่วล้วนกลับค่ายกันหมดแล้วข้าก็จะรีบกลับไปรายงานท่านทรงเจียงท่านจะได้ไม่เป็นกังวลใจกับเจ้าอีกต่อไปเฮ้คนอะไรวะทำตัวเป็นเด็กไปได้ ลงเขาบ้าไปเลยปาดโทปใ <_ C os> ต้จงรีบล่วงหน้ากลับไปก่อนกวนเชงแหละคนอื่นๆก็เดินทางตามปกติจนกระทั่งลุกถึงตำบลชายน้ำที่บรรดาเรือข้ามฟากน้อยใหญ่ของฝ่ายโจรต้องวิ่งรอกขนกองทัพขึ้นฝั่งยังหาดทรายทองเสียหลายเที่ยว นิสเนอร์ถึงตอนที่หกสิบแปดมีชื่อตอนว่าส่งเจียงตีหมู่บ้านเจ้าโถกลางดึกกิเลนยกนู่จุนยี่จับชื่อเวียนกงส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกทุกท่านรับฟังได้นะบัดนี้ ใต้จงรีบร่วงหน้ากลับไปก่อนกวนเชงแหละคนอื่นๆก็เดินทางตามปกติจนกระทั่งลุถึงตำบลชายน้ำที่พันดาเรือข้ามฟากน้อยใหญ่ของฝ่ายโจนต้องวิ่งรอกขนกองทัพขึ้นฝั่งยังหาดทรายทองเสียหลายเที่ยวชับพลันนั้นเองบุรุษผู้หนึ่งก็กระหืดกระหอบเข้ามาหาเหนื่อยหอบจนตัวโยนทุกคนก็จำได้ว่าเป็นตวนจิ้งจูสุนัขขนทองผู้นั้นนั่นเอง ลิ้นชงจึงถามออกไปว่าเฮ้ยท่านไม่ได้ขึ้นเหนือไปกับหยางหลิ้นและซื้อหยงดอกหรือไรแล้วเหตุฉันไหนจึงได้กลับมาได้ร้อนรนถึงเพียงนี้ตวนเอ่ยขึ e ้นว่าข้าหน้อยขึ้นเหนือไปซื้อม้ากับหยางลิ้นและชื่อหยงตาปกตินั่นแหละได้ม้าดีมากกว่าสองร้อยมาคนนี่หนาเต็มตัว ลาบเนื้อและเส้นเอ็นก็แข็งแรงนักแต่ตอนขากลับนะสิขณะผ่านมาทางจังหวัดฉิงโจเราถูกจโจรก๊กหนึ่งคนกว่าสองรอยโจมตีเอาอย่างรุนแรงตัวหัวหน้ามีชื่อว่ายู่เปาซื่อฉายาพูดร้ายบนทางเปรียวพวกมันแย่งม้าของเราเอาไปหมดแล้วพาไปยังหมู่บ้านเจิ้งโถระหว่างถูกตี น, นะพวกเราแตกกันไม่ทราบว่าชื่อหยงกับหยางหลินไปทางไหนข้ารีบหนีมาเพื่อที่จะขึ้นไปรายงานทางค่ายบนเขา ลิ้นชงเห็นว่าต้องรายงานเรื่องนี้ให้พี่ใหญ่ทราบทั้งหมดก็ข้ามน้ำแล้วตรงไปพบส่งเจียงยังหอทรมาพักดีหวนเชงแนะนำขุนพลซานกับเวย่ยให้ทุกคนได้รู้จักลี่กุยก็เล่าเรื่องที่ตัวค่าหั่นโปหลงพบเจียวถิงกับเป่าสู้และร่วมกันบุกตีหลิงโจส่งเจียงให้ยินดีนักที่ได้ผู้กล้ามาสมทบอีกสี่คนแต่พอส่งเจียงได้ฟังเรื่องที่ต่วนถูกปล้นมาก็ให้เดือดดานใจ พวกมันทำกับเราแบบนี้มา ห, หนึ่งแล้วมาคราวนี้ก็มาทาเหมือนไม่เห็นหัวกันอีกที่ข้าเป็นทุกข์ใจทั้งคืนทั้งวันเช่นนี้ก็เพราะว่ายังไม่สามารถล้างแค้นให้ท่านพี่เจ้าสวรรค์เจ้าไก่ได้สำเร็จคราวนี้หากยังถอนแค้นไม่ได้ข้าก็คงเป็นได้แค่ไอหัวหลักหัวท่อให้ผู้คนเขาล้อเลียนให้ได้อายเท่านั้นปู่ยงจึงเอ่ยขึ้นว่าตอนนี้ ย่าเข้าฤดูใบไม้ผรินักเป็นช่วงดีในการทำศึกตอนที่เราโจมตีพวกมันครั้งก่อนเราไม่ได้ใช้ใชัยภูมิให้เกิดประโยชน์มาคราวนี้เราต้องฉลาดขึ้นให้หนักส่งเจียนจึงว่าเฮ้ยข้านั้นชังพวกมันกระทั่งเข้าไปในไขกระดูกข้าจะต้องล้างแ้นให้ไดายไม่เช่นนั้นขอสาบานว่าจะไม่กลับคืนบ้านโดยเด็ดขาดอันว่าชื่อเสียง น, นั้น วันใชใ้ไปสืบข่าวด้วยสามารถไต่กำแพงเดินบนหลังคาพอได้ความแล้วเราค่อยมาหารือกันใหม่ไอ้หมัดบนหนังกรองถูกส่งไปหมู่บ้านเจิง้งโถสองสามวันต่อมาหยางหลินกับชื่อหยงที่รอดตายก็กระเซิร์กระเซิหนีมาจนถึงค่ายทั้งสองเล่าว่าชื่อเหวินกงทำคุยโอที่เจิง้งโถว่าชาตินี้จะไม่ยอมขออยู่ร่วมโลกกับพวกเหรียนซานเปาะ ส่งเจียงก็ใคร่จะระดมพลไปให้ได้เสียเดี๋ยวนั้นแต่วบูยงห้ามเอาไว้ว่าเออรอให้ชื่อเฉียนกลับมารายงานก่อนเถิดขอรับเวลายังมีอีกเหลือเฟือส่งเจียงโกรธจัดกระหายใคร่จะล้างแค้นไว้วเมื่อไม่สามารถห้ามใจไหวก็ส่งใต้จงลงไปยังหมู่บ้านแล้วให้นําข่าวสารเท่าที่ได้กลับมารายงานในทันที ไม่กี่วันใต้จงก็กลับมาแล้วรายงานขึ้นว่าเก้งโถใครจะแก้แค้นให้หลิงโจพวกมันระดมไพร่พ ล, ลตั้งฐานปืนใหญ่เอาไว้หน้าหมู่บ้านติดธงรรอบด้านตั้งกองประชาการขึ้นที่วัดฟ้าหัวใช้เป็นจุดตรวจการได้ในรัศมีร้อยลีข้าไม่รู้ว่าจะบุกเข้าตีทางไหนดีวันต่อมาชื่อเฉียนก็กลับมารายงานรงงานท่านหุหน้า ข้อสืบลงไปในรายละเอียดพราะว่าพวกมันสร้างค่ายใหญ่ขึ้นห้าจุดชื่อเหมือนกงคุ้มค่ายทางเข้ามีไพร่ผลกว่าสองพันคนฉันเป็นหลักให้ค่ายอื่นๆป้อมค่ายทางเหนือของหมู่บ้านมีเจ้าตูเป็นหัวหน้ามีสูติ่งเป็นผู้ช่วยป้อมค่ายทางทิศใต้นำโดยเจ้ามีบุตรชายคนที่สองของตระกูลป้อมาทางตะวันตกนำโดยเจ้าโซบุตรคนที่สามส่วนป้อมาทางตะวันออกนั้น อยู่ภายใต้เจ้างุ้ยบุตรคนที่สี่ใจกลางคือหมู่บ้านเจ้างโถมีเจ้างเฉ็งบุตรคนเล็กกับเจ้างนองผู้เป็นบิดาอยู่อารักขาฝ่ายพูดร้ายบนทางเปรียวยู่เปาซื่อเป็นคนตัวใหญ่พุงพรุ้ยคอยดูแลมา้าที่ล้นเอาไปไว้ในเขตวัดบูยงเรียกบรรดาหัวหน้ามาประชุมแล้วเอ่ยขึ้นว่าเมื่อพวกมันมีห้าข่ายใหญ่เราก็จะแบ่งกาลังเป็นห้ากองแยกกันออกตี เจ้าสัวลูกพูดลุกขึ้นแล้วพูดขึ้นว่าข้ายังไม่ได้แสดงความซาบซึ้งในบุญคุณที่ได้ช่วยชีวิตแถมยังรับขึ้นมาลี้ภัยอยู่วันนี้ข้าจึงใคร่จะขอออกหน้าทุ่มเทตนเองให้ถึงที่สุดไม่ทราบว่าท่านจะอนุญาตหรือไม่ส่งเจียงให้ดีใจยิ่งนักแล้วพูดขึ้นว่าท่านเจ้าสัวหากท่านใคร่จะลงเขาก็จงนําทัพ บ, บุกไว้เถิด ปูหยงขัดขึ้นว่าท่านเจ้าสัวเพิ่งจะมาถึงที่นี่อย่างไรประสบการณ์รบทับจับซึกข้างบนทางบนเขาก็แสนจัตุรคันดานไม่เหมาะที่จะขี่มา้าแทนที่จะให้นําเป็นกองหน้าก็ชอบจะให้คุมพวกซุ่มไปพังพลางก่อนให้คอยฟังเสียงปืนใหญ่จากทับหลวงจะได้ตีหนุนเนื่องเข้ามาช่วยเราที่ปูหยงพูดนั้นก็ด้วยเกรงว่าลู่จะเป็นคนจับซื้อหวนกองได้อันจะทําให้ทรงเจียง ต้องมอบตำแหน่งว่าการเหลียงซานเปะให้ตามคำสั่งเสียของเจ้าไก่ที่ว่าให้หมอบตำแหน่งนี้ให้ใครก็ตามที่จับตัวคนฆ่าตัวได้วูยงยืนกรานไปตามนั้นแล้วสั่งลูกกับเยียนฉิงให้พาทหารห้าร้อยคนไปคอยฟังเสียงสัญญาณและซุ่มอยู่ในทุ่งแล้วหูยงก็จัดแบ่งทัพของตนออกเป็นห้ากองทัพที่จะตีค่ายทางทิศใต้ของเจ้างโถมีกาลังพลทัพม้าสาพัน นำโดยเจ้าอสุนีบาดฉินหมิงและลี่กวงน้อยหัวหงมีมาหลินกับเต็งเฟยเป็นประหลัดทัพทัพที่จะตีค่ายทางตะวันออกของหมู่บ้านใช้ทหารราบสามพันคนนำโดยหลวงจินลู่กับพระทุดงบู่สงโดยมีขงหมิงกับขงเหลิยงเป็นผู้ช่วยฝ่ายได้รัชฉานหน้าดำอย่างซื่อกับก้ามังกรซื่อจินมีประลัดทัพปินเหย็นซุนกับเฉินต้ารับผิดชอบตีค่ายทางเหนือมีกำลังพลทัพม้าสามพันส่วนทัพที่จะเข้าตีค่ายทางทิศตะวันตก มีพลเดินเท้าสา0พันคนนำโดยจูถงบุรุษเครางงามกับเหลยเหงเสือติดปีกมีโจหยวนกับโจรหรุนเป็นประหลัดทัพสำหรับค่ายตรงกลางใช้ทัพหลวงเข้าตีด้วยกำลังคลห้าพันคนแม่ทัพใหญ่คือส่งเจียงมีวุหยงเป็นที่ปรึกษาทัพและกงศุนเชงเป็นประหลัดทัพให้ลู่ฟางโกเชงเสียเจิ้นเสียเป้าไต้จงและชื่อเฉียนคอยเป็นกองหนุน และวางกองหลังกําลังพคลคะ ก, กันระหว่างคนเดินเท้ากับทหารม้าห้าพันคนภายใต้การนําของสลาตันดําลี่ขุยกับเจ้าอสุนม้วนแผ่นดินฟานหรุ่ยโดยมีเสียงจงกับลี่กุลเป็นผู้ช่วยส่วนหัวหน้าที่เหลือให้อยู่ดูแลค่ายทับซ่งเจียงทั้งห้ากองย่าตราลงจากเขาไปอย่างรวดเร็ว ไม่ช้าพวกแมวมองของหมู่บ้านเจ้างถวก็เข้าไปรายงานต่อผู้อวุโสเจิงที่รีบเรียกหาชื่อหวนกลงกับสูติง่งเข้ามาปรึกษาศึกทั้งหมดที่ต้องทำก็เพียงขุดหลุมพรางหลายๆแห่งเอาไว้ดักจับพวกขุนพลฝีมือดีกับไอ้พวกตัวกลั่นนชื่อเหวนกลงบอกว่านั่นเป็นวิธีจัดการกับไอ้พวกโศโครกที่ดีที่สุดแล้วอวุโสเจิงสั่งบ่าวไพร ให้เอาพลัวกับบุ้งกีพากันไปขุดหลุมดักสามเส้นทางเข้าหมู่บ้านจนปลุกพุุนไปทั้งสิน้นและเอาเสือปูโรยหน้าอำพรางเอาไว้ด้วยดินรอคอยการมาของกองทหารข้าศึกรวมทั้งให้ขุดหลุมพลางทางเข้าหมู่บ้านทางภาคเหนืออีกสิบกว่าหลุมระหว่างกำลังเดินทับกันมาบุหยงก็ส่งชื่อเฉียนล่วงหน้าออกไปสืบข่าวสองสามวันต่อมา ไอ้หมัดบนหนังกลองก็กลับมารายงานแขงอ่อนแถวหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านทั้งด้านเหนือและด้านใต้พวกมันขุดหลุมร้างเอาไว้ดักข้าไม่รู้ว่ามีจำนวนสักเท่าไดขอรับมู่ยงหัวร้อแล้วเอ่ยขึ้นว่าฮ่า่าเรื่องนั้นไม่มีอะไรต้องใส่ใจดอก ว่าแล้วก็นำทัพเคลื่อนเข้าไปใกล้จะประชิดเขตหมู่บ้านพอตกเที่ยงวันนั้นก่องหน้าของฝ่ายโจรก็มองเห็นบุรุษผู้หนึ่งขี่ม้าตายหน้าไปกระพัวสำลิศทิศติดอยู่กับคอมา้ากระทบกันส่งเสียงครงุงตริ้งส่วนบรนทายม้าก็ให้หางไก่ฟ้าเป็นพวงยาวสลวย บุรุษผู้ควกขี่บนหลังอาชาสวมหมวกสีดำใส่เสื้อคลุมสีขาวในมือถือหอกสั้นๆพวกกองหน้ากระหายใครจะได้กวดให้บูยงห้ามเอาไว้เป็นแต่สั่งให้ตั้งค่ายขุดคูลึกทั้งสีด้านแล้วปักปากเหล็กเป็นเครื่องกั้นเอาไว้โดยรอบบรรดาทัพอีกสี่กองก็ได้รับคำสั่งให้ทับอีรอบเดียวกันอีกสามวันต่อมาไม่มีใครเลยในเจ้างโถออกมาทารบ ปูยงก็ส่งชื่อเฉียนออกไปสืบข่าวมาว่าเป็นเพราะหเหตุใดคราวนี้ให้แต่งตัวเป็นในทหารชั้นประทวนที่คุมพลซุ่มไอหมัดบนหนังกรองจดจำในรายละเอียดจนขึ้นใจว่าหลุมไหนเป็นหลุมไหนห่างจากค่ายนั้นค่ายนี้เท่าใดมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ภายในวันเดียวก็รู้สิน้นจึงกลับมารายงาน วันรุ่งขึ้นบูยงสั่งกองหน้าที่เป็นพลเดินเท้าติดครวกให้แบ่งกองกำลังออกเป็นสองส่วนพร้อมทั้งยังสั่งให้เตรียมเกวียนร้อยเล่มบัรจุ ก, กิ่งไม้และหญ้าแห้งซ่อนเอาไว้กลางทับหลวงคืนนั้นก็สั่งพลเดินเท้าทั้งสองหน่วยนั้นให้โจมตีค่ายทางตะวันออกและตกของเจ้งโถพร้อมกันในตอนสายของวันรุ่งขึ้นและในระหว่างนั้นก็ให้ทักม้าภายใต้กระนาของหยางซื่อกับชื่อจิน กระจายพลเป็นแถวหน้ากระดานเรียงเดี่ยวกดดันค่ายทางด้านเหนือเอาไว้หากเห็นภายในค่ายย่ํากลองและโบกธงก็ให้ ท, ทําทีคล้ายๆกระเฮี้ยนกระือรือจะเข้ารบแต่ห้ามเดินหน้าอย่างเด็ดขาดฝ่ายชื่อเหวินกงนั้นคาดว่ากองทัพซ่งเจียงจะตีค่ายทางทิศใต้แล้วตกลุมพรางก็เพราะว่าทางเข้ามันแสนจะแคบออกอย่างนั้นและจะให้พวกมันไปไหนได้ดังนั้นชื่อเหวินกงจึงวางกองทัพที่จะออกตามตี ไปชุมนมพลไว้ที่ประตูด้านทิศใต้แต่ความจริงการกลับตะปัดปรากฏว่าพอสายวันรุ่งขึ้นก็ได้ยินเสียงสัญญาณปืนใหญ่ระเบิด ก, กลก้องคลเดินสารจากค่ายทิศตะวันออกเข้ามาแรงงานซะก่อนรานอนหวงจีนผู้หนึ่งถือไม้ทับและทำเหล็กกับพระธุดงใช้ดาบคู่กำลังหมุกตีค่ายทางตะวันออกของเราทั้งหน้าทั้งหลังขอรับโ อ, โ, โอ้ยอยมึงโดนทั้งหน้าทั้งหลัง มึงอย่าทำส บ, บู่รลนนะเฮ้ยโดนแน่ชื่อเหวินกองจึงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ย <Hey, S 1> พวกมันจะต้องเป็นหลวงจิตลูกกับมูวสงแห่งเหงรียญซานปาะเป็นแน่แล้วก็แบ่งทหารส่วนหนึ่งที่เตรียมเอาไว้ไปช่วยเจ้างถุยแล้วก็แบ่งทหารส่วนหนึ่งที่เตรียมเอาไว้ไปช่วยเจ้างกุยและแล้วพลดนสายอีกคนก็มาจากค่ายทางตะวันตกแล้วรายงานขึ้นว่าแขกอน ใช้ร่องใหญ่ไว้เขายาวผู้หนึ่งกับได้โจรอีกคนหนึ่งหน้าตาเหมือนเสือติดธงอ่านได้ความว่าจูถ่ถุงบรุษเข่าลามกับเลยเห็นเสือติดปีกําลังกดดันเราอย่างหนักครับชื่อเหมือนกองก็แบ่งทหารอีกส่วนที่เหลือไปช่วยเจ้างโซฉช็พันปืนใหญ่ก็กลับมานาดขึ้นอีกชื่อเหมือนกองหมดทหารจะให้แบ่งทําได้ ก็แต่รอข้าศึกเคลื่อนพลตกหลุมพรางเอาเองและรอให้ทหารของตนที่ซุ่มอยู่หลังเขารู้จากที่ซ่อนออกมาจับโจรแต่แทนที่จะสั่งเดินหน้ามาตกหลุมตามที่ซื่อเวินกงคาดการเอาไว้กูหยงกลับแบ่งทัพออกเป็นสองปีอ้อมเขาเข้าตีพลซุ่มของฝ่ายเจิ้งโถคนเดินเท้ารักษาค่ายไม่กล้าทิ้งคไข้ออกไปช่วยยังผลให้พระดาทหารที่ซุ่มเอาไว้ข้างนอกถูกฝ่ายโจรไล่ต้อนออกจากที่ซ่อนวิ่งหนีออกมาตกหลุมพรางไปเปน็นจํานวนมาก ชื่อหวนกงขยับจะโผล่ออกไปช่วยทันใดนั้นวูหยงก็โบกแสบไปข้างหน้าฉับพลันของก็รั่วกองแล้วกองเกวียนที่มีไฟลุกท่วมนับร้อยเล่มก็ถูกใสออกมาจากที่ซ่อนใจกลางทับเปลวไฟจากหญ้าแห้งกิ่งไม้กรมัถันกับดินประสิวลุกไหม้ขึ้นท่วมฟ้าครั้นชื่อหวนกงกับทหารจะพุ่งออกมารับมือถนนหุนทางก็ถูกขวางเอาไว้ด้วยเกวียนไฟซะก่อนที่ทําได้แต่เพียงทางเดียวก็คือถอยหนีกันให้จ้าระวัน ตู้ซื้อกองสุนเชงกวัดแหวนกระบี่กิงสนกลายเป็นพายุกล้าโหมกระหน่ำเข้าใส่เกวียนไฟกระพือเป้วไฟบาลัยกันเข้าใส่ประตูค่ายด้านทิ่ใต้หมู่ตึกหลายหลังแหละส่วนหนึ่งของค่ายก็ถูกเผาจนวอดวายไปสิ้นชัยชนะตกมาอยู่กับฝ่ายโจรแร้เดียวโอดเรียกระดมพลพวกโจรกลับมาพักกันที่ค่ายคืนนั้นชื่อเหวนกง มุ่อยู่กับการซ่อมแซมประตูและรั้วเนียยทัพทั้งสองฝ่ายตั้งคุ้มเชิงกันอยู่อย่างนั้นวันรุ่งขึ้นเจิงตู้ในค่ายทางทิศใต้ก็เอ่ยขึ้นกับชื่อเหวนกงว่าหากเราไม่ฆ่าตัวนายของมันลงส้นงไอ้พวกโจรก็คงยากที่จะกำราบลงแล้วบอกกับอาจารย์ให้คอยดูแลค่ายส่วนตัวผู้เกราะขึ้นมาควบนําทัพออกไปไ<อ>เรียกร้องให้ศัตรูออกมาสู้กัน พอส่งเจียงทราบว่าเป็นใครก็ขี่ม้าออกไปที่แนวหน้า <Hey. S 1> ลูกฟางกับโปเชิงตามออกมาเป็นองครัก์เพอเห็นเจ้างตู้ยืนม้าอยู่ใต้ร่มธงส่งเจียงก็ให้นึกชังน้ำหน้าขึ้นมาอยากท่วมท้นเอาแส้ชี้ไปที่บุตรชายคนโตแห่งตระกูลเจิงแล้วพูดขึ้นว่าเฮ้ย hey. ใครจะออกหน้าแทนข้อไปเอาตัวไอ้เด็กผู้นั้นมาล้างหนี้ที่ต้องรอคอยลูกฟางเจ้าบ <Hey. S 1> ้าน้อยกระตุ้นมา้า มัดขอบเสี้ยวจันของตนเป็นแนวราบทลันเข้าใส่เจิงตูทั้งสองเข้าพันตูกันใต้รัศมีอาวุธรบกันไปได้กว่า30เพลงกูเชงยืนดูอยู่ใต้ร่มธ ง, งฝั่งตนก็มองออกว่าลูกฟางเริ่มอ่อนกำลัง30เพลงแรกรบได้ดีแต่พอยกหลังๆเริ่มเชื่อมช้าเรี่ยวแรงถดถอยตกเป็นฝ่ายตั้งรับ ด้วยกลัวว่าลูกฟางจะแพ้โคเชงก็รีบขึ้นมา้าพวงห อ, อกเซี่ยวจันของตนพว้าหมาลงไปในสนามรบเข้าช่วยลูกฟางรบกับเจิ้งตู้อีกแรงหนึ่งทหารหมาทั้งสานายก็รบพุ่งติดพันกันเป็นสิงขรที่ปลายห อ, อกเซี่ยวจันรแต่ละด้านติดพุ่งให้เป็นหางเสือดาวแต้มทองขณะที่ในโจนทั้งสองสืบก็ประชิดทิ่มปลายห อ, อกเข้าใส่คัสสึกพร้อมๆกันนั้นหางเสือก็สัดพันกันเป็นปมเจิ้งตู้ตาไว พอเห็นดังนั้นก็เสือกหอกของตนเข้ารับหอกเสีงยวกันของศัตรูทั้งสองเล่มผู้ดแดงติดตายหอกของตัวก็เกิดเกี่ยวกระวัดพันเข้ากับปมหางเสือของข้าศึกอีกติดกันเป็นสามเส้าทั้งกระชากทั้งดึงยังไงยังไงก็หาหลุดไม่หัวโลงยืนมาดูอยู่ในแถวหน้าของฝ่ายตนด้วยกลัวว่า เพื่อนทั้งสองจะเป็นอันตราย<อ>จึงชักห<อ>มาออกไปทันหน้ามือซ้ายลวงลวงไปจับคันธนูมือขวารีบดึงลูกเกาทันเรียวยาวขึ้นมาเทียบสายแล้วดีดลูกดอกเข้าใส่เจิงตู้<อ>แต่ทันใดนั้นหอกของเจิงตู้ก็หลุดออกจากหอกเสื้อจันท์ที่ยังคงพันกันทั้งสองเล่มรวดเร็วเกินจะทันบรรยายเจิงตู้เสือกหอกของตนเข้าใส่ลําคอลูกปลา<อ>แต่ที่เร็วยิ่งกว่านั้นก็คือลูกเกาทันของหัวหลงที่พลันก็แล่นเข้าถึงตัวปักเข้าที่แขนซ้ายของเจิงตู้ ชงบุตรคนโตของตระกูลเจิ้งทัดตกลงจากหลังม้าหอกติดเขี้ยวของฝ่ายในโจนทั้งสองก็พรากชีวิตพี่ใหญ่ตระกูลเจิ้งไปอย่างรวดเร็วม้าสักดิสิทธ์กว่าม้ากบกลับมารายงานชื่อหวนกงซึ่งก็รีบรายงานต่อเข้าไปยังข้าใหญ่ผู้อาวุโสเจิ้งร่ำให้ปิ yeah. ่มว่าใจจะขาดขุนศึกอีกผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆให้บรรดาโทสับ ก็เป็นเจิงเชงบุตรชายคนเล็กผู้นั้นนั่นเองด้วยเป็นนักสู้ผู้เยี่ยมยุดในเชิงอาวุธยามไร้รำกระบีค่คู่ไม่มีใครหน้าไหนหานเข้าใกล้ลัษมีมัจจุราชเจิงเชงก็ขบเคี้ยวเขียวฟันด้วยความแข็งแล้วตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยเด็กๆเกตรียมมาอูจะออกไปล้างแค้ในใหพี่ใหญ่เฮ้ยพวกเป็นบิดาห้ามยังไงยังไงก็หาฝั่งไม่เจิงเชงผู้เกราะหยิบกระบี่ขึ้นมาควบออกไปที่ค่ายด่านหน้าด้านใต้ ชื่อวนกงที่ค่ายแห่งนั้นเตือนขึ้นว่า่านอนย่ได้ดูเบาศัตรูไปนั้นขาดเนอะต้องเจียงเป็นขุนพลผู้กล้าแข็งและสันทั์มากมายนะตามความคิดเห็นของข้าข้าว่าเราอยู่รักษาค่ายเอาไว้ก็พอแล้วแล้วค่อยส่งผลถือสารไปหลิงจอขอให้พวกเขาเร่งถวายดีกาขอกองทัพมาช่วยแบ่งเครื่องหนึ่งไปตีบึงเหลียมสารอีกเครื่องหนึ่งนั้นก็มาช่วยคุ้มครองเรา พวกมันก็จะคิดแต่หวนกลับคืนที่มันไม่มีกำลังขวัญจะสู้รอกพอเมื่อ น, นั้นถึงข้าไม่อาจเรียกได้ว่าสันทั์ก็จะขอร่วมมือกับท่านและพี่ชายคนอื่นออกไล้ล่าไอ้พวกโจรป่าเสียบันไลชื่อเสียงจะได้เกิดไกลไปทั่วแผ่นดินก่อนที่จะทันพูดจบประโยคสูติงครูผู้ช่วยที่ตามมาจากป้อมค่ายทางทิศเหนือพอได้ฟังก็เห็นด้วย จึงพูดขึ้นว่าไอ้คนโสโครกหูหยงเล่เหลี่ยมแสนจะแผลว่าจะไปดูแผลมันไม่ได้เป็นอันขาดจู๋คอยป้องกันตนเองจะดีที่สุดหากองทัพช่วยเหลือยกมาทันเราเค่หวางแผนกันใหม่ก็ยังได้นะขอรับจ้งเชงตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยมันข้าพี่ข้าท่านต้องได้รับการล้างแคน้นเราจะไปรอทาไมรอไปให้พวกมันฟื้นกลาลังขึ้นมาหนะ่หรือพอถึงตอนนั้น มันก็ใหญ่ยากนักแล้วทั้งชื่อเหวนโกงทั้งสูติงไม่มีผู้ใดจะทัดทานเจิ้งเชิงได้เจิ้งเชิงขึ้นมา้าควบไปกับทหารม้าไม่กี่สิบแล้วพาให้ศัตรูออกมารบกันทรงเจียงได้รับรายงานจึงบัญชาให้กองหน้ารับมือเมื่อได้รับคําสั่งฉินหมิงก็ออกรบกวัดแกว่งกระบองฟันหมาจะเข้าต่อตีกับเจิ้งเชิง แต่ทันใดนั้นไม่มีผูใ้ใดคาดคิดลีดขุยกำขวานสองมือไม่พูดพร่ำทำเพลงวิ่งลงไปแย่งที่กลางสนามรบข <Yeah! S 1> ้าศึกผู้หนึ่งจำได้ก็ร้องบอกไปว่าเฮ้ยไอ้นั่นมันไอสลาตันดำรีดขุยนี่หว่าเจ้าชิงสั่งพธนูให้ศาสตร์เก่าทันเข้าใส่ตามปกติรีดขุยจะเปลื้มเสื้อท่อนบนออกสึกอาศัยโล่เสียงจงกับรีดกุญเป็นที่กำบงังแต่ตอนนี้ความที่วิ่งทะลอ้อทะล่าออกไปเพียงลำพังแต่คนเดียว เกาทันดอกหนิงก็ปักเข้าที่โคนขารีบฝี่ลงคว่มดังเขาไทาสารสุดผลหมาที่อยู่หลังเจิ้งเชิงก็พากันถลันมาข้างหน้าจะจับเป็นฉิ้นหนิงกับหัวหงก็ควบม้าจับมุมของตัวที่อยู่ฟากตรงกันข้ามรุดเข้าขวาง <What? S 1> ตามด้วยมาหลินเต็ง เ, เฟยลูกฟางและโกเชิงเมื่อคนฝ่ายส่งเจี้งมีจํานวนมากกว่าเจิ้งเชิงก็ไม่กล้าต่อรบรีบพาทหารห น, นีกลับค่ายฝ่ายส่งเจี้งก็รีบเรียกคนของตนกลับ วันรุ่งขึ้นชื่อเหวนกงกับสูติ่งพากันค้านไม่ให้เจ้างเฉ่งออกรบแต่นักรบหนุ่มไม่ฟังเสียงยืนกรานแต่ว่าเฮ้ยพี่ใหญ่ต้องได้รับการแก้แค้นไม่มีทางเลี่ยงจำใจผูกกรองขึ้นมาอาชาที่มีชื่อว่าสิงโตโยกขาวพราวราตรีที่ตนใช้กำลังแย่งเอามาจากต่วนจิ้งจู้ส่งเจียงก็พาไพร่พลออกรับมือชื่อควบม้าเขาหายังดุดัน ชินหมิงกระหายจะสร้างชื่อเสียงก็วิ่งมาสวนเข้าใส่สองมารุกเข้าประชิดสองอาวุธต่อติดเข้าประทัก ห, หลังจากครบได้ยี่สิบเพลงชินหมิงก็เกิดอาการแกว่งรีบเ hey, ทหัวม้ากลับชื่อไล่ตามเสือกหอกเข้าใส่โอ้ยไอสันธานโดนจนได้กู เจ้าสุนิบาตโดนแทงเข้าที่โคนขาก็ตกจากหลังมา้าลูฟฟางโกเชงมาลินและเต็งเฟยถลันเข้าป้องกันเอาไว้ถึงจะช่วยได้ทันข้าศึกก็รุกไล่จนทับโจรต้องแตกถอยร่นไปถึงสิบลี้กว่าที่จะลงค่ายได้ใหม่ซ่งเจี้ยนสั่งให้ต่อเกียนพาเจ้าสุนิบาตไปพักฟื้นบนเขาแล้วนั่งลงหาเรือกระ บ, บูหยงทั้งสองส่งคนขึ้นเขาไปตามตัวกวนเชงขุนพลเงาใหญ่สูหนิง ครูพลหอกเหล็กซานถิงกุยกับเบยติงโก้ลงจากค่ายมาช่วยส่งเจีย้ยนเผาทูบเส้นไหว้แล้วก็เสี่งเซียมสีวูหยงพิจารณาดูติลที่ได้มาแล้วพยากรณ์ว่าในเมื่อค่ายที่เราอยู่ตอนนี้ค่ายเป็นทางผ่านเข้าออกคืนนี้ทหารฆ่าศึกคงจะเข้ามาตีค่ายของเราเป็นแม่นมันซ้มเจี้ยนจึงว่าถ้าเช่นนั้นแหละนะเราควรจะเตรียมให้พร้อม ปูหยงจึงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยท่านอย่าได้ลำบากใจไปเลยเพียงแต่สั่งการให้หัวหน้าสาม่ายที่เหลือของเรารวมกันแล้วก็แบ่งออกเป็นสองทัพทางตะวันออกหนึ่งและทางตะวันตกอีกหนึ่งให้เสียเจิ้นอยู่ทางซ้ายให้เสียเป้าอยู่ด้านขวาส่วนที่เหลือก็ให้เอาไพร่พลแอบซุ่มไว้โดยรอบ ทุกอย่างเตรียมเสร็จคืนนั้นท้องฟ้าโปรง่งดวงจันทร์แจ่มกระจ่างไรเมฆลมสงัดที่ค่ายชื่อวนกลงก็เอ่ยขึ้นกับเจ้างเชงว่าวันนี้ข้าสึกเสียขุนพลไปสองคนพวกมันจําต้องเสียขวัญหมดกําลังใจนี่นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะต้อนค่ายพวกมันว่าไม่เล่าเจ้างเชงรีบเรียกสูติ่งจากค่ายทิ่เหนือเจ้างี้จากทิศใต้และเจ้างโศกจากทิ่ตะวันตก ให้รีบพาทหารมาร่วมบุก ค, ค่ายฝ่ายโจรเราราักยามสองพวกเข า, าก็จัดหน่วยเข้าตีสั่งให้ปลดกระพวนม้าและเกรกาะโลหะของไพรพลที่จะกระทบกันแล้วพากันคลืบคลานเข้าไปหาค่ายใหญ่ของฝ่ายทรงเจียงแต่พอไปถึงกลับไม่เห็นมีแววผู้ใดตัวค่ายนั้นเล่าก็กลับว่างเปล่าเมื่อ <resembles> รู้ว่าพวกตนต้องกลนซะแล้วจึงรีบถอนตัวกันให้จ้าละวัน แต่แล้วงูสองหัวเสียเจิ้นก็โผล่ออกมาจากทางซ้ายแมงป่องสองหางเสียเป้าก็โผล่ออกมาจากทางขวาหัวหลงเล่กวงน้อยก็โผล่ออกมาจากด้านหลังดีบเข้าหากันเจิฮ่งโซถูกชัวกเสียเจิ้นแทงตายอยู่กับพื้นภายใต้ความมืด ตอนนั้นชื่อหวนกองอยู่ข้างหลังในป้อมค่ายทางใต้พไพร่พนฝ่ายโจนพากันจุดคข้เพลิงกู่ร้องบุกเข้าตีค่ายระเนียรแห่งนั้นทั้งทางทิศตะวันออกและที่ตะวันตกการฆ่ากันอย่างป่าเถื่อนดำเนินไปกว่าครึ่งคืนชื่อหวนกองคลานหนีเอาตัวรอดไปตามทางเมื่อได้ฟังว่าเจิ้งโซรบุตรชายคนที่สามของตัวถูกฆ่าตาย ผู้อวุโสเจิ้งก็ให้ชอกช้ำเป็นซ้ำสองวันรุ่งขึ้นจึงขอให้ชื่อเหมือนกงมีหนังสือขออ่อนน้อมครูทวนที่ตกใจกลัวยอยู่แล้วก็ทำตามส่งทูตไปยังค่ายของฝ่ายซ่งเจีย้ยนแม่ทัพใหญ่ฝ่ายโจนก็คลี่หนังสือออกอ่านความว่าพ่อน้อยเจิ้งนองวิ้งภาษาจีนอะไรนะหม่ภาษาพมา่า ส่งทูตไปยังค่ายของฝ่ายส่งเจียงแม่ทัพใหญ่ฝ่ายโจนก็คลี่หนังสือออกอ่านความว่าข้าน้อยเจิ้งนงเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งหมู่บ้านเจิ้งโถขอโวกศรีษรษะคารวะมายังท่านแม่ทัพส่งเจียงด้วยความเคารพด้วยยังอยู่ในวัยคึกขนองบรรดาบุตรชายของข้าน้อยพากลบดูดูมนเกียรติคุ้มของท่าน ตอนที่เจ้าสวรรค์เจ้าไก่นำกองทัพมาเรียกให้สวรรคมิพักเสียด้วยเหตุด้วยผลข้าของเราผู้หนึ่งบังอาจรอบยิงท่านด้วยเกาทันหมาพวกเราก็ยังใช้กําลังแย่งชิงม้าของพวกท่านมาโดยผิดทํานองคลองทำข้าน้อยหมดปัญญาที่จะขอขอมาได้ครบับแต่การทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นไปนี้ล้วนแล้วแต่ขัดต่อความปรารถนาของข้าน้อยทั้งสิ้นบัดนี้พวกลูกห ม, มาเหล่านั้นก็ได้ตายไปแล้ว ข้าน้อยจึงส่งทูตผู้นี้มาขอสงอบศึกหากท่านจะสั่งทัพของท่านให้หยุดรบแล้วถอนกลับข้าน้อยจะคืนมาทั้งหมดให้แล้วแถมสินใหม่เป็นทองคาและแพล่พันให้แก่ไพ่ลนของท่านอย่างจุใจข้าน้อยกราบเรียนมาเพื่อหวังจะหลีกเลี่ยงการนองเลือดด้วยน้ำใสใจบริสุทธิ์ข้าน้อยขอวิงวอนท่านได้โปรดพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วยเถิด พ่ออ่านจบส่งเจียนก็แหมโหวจนตัวสั่นเฮ้ hey, มันฆ้าผีใหญ่เจ้าไก่ของกูส่งเจียนแทมเสียงด้วยแรงแค้นจะให้กูปล่อยปลาละทิ้งเช่นนี้ได้ฉช่ไหนกู oh, จะต้องทำลายหมู่บ้านของมันให้ราบไปหน้ากร้องเฮ้ hey. ทษที่ถือหนังสือมาหมอกกราบอยู่กับพื้นด้วยตัวสั่นเทาวูหยงรีบแทรเข้ามาโดยไวแล้วพูดขึ้นว่าเฮ้ hey, ท่านผิดไปแล้วขอรับ ที่เราต้องมาับกับพวกเขาก็เพราะถูกรังแกก่อนแต่ตอนนี้พวกนั้นมาขอสงบศึกจะให้เราทิ้งหลักการโหลไปหาความโมโหโกรธาอย่างไรได้แล้วก็มีหนังสือตอบมอบเงินให้ททษผู้นั้นก่อนกลับหมู่บ้านเป็นเงินหนักสิบตำลึงผู้เอาโซเจอร์กับชื่อเหมือนกง ก็เปิดหนังสือตอบออกอ่านความว่าทซ่งเจียงแม่ทัพใหญ่ไปเขาเหลืองซานมีหนังสือตอบไปยังท่านเจ้าหนองเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งเจ้าโถตั้งแต่อดีตการผ่านมาประเทศที่ระบาดสัตว์ล้วนต้องวิบัติชิบหายคนไร้ซึ่งศีลธรรมอันดีงามจะต้องถึงซึ่งความย่อยยับอับปราชความมั่งมีสีสุขที่ได้มาโดยไม่ชอบจะต้องถูกยึดแม่ทัพ ที่ไม่ประพืตกล้าย่อมต้องปราชไช่เป็นธรรมดาที่แล้วมาหาได้มีความเป็นอริกันระหว่างเบึงเหรียญซานกับหมู่บ้านเจิง้งโถมให้เขาสต่างฝ่ายต่างก็คงมั่นอยู่แต่ในเขตแดนของตนแต่เพราะการกระทําอันทั่วร้ายของพวกท่านดอกที่กระตุ้นให้พวกเราเกิดความขับแค้นหากคิดจะสงบศึกท่านต้องขืนมาทั้งหมดที่แย่งชิงไปถึงสองครั้งส่งมอบตัวจรยู่เป่าซื้อและสินไหมเป็นเงินเป็นทอง แลร่พันแก่ไพ่ผลของเราเป็นสิ่งตอบแทนจงให้สินหมายเป็นเครื่องวัดความจริงใจของท่านหากท่านขืนกลับคําพวกเราต้องใช้มาตรการอื่นทั้งเจ้างนองกับชื่อเหวินกงตกใจให้หดหูนักวันรุ่งขึ้นเจ้างนองก็จัดส่งทูตอีกผู้หนึ่งนำำําคําตอบไปให้ความว่าหากอยากได้ตัวยู่เป่าซื่อค็ใหส่งคนมาเป็นประกัน ส่งเจี้ยงกับบุวหยงก็ส่งชื่อเฉียนลี่ขุยฟานหรุย่ยเสียงจงกับรี่กุนไปเป็นตัวประกันแสดงความจริงใจที่จะสืบต่อการเจราจาก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางไปก็ได้รับคำสั่งในยามเกิดเหตุฉุกเฉินว่าจะต้องทำอะไรอะไรบ้างวนเชงสู้หนิงซานถิงกุยและหวยติงโกก็ลงจากเขาเหลียงซานมาถึงหลังจากมาพร้อมหน้ากันแล้วคนทั้งหมดก็เข้าประจาการในทัพหลวง ขนาดเดียวกันชื่อเฉียนกับตัวประกันทั้งสี่ก็เข้าพบผู้อุโสเจิ้งไอ้หมัดบนหนังกรองกล่าวว่าพี่ใหญ่ใช้พวกเรามาเจราจาสงบสึกขอรับชื่อเหมือนกงเอ่ยขึ้นว่าถ้าโฮหยงส่งทูตมาเจราจาทีเดียวห้าคนมันต้องมีเร่กระเทอะไรบางอย่างซุกซ่อนเอาไว้เป็นแม่นมันรี่ขุยได้ฟังก็เดือดจัดเข้าไปขวาตัวชื่อเตรียมจะลงไม้ลงมือเจิ้งนองรีบขวางเอาไว้ ชื่อเฉียนก็เอ่ยขึ้นว่าลี่ขุยอาจจะกระด้างไปบ้างแต่เท่าว่าพี่ใหญ่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาไปที่สุดท่านเฟ้นของท่านมาเองหวานอย่าได้เกรงเกรงอะไรไปเลยผู้เอาโส่เจิงนั้นกระสันแต่จระงับศึกไม่ฟังข้อปรารมของชื่อเหมินกงรีบเอาสุรามาบริการคนทั้งห้าแล้วส่งตัวไปกักเอาไว้ในค่ายวัดฟ้าหัวให้ทหารยามห้าร้อยคอยคุมตัวทั้งหน้าทั้งหลัง แต่งตั้งเจิงเชงเป็นผู้จรจาให้นําตัวยู่เป่าชื่อไปที่ค่ายซ่งเจียงหลังจากไปอ่อนน้อมที่ทับหลวงของฝ่านโจรเจิงเชงก็คืนม้าทั้งหมดที่แย่งไปบวกเงินทองผ้าผ่อนแพรพันอีกเป็นจำนวนมากซ่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าม้าเหล่านี้นะเป็นมา้าบรรดาที่ถูกปล้นไปเมื่อผลสุดท้ายแล้วเจ้าสิงตโตยกขาวพลาราตรี ตัวที่ถูกฉกไปจากตัวนิ้งจู้เมื่อขนก่อนล่ะอยู่ไหนกันฮึ่เจ้าเชงตอบว่าเออชื่อเวินกงครูวิทยายุทธของข้าเป็นคนขี่ไม่ได้นำมันมาด้วยขอรับเออถ้าอย่างนั้นนะนัท่านรีบมีหนังสือแจ้งไปว่าข้าต้องการม้าตัวนั้นด่วนเจ้งเชงรีบเขียนหนังสือ แล้วส่งผลสารไปที่หมู่บ้านของตนทันทีพอชื่อเหวินกงรับสารก็กล่าวขึ้นว่าผู้ใดยอยากใครจะได้มาตัวไหนก็เชิญแต่ต้องไม่ใช่ตัวนี้คนเดินสารต้องวิ่งรอกไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าทรงเที่ยงยืนกลานไปตามนั้นจนในที่สุดชื่อเหวินกงก็ตอบกลับมาว่ า, าต้องการหมาข้าจริงๆก็ให้ถอนทับกลับไปก่อนจึงจะคืนให้ ตอนที่ได้รับสารส้มเจียงกำลังหาเรืออยู่กับบูยงขณะเดียวกันคนผู้หนึ่งก็เข้ามารายงานว่าแข่งอ๋อกองทัพจากชิงโจกับหลิงโจกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ขอรับส้มเจียงจึงว่าหากไอ้ตัวแสบในเจิ้งโถรู้เรื่องพวกนี้เข้าพวกมันจะต้องตระบัดสัตว์เป็นแน่ส้มเจียงกล่าวด้วยความมั่นใจว่าแล้วก็สั่งเป็นการรับให้กวนเชงซานและเวย่ย ยกทัพออกไปรับศึกข้างฝ่ายชิงโจให้หัวหลงมาลินกับเต็งเฟยยกออกไปรับฝ่ายทัพหลิงโจเสร็จแล้วก็เรียกยู่เป่าซื่อเข้ามาหารับปากว่าจะปฏิบัติต่อด้วยความกรุณาเป็นพิเศษซ่งเจี้ยงจึงว่าพท่านยินดีจะทําความดีความชอบให้กับชุมชนของเราข้าจะตั้งให้ท่านเป็นหัวหน้าคนหนึ่งในค่ายการชํำระความที่ท่านแย่งมาไปจากเราถือเป็นอันจบไป ข้าจะหักลูกเกาทานให้ไว้เป็นคำมั่นหากท่านไม่ร่วมมือก็จงตัดสินใจเองเองเถิดเจ้าโถต้องถูกทำลายไปในไม่ช้านี้อยู่แล้วจูตัดสินใจรับคำยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีบูยงก็บอกแผนการให้จงแซงทำทีเป็นหนีกลับค่ายแล้วบอกกับชื่อเหมือนกงว่าข้าไปเจราจาสงบศึกที่ค่ายเร่งเจียงกับเจ้าเฉ่งเท่าที่ได้ฟังมาข้าทราบเรื่องหมดแล้ว ควาประสงค์แต่เพียงประการเดียวของส่งเจี้ยงก็คือมันอยากได้มา้าฝีเท้าจัดตัวนั้นมันไม่สนใจใดีอะไรกับการสงบศึกเลยแม้แต่น้อยทันทีที่คืนมามันก็จะรีบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมันรู้มาว่าทักษะชิงโจและหลิงโจกําลังยกมาช่วยพวกเรามันวิตกเรื่องนี้มากเราควรคว้าโอกาสนี้เอาไว้ให้มันรีบทํากับมันให้หนักอากชื่อหวนกงเชื่อนะนะ ฝ่ายเราก็พร้อมทุกเมื่อเพื่อการนั้นจู่เป่าซื่อไปรายงานชื่อเหวนกงตามที่ได้รับมอบหมายชื่อเหวินกงพาก็ไปหาเจ้างนองแล้วบอกว่าส่งเจียงไม่จริงใจในการสงบศึกและเวลานี้เหมาะที่จะตีค่ายโจรให้ย่อยยับแต่เจ้าเฉียงยังอยู่กับพวกมันเจ้างนองค้านไปเยี่ยงวิดาห่วงบุตรหากเราบุกเขาก็จะถูกฆ่า ชื่อวนกงจึงแนะนําว่าแต่ไม่ว่าอย่างไงคืนนี้เราก็จะเจาะเข้าไปในค่ายช่วยเขาออกมาได้อยู่แล้วดังนั้นในตอนนี้เร่งสั่งการไปยังค่ายทั้งหลายให้ระดมพลของตนให้เต็มกําลังยุบมาร่วมกับพวกเราเข้าตีค่ายทรงเจียงทันทีที่ทุกหัวตัวงูจะไปไหนไม่รอดพอกลับมาก็ยังมีเวลาฆ่าไอ้ลีขุิดกับไอ้พวกทั้งสี่อีกถังไปไม่ท่านครู คิดแผนกนได้ยอนเยี่ยมเนาะแหละแล้วสูติ่งที่ค่ายเหนือเจิงกุยที่ค่ายตะวันออกและเจิงมีที่ค่ายใตย้ก็ได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมตียูปเป่าซื่อ ที่ได้ลักลอบเข้าไปในค่ายของตัวที่วัดฟ้าหัวไปหาลี่ขุยกับพรรคพวกแล้วรอบบอกความเป็นไปให้ชื่อเฉียนรู้ขณะเดียวกันส่งเจียงก็เอ่ยกะบูหยงขึ้นว่าเฮ้ยท่านอาจารย์ข้าให้ชะโงนว่าแผนการที่วางไว้จะได้ผลหรือไม่ที่ปรึกษาทัพจึงเอ่ยขึ้นว่าเออหากยู่เป่าซื่อยังไม่กลับก็แสดงว่าพวกมันนับเยือเรียบร้อยแล้วคืนนี้พวกมันต้องมาปล้นค่ายเราเป็นแห่ ก่อนอื่นเราต้องถอนกำลังออกแล้วซุ่มเอาไว้ทั้งสองฝั่งเวลาเดียวกันก็สั่งให้หลวงจีนโลกกับวูยหยงพาพลเดินเท้าไปตีค่ายตะวันออกให้พลรากภายใต้จูถงกับเหลยเหงตีค่ายตะวันตกให้หยางซื่อกับชื่อจินพาทหารม้าไปตีค่ายเหนือวิธีนี้เรียกกันว่าม้าล่าเหนือนอนรองรับเหยื่อที่ปากรังคนวิธีนี้ใช้ได้ผลเสมอไม่เคยพลาด คืนนั้นชื่อเหวินกองก็พาสูติงเจิ้งมีเจิ้งกุย้ยกับมูอทหารออกมานอกค่ายแสงจันทร์หม่นมัวประกายดาวก็เลือนรางชื่อเหวินกองกับสูติงเป็นฝ่ายนำหน้าเจิ้งมีกับเจิ้งกุ้ยคุ้มกันหลังกระพวนม้าถูกเก็บเกราะเหล็กของไพ่พลที่จะกระทบกันก็ถูกปลดทั้งหมดคืบคลานตรงไปยังค่ายทรงเจียงพ่อไปถึงก็เห็นประตูใหญ่เปิดอ้า แต่หาใครที่ไหนไม่มีเลยสักคนทุกอย่างสงบนิ่งพวกเข้าพลุนรู้ดีว่าตนโดนหลอกจึงรีบพ่าออกมาระหว่างทางกลับค่ายก็ได้ยินเสียงคล้องกลองรัวลั่นปืนใหญ่ก็สลุดสนั่นมาจากทางเจ้้งโถชื่อเขียนที่บัดนี้ปีนขึ้นไปบนหอระคังวัดฟ้าหัวก็ตีระคังดังเง่งงางเป็นที่อุกทึกให้สัญญาณปืนใหญ่ระดมยิงเข้าใส่ประตูทางเข้าหมู่บ้านเจ้งโถทั้งตะวันออกและตะวันตก บรรดาไครพลป่ายจนจำนวนนับกันไม่ถ้วนก็ลังไายผ่านประตูที่ถูกยิงทำลายเข็นข้าแวกทางก็ไปภายในตัวหมู่บ้านลีบกุ๋ยฟานหรุยเสียงจงกับรีกุลก็ตีลัดออกมาจากในวัดชื่ออนกงนั้นให้ร้อนรนกระวนกระวายใจใครจะกลับไปให้ถึงค่ายไวๆแต่ก็หาทางไม่เจอส่วนตัวค่ายตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายไปสิ้น ผู้อาวุโสเจิง้งเมื่อได้รับรายงานว่าคนของเดียนซานเป่าบุกเข้ามาในค่ายเป็นสองทางไล่ฆ่าฟันผู้คนอย่างอมหิตก็ชิงผู้คอตายไปได้วยความสิ้นหวังเจิ้งมีรีบหนีไปยังค่ายตะวันตกก็ถูกจูโถงแทงด้วยง้าวสิยชีวิต เจ้กุูยี้มไปทางตะวันออกก็กลายเป็นวุ้นอยู่ใต้กีดม้าที่พากันแตกตื่นสูติ่งถูกลุงจินลูกกับบวส่งไล่ล่าหนีตายออกไปทางประตูทิศเหนือที่เต็มไปด้วยหลุมพรางจำนวนนับไม่ถ้ว น, วนพอเจอหยางซื่อกับชื่อจินเข้าก็ถูกลูกธนูจากทั้งสองจนเสียชีวิตบันดาทั้งม้าทั้งคนที่วิ่งตามไป พัดตกลงไปในหลุมพรางล้มตายอยู่ที่ก้นบ่อเป็นจำนวนมากสิงตัวยก ข, ขาวของชื่อวนกงผีเท้าจัดนะักควผ่านประตูทิศใต้จะหลุดเข้าไปในป่าทันใดนั้นหมอกสีดาก็แร่คลุมผืนฟ้าชื่อวนกงมองไม่เห็นไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ก็ควบหนีต่อไปได้อีกยี่ลี้ชับทันเสียงขล้องก็ดังขึ้นที่ชายป่า ทหารราวสี่ร้อยห้าอยคนโผล่ขึ้นมาแม่ทัพที่ยืนอยู่ข้างหน้าถือไม้พลองยาวก็หดเข้าใส่ขาม้าที่ชื่อหวนกงขี่แต่ทว่าสิงโตยกเป็นยอดอาชาเหนือม้าใดๆพอเห็นไม้พลองหวดเข้าใส่ก็กระโจนข้าหมหัวคนตีวิ่งหนีต่อไปอีกชื่อขวนกงยังคงควบม้าอยู่เช่นนั้นไปตลอดทั้งคืน ก้อนเมฆสีดำสนิทก็ก่อตัวท่งกระดไอเย็นร้อยขึ้นไปบนท้องฟ้าสายหมอกสีดำโรยตัวลงมาปกพุมผืนพระสุธาอย่างรวดเร็วสายลมกันทุกอย่างหนักหน่วงในความมืด บ, บนอุทการนั้นไม่ไว่าชื่อเหมืนกงจะชักม้าหนีไปทางไหนอีศาตว์แจวไก่เป็นต้องล่องร้อยมาขวางหน้าเอาไว้สิ้นในที่สุดชื่อเหมือนกงก็จำใจหนีขึ้นถนนใหญ่พอควบม้าไปได้สักหน่อย ก็วกมาเจอเข้ากับเหย็นฉิงเจ้าอาชิริยะกับเจ้าส่วนลู่จุนยี่เจ้าส่วนลู่ตะโกนกล้องไปว่าเฮ้ยมึงคิดจะหนีไปไหนหรือไอ้ขี้ขโมยเศษ ส, สวะฮะลู่จุนยี่ใช้ปลายเงาทิ่มเข้าใส่ขาชื่อเหวินกงจึงเอาตัวลงมาจากหลังมา้จาจับมัดพาเดินตรงไปยังหมู่บ้านเจ้างโถเหย็นฉิงก็จุงม้าที่ด่งดังตัวนั้นไปที่ค่ายใหญ่ ทรงเจียงทั้งดีใจทั้งเดือดดานดีใจที่เจ้าสวนลูกจะได้มีความดีความชอบแต่ก็โกรธที่เห็นหน้าชื่อหวนกงคนฆ่าเจ้าสวนย้ายเจดีเจ้าไก่ดังนั้นในอันดับแรกคือเอาเจิ้งเชงไปตัดหัวและให้ประหารคนในครอบครัวตระกุลเจื้องให้หมดทุกคนไม่ว่าเด็กแก่ไม่มียกเว้นแล้วขนเงินทองข้าวของมีค่าและทันยานทั้งหมดในหมู่บ้านขึ้นเกวียนนำไปแบ่งสรรกันในหมู่หน้าและสมุนโจรทุกคนที่ค่าย ในระหว่างนั้นนั่นเองขวนเชงก็ขับไล่กองทัพจากหลิงโจจนถอยหนีฝ่ายหัวหรงก็ตีกองทัพจากหลิงโจแตกพ่ายกลับไปเช่นกันพอเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็เดินทัพกลับมายังหมู่บ้านไม่มีหัวหน้าคนไหนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เสียสลับไปแม้แต่คนเดียวทรงเจียงได้สิงโตหยกขาวพราวราตรีกลับคืนมาทั้งนี้ยังไม่นับสินเชลยที่ยึดได้อีกมากมายมหาศาล ชื่อเวินกงถูกนำขึ้นไปขังไว้บนเกวียนทับโจนก็มาชุมนุมกันแล้วยกกลับเลี้ยงสารเปาะเมืองตำบลหมู่บ้านตามรายทางไม่ถูกแส้ต้องพอไปถึงหอธรรมพักดีทั้งหมดก็ไปรวมตัวกันที่ป้ายวิญญาณเจ้าไก่ทรงเจียงสั่งเสียวร้าง ในฐานะที่เป็นนักอักษรประดิษฐ์มือทองให้เป็นผู้เขียนคำไว้อะไรบรรดาหัวหน้าในค่ายทั้งหลายก็แต่งชุดไว้ทุกพากันคร่ำครวนหวนให้ชื่อเหวนกงถูกแบะเอาหัวใจออกมาเส้นไหวดวงวิญญาณผู้วายชนพิธีกรรมก็เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์หลังเสร็จพิธีส่งเจียงก็ยกเรื่องผู้สืบทอดเจ้าไก่ขึ้นมาหารือกับบรรดาหัวหน้าอีกบูหยงจึงพูดขึ้นว่า ท่านหัวหน้าท่านควรเป็นในายใหญ่คนที่หนึ่งให้ท่านเจ้าสวัวลูกจุนยี่เป็นในายใหญ่คนรองส่วนบรรดาหัวหน้าค น, นอื่นๆที่เหลือก็ให้ของตำแหน่งเอาไว้ตามเดิมซ่งเจี้ยงจึงว่าตัวท่านเองจําไม่ได้หรือไรที่พี่เจ้าไก่สั่งเสียเอาไว้ว่าจงให้สิทขาดของในายใหญ่แก่ผู้ใดก็ตามที่จับไอ้มือธนูผู้นี้ได้วันนี้ท่านเจ้าสวัวลูกเป็นผู้ที่จับไอ้คนคนนั้นได้แล้วคุมตัวขึ้นเขา เอามาสิ้นวิญญาณพี่เจ้าไก่จนสำเร็จผลความแข็งนั้นได้รับการชำระสักสางจึงชอบแล้วที่ท่านจะได้ขึ้นบัญชาการไม่จำเป็นต้องพูดกันให้มากความอีกแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> ลูกจุนยี่ท้วงขึ้นว่าเออข้อนั้นไร้ซึ่งบุญบา ร, รมีไม่มีความสามารถอื่นใดข้าไม่กล้ารับตำแหน่งในายใหญ่ดอกต่อให้ได้รับตำแหน่งต่าสุดสาหรับตัวข้าก็ยังนับว่ามากไปแล้ว ส่งเจียงออกตัวว่าเออใช่ว่าข้าจะเจตนามารยาทให้เป็นที่มากเรื่องไปดอกแต่ท้ว่าข้านั้นเป็นรองท่านถึงสามประการด้วยกันประการแรกข้าเป็นคนตัวดำต่ําเตี้ยรูปร่างอปลักษ์ไร้ซึ่งความสามารถส่วนท่านนั้นทั้งรูปร่างกำยำร่ำสันหามสง่าเป็นผู้ดีไปเสียทุกกระเบียดนิ้วประการที่สองอนะข้าเป็นเพียงเจ้าพนัก ง, งานชั้นผู้น้อยที่เกิดไปก่อกรรมทำผิด จนต้องหนีอาญามาเนื่องจากพี่น้องเหล่านี้ไม่มีใครดูมิ่นทินแครนข้าจึงได้รับตำแหน่งในายใหญ่ไว้เป็นการชั่วคราวแต่ท่านนั้นสืบสายเลือดมาในตระกูลใหญ่ชื่อเสียงเกริ ก, ก้องระบือไกลในเรื่องความวีระอาถรรพ์ถึงจะได้ชื่อว่าเคยติดคุกแต่ก็เพียงระยะสั้นๆแล้วสวรรก็คอยปกปักรักษาจนท่านได้ออกมาเป็นอิสระ ประการที่สามตัวข้านั้นเรียนมาไม่มากพอจะสรรงานบุญและไม่มีบารมีพอจะก่องานบุญลำพังตัวเองแม้แต่จะให้เข็นคอไก่ก็ยังไม่มีเรี่ยวแรงถึงง้างธนูได้ก็ดีดลูกดอกออกไปไม่ถึงนิ้วแต่ถ้าว่าท่านนั้นสามารถต่อตีกับศัตรูได้นับพันนับหมื่นพร้อมๆกันในคราวเดียวท่านล่วงรู้ความเป็นมาในอดีตเข้าใจความเป็นไปในปัจจุบัน ไม่มีผู้ใดอีกแล้วที่จะสูงทรงเทียมท่านได้ด้วยความสามารถและบุญบา ร, รมีของท่านระดับนี้ช่างเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำชุมชนบนเขาของเรานะักอีกทั้งต่อไปในภายภาคหน้าหากท่านได้กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณองค์พระจกักรพรรดิแล้วไซท่านก็จะได้เป็นขุนนางขุนนางชั้นผู้ใหญ่ให้พวกเราหมู่พี่น้องได้ศัยอาบอิ่มบุญบา ร, รมีอบ ร, ร่มรศมีแห่งคุณธรรมความดีของท่าน ข้านั้นตัดสินใจแล้วโรดจะได้ปฏิเสธไปอีกเลยลู่จุนยี่รีบก้มลงโคกศีรษะอย่างเคารพนอบนอบแล้ววินบอลว่าเฮ้ยท่านพี่จะได้กล่าวให้มากความไปกว่านี้อีกเลยต้อให้ตายไปเสียตอนนี้ข้าก็ยังไม่ยอมรับคําสั่งนี้ของท่านพี่อยู่ดีเฮ้ยบูหยงจึงรบเร้าต่อไปว่าเฮ้ยท่านเป็นนายใหญ่เถิด ให้ท่านลูกเป็นนายรองทุกๆคนจะได้สบายใจหากท่านขืนจะลาออกร่ําไปเช่นนี้พวกเราพี่น้องใจนั้นให้ปั่นป่วนเป็นยิ่งนักที่หูหยงยืนยันเป็นหนักแน่นเช่นนี้ก็หลังจากที่ได้เห็นสีหน้าท่าทางของพี่น้องผองเพื่อนแล้วนั่นเองสลาตันดำรีขุยแผดเสียงขึ้นว่าเฮ้ข้าทิ้งความชีวิตเอาไว้ที่เจียงโจเสียงขึ้นมาอยู่กับพี่ ยอมให้พี่ได้สิ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้เป็นฟ้าข้าก็ยังไม่กลัวข้าจึงไม่ใคร่จะถามพี่ว่าทํำไมพี่ถึงใคร่นักใคร่นาะอยากจะทิ้งไอ้ตําแหน่งบัญชาการสุดส่วนนี้ผ้ายังขืนเป็นเช่นนี้พี่ยุบชมจนแห่งนี้ไปซะเถิดข้าจะได้กลับไปฆ่าคนเล่นอย่างเก่า hey! เฮ้ยแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วปู่สง์ก็หยิบคําพูดของปู่หยงขึ้นมาแล้วเอ่ยป่าออกไปว่าทุกวันฮี่ พี่ก็มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เคยรับกระแสรับสั่งก็แต่ในองค์พระจกักรพรรดิขึ้นมาอยู่กับพี่ก็ให้มากหน้าหลายตานักแล้วพวกท่านเหล่านั้นไม่ยอมรับคำสั่งของผู้ใดใครทั้งนั้นเว้นแต่ของท่านพี่เลี้ยวทังก็เอ่ยขึ้นว่าตอนขึ้นภูมาใหม่ๆเราก็มีกันแค่เจ็ดคนตอนนั้นวัตถุประสงค์ของพวกเราทั้งเจ็ดคือให้ท่านพี่เป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้พี่จะมาเที่ยวผักใส ให้เราไปรับใช้ผู้ดใดแคร์กันอีกอรับฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราเบิดระเบิดเดี๋ยวถ้ามึงเรื่องมากนักเจียงเอ้อย่าเรื่องมากดิ <S <S แล้วหลวงจินลูกก็ตะโกนขึ้นว่าฮอกท่านไม่เอาตําแหน่งนี้จริงๆอาตามาก็ว่าพวกเราจะเก็บข้าวของแล้วแยกแยะกันต่างคนต่างไปตามทางของตัวจะดีกว่าเฮ้ยเสียอารมณ์ชิบแปงเลยคงมีแต่คนบ้าอํานาจ นี่อะไรคนไม่เอาอำนาจปาปโทษแจ้งเลยส่งเจียงจึงร้องขึ้นว่าหยุดนะพอทีพอทีข้ามีวิธีแล้วสวัสจะตัดสินอย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้นเถิดฮึบูหยงจึงเอ่ยปากถามขึ้นว่าโออแล้วท่านมีข้อเสนออะไรหรือขอรับ หวนกล่าวออกมาได้เลยส่มเจี้ยงก็เอ่ยขึ้นว่าเรื่องเดียวกันนี้แบ่งออกเป็นสองด้วยกันก็เพราะเหตุนี้นั่นเองสองผู้กล้าก็ได้มาร่วมกวนสาราว่าการจังหวัดตรงผิงต้องตกอยู่ในเหตุเพศภัย ดวงดาวแห่งเทพอสูรทั้งหลายก็เข้ามาร่วมสืบสารคุณธรรมน้ำมิตรหมู่ดาวแห่งมารปตพีทั้งมวลก็ล้วนถูกลิขิดให้มาชุมนุมกันที่ตำบลชายน้ำแห่งเหลียงซานปอกส่งเจียงพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องสองเรื่องนั้นฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ นี้เสนอถึงตอนที่69มีชื่อตอนว่าเก้ามังกรสู้จินเข้าไปติดกับในจังหวัดตรงผิงด้วยคุณธรรมน้ำมิดส่งเจี้ยนปล่อยคุณพลทวนคู่ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกๆท่านรับฟังได้นะบัดนี หยุดนะขอทีขอทีข้ามีวิธีแล้วสวรรค์จะตัดสินอย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้นเถิดเฮ้ยกูหยงจึงเอ่ยปากถามขึ้นว่าโออแล้วท่านมีข้อเสนออะไรหรือขอรับวนกล่าวออกมาได้เลยส่งเจียงก็เอ่ยขึ้นว่าเรื่องเดียวกันนี้แบ่งออกเป็นสองด้วยกัน ส่งเจียงบอกกบดดาหัวหน้าในที่ชุมนุมแห่งนั้นว่าเออตอนนี้เราขัดสนด้วยเงินทองและสเสบียงอาหารแต่จากค่ายนี้ไปทางทิศตะ ว, วันออกมีอยู่สองหัวเมืองที่เป็นที่ตั้งตัวจังหวัดหนึ่งนั้นคือตรงผิงอีกหนึ่งนั้นก็คือตรงชางถึงเราจะไม่เคยไปรบกวนไพร่ฟ้าคนเมืองของมันเลยแม้แต่น้อยแต่พอขอแบ่งสเสบียงอาหารพวกมันกลับปฏิ่เศษซั่งนั้นข้าจะให้คนเขียนชื่อเมืองทั้งสองใส่กระดาษแยกกันไว้ ข้ากับลู่จุนยี่จะเสี่ยงไทยหยิบกระดาษนั้นขึ้นมาคนละใบใครก็ตามที่ตีเมืองนั้นนั้นได้ก่อนจะได้เป็นใหญ่ในตำบลชายน้ำแห่งนี้พวกท่านเห็นดีด้วยหรือไม่บูยองเอ่ยขึ้นว่าดรือเราจะปฏิบัติตามลิขิตแห่งสวงสวรรค์ลู่จุนยี่จึงขัดขึ้นว่าโอ้อย่ได้พูดเช่นนั้นเลยพี่ใหญ่ต้องเป็นหัวหน้าทีนี้ไม่เช่นนั้นข้าจะไม่นำพา พ่อภารกิจชิ้นนี้เป็นเด็ดขาดแต่ลู่จุนยี่ก็ไม่อาจทัดทานใดๆดได้เบ่ยชวนถูกเรียกตัวขึ้นมาเขียนชื่อเมืองทั้งสองใส่กระดาษสองแผ่นทุกคนพากันบนบานสารกล่าวและเผาทูบคนทั้งสองล้วงมือลงไปหยิบส่งเจียงล้วงได้ตรงผิงส่วนลู่จุนยี่ล้วงได้ตรงชางหัวหน้าทั้งหลายพอใจกันทั้งสิ้นในวันนั้นทุกคนก็พากันกินเลี้ยง ขณะที่กำลังดื่มสุราสรงเจียงก็ประกาศรายชื่อกำลังพลที่จะแยกกันไปตีเมืองทั้งสองทัพที่จะต้องไปกับทรงเจียงประกอบด้วยขุนพล25คนรวมทั้งตัวเองนำกำลังไพรพ ล, พลทั้งทหารม้าและพลเดินเท้า 10,000 โดยมีสามพี่น้องตระกูลหยวนพี่สองพี่ห้าน้องเจ็ดบัญชาการเรือไปด้วยอีกทัพหนึ่งลู่จุนยี่บัญชาเหล่าหัวหน้า24คนขุมไพรพ ล, พลทั้งทัพมา้ากับทหารราบไปอีก 10,000 เท่ากัน หนุนด้วยกองเรือที่นำโดยลี่จุนถงเหวยกับถงเหมิงส่วนบรรดาในโจรคนอื่นๆที่เหลือและผู้ที่ยังต้องพักปื้นให้อยู่ดูแลป้อมค่ายพอระดมพลจัดแบ่งภาระหน้าที่กันเสร็จสับทั้งสองทัพก็ยกกันลงจากเขาบ่ายหน้าตรงไปยังจังหวัดทั้งสองอยามนั้นเป็นวันแรกของเดือนสาอากาศอบอุน่นสายลมโวยโบกต้นหญ้าเขียวขจีพื้นดินอ่อนนุ่มนับเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการรบพุ่ง ตอนนี้เรามาเล่าเรื่องส่งเจี้ยงก่อนนะครับพอเดินทับจากบึงเหลือซานห่างจากตรงผิงราวสีสิบลี้ก็ถึงหมู่บ้านอัญชานส่งเจี้ยงก็สั่งให้ตั้งค่ายจึงเอ่ยขึ้นว่าเชงหว่าลี่ข้าหลวงมืองตรงผิงกับผู้บัิชาการเขตจังหวัดทหารเป็นคนบ้านเดียวกันพื้นเพมาจากตำบลชางตังตะวันออกของแม่น้ำขุนพลผู้นี้มีนามว่าตงผิงเพราะเชี่ยวชาญในการใช้ทวนสองมือ คนจึงให้สมญานามว่าขุนพลทวนคู่ต่อให้คนสักสิบพันก็ต้านไม่อยู่ถึงเราจะเป็นฝ่ายตีเมืองเขาแต่เราก็ต้องให้ความเคารพคนผู้นี้ข้าใครจะส่งคนสักสองสามคนถือหนังสือไปแจ้งล่วงหน้าว่าเราจะมาตีข้าจะชักจูงให้เขาสวามิพักจะได้ไม่ต้องเลือดตกยางออกหากเขาปฏิเสธก็จะไม่มีผู้ใดตำหนิเราได้ผู้ใดจะกล้าถือหนังสือไปอ๋ ชายผู้หนึ่งสืบเท้าออกมาเป็นยู่เป่าซื่อคนนั้นนั่นเองครับยู่เป่าซื่อนี่นะฮะเป็นขุนพลที่เพิ่งสวามิภักดิ์กับซ่งเจียงเมื่อการสืบครั้งที่แล้วที่หมู่บ้านเชิงโถ น, นั่นเองครับชายผู้หนึ่งสืบเท้าออกมาเป็นยู่เป่าซื่อผู้นั้นนั่นเองเฮียงเห็น ข้าขอจำขุพนพลตรงผิงได้ฮ้าจะขอน้ำสารของท่านไปส่งเองขอรับผุบรุษอีกผู้หนึ่งก็ก้าวออกจากแถวของหัวหน้าทั้งหลายชื่อของเขานั้นก็คือหวางติ่งรลีว้วโอ้ข้ายังไม่เคยได้พิสูจน์ความกล้าหาญให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ฮ้าจึงใคร่จะขอรับภารกิจนี้ไปทำด้วยนะขอรับซูเจียงให้ดีใจนักจึงเขียนหนังสือแล้วมอบให้คนทั้งสองถือไป ในสารบอกแต่ว่าใครขอแบ่งทันยาหารเท่านั้นพอข้าหลวงแห่งตงผิงได้ยินว่าทัพโ่งเจียงยกมาตั้งมั่นอยู่ที่หมู่บ้านอันชานก็เรียกผู้บัญชาการทหารเขตตงผิงคุ้นพลทวนคู่มาหารือการศึกขณะที่ทั้งสองสุดตัวลงนั่งยามที่หน้าประตูก็เข้าไปรายงานแายงานบนถือสารจากโ่งเจียงนำคำประกาศสงครามมาแจ้งของรับ เชงอนุญาตให้เบิกตัวทูดทั้งสองอยู่เป่าซื่อกับหวางสิงเลีว้วก็ก้าวเข้ามาส่งมอบหนังสือให้เซงคลี่ออกอ่านเสร็จแล้วก็หันหน้าไปทางขุนพลผู้นั้นพวกมันมาเรียกร้องจเจ้าเหงอนกับสมเียจกลังเราควรจะกระทําฉันใดดีท่านท่านขุนพลขุนพลตรงผิงได้ฟังก็ให้เดือดดานแต่โอนสั่งให้ทหารเอาตัวทูตทั้งสองไปตัดหัวแต่ข้าหลวงเชงออกมาห้ามไว้แล้วเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ย อย่ากระทำเช่นนั้นเลยทั้งไพโบราณการมาก็ไม่ทาเนียมว่าจะข้าพนเดินศาล ร, ระหว่างควบปฏิบัติกันนั้นไม่ได้สิ่งนี้ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งบอยหพวกมันคนละยี่สิทีแล้วค่อยไล่กลับดูทีสิว่าไอ้ส่งเจียงจะมาไม้ไหน <laughs> แต่คุณพลตงผิงยังคงโมโหอยู่จึงสั่งให้จับคนทั้งสองมัดแล้วเคียนตีจนเนื้อแตกพอใจแล้วก็ไล่ออกจากเมืองไป ทั้งสองร่ำให้กลับไปถึงค่ายโอดครวรว่า <c oughs> ไอ้ขุนคนนั้นไม่รักษาทันพน้องพร้อมทํามันด่าว่าพวกเราเสียให้หาย <c oughs> แล้วมันก็เคียนพวกเราจนเนื้อแตกเจ็บทิพายเลยเกิดมาไม่เคยโดนพ่อโดนแม่ตีไอ้สันดาลพวกนี้มาตีกูทำไมส่ <c oughs> งเจียงให้ขุนแค้นจนแน่นอกใครจะทลายเมืองให้ราบลงสีเหลวนั้น จึงสั่งยู่เป <keiten> um ่าซื่อกับหวางติ่งรลี้วให้กลับเข้าไปพักปืนเก้าวมังกรซื่อจินลุกขึ้นแล้วเอ่ยว่าข้าเคยอาศัยอยู่ในตงผิงมังกรอีกทั้งยังเคยชอบพอกับหญิงสาวผู้หนึ่งในหมู่ตึกเขานหันมาแล้วนางไม่นาว่าลี่สุยหลานความสัมพันธ์นั้นใกล้ชิดนักหากข้าลอบเข้าไปในเมืองแล้วเอาข้าวของเงินทองไปให้ข้าคงได้อยู่ที่ซองของนาง คอยหาวันกำหนดนัดหมายให้ท่านพี่เข้าตีหากคุณพลทวนคู่ออกจากเมืองมารบเมื่อใดข้าจะเปลีนขึ้นไปเป็นหอกลองแล้วจุดเพลิงขึ้นหากตีรัดกันทั้งนอกทั้งในเราคงจะได้ชยชนะอย่างง่ายดายซ่งเจี้ยงอุทานขึ้นว่ายอดเจี่ยงไปเลยเหอะว่าแล้วซื่อจิงก็เอาเงินทองใส่ห่อผ้าซุกซ่อนอาวุธเอาไว้ในตัวแล้วกล่าวอำลาไปท่งเจี้ยงจึงเอ่ยขึ้นว่า ก็จะยังไม่เคลื่อนพ้นจะรอจนกว่าท่านจะกําหนดเวลาที่เหมาะสมได้ออ ก, ก็มมังกอนซื่อจินก็เข้าไปในเมืองแล้วตรงดิ่งไปยังซ่องของนางลี่สวยหลานที่ตั้งอยู่ในย่านโคมแดงทางตะวันตกของเมืองในทันทีพราะเห็นซื่อจินมาพ่อเล้าประจําซ่องก็ตกใจแต่ถึงยังไงก็พาซื่อจินเข้าไปในบ้านอยู่ดีละครับแล้วร้องเรียกหญิงสาวให้ออกมาต้อนรับนางสวยหลานพาซื่อจินขึ้นไปบนเหล่าเตงแล้วนั่งลง หญิงสาวเอ่ยกับซื่อจินว่าแม่ข้าไม่เห็นแม่แต่เงาท่านมานานนักหนาแล้วนะเจ้าคะเป็นยังไงมายังไงอะ่ะเจ้าคะตอนนี้นะข้าได้ยินว่าท่านไปเป็นในายใหญ่บนเขาเหรียนซานหมายจักท่านมีติดจนเต็มไปหมดเห็นกันได้ทั่วไปเมื่อสองสามวันก่อนมีเสียงลือกันที่ล่านถนนว่าทรงเจียนจะมาตีอโศเบียงจากเมืองนี้ แล้วท่านมาทําอะไรที่นี่หรือเจ้าคะเซืร์จจินตอบว่าโอ้อันทึกจริงเหรอเนาะข้าก็เป็นหัวหน้าคนหนึ่งบนเขาเหลียงซานจริงๆนั่นแหละแต่ยังไม่เคยทําความดีความชอบให้เป็นที่ปรากฏพ้ได้ยินว่าพี่ใหญ่จะมาตีเมืองเอาข้าวข้าก็เรียกให้ท่านทราบถึงเรื่องตึกฮารุหันของเจ้าท่านเลยส่งข้ามาเป็นสายนี่ข้าก็เอาเองินกับทองมาให้เจ้าด้วยนะแต่ห้ามเอาไปบอกใครล่ะฮะเสร็จเรื่องนี้ ข้าจะพาเจ้ากับครอบครัวขึ้นไปอยู่บนเขาเลี้ยงดูให้มีความสุขสำราญนางส่วยหลานรีบตกปากรับคำทุกสิ่งทุกอย่างที่ในโจรหนุ่มบอกรับเงินไปแล้วจัดหาสุราอาหารมาให้แต่ตอนหลังก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่เล้าผู้เป็นพัญญาของพ่อเราผู้นั้นฟัง นางแม่เล้าเอ่ยขึ้นว่าตอนที่เขาแวะเวียนมาหาเราบ่อยๆนั้นเขาก็เป็นคนดีอยู่ดอกดังนั้นหากจะมาอีกก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายแต่ตอนนี้เขากลายเป็นคนไม่ดีหากเกิดปัญหาพวกเราจะพากันหัวเราะไม่ออกนะพ่อเล้าจึงเตือนขึ้นว่าแต่การไปแย่พวกลูกน้องส่งเกียงแห่งเขาเหลียงซานนั้นอันตรายมากพวกมันคิดจะยึดเมืองไหนๆก็ย่อมได้หากพวกมันหักเข้าเมืองมาได้ UM ก็คงทำลายสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างหากเราไม่รักษาคำพูดกับพวกมันพวกมันอาราตายแน่น่นางเมียแม่เล้าก็แหวว่าโอ๊ยไอ้แก่เอ้ยเองนี่มันช่างเสื้อเบื่อสิ้นดีโบราณก็ว่าเอาไว้แล้วหากต่อวินเข้าอกเสื้อเราก็ต้องปัดทางการที่ไหนจะมาฆ่าคนชี้ช่องของตัวฮะที่ไหนๆเขาก็ถือกันนัก เร็วเข้าเรียกไปที่ว่าการแล้วรายงานเรื่องมันให้เจ้าหน้าที่เขารู้ให้พวกเขามาลากตัวไปหากต่อไปเกิดอะไรขึ้นนะนะพวกเราก็จะไม่เกี่ยวแล้วพ่อเหลายังลังเลใจจึงเอ่ยขึ้นว่าเออแต่เขาเอาเงินโอทองให้พวกเราตั้งมากหากเราไม่ช่วยทําอะไรให้เขาเลยแล้วเขาจะเอาเงินให้เราตั้งมากม า, กายก่กองเช่นนั้นไปทําไมฮะไอระยังเฮียดายอย่างเหลืออด ปากปาลาัยเหมือนไค่ผายลมโวยเขาเรียกตดเอในหนังสือเขาเขียนว่าไายลมอ่ะกูก็อ่านว่าผายลมเฮ้ยมึงจะเรื่องมากพวกเราพ่อเราแม่เราทําคนมาเป็นบรพั น, นแล้วกะอีกแค่หนึ่งมันจะสำมหาอะไรกันนักกันหนาหากเองไม่บอกนะข้าจะ เ, าเรื่องนี้ไปแจ้งเองเอามันเข้าปิง้งรวมทั้งเองด้วยห่านานมันเกี่ยวกับกูอีกปาโถรไอ้กูเป็นผัวมันเหเฮ้ย ผู้เป็นผัวปลอบขึ้นว่าเย็นๆ ย, ยนเอาไว้น้องพี่เดี๋ยวข้าจะไปบอกนางสวยหลานให้ผัวพันมันเอาไว้ก่อนอย่าเที่ยวไปแหวกย่าให้งูตื่นเดี๋ยวมันจะหนีไปซะก่อนข้าจะไปแจ้งความตำรวจให้เข้ามาล่าคอมันไปแล้วข้าไปแจ้งสาร ท, ทันทีหลังนางสวยหลานกลับขึ้นกระดายไปซื่อจินสังเกตเห็นสีหน้าท่าทางของเธอลุกนิลุกลนใบหน้ากระดิวก็ซีดกระดิวก็แดง จึงเอ่ยปากถามว่าืออเจ้าเป็นอะไรไปล่ะทำไมจงดูท่าทางจงต ก, ออกตกใจอะไรกันนักอันหาฮะนางสวยหลานตอบว่าเออเออเออตอนขึ้นมาข้าเหยียบกระดาดพลาดเกือบตกลงไปเลยอ่ะใจคอหายหมดเลยเจ้าค่ะสุภางสมควรแล้วล่ะเวลาผ่านไปชั่วแค่ดื่มชาหมดจอกทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งขึ้นบันได พร้อมทั้งเสียงกูตวาดดังลั่นขึ้นระ<อ>ทางนาาหนห้าต่างนคน<อ>ตระเวณนสิบกว่าคนก็ดันประตูเข้ามาในห้องเจอแล้วเจอแล้วมันิน่ลาซื่อจีนลงกระไดกระดุดสิงโตติดแล้วแล้วนำไปโยนไว้ในสาาว่าการเมืองตรงผิงอพอเห็นข้าหลวงเชงก็ตวาดขึ้นว่า เฮ้ยไอ้คนโสโครกโครกอโครกมึงอ่านยังไงกับมึงวะเฮ้ยไอ้คนโสโครก้าดียังไงถึงได้ก็มาสอดแนเมืองกูฮะผู้ดูแลนางรีช่วยหลานไม่เอาความจริงมาแจ้งมึงก็คงจะนำความวิบัติชิบหายมาให้คนละเมืองของกูนักแล้วสารภาพเรื่องทั้งหมดมาไวๆเร็วเข้าไอ้ทรงเจียงทรงมาทําอะไรฮะซื่อจินไม่ยอมเปิดปาก คุณพลผู้นั้นจึงแค่นเสียงขึ้นว่าถ้าไม่ลงไม้ลงมือไอ้คนถอยเยี่ยงมันคงจะไม่ปริปากอะไรอยู่แล้วข้าหลวงจึงตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยทหารฟาดไอ้คนคนนี้ให้หนะักพวกที่ไปจับซื่อจินผู้หนึ่งก็อมน้ำเย็นใส่ปากคนใส่น้องของอดีตนายใหญ่แห่งชุมชนเขาเร้าหัวแล้วใช้ไม้ขนาดใหญ่บยซื่อจินไปข้างละร้อยที ซื้อจินกัดฟันทนจนครบโดยไม่ปริปากเลยแม้แต่คำเดียวคุณพลทวนคู่จึงสั่งว่าเฮ้ย hey, เอาคือหนักใส่คอยผู้ายคนนี้แล้วเอาไปขังไว้ในเรือนจำให้จับไอ้ส่งเจียงได้ก่อนเถอะแล้วค่อยส่งตัวไปรับโทษที่เมืองหลวงตะวันออกรมพร้อมกันครับซื่อจินจะหลุดออกจากคุกแห่งเมืองตรงผิงได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังตอนต่อไปในคลิปหน้านะครับ ซื่อจินกัดฟันทนจนครบโดยไม่ปริปากเลยแม้แต่คำเดียวคุณพลทวนคู่จึงสั่งว่าเฮ้ยเอาคือหนักใส่คอไอ้ไคนนี้แล้วเอาไปขังไว้ในเรือนจำให้จับไอ้ส่งเจียงได้ก่อนเพอะแล้วค่อยส่งตัวไปรับโทษที่เมืองหลวงตะ ว, วันออกพร้อมๆกันจึ่กล่าวถึงส่งเจียงเมื่อซื่อจินจากไปแล้วก็มีหนังสือไปถึงบูหยงแจ้งให้ที่ปรึกษาทับทราบว่าซื่อจินเล็ดรอดเข้าไปในเมือง ใช้ซ่องนางสวยหลานเป็นที่สืบข่าวพ่อบูยงทราบความในหนังสือก็ตกใจรีบหารือกับลูจุนยี่แล้วตรงไปยังค่ายซ่งเจี้ยนในคืนนั้นบูยงมาถึงก็สักขึ้นว่าใครอนุญาตให้ซื้อจิ้นไปฮะซงเจี้ยนตอบว่าเออทนายจร์มันเป็นความคิดของเขาเองเขาบอกว่าหญิงคนนั้นเป็นนางบำเรอของเขาจึงได้สนิทกันนัก ที่ปรึกษาทัพจึงร้องขึ้นว่าท่านพลาดไปซะแล้วตอนนั้นหากข้าอยู่ที่นี่ข้าจะไม่ยอมเห็นดีด้วยเป็นเด็ดขาดอันว่านางคณิกาแบบนั้นใครๆก็สนิทได้ง่ายนะักแต่พวกนางชอบลิ้มลองของใหม่ๆรังเกียจเดียดชันของเก่าๆล้าสมัยพวกนางทํรลายชายดีๆมานับไม่ทวนใจแปรเปลี่ยนง่ายดูสายนะถึงนางผู้นี้จะปลกใจด้วยกับเขา แต่นางจะต้องผ่านด่านพ่อเล้าแม่เล้าของตัวสื่อจินจะต้องตกที่นางลำบากเป็นแม่นมันซ่งจี จ, จึงถามว่าจะแก้ไขอย่างไรดีปู่หยงก็เรียกาหาแม่นางกู้เข้ามาสั่งความปู่หยงจึงบอกแก่นางกู้ว่าเราจะขอวานให้ท่านทนลำบากเข้าไปในตรงผิงรอมเป็นหญิงขอทานแล้วเล็ดรอดเข้าไปในเมืองถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพาคนให้รีบรายงานเข้ามาในทันทีนั้นเลยหากเสื้อจินติดคุก ก็ให้เปอ้อนวานผู้คุมขอนำอาหารเข้าไปให้เพื่อเป็นการทดแทนคุณหนนหลังครั้งก่อนหากเข้าไปได้ก็รีบบอกซื้อจินว่าเราจะเข้าตีเมืองในตอนค่ำของวันสิ้นเดือนนี้หากเกิดเรื่องกวนละหนก็ให้หาทางแหกคุกออกมาส่วนในคืนวันสุดท้ายของเดือนท่านจะต้องจุดไฟให้สัญญาณแล้วเราจะได้ตีผาเข้าไปแล้ววูหยงก็หันหน้าไปอย่างทรงเจียมแล้วเอ่ยขึ้นว่าก่อนอื่น ท่านต้องไปตีตำบลเวิร์นชางซะก่อนประชาชนจะพากันหนีภัยสงครามเข้าไปตรงผิงแม่นางกู้จะได้อาศัยปากบนเข้าเมืองไปกับพู้อพยพจะได้ไม่เป็นที่สังเกตเข้าใจไหมเจียงไปแ่้งที่ปรึกษาทัพก็ขึ้นม้ากลับตรงชางส่งเจียงระดมคนห้าร้อยคนไปตีเวินชางนำโดยเสียเจิ้นกับเสียเป้าการก็เป็นไปตามที่คาดเมืองทั้งเมืองตกอยู่ภายใต้ความโกหลหนอลมาน ประชาชนอุ้มลูกจงหลานช่วยผู้แก่แม่เท่าหนีการรบเข้าไปที่ตรงผิงแม่นางกู้ทำผมพ่อเป็นกระเซิงใส่เสื้อผ้าปูปะพร้อมปนไปกับคนที่แห่กันเข้าไปในเมืองตรงผิงนางเที่ยวขอทานเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสาาที่ว่าการพ่อสอบถามก็ได้ความว่าซื่อจินต้องระห็ุเข้าไปอยู่ในคุกจริงๆ วันรุ่งขึ้นนางก็ถือข้าวกระออมหนึ่งไปเดินวนเวียน ร, รอคอยอยู่หน้าคุกในที่สุดพลตะเวนแก่ๆผู้หนึ่งก็เดินออกมานางกรากเข้าไปคุกเข่าโคกศีรษะน้ำตาไหลาพากดังสายฝนผู้คุมแก่ในนั้นจึงว่าแม่นางมาร้องไห้หาอะไรอยู่ที่นี่เหรอฮะร้องไห้หาพ้อหรือฮะ สืจินนายเก่าของข้าน้อยติดคุกอยู่ข้างในนั้นเจ้าค่ะ <c oughs> ท่านจากรูปไปตั้งสิบปีข้าได้ยินแต่ว่าท่านไปเป็นพ่อค้าเดินทางไปเรื่อยเนึกไม่ออกว่าท่านไปทําผิดคิดร้ายอะไรจะต้องมาติดคุกติดตารางแบบนี้ท่านไม่มีใครเอาข้าบราอาหารมาให้ดังนั้น <c oughs> สงสารว่ะสงสารเจ้านาย ดังนั้นข้าจึงคิดจะเอาเข้าวคำนี้ที่พิกขาจานมาได้เข้าไปให้โปรดเห็นใจธนาท่านลุงพาข้าเข้าไปสักหน่อยเถิดเท่ากับได้บุญสร้างจะดีทั้งองค์เลยนะเจ้าค่ะโอ้ยร้องไห้เป็นวักเป็นเวนรน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะพนตรเวนแก่จึงว่าเฮ้ยมันไปนก้อนมาจากบึงเหลียงศาน ทั้งผิดอาญาหลวงหลายทีเดียวไม่มีใครกล้าพาเจ้าเข้าไปในโคกนั้นหรอกเฮ้ยหาเลื่องให้กูล้ชมมันล่ะเฮ้ยกูยังไม่ได้ปลดกระสีนเลยให้กูปลดกระสีก่อนก็นได้เฮ้ย <c oughs> ท่านลุงจุข๋ข่าหากเขาเป็นโจรเขาก็ย่อมต้องชดใช้กรรมของตัวไปตามที่ตัวคอยอยู่แล้วแม้จะต้องถูกแรดเนื้อเถื่อนหนังออกไปทีชิน้น จนตายไปอย่างช้าๆก็ตามทีแต่ท้ว่าข้าขอความเมตตาสงสารนางเท่าผู้นี้ให้ได้เอาข้าวเพียงกืนแค่คำไม่ตอบแทนบุญคุณท่านที่เคยทำมาแต่ในอดีตด้วยเถิดเจ้าค่ะสงสารเจ้านายแล้วไม่นากู้ก็ร่ำให้อยู่เป็นที่น่าเวทนายิ่งนะัก พลตระเวนแก่ผู้นั้นก็รำพึงกับตนเองว่าเฮ้ยหากเป็นชายเราคงจะพาเข้าไปไม่ได้แต่นี่นางเป็นสตรีคงไม่มีเ่สนไนใดๆแนะ่ว่าแล้วก็พาแม่นางกู้เข้าไปในคุกก็เห็นซื่อจินเข้าคือหนักคาคอโสดรวนล่ามข้อมือทั้งสองข้างเอาไว้ก็ามังกรพอเห็นว่าเป็นใคร ก, ก็ให้ตกตะลึงแต่ก็ยังคงนิ่งขึงอยู่อย่างนั้น ขณะที่เอาข้าวในกระออมป้อนให้ถึงปากแม่นางกู้ก็ทําทีเป็นร่ําไห้เสืสเอกสือกนอยู่หักหักรบรรดาผู้คุมเห็นก็รีบเข้าไปทักท้งทวงพวกผู้คุมตะโกนสั่งว่าเฮ้ยเจ้านั่นเป็นคุกนักโทษหนักนะแม้แต่ลมก็ผ่านเข้าไปไม่ได้ใครอนุญาตให้เจ้าเอาข้าวเข้ามารีบหนีออกไปไวๆไวก่อนจะถูกหมายเฮ้ยหาเรื่องให้กูสลบไม่ละปาดเถอเรื่องเก่ายังไม่หายแล้ว เ, เรื่องใหม่ให้กูอีก เนื่องจากมีคนมากไปนางจะพูดมากก็ไม่ได้จึงกระซิบไปแต่เบาๆจำไหมนะคืนสุดท้ายของเดือนเราจะบุกเข้ามาในเมืองท่านจงแหกคุกออกไปก่อนซื่จินจะทันได้ถามว่ายามไหนของคืนผู้คุมก็เอาแส้หวดนไม่นางกู้จนต้องตะเลดิดหนีออกประตูคุกจึงจําได้แค่เพียงว่าคืนสุดท้ายของเดือนการต่อมากลับปรากฏว่าเดือนสามของปีนั้นดันมีสาสิวันซะอีก ไม่ใช่ย9สิบเก้าวันดังปกติสำร้ายพอถึงวันที่ยี่สิบเก้าซื่อจินก็ถามผู้คุมคนหนึ่งว่าเออวันนี้วันอะไรหรือขอรับผู้คุมเกิดจำผิดจึงตอบไปว่าเฮ้ยวันนี้สินเดือนแล้วข้ากำลังจะออกไปซื้อหวยอยู่พอดีแล้วก็ซื้อกระดาษมาเผาเส้นวิญญาณสามัคสีทั้งหลายอยู่พอดีเลย พอได้ยินเช่นนั้นซื่อจินก็เกือบจะอดรนทนต่อไปไม่ไหวพอใกล้ค่ำแดดร่มลมตกก็ขอให้ผู้คมคนหนึ่งที่กำลังตึงได้ที่ช่วยพาไปซ่วมทันใดนั้นซื่อจินก็ถานขึ้นว่าเฮ้ยใครอยู่ข้างหลังะผู้ควบคนนั้นหันไปซื่อจินก็ง้างคือออกจากคอเอามุมคือหวดเข้าใส่ที่หัว ส่งผู้คุมคนนั้นลงไปนอนกองอยู่กับพื้นแล้วก็ใช้อิดทุกตรวนที่ล่ามขาออกกระโจนเข้าไปในเก๋งที่พักผู้คุมและคนยามที่พากันดื่มเหล้าซะจนเมาแปรซื่อจินฆ่าไปสองสามคนที่เหลือก็พากันเปิดหนีไปสิ้นด้วยความคิดว่าคนจากข้างนอกกําลังจะบุกเข้ามาช่วยเหลืออดีตในบ้านตระกูลซื่อก้าวมังกรก็วิ่งไปเปิดประตูห้องขังปล่อยนักโทษออกมาราวห้าสิหกสิบคน แต่ละคนวิ่งออกจากห้องส่งสิงตะโกนกันให้เกลียวกล่าวพอข้าหลวงเชงได้รับรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นสีหน้าแววตาก็ซีบเผือดรีบเร่คนไปตามผู้บัญชาการทหารประจำเขตของตนมาขุนพลทวนคู่ยืนยันว่าอย่างนี้นะมันจะต้องมีสายจรสักคนหนึ่งอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองของเราเป็นแม่นมัน รีบส่งทหารยามไปล้อมไอ้ไถ่นั้นเอาไว้ก่อนส่วนข้าก็จะถือโอกาสพาทหารเอาไปจับตัวไอ้ซ่งเจียนใต้เท้าจงรักษาเมืองเอาไว้ให้มั่นคงสองคนสักสิบกว่าคนไปเฝ้าประตูคุกเอาไว้อย่าให้ใครหนีออกมาได้ขุนพลตรงผิงขึ้นมาไประดมทหารออกเดินทางข้าหลวงเชงก็ไประดมผู้คุมกับยารักษาการติดทวนกับไม้พลองเป็นอาวุธแล้วจัดส่งไปประจำการเอาไว้หน้าประตูคุก สั่งให้กูตวดัดทำทีเป็นเปรี้ยวกราดให้สุดๆซื่อจินได้ยินเสียงก็ไม่กล้าบุกออกมาฝ่ายนี้ก็ไม่กล้าบุกเข้าไปแม่นางกู้เห็นเหตุการณ์แปรผันไปเช่นนั้นก็ได้แต่คร่าครวนอยู่เป็นวักเป็นเวรตอนขุนพลทวนคู่พาทหารม้าและคนเดินเท้าของฝ่ายตัวออกจากเมืองไปนั้นเป็นเวลายามสี่แล้ว ทัพข้างฝ่ายเมืองตรงผิงก็เคลื่อนเข้าหาฝ่ายทรงเจียงที่ยังสงบนิ่งอยู่ด้วยท่าทางอมหิตแมมองผู้หนึ่งก็เข้าไปรายงานการเคลื่อนทัพของฝ่ายตรงกันข้ามซ่งเจียงจึงพูดขึ้นว่าเฮ้ยความไม่นางกู้องจะแตกข้าศึกถึงได้กล้า ย, ยกมาตีเราตอนนี้ดีละเราจะรอต้อนรับมันให้อบอุน่นแล้วก็สั่งให้ทัพตนเตรียมพร้อม พอเช้าขึ้นมาทั้งสองฝ่ายก็จัดวางกระบวนทัพเสร็จสับตามตำราศึก<อ>ตรงผิง<อ>คุณพลทวนคู่ก็ขับม้าออกมาหน้าแถวทั้งเก่งกล้าสามารถทั้งรูปสวยรวยทรัพ์ผู้ประชาการทหารผู้นี้มีพร้อมสับสมบูรณ์ซึ่งไปซะทุกอย่างทั้งเครื่องสายทั้งคุิยผิวถ้าจะให้นับก็มีเพียงไม่กี่เรื่องที่ยังฝึกไม่ถึงขั้นครูผู้คนทั่วทั้งสารตรงกับหัวเปื่อยพากันเรียกหาว่าขุนพลทวนคู่ผู้พ่าถาม สวดทรงองค์เอวงามสง่ากระทั่งว่าทรงเจียงเองก็ให้ตื่นตาตื่นใจเป็นนักหนาทงผืนหนึ่งเสียบเอาไว้ที่ซองเก่าทันอ่านได้ความว่าขุนพลทวนคู่ผุกล้าเจ้าฟ้าเหนือหัวครัวเรือนหมื่นทรงเจียงก็สั่งหั่นเถาให้ออกรบฝ่ายขุนสึกหั่นเถาอาวุธคู่มือของเขาเป็นห อ, อกด้ามยาวพอได้ฟังคําสั่งก็กระชับห อ, อกเอาไว้ในวงแขนฉักมาวิ่งเรียบตรงเข้าใส่ตรงผิงตรงผิงกวัดแกว่งควนร้างสองมือออกสกัด ทวนคู่สีคมไหว ว, วูบวับรวดเร็วราวจาผันพันเผามองตามไม่ทันส่งเจียนจึงส่งผลครูห อ, อกเหล็กสู้หนิงถืงหอหอกเดียวตะขอลงไปแทนสู้หนิงควบม้าของตัวเข้าต่อตีกับตรงผิงเป็นสิงขีทั้งสองรบกันไปรบกันมาท่ามกลางฝุ่นผู้ลีที่คุ้งกระจายราว่าม่านหมอกกว่าห้าสิบเพลงก็ยังดูไม่ออกว่าใครจะแพ้ชนะ ทั้งสองสู้รบกันเป็นเวลานานด้วยความที่ส้มเจียนกลัวสู้หนิงจะเสียทีจึงสั่งคนแรกเป่าสัญญาณถอยสู้หนิงเผมา้ากลับไปย่างที่มั่นของฝ่ายตัวขุนคนทวนงู่ก็ชักมาไล่ตามจนทลันเข้ามาในแนวของทัพฝ่ายกบฏส้มเจียนก็สะบัดแทะทับโจนก็อบล้อมเข้าหากันกระดุดคีมเหล็กฝ่ายตัวก็ขี่ม้าขึ้นไปบนหน้าผาเฝอาดูตรงถิงที่ถูกกองทัพฝ่ายตัวล้อมไว้ พ่อตรงผิงควบหมาไปทางตะวันออกซ่งเจียงก็บอกธงไปทางตะวันออกกองทัพก็กรูกไปปิดทางตะวันออกขมาวิ่งมาทางตะวันตกซ่งเจียงก็บอกธงไปทางตะวันตกกองทัพก็ย้ายมาปิดทางตะวันตกเอาไว้ตรงผิงวิ่งรอบไปมารบอยู่อย่างนี้จนตกบ่ายในท้ายที่สุดก็เจาะทะลุกออกมาจนได้แต่ซ่งเจี้ยงหาได้ไล่ตามไปไม่ตอนนั้นตรงผิงนึกรู้ว่าัะเอาชนะฝ่ายโจรส์ไม่ได้พ่อตกเย็นจึงถอนทัพกลับเข้าเมือง ส่งเจียงก็เคลื่อนพลตามไปในตอนกลางคืนแล้วตั้งค่ายรายร้อมกำแพงเมืองเอาไว้ข้างฝ่ายภายในเมืองแม่นางกู้ไม่กล้าจุดไฟให้สัญญาณฝ่ายซื่อจินก็แหกคุกออกมาข้างนอกไม่ได้ทั้งสองจึงติดกับขยับไปไหนไม่ได้ก็ในตอนนั้นนะครับข้าหลวงเชงมีบุตรสาวแสนสวยอยู่ผู้หนึ่ง ฝ่ายตรงผิงก็ยังไม่ทันได้แต่งงานก็เลยส่งพ่อสื่อแวะเวียนไปขอแต่ข้าหลวงเชงไม่ยินยอมซะ ง, งั้นผลก็คือแม้ภายนอกทั้งสองจะยังโอภาปราศัยกันด้วยดีแต่ภายในก็ขุนใจกันมาโดยตลอดหลังจากวันที่ตรงผิงกลับเข้าเมืองตอนเช้าก็ส่งผู้แทนไปขอหญิงสาวผู้นั้นอีกข้าหลวงเชงจึงเอ่ยขึ้นว่าพ่อเป็นขุนนางฝ่ายพลเรือนส่วนเขาก็เป็นขุนนางฝ่ายทหาร การแต่งงานแบบนี้นับเป็นเรื่องประเสริฐยิ่งนะแต่หากข้าเห็นดีด้วยในตอนนี้ข้าก็ต้องตกไปคิดปากให้ใครต่อใครเขาเยอะหยันใหญ่ไพเอาเมื่อโจรร้ายยกประชิดมาอยู่หน้าเมืองสถานการณ์ยังคงขับขันรอ ด, ดรอไปจนกว่าเราจะขับไล่ไอ้พวกโจรห้าร้อยออกไปให้ผลผลจนเมืองปลอดภยัยซสก่อนพูดกันตอนนั้นข้าก็าว่ายังจะไม่สายพอสื่อนาคาตอบข้าหลวงเชงมาให้ ตงผิงได้ฟังก็กล่าวขึ้นว่าพูดมาเช่นนี้ก็ดีแล้วแต่ถ้าว่าในใจรู้สึกเป็นกังวลยิ่งนักไม่มั่นใจเลยว่าข้าหลวงเชงจะยกบุตรสาวให้หลังจากยกกำลังเข้าประชิดกำแพงเมืองในตอนกลางคืนส่งเจียงก็สั่งไพร่พลให้โหมตีเมืองอย่างหนักข้าหลวงขอให้ตงผิงออกรบตรงผิงรีบผูกเาะขึ้นมาด้วยอาการโกรธจัด ยกทัพสามกองออกจากเมืองไปสุนเจียยืนมาอยู่ใต้ร่มธงของฝ่ายตนแล้วตะโกนออกไปว่าท่านขุนพลถึงท่านจะมีกำลังแต่ก็ลำพังแต่ผู้เดียวเหตุฉันไหนจึงอาจผานมาต่อต้านข้าเช่นนี้รู้บ้างไหมละว่าข้ามีไพ่ผลนับแสนและก็มีแม่ทัพในกองนับพันทุกคนต่างร่วมใจกันแบกรับบัญชาสวรรค์ช่วยเหลือู้ตกทุกได้ยา อบผู้ผู้อดอยากยากไรท่านจงรีบเข้ามาอ่อนน้อมเสียแต่โดยดีก่อนที่จะถูกฆ่าตรงผิงเปี้ยวกราดและตะหวัดไปว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้าสมเย็จฉันตำสมควรตายต้องอาชญาถูกสักหน้าติดจังอย่ามัวนจะแพมอยู่เลยวิมาพวกมึงอ่ะตัวไหนก็ได้ ว่าพรางเข้ากันชัดทั้งสองมือพวกม้าเข้าหาส้มเจียมลินชงที่ยืนม้าอยู่เบื้องซ้ายหัวหลงที่ยืนม้าอยู่เบื้องขวาก็กระต้นม้าออกไปรับมือทั้ง 3. รบกันไปได้สักพักนายโจนทั้งสองก็ชักม้าถอยฝ่ายกองทัพทุกนอกกฎหมายก็ย่ำกลองรั่วสัญญาณถอยเป็นการใหญ่ประหนึ่งว่าแพ้แล้วตงผิงกระต้นม้าขวดตามไปอย่างข้าวหันส้มเจียงมล่าถอยไปจนถึงเขตแดนตำบลโสซุน ให้ขุดพลตรงผิงอย่างไล่ตามไปอย่างกระชั้นชิดอีกสักสิิ์กว่านี้ก็จะเข้าถึงตัวตำบลและยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งหนึ่งด้วยถนนอยางรักษาการพากลางหมู่บ้านเข้าไปทั้งสองฝั่ถนนเต็มไปด้วยกระท่อมมุงฟางด้วยไม่รู้ว่านี่คือกับดักตรงผิงก็ควบม้าไล่ตามไปอย่างกระชั้นชิดก็ได้ว่าเมื่อคืนก่อนส่งเจียงตระหนักถึงความเก่งกล้าสามารถของคุณพลผู้นี้ จึงวางตัวเสือตหวงังนางกระบี่เหล็กสิบเสีย้ยจางชิงกับนางไม่มดสุนให้พาไพร่คนนับร้อยเข้าไปซุ่มไว้ตามบ้านเรือนสองฝากงทางเส้นนี้คนเหล่านั้นแอบขึงเชือกขวางถนนเอาไว้เป็นจำนวนมากกลบเกลียดินเอาไว้อย่างแนบเนียนเราก็แต่พอได้ยินเสียงคล้องตีขึ้นเป็นสัญญาณก็จะพากันดึงเชือกพานขาม้าให้ล้มแล้วครูกันเข้าจับมัดพอตงผิงคว้ม้าเข้าไปในเขตถนนที่เป็นกับดัก ก็ดินเสียงของหมิงกับขงเหลียงต้องาดตามหลังมาว่าโอ้ยอย่าทําอะไรนะทำเรานาชับพันที่สมาธิวอกแวกเสียงค้องจากบ้านหลังหนึ่งก็ดังลั่นขึ้นประตูหน้าต่างถูกผลักออกบรรดาเชือกที่อําพลางไว้ก็ดีดผึงขึ้นขวางถนนดักหน้าเอาไว้พอม้าตรงผิงหมุนตัวกลับเชือกที่อยู่ด้านหลังอีกหลายเส้นก็ดีดขึ้นทั้งคนทั้งม้าก็คำมั่นหน้าลงไปกับพื้น จากทางซ้ายเสือเตี้ยหวางกับนางกระบี่เหล็กสิบเสีย้ยก็ทะหลันออกมาจากฝั่งขวาจางฉิมกับนางไม่มดสุนก็โผกพรวดตามมาอีกทั้งสีุ่่มรุมเข้าใส่ตรงผิงยึดทวนจับถอดหมวกเรื่องชุดเกราะและแย่ง ม, ม้าไปสิน้นแม่ทัพหญิงทั้งสองก็มัดเอาแขนไพ่หลังถือดาบพากันกระนาบเอาตัวตรงผิงเดินหน้าไปหาซ่องเจียม ส่งเจี้ยงผ่านม้าเข้าไปในเขตหมู่บ้านแล้วก็หยุดอยู่ใต้ร่มต้นกระดาษที่มีใบดกหนาดูขุนพลหญิงของตนขุมเฉลยเข้ามาใกล้แล้วตะโกนออกไปว่าเฮ้ยข้าบอกให้พวกท่านไปเรียนเชิญท่านขุพนพลตรงผิงมาที่นี่แล้วนะพูดอะไรไปบอกให้จับมัดมาอย่างเนี้ฮะเฮ้ยออกไม่ฟังทั้งสองรีบพึมพำขอเข้ามาแล้วถอยออกไปท่งเจียนกุลิกุจอวยงตัวลงจากอานมา้า ทลาเข้าไปแก้มัดขุนพลแห่งตรงผิงถอดเกราะ ก, กับเสื้อผ้าอภารรของตนออกให้ผู้บัญชาการทหารเขตตรงผิงสวมใส่ยอดตัวราบแล้วเขาเต่าตรงผิงก็รีบคุกเข่าลงโขกศีรษะรับไหว้คืนไปอย่างรวดเร็วซ่งเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านขุนพลขอรับหากท่านไม่ดูเบาเราจนติดดินแล้วใสโปรดได้มาเป็นหัวหน้าใหญ่ในป้อมค่ายบนเขาของเราด้วยเถิด ตงผิงจึงพูดว่าเฮ้ยข้าเป็นเฉลยศึกแม้จะสั่งให้ตายก็ไม่นับว่านักเมื่อไม่ขา่าก็นับว่าเป็นพระคุณล้นเหลือยิ่งนักแล้วส่องเจียนจึงพูดว่าเมื่อเร็วๆนี้เราเกิดขาดแคลนสมบียงกลางจึงได้มาขอยืมจากสวัสดิ์ตงผิงของท่านไม่ได้มีเจตนาสิ่งอื่นแอบแฝงจริงๆนะขอรับตงผิงจึงพูดขึ้นว่าเฮ้ย ไอ้เซอร์เชงพูดนี้แต่ก่อนเคยเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กในบ้านขององค์มนตรีถงกวนแต่พอมาตอนนี้กลับใช้ตำแหน่งหน้าที่ขุนนางไปกดขี่รีดนาพาเรนส์ไพร์ฟประชาชีหากท่านจะอนุญาตข้าจะขอตอบแทนพระคุณที่ไม่ข้าวฟันเข้าไปล่อให้มันเปิดประตูเมืองท่านก็จะสามารถแหกเข้าไปรันข้าวของเองินทองเสบียงอาหารของพวกมันได้โดยสะดวกส่งเจียมให้ดีใจยิ่งนักจึงสั่งคืนข้าวของ คุณพลทวนคู่นั้นก็พูกเกราะแล้วขึ้นมาวกกลับไปยังเมืองตรงผิงตามหลังไปด้วยวกองทัพฝ่ายโจนที่พากันมดทงถงสัญลณ์ทั้งหมดของตนเอาไว้จนไม่ชิดพอไปถึงตรงผิงก็ตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยไอพวกคนวนเชิงเถิอถอถอนอะ่ะเปิดประตูเฮ้ยมึงจำกูไม่ได้่หมวะ เหล่าทหารบนเชิงเทินเอาคบไฟส่องดูหน้าก็จําผู้ประชาการเขตทหารของตนได้คนเหล่านั้นเปิดประตูใหญ่โรยสะพานชักลงต้องขี่ม้าข้ามไปพอไปถึงประตูใหญ่ก็ทําลายที่ขวานสะพานลงสึ่งเจี๊ยบ ก, กับไพร่พลก็กรูผ่านประตูเมืองเข้าไปได้พวกเขาตรงไปยังสาราว่าการประจำจังหวัดคําสั่งห้ามทําร้ายชีวิตและเผาบ้านช่องของสามัญชนคนธรรมดาถูกถ่ายทอด ด, ด่วนออกไปจนทั่วทัพ ตรงถิง่อะไรก็ไปในจวนข่าหลวงเชงลงมือเผาจวนสังหารหัวหน้ากับครอบครัวทั้งตระกูลแล้วก็ฉุดลูกสาวมาส่งเจียงสั่งให้ชื่อจินกับนักโทษทั้งหลายออกจากคุกต่อมาก็สั่งให้เปิดคลังสมบัติของเมืองร่นคลังสบิยงทั้งสิ้นของรัฐบาลขนขึ้นเกวียนนำไปหาดทรายทองให้สามพี่น้องตระกูลหยวนขนขึ้นไปบนเขา ซื้อจินพาไปยังบ้านของนางลี่สวยหลานในเขตโคมแดงแห่งซ่องโสพีนีทางตะวันตกของเมืองแล้วสับนางเอื้องนิทรากับพ่อเล้าไม่เล้าออกไปินชิ้นๆซ่งเจี้ยงเอาทรัพย์สินของข้าหลวงเชงออกแจกจ่ายรัศดรตรงผิงแล้วติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าเราสังหารไอ้จอมทรราชข้าหลวงไปแล้วขอให้พวงชนทมามหากินกันไปโดยสงบแล้วก็สั่งถอนทหาร แต่แล้วปเชงหนูกลางวันก็กระหืดกระหอบเข้ามารายงานการศึกเบื้องตรงชางให้บรรดานายโจรที่เพิ่งกลับเข้ามาถึงหมู่บ้านเนินสันติสุขส่งเจียงได้ฟังก็น่านิ้วคิ้วขมวดดวงตาเบิกโพรงด้วยความโกรธแค้นส่งเจียงประกาศออกไปว่าพี่น้องทั้งหลายเราจะยังไม่กลับค่อยจงตามข้านอยมา จริงทีเดียววีระชนแห่งตะบนชัยน้ำเคลื่อนพลเข้าปล้นตรงชาหัวเมืองใหญ่ที่ฟูเฟื่องด้วยพวกกัพสับนับหมื่นส่งเจียงกับไพรพ ล, พลจะสามารถกอบกู้ผู้อับจนได้หรือไม่ฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ ช่วงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุดสองกังจากบทประพันธ์ของซื่อในอันแปลโดยอาจารย์จรัสชัยชิวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่เจ็ดสิบมีชื่อตอนว่าเกาทันไร้ขนสัตว์หินสยบมูวีรชนส่งเจียงทิ้งเสบียงแนกตัวขุนทหารส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ขอเชิญคุณผู้ฟังที่รัทกทุกๆท่านรับฟังได้นะบัดนี้ไปเชงหนูกลางวันจึงพูดขึ้นว่าท่านโลดจนยี่เข้าปิดล้อมตรงชัางแต่ตีแพ้ติดต่อกันมาถึงสองขนเมืองนั้น มีขนพ้นฝีมือชะกาดนาว่าจางชินคุ้มกันคนพ่นนี้นะเป็นคนจัหวัดจางเถอะเริ่ม อ, อาชีพทหารม้ามาโดยตลอดกว้างกองหินได้แม่นยำฝีมือสมังซัดออกไปทุกครั้งล้วนถูกเป้าหมายคนทั่วไปให้สมุยาว่าเขาทันหลายขนใต้เขายังมีขนพ้นอีกสองคนผู้หนึ่งนาว่ากองวางเสือคอไลที่ได้สมญานี้มาก็เพราะว่าสักลายเสือตัวใหญ่หัวพาดอยู่บนต้นคอ พุ่งแหลนบนหลังมา้าอีกผู้หนึ่งชื่อว่าติงเตอ๋อซุนสมญาณเสือต้องเกาทันเหตุเพราะหน้าบากจากแก้มไล่ลงไปถึงข้งหอยสัดคว้างสามงามยามขี่มา้าท่านลูรออยู่นอกเมืองสิบกว่าวันก็ยังไม่มีผู้ใดออกมารบกแต่พอสองสมวันก่อนจางชิงก็พรลออกมาฮาวซื่อเหวินก็เข้าปะทะสู้กันไปได้หลายเพงจางชักม้าหนี พวหหาวไล่ตามไปก็ถูกหินก้อนหนึ่งซัดเข้าที่ขมับจนฟุบขาอานมา้าเหยียนฉิงต้องยิงธนูใส่ม้าจางฉินพวกเราจึงได้เข้าไปช่วยหาวเอาไว้ได้วันนั้นนับว่ารบแพ้เป็นครั้งแรกวันต่อมาฟานหรุย่ยเจ้าอสุนวนแผ่นดินออกศึกเป็นทัพหน้าพร้อมเสียงจงกับเรี่กุณถือลกกันให้ธรมัดามําแมงนักแต่แล้วติงเตอ๋อซุนก็ตวัดนัดสามงาน งัดซับจากใต้อุ้ง ม, มือเสียบใส่เสียงจงโดยไม่ทันได้รู้ตัวพวกเราก็แพ้เป็นหลที่สองคนทั้งสองนะตอนนี้นอนรักษาแผลอยู่ในเรือท่านแม่ทัพลจึงส่งข้าให้มาตามท่านไปช่วยเหลือซุงเจียงถอนหายใจใ ห, ใหญ่แล้วว่าเฮ้ยทั้งโชคร้ายอะไรกันนักอันหนาะ ท, ทั้งทั้ที่ให้หุญงับกองซุนเชงไปช่วยก่อนแล้วมั่นใจอยู่ว่าท่านเจ้าสัว จะต้องได้ใช้ในการรบจะได้เชิดหน้าชูตาอยู่ในชุมชนแห่งนี้ได้สิกทีแต่ใครเลยจะไปคิดว่าก็ต้องมาพบกับคู่ปรับเขาจนได้หากเป็นเช่นนี้ข้ากับพี่น้องต้องรีบยกไปช่วยซะแลว้วว่าพลังก็สั่งเคลื่อนพลทั้งสามทัพบรรดาหัวหน้าโจรก็ขึ้นมา้ยาย่าตราตาม่รงเจี้ยงเขาเหยียบตีนเมืองตรงชางลู่ออกมาต้อนรับ แล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งหมดก็ลงค่ายขณะ ก, กำลังหารือกันนายทหารชั้นประทวนผู้หนึ่งก็ก้าวเข้ามารายงานไอออนจางฉินเกาทันไรขนมาท้ารบกับพวกเราตัวต่อตัวขอรับซุ้งจี้งกับบดานายโจรทั้งหลายพุลุกขึ้นเรื่อนทับออกไปยังทุ่งกว้างจัดวางไพ่พลาพตามตำราศึกรองย่ำขึ้นสามคำรบ พุทธพนจางฉินเกาทันไรขน<อ>ก็ขับม้าออกมาข้างหน้าขย o b ม้าวิ่งเรียบขนานผ่านแถว ท, าทหารจากหัวขบวนไล่ลงไปจรดปลายหางอีกทางหนึ่งกลุ่นธนูฟุ้งกระจายอยู่ใต้กีบมา้าฉับทันกรงวานเสือคอลายก็โผล่พูดออกมาจากทัมปีกซ้ายใต้รม่มธงติ่งเต๋อสุน<อ>เสือต้องกทัน<อ>ก็โผลมาจากปีกขวาทั้งสามขับมา้าเคียงกันลงไปในสนามจางฉินชี้ไปทางซ่งเจียงแล้วพูดขึ้นว่า เฮ้ยไอ้โจรไอ้บวกไอ้บึงไอ้ชาติขี้ข้าเฮ้ยกูจะมาขอรบกับมึงให้ตายจะไปข้างหนึ่งส่งเจียงหันหน้าไปพูดกับบดาหัวหน้าเอาพูดไดจะไม่ปรากมือกับจางชิงสู้หนิงครูพลห อ, อกเหล็กที่ยืนอยู่ข้างๆก็กระโดดขึ้นหลังมา้าฮวงห อ, อกเคียวตะขอแล้วควบออกไปสุ่งเจียงเห็นชอบจึงพูดขึ้นว่าใช่เลยต้องเป็นเขาพูดนั้นแหละ ช่างเหมาะสมก็ดีนกที่ไปแต่งงานกันได้ว่าช่างเหมาะสมก็ดีนะฮะสองม้าจู่ประชิดสองชีวิตเข้าประทะไม่ทันถึงหา้าเพลงจางฉินก็ลา่าถอยสู่นึ่งให้ตาม<ส PTSD>เก่าทันไร้ขนยกหอกในมือซ้ายขยับทำท่าจะแทงส่วนมือขวาก็ค่อยๆล้วงลงไปในท้ายปากลวดลายแล้วหยิบลูกหินก้อนหนึ่งขึ้นมา ในตอนนั้นซู่หนิงถ่วงตัวเข้าประทับในระยะประชิดจางฉินเอี้ยวตัวกลับแล้วส่งแรงสะบัดใช้ข้อมือซั้ก้อนหินออกไปหินก้อนนั้นจับเข้าที่ดั้งจมูกระหว่างลูกในตาทั้งส hey, oh, oh, องข <no, S 1> ้างช่วงครูคน no, no. ห อ, อกเด็กที่ไม่ทันระวังตัวพลัดตกลงจากอานมา้ากองวานกับติ๋งเตอ๋อซุนสือม้าจะเข้าไปจับแต่ทับฝ่ายซ่งเจี้ยงเหลือขนาดนับแถมลูกฟางกับโกเชงควบม้าพร้อมหอกซิ่วจันร ออกมาค้าตัวคนของฝ่ายตนเอาไว้ได้ก่อนท่งเจียงหน้าซีดด้วยตกใจแล้วอุทานขึ้นว่าผู้ใดใครจะไปจับไอ้โสโครบผู้นั้นได้ก่อนคําพูดจะทำสิ้นสุดฉับพลันอาชาตัวหนึ่งก็ควบออกมาจากด้านหลังดั่งว่าจะเหินบินเป็นเหยียนซุนเสือพยองผู้นั้นนั่นเองท่งเจียงขยับจะออกปากห้ามแต่ทว่าหม้ากลายหน้าไปซะก่อน ทั้งสองรบกันไปได้หลายเพลงแต่เหย็นสุนห็นว่าเอาไม่อยู่จึงเหยหัวม้าควบ ก, กลับมายังแถวจางฉินไล่าตามแล้วล้วงหินก้อนหนึ่งขึ้นมาซัดใส่หินก้อนนั้นพุ่งถูกเกราะที่ปิดแผ่นหลังกระเด็นกระดอนออกมาเสือพยองจุพกตัวนลงติดอ่านแข็งใจประครองตัวเลี้ยงมา้าให้วิ่งเรียบกลับมาเข้าขบวนแถวแล้วเสียงเสียงหนึ่งก็แว่วออกมาจากหมู่ไพ่ผลว่า้ยไอ้บัดสนผู้นั้นเห็นจะมีอะไรน่าหวั่นไหวตรงไหน เ <Hey! S 2> ในโจนผู้หนึ่งพร้อมหอกด้ามยาวฟาดบันทายม้าทะยานออกจากแถว <Hey. S 2> ห <Hey. S 2> ั่นเถาขุนพลิชิตศึก <Hey. S 2> ก็ตรงเข้าสู้รบกับจางฉินโดยไม่พูดพร่ำทำเพลง <Hey. S 2> ตอนที่สองม้าทลันเข้าใส่กันเสียงโหร้องก็ดังขึ้นเสงแ๊ <Hey. S 2> หฮั่นเถาแน่วแน่จะแสดงฝีมือให้ท่งเจียงเห็นเป็นประจักษ์ <Hey. S 2> ก็รวบรวมพะละงกาลังทั้งหมดของตนเข้าต่อตีกับจางฉิน ไม่ทันถึงสิทเพลงเก่าทันไร้คนก็ถอยหันเถ่ากลัวฝีมือซัดหินก็ไม่กล้าไล่ตามไปจางฉินหันกลับมาดูเมื่อไม่เห็นใครก็วกม้า ก, กลับมาอย่างเก่าคราวนี้หันเถ่าพุ่งเข้าใส่ลูกหอกลาบลงในท่าเตรียมแทงจางฉินแอบควักก้อนหินขึ้นมาพอมือวูบหินก้อนนั้นก็จู่ข้อที่นั่งจมูกของอดีตผู้ประชาการทหารเขต็ดจนจย เลือด ส, สดๆลักออกจากอวัยวะส่วนนั้นหันรีบพวกม้ากลับมายังแถวของฝ่ายตนไปเฮงฉี่ขุนพลตาสวรรค์ให้เดือดด่านยิ่งนักมีพักจะรอคําสั่งอดีตผู้บัญชาการทาหารเขตยิงโจก็กวัดแกว่นดาบสองคมสามง่ามพวกหมาเข้าใส่จามฉินก่อนที่ม้าทั้งสองฝ่ายจะทันได้เข้าปะทะเกาทันไร้ขนก็หยิบก้อนหินอีกก้อนหนึ่งขึ้นมาซ่อนเอาไว้ใต้ฝ่ามือปเปงฉีถูกก้อนหินสัต์เข้าที่หน้าผาก ทิ้งอาวุธสองคมสามง่ามรีบหนีกลับแถวอย่างรวดเร็วเมื่อคนฝ่ายตนคนแล้วคนเล่าต้องพ่ายแพ้เช่นนี้ส่งเจีนก็ให้ตกใจใหญ่ขณะกำลังจะสั่งถอยทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงแค้นคำรามตะวัดกล้องดังออกมาจากทางด้านหลังของเจ้าสัวลู่จุนยี่ฮอกิจิภูมิเราถูกลบหลู่เช่นนี้จะยังมีน้ำหน้าต่อสู้ต่อไปอยังไงได้เนี่ยฮะ ดูทีสิว่าไอ้กองหินพวกนั้นจะสะพัดข้าได้ไหมวิ่ส่งเจียงหันไปดูก็เห็นเป็นพระสวามีผู้อาภัพขุนพลส่วนซานผู้นั้นนั่นเองสุนซานลงเดือที่ส้นเท้าจิกเข้าที่สีข้างมา้ากัดแกล้มดาบแล้วพุ่งเข้าหาจามฉินขุนพลแห่งตรงช้างตะโกนขึ้นว่าม้าเดียวก็ไปเดียวม้าเป็นคู่ก็ไปเป็นคู่ มึงคงจะไม่เคยเห็นฝีมือสักเห็นของกูดอกกูใช่ชมเป็นขวัญตาส่วนซานสวนกลับไปว่ามึงคว้างคนอื่นได้แต่ไม่มีวันคว้างถูกกูอย่างแน่นอนว่าเข้าไปนั่นพูดยังไม่ทันจะขาดคำ จางฉินก็ซัด ก, ก้อนหินจับเข้าที่มุมปากของพระสวามีพลัดตกลงจากหลังมา้ากงวางกับติ่งเต๋อซุนขยับม้าออกมาจะจับแต่ไพร่พลฝ่ายโจรมีกำลังเหนือกว่าก็เข้าถึงตัวก่อนช่วยอดีตขุนพลผู้เคราะห์ร้ายออกมาได้ ส่งเจี้ยนตกอยู่ในเพลิงแค้นมือหนึ่งดึงดาบออกมาตัดชายเสื้อของตัวเองแล้วตะห ว, วาดออกไปว่าเฮ้ยถ้าอุจับไอ้จอมฉินกับมือไม่ได้จะไม่ขอกลับมาที่นี่อีกเฮ้ยแ ล, ยล้วข็หยับจักรต้นหมาออกไปหูเวียนโจยืนหมาอยู่ใกล้ๆได้ยินและเห็นส่งเจี้ยนคิดจะทำดังนั้นก็ชิงเอ่ยขึ้นว่าฮอกท่านตกออกหน้าแล้วไซพวกเราพี่น้องจะมีเอาไว้เพื่อประโยชน์อันใดกันเล่าเฮ้ย ว่าพรางก็ควบไม้มัดเลือเหนือหิมะลงไปกลางทุ่งโล่งแล้วบริาพาจจงฉิงเป็นที่ขโมงโฉงเฉ้ ง, งอไอ้คนจ้องหงองพ้องขนอันธรรมดาไม่แต่ลูกเท่านั้นที่จะออกมาแสดงความกล้าบ้าบินเพื่อเอาเออกเอาใจผู้เป็นบิดาเมือจังขุนพนหูเหวินโจพอ้องได้หรือเปล่าฮะอ๋อไอ้ขุนพลขี้แพ้และวทรยศคิดคดก่อกบฏพวกนี้นี่เองดูทีสิว่ามึง จะรับมือ <S <s <emperor> <S hmm. สิ่งนี้ได้หรือไม่เก้าท่านไร้ขนก็ซัดก้อนหินเข้าใส่หูเหวีนรีบยกกระบองคู่ขึ้นปัดแต่ก้อนหินพุ่งเข้าใส่รวดเร็วซะจนไม่ทันรับจับเข้าที่กระดูกข้อมือเเนื่องจากคอนกระบองเหล็กไม่ไหวหูเหวียนก็รีบกลับเข้าแถวทรงเจียงเอ่ยขึ้นว่าห้ยขุนพลธรรมะของเราบาดเจ็บกันไปนักแล้วจะมีใครไหนเล่าในเหล่ารับจะออกไปกำราบไอ้จางฉินฮึ ลิวถังควงเงาสาวเท้าก้าวลงไปในสนามจางชินเห็นก็หัวรอแล้วพูดขึ้นว่าเฮ้ยไอขุนพลกระจอกอู้ชัดไอพวกแม่ทัพของมึงจนไม่กระร่อกไปสิ้นแล้วให้พวกเดินดินอย่างมึงอ่ะเหรอมันจะไม่มีดีอะไรที่ตรงไหนหวะฮะลิวถังได้ฟังว่าเขาไม่เห็นตัวอยู่ในสายตาก็โกรธรอดเขาใส่ <What>? Yeah. เราทันไร้ขนชักม้าวิ่งกับที่ตั้งริวถังวิ่งไล่วกวดไปจนทันสบัดหนาฟันใส่มา้าเป็นเนาหนึ่งม้าตัวนั้นยกขาหลังดีดพร้อมสบัดปลายหางฟาดใส่หน้าจนริวถังตาพร่ามัวไปวูบหนึ่งนี่เอาไปกินก่อนหินจากมือจางฉิง <What? S 1> ก็ส่งไปศาสตร์หนวดแดงลงไปนอนคลุกฝุ่น <What? S 1> ขณะจะผุดลุกขึ้นท yeah. yeah. yeah. yeah. หารฝ่ายตรงช้าง yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. ก็มาถึงแล้วดึงตัวเอาไป ส่งเจียงตะโกนขึ้นว่า <S <S เฮ้ยข้าใดจะไปช่วยน้องเหลียวถังอั่ยางซื่อเดรัจฉานหน้าดำก็กลายเงาวพวกหมาเขาใส่จางฉินเก้าทันไร้ขนสร้างแทงรวมด้วยหอกยางซื่อฟันฉับข้ให้ผู้บัญชาการทหารเขตตรงช้างก็มอบลงกับอ่านมา้าใบเงาก็ฟันผ่านไปในอากาศสถาศสจางฉินตะวัดใส่สะบัดนัดข้ามือขึ้นแล้วพูดว่า <S <S 2> <S 2> เอา้ารับไป ก้อนหินก้อนนั้นกระแทกใส่หมวกเหล็กของอดีตราช อ, องครักพิทักห้องเตะเสียงก้อนหินกระแทกใส่โลหะสะเทือนลงไปถึงไขกระดูกเดรัจฉานหน้าดำรีบปุ๊บหลบลงกับอานมา้าแล้วควบหนีกลับออกมาโดยไวทส่งเจียงรำพึงว่าฮวันนี้ต้องเสียเชิงชยัยแล้วจะมีหน้ากลับเหรียญสานปาะได้ยังไงกันวะเนี่ยฮะแล้วพูดขึ้นดังๆว่าเอา้าใครพูดไค จะออกไปช่วยถอนแค้นให้เราบ้าจูถงมองหน้าเหลยเห็งแล้วพูดขึ้นว่าเฮ <"H ee, S 2> พวกมันจับอยู่วถังได้ก่อนแล้วจะเป็นไรไปหากคนเดียวไม่พอเราสองก็รวมกันเข้าไปคนหนึ่งตีหน้าอีกคนหนึ่งตีหลังสองอดีตมือปราบแห่งหยุ่เชงขวงง ว, ขวงาคู่มือพุ่งเข้าหาด้วยประกายอมหิทธจูถงแยกไปทางซ้ายเหลยเหง๋งจะให้ไปทางขวาแต่จางฉินหัวเราะ หยิคนเดียวไม่พอพวกมึงมาเป็นคู่แต่ต่อให้รุมมาเป็นสิบก็ยังหาครณามือกูไม่จางฉินเอ่ยขึ้นสีหน้าแววตาไร้ซึ่งความกังวลในมือทั้งสองข้างกำหินเอาไว้มั่นเลยเหงไปถึงก่อนจางฉินชูแขนข้างหนึ่งขึ้นเหนือศีรษะท่วงทางดงามระหนึ่งเทพยดาเงื้อง่าพระพาหา ด้วยตาไม่เห็นก้อนหินจึงไม่ทันหลบหินก้อนนั้นก็จับข้อที่หนกแงมเลยเหงม้วนตลบลงไปซบดินพอจูถงถลันเข้าไปช่วยเพื่อนก็ถูกหินซัดเข้าไห้ที่ต้นคอกวนเชงมองไปจากแนวรกเห็นคนทั้งสองบาทเจ็บก็รวบรวมพลักกาลังทั้งหมดไร้งามมังกรครามกระตุ้นม้าสีฐานสุกโถมเข้าช่วย จางฉินที่เพิ่งจัดการกับคนทั้งสองก็หวนกลับลงสนามแล้วสัตว์ก้อนหินใส่อีหันคราวนี้กวนเชงรีบยกเงารับก้อนหินกระแทกใส่คมงเงาแต่กระเด็นเป็นสะเก็ดไฟสาดกระจายวับหายไปในอากาศสุทธพร้อมๆกันนั้นความกระหายใคร่จะรื้อรบของขุนพลเงาใหญ่ก็พรันแหลกสลายไปในความว่างเปล่ากวนเชงจ้าเหหัวม้าพกกลับมายังแนวรบของฝ่ายตน ต้องผิงขุนพลทวนคู่เห็นดังนั้นก็พูดกับตนเองว่าเฮ้ยอันตัวเราก็เพิ่งจะมาสวงไม่พักกับท่านทรงเจียนได้ไม่นานหากไม่แสดงฝีมือวรยุทธให้ผู้อื่นได้พูดถึงบ้างแล้วเวลาขึ้นเขาจะมีใครเขาเคารพยกยองจึงกระชับทวนคู่ววบม้าลงสนามไปจางฉินเห็นเขาก็ปริพาดให้เฮ้ยเมือกับโู เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดสนิทกันประดุดฝันกับริมฝีปากพวกเราเคยร่วมจิตร่วมใจฟาดฟันกับเราโจนร้ยเมื่อก่อนแต่แล้วเหตุฉัไหนมึงจึงคิดค้นกบฏต่อราชสำนักมือมันสมควรละไอ้ใจให้จงหนักตงผิงกรวดก็พุ่งเข้าหาสองม้าปะทะสองอาวุธกระทบหนึ่งหอกสองทวนสี่มือวาดวัดกันให้ว่องไวัยสู้กันได้กว่าหกสิเจ็ดสิบเพลง แล้วจางชิงก็ชักมาหนีตรงผิงลุกเข้าใส่แล้วพูดว่าอ้ยคนอื่นอาจจะกลัวหินมึงแต่พวกมันแตะกูไม่ได้หรอกเว้ยเฮ้ยมาไลยหินมึงอะนี่กี่ร้อยฮะเฮยเก้ากทันไร้ขนเก็บหอกข้างอ่านควานมือลงไปในทายแล้วล้วงหินก้อนหนึ่งขึ้นมาซัดนี่เอาไปกินแต่ตรงผิงเป็นคนสายตาคมชัดมือไม้ก็ว่องไวจึงปัดหินกระเด็นไป จางฉินตามไปด้วยก้อนที่สองตองผิงก็หลบได้อีกไว้ ผงมองหน้าเลยเหง๋งแล้วพูดขึ้นว่าพวกมันจับอยู่ทั้งได้กแล้วจะเป็นไรไปหากคนเดียวไม่พอเราสอก็รวมกันเข้าไปคนหนึ่งตีหน้าอีกคนหนึ่งตีหลังสองอดีตมือปราบแห่งยุ่งเชงห่วงงาคู่มือพุ่งเข้าหาด้วยประกายอมหิดจูดผงแยกไปทางซ้ายเหลยเหง๋งย้ายไปทางขวาแต่จางฉินหัวเราะ <laughs> ยิ e คนเดียวไม่พอพวกมึงมาเป็นคู่แต่ต่อให้รุมมาเป็นสิบก็ยังหากระ า, ามือกูไม่ <laughs> จางฉินเอ่ยขึ้นสีหน้าแววตาไร้ซึ่งความกังวลในมือทั้งสองข้างกำหินเอาไว้มัน่นเลยเหงไปถึงก่อนจางฉินชูแขนข้างหนึ่งขึ้นเหนือศีรษะท่วงทางงดงามประหนึ่งเทพปยาดาเงือง่ามพระพาหาด้วยตาไม่เห็นก้อนหินจึงไม่ทันหลบหินก้อนนั้นก็จับค้ที่โหนแก้ม เลยเหงม้วนตลบลงไปซบดินพาจูถงถลันเข้าไปช่วยเพื่อนก็ถูกหินซัต์เข้าให้ที่ต้นคอกวนเชงมองไปจากแนวรบเห็นคนทั้งสองบาดเจ็บก็รวบรวมพลักกาลังทั้งหมดรายง้ามมงกริครามกระต้นหมาสีฐานสุกโหมเข้าช่วยจางฉินที่เพิ่งจัดการกับทนทั้งสองก็หวนกลับลงสนามแล้วสัดก้อนหินใส่อีกหน คราวนี้กวนเชงเรียบยกเงารับก้อนหินกระแทกใส่คมงเงาแต่กระเด็นเป็นสะเก็ดไฟสาดกระจายวัดหายไปในอากาศสาศัทธาพร้อมๆกันนั้นความกระหายใครจะรื้อรบของขุนพลเงาใหญ่ก็พลันแหลกสลายไปในความว่างเปล่ากวนเชงจำ้ำเหหัวมมาวกกลับมายังแนวรบของฝ่ายตนต้องผิงขุนพลทวนกู้เห็นดังนั้นก็พูดกับตนเองว่าเฮ้ยอันตัวเรา เพิ่งจะมาส่วงไม่พักกับท่านทรงเจียงได้ไม่นานหากไม่แสดงฝีมือวรยุทธให้ผู้อื่นได้พูดถึงบ้างแล้วเวลาขึ้นเขาจะมีใครเข้าครบรบยกองย่อง <What? S 1> จึงกระชับทวนคู่ววกมาลงสนามไปจางฉินเห็นเขาก็ปริภาดให้เฮ้ย <Hey, S 1> มึงกับกูเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดสนิทกันกระดุดฝันกับริมฝีปากพวกเราเคยร่วมจิตร่วมใจฝาดฟันกับเหล่าโจรร้ายมาก่อนแต่แล้วเหตุฉันไหน มือจึงคิดค้กระบวต่อร้านชัสํานักมือมันสมควรและไอ้ใจให้จงหนักตงผิงโกรธก็พุ่งเข้าหาสอม้าปะทะสองอาวุธกระทบหนึ่งหอกสองทวนสี่มือวาดวัดกันให้ว่องวัยสู้กันได้กว่าหกสิบเจ็ดสิบเพลงแล้วจางฉินก็ชักม้าหนีตงผิงรุกเข้าใส่และพูดว่าเฮ้ยคนอื่นอาจจะกลัวหินมึงแต่พวกมันแตะกูไม่ได้หรอกเว้ยเฮ้ย มาไยเหินมึงอะนี่กี่ร้อยลูกฮะเฮ้ยเก้าทันไร้ขนเก็บหอกข้างอ่านควานมือลงไปในทายแล้วล้วงหินก้อนหนึ่งขึ้นมาซัดแต่ตรงผิงเป็นคนสายตาคมชัดมือไม้ก็ว่องไวจึงปัดหินกระเด็นไปจางฉินตามไปด้วยก้อนที่สองตรงผิงก็หลบได้อีก หินสองก้อนพลาดเป้าจางฉินเริ่มตระนกม้าตรงผิงก็ก็โยกตามไปติดๆชนิดรูจมูกไหลกับปลายหางเพราะจางฉินวิ่งมาไปจนจะดปลายซ้ายสุดของแถวธงฝ่ายตนขุนพลควนคู่ก็ไล้ทันเสือปลายทวนก็ใส่แผ่นหลังจางฉินเยี่ยวตัวไม่เห็นก็เบี่ยงหลบจนตัวห้อยออกไปนอกอ่านคมทวนทิ่ผ่านไปอย่างไรพิสมสองมา้าควบแข่งขนานกันไปจางฉินก็เก็บหอก แล้วใช้มือเปล่าทั้งสองจับแขนกับทวนของตรงผิงเอาไว้แน่นออกแรงดึงแต่ไม่อาจขยี้ฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งสองเลยปลุกปร่นกันไปบนหลังมา้าโสเจ้ายืนม้ามองมาจับทางซ่งเจียงจึงควงขวางด้านยาวถลนเข้าช่วยองวานกับติ่งเตอ๋อซุนก็ควบม้าจากปีทั้งสองของตนเข้าสกัด พวกเขาพันตูกันอยางถึงพลิกถึงขิงตงผิงป้ามกับจางชินไม่ยอมปล่อยอีกสามม้าก็สู้กันไป ร, บรอบๆเลือเรียวโกรธลินชงหัวโลงลูกฟางกับโกเชงสองหอกเดียวกับอีกสองเสี้ยวจันก็ถลันท์มาเข้าช่วยตงผิงกับโสเจ้าจางชินเห็นว่าสถานการณ์ของฝ่ายตนกำลังเพี้ยงพลัจึงผลักออกจากตงผิงแล้ววิ่งม้า ก, กลับไปยังที่ตั้ง ตงผิงหายย่อมไม่พวกมาไล่ตามกระทั่งถลัมก็ไปในกลางทัพของฝ่ายรัฐบาลลืมสิ้นเรื่องก้อนหินจางฉินแอบรวมก้อนหินมาถือไว้รอจนม้าตรงผิงไี่เข้าใกล้แล้วตะโกนขึ้นว่าเอารบไปคุณพลทวนคู่รีบก้มหลบหินก้อนนั้นส่งเสียงหวีดวิวแหวกอากาศเฉียดหูตงผิงไปคุณพลทวนคู่ไม่มีเกียรใจจะรบก็ชักม้ากลับที่ตั้ง โซ่เจ้าทิ้งติ่งเตอ๋อซุนกับกงวางแล้วไล่ตามจางฉินไปจางฉินไม่ยอมใช้หอกแอบหยิบก้อนหินออกมาก้อนหนึ่งแล้วคว่างใส่โซ่เจ้าอดีตผู้การทหารม้าก้มหลบแต่ทว่าช้าไปก้อนหินก้อนนั้นจับเข้าที่หน้าเลือดสดๆทลักออกมาเนืองนองเ uh huh. จ้าตัวเรียบควบม้าถือขวานด้ามยาวกลับฐานขณะเดียวกันลินชงกับหัวหงตรึงกงวางอเอาไว้ด้านหนึ่ง ส่วนลูปฟางกับโกเชงก็กุ้มรุมติ่งเตอ๋อชุนเอาไว้อีกด้านหนึ่งกงวางขว้างแหลนใส่แต่ด้ความร้อนรนหาถูกคนใดไม่เมื่อไร้อาวุธลิ้นชงกับหัวหงก็เข้าล้อมจับเอาไว้ได้อย่างง่ายดายแล้วพากลับไปยังที่ตั้งของฝ่ายตน เต๋ชนกวัดแกว่งชั่วกษาง่า ม, ามรับมือลูกฟางกับโกเชงอย่างสิ้นหวังไม่รู้เลยว่าถูกเหยียนฉินจับตามองจากใต้ร่มธงเจ้าอัจฉริยะคิดในใจว่าพวกมันสยบหัวหน้าฝ่ายเราไปสิบห้าคนติดตดกันถ้าเราจับรองแม่ทัพของฝ่ายมันไม่ได้เลยสักคนแล้วจะเอาหน้าไปไว้ไหนวะเนี่ยฮะว่าแล้วก็วางพรองจับหน้าไม้มาขึ้นลูกแล้วยิงออกไป เกาทันดอกนั้นเสียดข้อที่กิดเท้ามาของติ่งเตอ๋อสุนลม้มลงกับพื้นลูฟฟางกับโกเชงถือโอกาสเข้ารวบตัวรองไม่ทับที่หน้าขามามตามลงไปจางฉินคิดจะเข้าไปช่วยแต่ด้วยค่าศึกล้นหลามไม่อาจทำตามใจคิดได้แต่พาหลิวถังกลับเข้าเมืองข้าหลวงเฝ้ามองลงมาจากเชิงเทินก็เห็นเกาทันไร้ขนปราบหัวหน้าฝ่ายโจรรวดเกลยวสห้าคน แม้จะเสียกงวางกับติ่งเตอ๋อซุนไปแต่ก็จับอยูท่ทังได้จึงถือว่าฝ่ายตนชนะก็ไปรอรับผู้ล้าด้วยสุราที่จวนเอาตัวหลิวถังใส่คือขังไว้แล้วนั่งลงสนทนากับจางฉินฝ่ายส้งเจี้ยนก็พาทัพฝ่ายตนกลับค่ายส่งตัวกงวานกับติ่งเตอ๋อซุนไปคุมขังไว้ที่บึงเหลียงซานหลังจากนั้นก็นั่งลงหารือกับลู่จุนยี่และปู่หยง ต้องเจียงพูดขึ้นว่าตั้งแต่ยุคห้าราชวงศ์มีเพียงขุนพลหวังเยียนเจ้าแห่งมหาอาณาจักรเหลียงเท่านั้นที่ปราบแม่ทัพฝ่ายทังลงถึงสามสิบหกคนก่อนตะวันจะทันยืดเนามาวันนี้จางฉินก็สยบขุนพลฝ่ายเราทีเดียวสิบห้าคนช่างวีระอาจหารทัดเทียมท่านขุนพลหวังโดยแท้เมื่อไม่มีใครตอบ ส่งเจียงจึงต่ออีกว่าสำหรับข้ารู้สึกว่าเขาต้องอาศัยกงกับติงให้คอยคุ้มกันด้านปีกหนักอยู่ตอนนี้เราจับคนทั้งสองได้แล้วจึงน่าจะหาวิธีการดีๆสักอย่างมาจับเขาด้วยกูหยงจึงเอ่ยขึ้นว่าโปรดวางใจเถดิดข้าได้สังเกตพฤติกรรมของเขาเอาไว้จนหมดจดเอาไว้จนสิ้น ส่งพวกหัวหน้าที่บาดเจ็บของพวกเราไปพักฟื้นบนเขาซะก่อนแล้วให้หลวงจีนลูกวูสงสุดลี่หวงสินกับลี่ลี่ระดมกําลังทางเรือของเราทั้งหมดเท่าที่จะคนเอามากันได้เราต้องใช้กองเกวียนกับเรือจํานวนมากประสานกําลังทั้งทางบกและทางน้ำทั้งทัพหมากับทัพเรือเพื่อลวงจางฉินเหมฉยแต่ทางนี้เท่านั้นที่จะสำเร็จผลว่าแล้ววูหยงก็ลงในรายละเอียดว่าต้องใช้ไพ่ผลอย่างไร ส่วนในเมืองจางฉินเอ่ยกับข้าหลวงว่ายถึงเราจะชนะแต่กำลังฝ่ายข้าศึกก็ยังไม่มีอะไรเสียหายจงส่งแมวมองออกไปสังเกตการแล้วค่อยกำหนดกันว่าจะทำอะไรดีพ่อแมวมองกลับมาก็รายงานว่ากรังองจับค่ายของพวกมันออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือมีการรับเรียนสบเบียงตรังจำนวนมากพวกเราไม่ทราบว่า พวกมันมาจากไหนท่านจ้าหาเหล่านั้นใช้เรืตั้งร้อยเล่มเรือทั้งเล็กทั้งใหญ่อีกกว่าร้อยลำเรียบล่องมาตามคลองน้ำม่ใไอ้พวกหายใหญ่หลายคนคอยกำกับดูแลขบวนคารวานทั้งสองมาตลอดทางข้าหลวงรำพึงว่าเฮ้ยไอ้โสโครกพวกนั้นมันต้องคิดจะทำอะไรสักอย่างเป็นแม่นมันเราต้องระวังใหญ่พวกมันสอนคนเอาได้ฮนะต้องส่งแมวมองออกไปสอดแนมดูให้รู้ชัดว่า พวกมันขนสัเบียนกันจริงหรือไม่พอวันรุ่งขึ้นนายทหารชั้นประทวนอีกผู้หนึ่งก็เข้ามารายงานรายงานเวียนพวกนั้นเต็มไปด้วยข้าวบางเล่มกองพูดจนหกเรี่ยราดส่วนบนเรือนั้นแม้จะมีประทุนปกปิดเอาไว้อย่างไม่ชิดก็ดูออกว่าปิมน้ำด้วยหนักแระสอบทจะหารเช่นกันครับจ้างฉินจึงเอ่ยขึ้นว่า เข้าจะออกไปคืนนี้แหละหยุดกองเวียนที่ริมตะลิงเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปยึดขบวนเรือในน้ำเอาทีหลังหากท่านข้าหลวงจะเห็นด้วยะนะหากคิดว่าเราคงจะยึดสเสบียงหล่อนนั้นได้ทันก่อนยามแรกแน่นอนท่านข้าหลวงจึงว่า แ, แผนการยอดเยี่ยมเลยท่านขุนพลแต่จงดูให้แน่ว่าถึงเวลาเหมาะแล้วจึงค่อยลงมือนะข้าหลวงจึงสั่งการให้ทหารกินดื่มให้พอผูกกาะ และให้นำกระสอบเปล่าไปมากๆจางฉินถึงหอกด้ามยาวพาไพร่พนหนึ่งพันคนออกจากเมืองไปอย่างเงียบๆแม้แสงเดือนจะซี่สลดแต่แผ่นฟ้ายังดารดาดด้วยดวงดาวพร่างพายเพราะยกออกไปไม่ทันได้สิธิีดีพวกเขาก็เห็นกองเกวียนปักธงเขียนข้อความว่าสเสบียงกลางแห่งป้องค่ายชายน้ำ ที่มั่นคงจงรักภักดีและมีคุณธรรมนำหน้าโดยหลวงจีนลู่หลังลายเดินแบกไม้ท้าพระธรรมชายจีวารถูกเลือกขึ้นมาเหน็บไว้กับสเอลจางฉินนึกในใจว่ากูจะซักหินใส่กบาลไอ้หัวหน่งนั้นให้ดูคอยดูนะมึงความจริงในตอนนั้นหลวงจีนลู่เลือกเห็นขุนพลแห่งตรงชางก่อนแล้วแต่แซงไก่เดินไปเรื่อยๆไม่คิดหวั่นก้อนหินไป เก้าทันไร้ขนตะโกนลงมาจากหลังมา้าฉับพลันก้อนหินก้อนนั้นก็แหวกอากาศกระแทกใส่หัวหลวงจีนลู่ลงคว่ำขมำหงาย <c oughs> โลหิตไหลเนืองนองทหารฝ่ายจางฉินหัวร้องขึ้นด้วยความดีใจบุกเข้าใส่หูสนดึงดาบคู่ออกมาถือพุ่งออกตะคุ้มกันหลวงจีนลู่ก่อนจะพากันทิ้งเกวียนหนีเอาตัวรอดก้า <c oughs> ทันไร้ขนบุกเข้ายึดกองเกวียนและพบว่ามั่นเต็มไปด้วยข้าว ด้วยอารามณ์ดีใจเกินจะไล่าตามหลวงจิตลูกจางฉินก็พากองเกวียนกลับเข้าเมืองข้าหลวงที่กําลังดีใจก็ออกมารับจางฉินเอ่ยขึ้นว่าตอนนี้ข้าจะกลับไปเอาสมเบียงที่ลําเลียงมาทางเรือข้าหลวงเตือนขึ้นว่าเออตอนเวลาจะลงมือจริงๆอะ่ะจงดูให้ชัดนะท่านขุนพลเก้าทันไร้ขนขึ้นควบม้าไปทางประตูทิศใต้ มองออกไปก็เห็นเรือสีเรียนนับจำนวนไม่ถ้วนลอยอยู่เหนือน้ำจางฉินตะโกนสั่งให้เปิดประตูเมืองแล้วกล่องทับจากตรงชางก็ปูร้องพลักไหลลงไปที่ชายน้ำทันใดนั้นจูจ่ๆเมฆเทวมือนก็ก่อตัวสายหมอกดำสนิทก็ค่อยๆแผ่ปกคลุมผืนฟ้าทหารของจางฉินไม่ว่าจะเป็นทหารมา้าหรือพลเดินเท้ามองอะไรไม่เห็นจอมขมังเวทผู้ไร้มวลก็คือ กงซุนเฉีงผู้นั้นนั่นเอง <endless crisis starts> จางฉินตะลีตะเหลือกมองไปไม่ตลอดก็คิดจะหันหลังกลับแต่ไม่ว่าจะรุกหน้าหรือถอยหลังก็ไม่เห็นเส้นทางฉับพันรอบรอบข้างก็เต็มไปด้วยเสียงกูตวาดไม่รู้ว่าฝ่ายบุกรุกมาจากที่ไหนลิ้นชงนําทับมาเล็ดไล่กระหน่ำทับจางฉินจนตกน้ําไปทั้งคนทั้งม้า พ่อมองลงไปในน้ำก็มีขนพลเรือทั้งแปดของฝ่ายโจนทั้งลี่จุนจางเฮงจางซุนสามพี่น้องตระกูลหยวนและสองพี่น้องตระกูลถงตั้งแถวรอท่าอยู่ก่อนแล้วจางฉินดิ้นไม่หลุดถูกสามพี่น้องตระกูลหยวนจับมัดแล้วนำกลับค่ายนายทัพเรือค น, น, นอื่นๆรีบตรงดิ่งไปรายงานเรื่องดังกล่าวแก่ทรงเจียงและแล้ววูหยงก็ขับทัพฝ่ายโจนเข้าบุกตีเมืองในคืนนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าหลวงผู้เดียวจะต้านไหวเสียงปืนใหญ่ดังกึกก้องกับอำนาจมาจากแนวกำแพงเมืองทั้งสี่ทิศประตูเมืองทั้งสี่ถูกฉีกกระชากเปิดออกข้าหลวงตกใจไม่รู้จะหนีไปไหนได้ทับทรงเกียงกระโถมเข้าไปในเมืองรีบกดปล่อยลิวถังก่อนเป็นอันดับแรกแล้วบุกพล้นคลังสเสบียงส่งข้าวและเงินทองส่วนหนึ่งขึ้นไปเก็บไว้บนเขาที่เหลือก็ อ, ออกแจกจ่ายแกร่รัษฎร ไว้ชีวิตข้าหลวงด้วยเห็นว่าเป็นขุนานางตรงฉินส้มเจี้ยงกับบรรดาหัวหน้าโจรไปชุมนุมกันที่ศาลาว่าการฝ่ายแม่ทัพเรือนําตัวจางฉินเข้ามาด้วยขุนพลแห่งตรงชางเคยทําเอาบรรดาขุนพลฝ่ายโจรบาดเจ็บไปหลายคนพวกระดับหัวหน้าก็พากันขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใครจะฆ่าทิ้งเสียให้ได้แต่สุ้มเจี้ยงให้แก้มัดแล้วเดินลงจากยกพื้นเข้าไปหาเอ่ยปากทักออกไปว่า เออพวกเราผิดนักที่พงอาจร่วงเกินท่านโปรดอย่าได้ถือสาหาความเลยขอรับส่งเจียงขอเข้ามาแล้วเชิญเก่าทันไร้ขนขึ้นไปบนสลาก่อนคำพูดจะทันขาดคำหลุงจินรูปพวกผ้าพันแผลที่ศีรษะก็ทลันออกมาชูไม้เท้าเหล็กขึ้นเหนือหัวหมายใจจะกระนำใส่จางฉินให้แหลกยับส่งเจียงสืบเท้าออกไปขวางไว้แล้วตวาดใส่ให้ขยับถอยด้วยทราบซึ้งในคุณธรรมน้ามิตรของส่งเจียง จางฉินก็คุกเข่าสี่โรราบยินยอมน้อมใจส่วไม่พักก็เมื่อ น, นั้นแล้วส่งเจี้ยงจึงเอาล่ามาหลังทักษินโนทกลงกับดินหยิบเก่าทันดอกหนึ่งออกมาหับบนบานเป็นการสาบแช่งว่าหากพวกท่านพี่น้องหรือคิดจะริบแ้นก็ขอสวรรค์จะได้ช่วยปกปักรักษาคนนั้นจะต้องสิ้นชีวาภายใต้ขด่ดับบรรดาหัวหน้าทั้งหลายที่นั่นไม่มีผู้ใดปรี ป, ปาก พ่อนสายคลายเส้นคำนับรับคำด้วยใบหน้ายิม้มแย้มทุกคนพากันแล้วใจไพร่ผลทั้งปวงก็ถูกระดมเตรียมเดินทางกลับขึ้นเขาจางฉินก็เสนอขึ้นว่าข้อแต่ท่านทกเจียงในเมืองตรงชางแห่งนี้มีหมอรักษามม า, ามว่าหวงฟูตวนเก่งนักในทางดูลักษณะมารู้สิ้นอาการป่วยไข้หนาวสัน่นแค่ฝังเข็มกับใช้ ย, ยาหม้อก็รักษาได้สิน้นเชี่ยวชาญปานเทวดา พืชแพเป็นคนจังหวัดอยู่โจ้ตาสีฟ้าผมเเผ้วสีน้ำตาลอ่อนสวดทรงอ ง, งเอวเป็นคนต่างชาติต่างภาษารู้จักกันในสมัยยาว่าเขาแดงเขามีประโยชน์ต่อพวกเราบานเขาเหลียงซานนักหากท่านจะอนุมัติข้าจะไปชวนเขาให้ขนครอบครัวขึ้นไปอยู่เสีย ด, ด้วยกันวันนั้นส่งเจี้ยงรับคำด้วยยินดีแล้วเอ่ยกับจางฉินว่าหากท่านหวงฟูตวนสมัครใจจะไปด้วยกันพวกเรานั้น ก็ย่อมยินดีต้อนรับด้วยเห็นว่าส่งเจี้ยงผูกใจสมัครรักใคร่ตนเช่นนั้นจางฉินก็ดีใจเรียกหมอรับสามารถผู้นั้นมาหาเนื่องจากหววฟูตวนหาใช่คนธรรมดาสามัญไม่ลูกในตาสีฟ้าแต่ละหน่วยนั้นมีรู ม, ม่านตาสองชั้นคราวหยิกสลวยย้อยลงไปถึงสะเอวพ่อเห็นการต้อนรับเป็นไปด้วยน้ำใสใจจริงเจ้าตัวจึงสมัครเข้าร่วมด้วยยินดี ส่งเจียงก็พึงพอใจเป็นยิ่งนักหลังจากฟื้นระเบียบคือแปรภายในเมืองคืนมาได้แล้วส่งเจียงก็บัญชาให้เหล่าหัวหน้าระดมกองเกวียนให้พร้อมบรรจุสเสบียงอาหารเข้าของเงินทองแล้วบ่ายหน้ากลับพร้อมสองทัพหน้าหลังขากลับไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆไม่ช้าก็มาถึงหอธรรมมพักดีส่งเจียงเรียกกงวางกับติ่งเตอ๋อซุนเข้ามาหาโภาพาปราศัยด้วยเมตตาปราณี ทั้งสองก็เข่าเตา่าปรารณาตัวขอเข้าด้วยหวงฟูตวนได้รับแต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์ประจำค่ายขุนพลทวนคู่ตรงผิงกับเกาทันไร้ขนขุนพลจางฉินได้ขึ้นเป็นหัวหน้าซ่องเจี้ยงเอ่ยขึ้นว่าอ้อพี่น้องทั้งหลายนับตั้งแต่เริ่มมาชุมนุมกันบนเขาลูกนี้พวกเราไม่เคยต้องสูญเสีย ใ, ใดๆใหญ่โตนั่นเป็นพระสวรรค์บันดาล หาใช่ความสามารถของผู้หนึ่งผู้ใดไหมอาวันนี้ที่พี่ขึ้นเป็นใหญ่ก็ได้อาศัยความวีระอานหารของพี่น้องของเพื่อนเมื่อทุกคนได้มาอยู่ใต้ชายคาร่วมกันในป้อมค่ายพี่ก็ใครจะขอพูดอะไรสักสองสามคำวังใจว่าพี่น้องจะรับฟังนะบูยงเอ่ยขึ้นว่าเอาท่านทรงเจียงเชิญพูดได้เต็มที่เลยพวกข้าใครจะฟังนะัก ส่งเจียงก็แจกแจงความคิดของตนให้บรรดาผู้คนทั้งหลายได้รับฟังผลก็คือดาวเทพอสูรสามดวงก็มาชุมนุมกันจนครบคนมานปรปฐมภูทั้งเจบสองตนก็มาน้อมคำนับรับติ้วจากสวงสวรรค์แล้วส่งเจียงพูดอะไรออกมาฟังบทถัดไปหากว่าอยากจะรู้ มีอธิบายนิดหนึ่งนะครับท้ายบทครับชื่อของจางฉิงครับมันดันไปคล้ายจางฉิงคนปลูกผักนะครับที่เขามีอาชีพไม่ได้ปลูกผักนะครับก็คืออาชีพธุรกิจโรงเตี๊ยมนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในโรงเตี๊ยมของเขานั้นมีอาหารด้วยนะครับก็คือสลับเปาไส้เนื้อคนนั่นเองนะครับพี่น้องครับามจําผิดหรือเปล่าครับพี่น้องของจางฉิงคนปลูกผักนะครับ รเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายณนะอําก็ขอถือโอกาสนี้ร่ำลาพี่น้องที่รักไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจะตุรพิษธะพรชัยทั้งสี่มีอายุวันนะสุขะพละปฏิพานทนสารสมบัติจงมีเด็ดท่านผู้ฟังที่รักท้กทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่